สิ่งนั้นเป็นลักษณะของเหลวสัมผัสเย็นๆอย่างไรพิกลทันทีที่ประสาทคืนมาสู่ตัวหูหล่อนยังได้ยินเสียงสนทนาการพึมพำจากรอบๆตัวอันเป็นเสียงของพักพวกที่ร่วมคณะนั่นเองหล่อนลืมตาขึ้นมองไปที่หลังมือตนเองอันได้รับการสัมผัสนั้นแล้วก็บังเกิดความพิสวงครามคันถูกแล้วมันเป็นของเหลวชนิดหนึ่งสีคราเหมือนโคลนเหลวยดสักขนาดหัวแม่มือ ปรากฏติดอยู่ที่หลังฝ่ามือขวาอันไม่ได้สวมถุงหนังของหล่อนพอถอดออกชั่วขณะคราวที่นั่งลงพักนักมนุษย์วิทยาสากระพริบตาถี่ๆกวาดตาไปยังผู้ร่วมคณะทั้งหลายเห็นนั่งแวดล้อมเรียงรายอยู่เป็นระยะรอบตัวหล่อนเหมือนเดิมกำลังสูบบุหรี่คุยกันอยู่เบาๆโดยไม่มีใครทันมาสังเกตเห็นอาการลืมตาของหล่อนจึงยกหลังมือข้างนั้นขึ้นพิจารณาโดยใกล้ถอดถุงมืออีกข้างหนึ่งออกเอานิ้วแตะขยี้ดู มันเป็นโคลนเหลวจริงๆนั่นแหละมีสีแดงชนิดหนึ่งปะปนอยู่ในหยดโคลนนั้นอยู่ด้วยจางๆหญิงสาวขามวดคิ้วยน่นแต่แล้วก่อนที่สมองจะทันคิดเช่นไรในปากฏการประหลาดเหล่านั้นเองอีกหยดหนึ่งก็หยดแปะลงมากระทบหลังมืออีกครั้งคราวนี้มันไม่ใช่โคลนสีแล้วแต่เป็นหยดเลือดสดๆไม่มีปัญหามันหยดลงมาจากเบื้องบนศีรษะของหล่อนขณะนี้นั่นเอง ดาลินกลั้นใจค่อยๆแหงหน้าขึ้นไปมองบนเบื้องบนอันเป็นซุ้มกร ะ, ท, ะทกรกและเถาวเครือเล็กๆที่ขึ้นพันแน่นทึบอยู่ในระหว่างยอดก้อนหินใหญ่สองรูปซึ่งสูงจากระดับที่นั่งพักกันอยู่ขึ้นไปประมาณ7เมตรราวกับจะเป็นหลังคาที่มุงไว้ครั้งแรกที่สุดล่อนเห็นแต่กิ่งใบเถาวันอันพันกันยุ่งเยิงเป็นกระเซิงครานพินิษอยู่อึดใจเดียวก็มองเห็นแถบโคลนสีครับ เหมือนจะมีรัมต้นของไม้ใหญ่ผูกผูพาดทอดขวางอยู่ในระหว่างก้อนหินสองรูปนั้นต่อมาก็เห็นต้องสีขาวเทาๆลักษณะเป็นเกร็ดอยู่ในตำแหน่งช่องว่างของเถาวัลย์อีกตอนหนึ่งเลือดอีกหยดหนึ่งปนไปกับโครนที่ค้างอยู่ตามกิ่งใบของเถาวัลย์ก็หยดลงมาเป็นคำรบสามคราวนี้กระทบแก้มของห่อนพอดีดารินวราลิศจ้องตะลึงค้างช็อกนิ่งไปชั่วขณะ ต่อมาความรู้สึกบอกกับตนเองว่าได้พยายามขยับขยื่นกายเพื่อให้เสียงบอกทุกคนที่รวมกลุ่มกันอยู่ใกล้ๆในขณะนี้ทราบถึงสิ่งที่หล่อนค้นพบอย่างบังเอิญนี้แต่มันไม่มีเสียงใดๆดุดรอดผ่านลาคออันตีบตันออกมาได้หูของหล่อนยังคงสำเนีจกเสียงคุยกันพึมพำระหว่างระพินกับชัยยันเช่นนั้นแขนขาที่พยายามจะกระดิกมันชาไปหมดเหมือนถูกผีอัม หรือมิฉะนั้นก็มีอำนาจอันทรงมหิทธิฤทธิชนิดหนึ่งเข้ามายึดไว้นานเท่านานที่หญิงสาวตกอยู่ในภาวะเช่นนี้ครั้นแล้วบนความพยายามต่อสู้อย่างสุดขีดกับปราสาททุกส่วนที่กลายเป็นอมภาทไปนี้แขนของหล่อนค่อยๆขยับควานเปะปะออกไปอย่างหนักแสนหนักราวกับมีอะไรมาทวงในที่สุดก็เอื้อมไปถึงแผ่นหลังของใครคนหนึ่งซึ่งหล่อนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครรู้แต่เพียงเป็นคนที่ใกล้ที่สุด แล้วก็สะ ก, กิดเสียงคงไม่มีอะไรผ่านลาคอเช่นเดิมใครคนหนึ่งก็คือชายยันซึ่งขณะนี้นั่งหันสีข้างให้หลอนเขาหันกลับไปช้าๆอย่างไม่สนใจอะไรนะักขยับจะอ้าปากถามแต่แล้วก็ชะงักเพราะเห็นอาการของหญิงสาวหน้าของหลอนไม่มีสีเลือดตาเหลือกโพรงกำลังแหงนเงยจ้องค้างขึ้นไปเบื้องบนชายยันเอกใจแหงนขึ้นมองตาม บาดโดนก็นั่งตัวแข็งหัวใจดูเหมือนจะหยุดเต้นไปชั่วงขณะอีกคนหนึ่งแล้วสกิดต่อเบาๆที่ระพินผู้นั่งใช้หมวกปิดหน้าเหมือนจะอาศัยงีบเอาแรงอยู่เหมือนกันพรานใหญ่ขยับตัวเสยปีกหมวกขึ้นมองมาทางนายทหารปืนใหญ่เหมือนจะถามชายยานกำลังตาเหลือกจ้องมาที่เขาริมฝีปากขยับขมุบมิบเหมือนจะเอ่ยเป็นคําพูดอะไรออกมาแต่ระพินฟังไม่ได้ยินเขาชงโงนเล็กน้อย เอียงหน้าเข้ามาใกล้จึงได้ยินเสียงที่แทบฟังไม่รู้เรื่องนั้นว่าข้างบนจอมพผาแหนขึ้นไปโดยเร็วพริบตาที่จักสุรับภาพได้ถนัดหัวใจของเขาก็วูบตกลงไปอยู่ที่ปลายเท้าเย็นเฉียบตลอดไขสันหลังให้ธรณีแยกไปน้ำบัดนี้เถิดไอราหูมหายักษ์ที่กำลังติดตามล่าทอดลำตัวส่วนหนึ่งของมันพาดอยู่ในระหว่างโขดหินเหนือศรีรษะที่ทุกคนกำลังหยุดนั่งพักกันอยู่ขณะนี้นั่นเอง ทั้งหมดมารวมกลุ่มพักอยู่ใต้รำตัวของมันที่นอนสงบนิ่งอยู่โดยไม่รู้ตัวคงไม่มีเรื่องของการจุดใต้ตำต่อเรื่องไดเนโรที่ทำให้ขนหัวลุกเท่ากับเหตุการณ์ที่ทั้งเจ็ดชีวิตเผชิญอยู่ในขณะนี้เจ้าอาสูรดึกดำบรรคงจะนอนสงบนิ่งขวางลำอยู่บนโขดหินตำแหน่งนี้มาก่อนเป็นเวลานานแล้วฝ่ายมนุษย์ที่ตามล่ามงุง ม, มงาหลายย่องค้นหารอยของมันเข้ามา และแล้วก็มาหยุดพักปัสสาหาหรือกันอยู่ใต้ท้องของมันนั่นเองคนที่ไหวตัวสำเนียดทันต เ, เหตุการณ์ต่อมาไรเรียกกับระพินก็คือแง่ายหนุ่มชาวดงพเนจรรอบสะกิดโดยอาการบอกจันทร์ในขณะที่ระพินก็สะกิดเตือนบุญคําคงมีขยินคนเดียวเท่านั้นที่ประสาทสัมผัสช้ากว่าทุกคนยังเสื้อซ่าอยู่เหลือมาเห็นทุกคนพา ก, กันเงียบกิบไปแล้วเห็นแม่มดคนสวยตื่นลืมตาโพลงขึ้นแล้ว ก็ถามมาว่านายหญิงลืมตาแล้วนายหญิงบอกได้หรื อ, อยังว่า ง, งูยักษ์อยู่ที่ไหนนายหญิงบอกได้แล้วขยินแล้วพินกระซิบเบาๆยิ้มหรือแยกเคี้ยวก็บอกไม่ถูกมันอยู่ที่ไหนเงยขึ้นไปบนกระบาลของเจ้าขายินขยินเงยขึ้นไปช้าๆอย่างไม่เชื่อถือนอกจากจะเห็นเป็นเรื่องขบขันนึกว่าพรานใหญ่ยาว แต่แล้วพิบตานั่นเองก็งายแผลจากท่าที่นั่งยองๆ อ, อยู่ก้นกระแทกลงกับพื้นด้วยความตกใจขวันหนีดีฟอแทบชักดิน้นบุญคำผู้รวดเร็วต่อเหตุการณ์ก็กระโดดเข้าตะคุบ ป, ปากในบ้านหนมช้างไว้ก่อนที่สิ่งใดๆจะรุดรอดออกมาได้กระซิบรอดลายฟันออกมาเงียบไอขยินเองขืนแหกปากพวกเราตายหมดทุกคนอึดใจนั่นเองขยินก็สติกับคืนมา และสามารถเข้าใจอะไรได้ดีเท่าๆกับทุกคนตาเหลือกกรอกริ่งอยู่ไปมาเห็นแต่ตาขาวเหงื่อการผุดเต็มหน้าบุญคำสังเกตเห็นนายบ้านห่อมช้างพอจะรู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็ค่อยๆคลายมือที่อุดปากออกบัดนี้ทุกคนหันมาจ้องตากันเองด้วยความรู้สึกอันสุดที่จะบรรยายที่ถูกดารินสางจากตะลึงแล้วกายของหลอนสันเทา และโดยอาการบุยใบหล่อนชี้ไปที่หลังมือของตนเองที่มีหยดเลือดปนโครนลงมากระทบแล้วชี้ไปเบื้องบนเป็นความหมายแทนคําบอกว่าหล่อนรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาเห็นก็เพราะหยดโครนและเลือดนั้นแล้วพินกัดริมฝีปากแน่นค่อยๆ ย, ยันกายขึ้นยืนช้าๆแง้นหน้าจ้องทุกคนก็พลอยลุกขึ้นตามอย่างระมัดระวังมันเป็นปัญหาขับขันฉุกเฉินขีดสุดซึ่งจะ ต, งต้องอาศัยการตัดสินใจนเฉียบพลันแข่งกับเวลา และต้องไม่ผิดพลาดด้วยทั้งเจ็ดชีวิตยืนอยู่ใต้จมูกของมฤตยูโดยไม่ทันรู้ตัวร่วงหน้ามาก่อนส่วนที่วางพาดอยู่นั้นเป็นบริเวณ ใ, ใต้ท้องกลางลำตัวตอนหนึ่งและโดยตำแหน่งอนันเป็นเป้าหมายให้อย่างถนัดชัดเจนระยะใกล้เผาขนที่สุดนี้ธนูตึกระเบิดของแง่ทรา ย, ส า, ยสามารถจะทำหน้าที่ของมันได้เต็มสภาพทีเดียวปัญหามันมีอยู่แต่ว่าถ้าไนโต ร, ระเบิดขึ้นใต้ท้องส่วนนี้ของมัน อีกเจ็ดชีวิตที่อยู่ภายใต้ก็ย่อมแหลกเป็นจุลมหาจุลไปด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยทุกสายตาพุ่งมารวมจุดอยู่ที่เขาคนเดียวอย่างยึดเป็นที่พึ่งระพินก็ตัดสินใจในวินาทีนั้นทำใบเป็นสัญญาณให้ทุกคนค่อยๆ ย, ย่องออกมายัางปากทางอันมีลักษณะเหมือนซุ้มประตูแล้วชี้ไปยังเชิงเขาที่มีลักษณะเป็นขั้นบันได นําขึ้นไปยังหมู่โขดหินหน้าปากถ้าเล็กๆที่ผ่านกันมาแล้วเมื่อก่อนหยุดพักซึ่งขณะนี้ระยะห่างออกไปประมาณ100เมตรกระซิบเร็วปรือทุกคนนอกจากผมกับแง่ายรีบวิ่งไปที่กลุ่มโขดหินหน้าปากถ้มบนเชิงเขาที่เห็นอยู่นั่นเร็วที่สุดแล้วหลบซ่อนอยู่ที่นั่นมันเป็นซอกหินแคบทางอับพอจะใช้เป็นกำบังไม่ให้หัวมันลอดเข้าไปได้เอาละรีบไปเดี๋ยวนี้พยายามให้เบาและเงียบที่สุด ถ้ามันไหวตัวเสียก่อนจะลำบากแล้วคุณละ่ะชายยันละรับละรักไม่ต้องเป็นห่วงผมกลับไงทรายจะย่องเข้าไปทางด้านหัวของมันไปด้วยกันดีกว่าเข้าที่กบาบังปลอดภัยวิก่อนแล้วให้เงาทรายยิงออกมาจากที่กบาบังนั่นดาลินท้วงเร็วปื้มอีกคนพรานใหญ่สันหน้าระยะนั้นเหมือนไกลเกินไปเงาทรายยิงธนูไม่ถึงเป้าหมายที่ต้องการแน่ ไม่ทันจะขาดเสียงของเขาก็ปรากฏเสียงป่าด้านอู้มาราวกับเกิดพายุทั้งๆที่ลมสงบนิ่งไปแล้วไม่มีเขาของพายุเลยจนนิดเดียวเป็นเสียงดังมาจากดงทึบในตอนลึกเข้าไปของหุบพร้อมกับเสียงขู่ฟู่มาราวกับเสียงหัวรถจักรปล่อยไอ้น้าทุกคนแทบผงะหลังคู่ของมันตัวหนึ่งกำลังตรงเข้ามาที่นี่เสียงจันร้องออกมาแทบไม่เป็นภาษาคน ก่อนที่ฝ่ายมนุษย์จะเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปนั่นเองก็มีเสียงฟูกออกมาจากเจ้าตัวที่ถูกเจ็บและนอนพาดก้อนหินเหนือศรีรษะอยู่ในขณะนี้ประหนึ่งจะเป็นการส่งเสียงเรียกรับคู่ของมันที่กำลังตรงดิ่งเข้ามาปานพยุสลาตันแล้วลำตัวส่วนที่พาดอยู่บนชะ ง, งอนหินทั้งสองด้านก็เริ่มเคลื่อนไหวเช่มช้าปรากฏเสียงหินรั่นคลึกๆึกและใบไม้ถาวรร่วงพรู ล, ลงมาก้อนหินย่อมย่อมที่กองอยู่บนยอดโขดถลม่มร่วงกรูเกลียว อันเกิดจากกันไหวตัวนั้นกิ่งลงมายังกลุ่มของมนุษย์ทั้งเจ็ดที่ยืนกระสับกระส่ายกันอยู่ภายใต้จนถึงกับต้องกระโดดลบการเป็นพันรวันดารินเกือบถูกหินดูขนาดมะพร้าวหล่นทับลงมากลางหลังดีแต่งแงสายผลเซหลบออกไปได้อย่างหุดหิขดขณะเดียวกับที่ราพินและชายยันก็ก้มหัวหลบก้อนเท่าครกและกระดอนลุกขลุกลงมาในระดับศีรษะเสียงการเลื้อยมาของอีกตัวหนึ่ง ใกล้ก็มาทุกขณะอย่างรวดเร็วปะทะไม้ไร่หักวินาศคืนโครมอื้อึงไปทั้งปา่าส่วนเจ้าตัวเหนือศีรษกก็ส่งเสียงตอบเป็นระยะอยู่เช่นนั้นพรางขยับเคลื่อนลำตัวไปไปหยุดหยุดทีละน้อยยังไม่พ้นจากโขถิินใหญ่คู่นั้นทําตามที่ผมสั่งเร็วเข้ามันใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วเสียงเตือนดังมาจากรพินเป็นครั้งสุดท้ายและนั่นคือการปลุกสติของทุกคนให้กลับคืนมา เพื่อการตัดสินใจอย่างไรอย่างหนึ่งในวินาทีขับขันขีดสุดนี้ชายยันกระชากแขนดาลินออกวิ่งไปในทันทีนั้นบ่ายหน้าตรงไปยังที่หมายอันอยู่ห่างออกไปขยินก็โผลตามติดโดยมีบุญคํากับจันวิ่งตามไปเบื้องหลังทั้งห้าคนตัดทางด่านเล็กๆสองฝั่งทางเป็นพุ่มเถาวันและหมู่หินเมื่อมุ่งขึ้นสู่ปากถ้าเชิงเขาอย่างแข่งกับความเป็นความตายพอฝ่ายของชายยันเคลื่อนออกจากที่รับพินกับแง่า ย, ายก็หันมามองหน้ากัน คอยตามชั้นไว้ทุกก้าวย้ายห่างหรือแยกจากกันได้เขาสั่งเป็นรถไฟด่วนแล้วเพนเขาซุ้มเถาวันรกด้านซ้ายมือมุ่งเขายึดต้นสักใหญ่หกคนโอกต้นหนึ่งแง่ทรายเป็นเงาตามตัวอย่างไม่มีอะไรจะต้องห่วงคล่องแคล่วฉับไวทันเขาทุกฝีก้าวย่างจอมพลานควักบุหรี่ขึ้นมาจุดมือไม่วายสันเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะสูบมันแต่เตรียมไว้เพื่อศึกใหญ่ในอีกไม่กี่อึดใจเบื้องหน้า สึกที่เขาไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะรงเอ่ยเอาในลักษณะใดแน่ระหว่างอสูรดึกดำบรรพูปัสจากตีนสองตัวกับมนุษย์ซึ่งเปรียบแล้วเท่ากับลูกเขียดตัวกระจิตรฤทธิ์เจ็ดชีวิตตำแหน่งที่เคลื่อนมายึดใหม่นี้ทั้งสองยังไม่สามารถกำหนดลำตัวของงูยักษ์ที่นอนนิ่งอยู่เมื่อครู่นี้ได้ถนัดนักคงเห็นแต่เพียงส่วนหนึ่งตามเดิมเท่านั้นที่พาดอยู่บนโขดหินบดบางอยู่ในเงาทึบของเถาวัน ปลายสองด้านของมันไม่ทราบอยู่ที่ไหนแน่เพราะความลกทึบของหมู่ไม้ที่บังอยู่อย่างไรก็ตามโดยระยะที่ถอยห่างออกมาที่ต้นศัก์และเป้าหมายแม้จะสังเกตได้ในวงจำกัดเพียงแค่นั้นมันก็เป็นเป้าหมายสำคัญพอเพียงที่จะเลือกเป็นตําแหน่งยิงได้แง่าสายเหนียวรูปธนูขึ้นผ้าสายในพริบตานั้นพร้อมกับร้องเร่งมาว่าจุดชนวนเถอะผู้กองและผินกดไหลอดีตร้อยโทกองโจนกระเหี่ยงไว เหลียวไปมาอย่างรวดเร็วเต็มไปด้วยอาการกระสับกระส่ายอย่าเพิ่งแงซายไอตัวนี้ไม่สำคัญหรอกมันไปไหนไม่รอดแล้วเตรียมรับมือกับอีกตัวที่กำลังพุ่งเข้ามาก่อนดีกว่ามันยังแข็งแรงมีกำลังเต็มที่เพราะไม่ได้ถูกเจ็บอะไรเลยอันตรายที่สุดสิ้นเสียงของระพินป่าในระแวกรอบตัวก็มองเห็นชัดว่าปั่นป่วนขึ้นบรรดาซุ้มเถาวัลย์และยอดไม้เตี้ยรูละเนนไหวคลื่นคลานอยู่ไปมา ้ยักษ์เลื้อยมาเร็วยิ่งกว่าน้ำป่าในอัตราเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่ของมันและทิพตานั่นเองเงาของศรีรษะอันมืดมาเหมือนภาพฝันร้ายก็โผล่วูบขึ้นมาจากหลังพุ่มไม้ห่างออกไปทางพงลกด้านขวาประมาณ30เมตรจากตำแหน่งที่ทั้งสองหลบซุ่มอยู่โดยมีรำห้วยขวางหน้ากั้นไว้ระดับที่มันชูหัวพ้นยอดไม้ขึ้นมาราวๆสามวามองเห็นอย่างถนัดถนีเกินความคาดฝันที่คานวณได้ว่า มันสูงจากระดับพื้นดินขึ้นมาสักเท่าใดราวกับส่วนสูงของเสาโทรเลขชั้นนั้นเฉพาะที่มันตั้งคอเฉเง้อขึ้นมาโดยไม่รวมถึงลําตัวส่วนใหญ่อย่างน้อยก็ไม่ต่ํากว่าอีกสี่ในห้าส่วนที่ราบอยู่กับพื้นนาบัตินี้ส่วนหัวอันน่าเกลียดน่ากลัวนั้นหันสายไปรอบๆโอนเอ็นไปมาเล็กน้อยมันคงมาพบคู่ของมันแล้วและชะเง้อตั้งหัวค้นหาศัตรูซึ่งคงจะกระสากินอยู่ใกล้ๆ เห็นชัดถนัดตาเช่นนี้ทางรลพผนและงแงทรายก็เหมือนจะถูกสะกดให้เป็นหินไปชั่วขณะมันจะเป็นสัตว์ประเภทงูหรืออะไรก็สุดที่จะลงความเห็นได้เสียแล้วสำหรับส่วนศีรษะที่เห็นอยู่นี้เพราะสันฐานลักษณะไม่เหมือนกับงูชนิดใดในโรคที่เคยพบเห็นมามันเป็นรูประไม้สี่เหลี่ยมข้าหลามตัดยอดบนของศีรษะมีอะไรชนิดหนึ่งตั้งแนวอยู่เป็นสันคล้ายๆงอนไก่ชน ดวงตาทั้งคู่ใหญ่โปนทรักเด่นออกมานอกเบ้าที่มีขอบสีออกแดงจัดร้อมเป็นวงกลมเหมือนตาปลาทองกะดิกกริ่งเหลือบไปมาได้อย่างน่าสยองเขี้ยวแหลมโค้งทั้งสี่ข้างโผล่พ้นออกมาจากปากเหมือนงาของตัววอลรัสแต่โผล่แซงสวนกันทั้งล่างและบนใต้คางเป็นแผ่นหนังห้อยยานปนุงประดุดเหนียงอยู่สองแถบ สิ่งที่พอจะบอกชัดได้ถึงสัญชาตญาณดั้งเดิมก็คือลิ้นอันมีปลายสองแฉกที่พุ่งพ้นปากออกมาแปรปากเป็นจังหวะลักษณะท่าทางของการเลื้อยไปได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วประเปยวก็ดีรวมทั้งการตั้งคอชูหัวขึ้นไปได้สูงมากจากระดับพื้นราบก็ดีมันเป็นคุณลักษณะของจงอางมากกว่าประเภทงูเหลือมซึ่งอึดอัดชื่นช้ากว่าความตกตะลึงที่มองเห็นหน้าตาของเจ้าอสูรร้ายตนนั้น กะจัตตาทำให้รปินลืมไปชั่วขณะว่าเขามีหน้าที่จุดชนวนระเบิดให้แง่ทรายสัญชาตญาณพรานาทำให้ตะวัดไรายเฟิลประจำมือขึ้นสู่ไรแต่ก่อนที่นิ้วจะ ก, กะดิกนั่นเองสติก็คืนมาอีกครั้งเพราะเสียงสำลักของแง่ทรายผู้ ก, กองจุดชนวนให้ผมเร็วจึงยื่นปลายบุหรีติดไฟเข้าที่สายชนวนระเบิดอันติดอยู่กับลูกธนูของแง่ทรายทันทีแต่ช้าไปเสียแล้ว ก่อนที่ปลายบุหรี่จะทันสัมผัสกับสายชนวนเจ้าสัตว์ประหลาดตนนั้นก็พุ่งพรวดจากที่เดิมอย่างรวดเร็วเสียงพุ่มไม้หักวินาศอันเกิดจากลําตัวของมันฟาดทับและเลื้อยผ่านเป็นพายุไม่ได้มุ่งเข้าหาระพินกับแง่ทายผู้ความจริงก็ห่างจากปลายจมูกของมันเทียบแล้วเพียงแค่คืบหากแต่เลื้อยบ่ายหน้าไปทางเชิงเขาด้านที่คณะของชายยันกําลังวิ่งหลบเข้าหาที่กําบังมันเห็นพวกเราทางด้านโน้นแล้วมันกําลังไล่ แงสายร้องฝั่งแทบไม่เป็นภาษาเร็วกวดตามมันไปแล้วพินตะโกนลั่นอย่างลื่มตัวแล้วทั้งสองก็เพ่นออกจากที่วิ่งตัดทางกวดได้การเลือ้อยไปดังลมสลาตันของมันอย่างไม่คิดชีวิตโดยมีรำห้วยเป็นแนวขนานกั้นอยู่คนับฝั่งเจ้า ง, งูยักษ์ไม่ได้สาเนียกคิดถึงว่ามีมนุษย์สองคนไล่หลังมันมาเป้าหมายของมันคือมนุษย์ห้าคนที่มองเห็นว่าวิ่งรวมกลุ่มกันอยู่ที่ตีนเขาใกล้ แล้วมันก็เลี้ยวตัดข้ามห้วยเหมือนงูเขียวที่ข้ามร่องกระดานเล็กๆมายัางฝั่งเนินเขาก่อนหน้าที่พรานใหญ่กับแง่ทายจะทันมองเห็นได้ถนัดนอกจากส่วนปลายหางที่วัดวาดจ่ายอยู่ไปมาเบื้องหน้าในมุมตรงทั้งห้าคนบัดนี้ตายขึ้นไปถึงตีเนินแล้วกลุ่มโขถหินปากท่ามที่ยึดเป็นแหล่งหลบซ่อนกำบงังอยู่สูงขึ้นไปเพียงไม่เกิน30ิบเมตรข้างหน้านั่นเองท้ามกลางดงกล้วยป่าและก้อนหินที่แฉมสลับอยู่ทั่วไป ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงอู้ไร่หลังมาอย่างกระชั้นชิดเสียงเหมือนน้ำป่าพอเหลียวกลับมามองทุกคนก็แทบจะก้าวขาไม่ออกหลบกอเลวชัยยันร้องออกมาสุดเสียงผักดาดินขมามน้าลงไปหมอบอยู่ที่ก้อนหินลูกใกล้ที่สุดตนเองก็เพ่นตามเข้ามาด้วยบุญคํากับจานปุ้ปิดท้ายล้าหลังอยู่ก็ไวทายาสําหรับวินาทีมัจจุราชเช่นที่เผิญอยู่นี้ ทั้งสองพลานโจรวูบเข้าไปในดงกล้วยอันหนาทึบเป็นที่อัมพรางตาได้เป็นอย่างดีคงมีแต่ขยินผู้อยู่ตรงกลางคนเดียวเท่านั้นที่ยืนตัวแข็งตะลึงอยู่พริบตานั้นเองโดยไม่จําเป็นต้องเลื้อยไล่ตามหาขึ้นมาให้เสียเวลาไอมหายักษ์ผงกส่วนหัวช่วงหนึ่งของมันขึ้นเพียงชั่ววูบก็ชูร่อนมีระดับเดียวกับชายเนินที่มนุษย์ทั้ง5้าชีวิตกําลังตะเกียกตะกายจ้าละวันอยู่ในขณะนี้อีกเพียงชั่วอึดใจต่อมา เป็นจังหวะที่มันลากลำตัวส่วนที่เหลือติดดินเบื้องล่างให้เข้ามารวมกลุ่มเพื่อจะคืบระยะทางด้านศีรษะตาโปนทรนทั้งคู่จ้องนิ่งมายังเจ้าลูกหนูขยินผู้ยืนตัวสั่นเหมือนชีวิตปลิวออกไปจากร่างแล้วขณะ น, นี้เสียงชายยานแผ่ตะโกนก้องฟังไม่ได้สับมาอีกครั้งเสียงนั้นเองปลุกขยินหัวหน้าบ้านโหมช้างก็ผงะหลังล้มและตะกายด้วยตีนทั้งสี่พยายามจะหนีขึ้นไปบนส่วนสูงของเนินเขาวไม่รู้ทิศทางอย่างน่าสงสาร เสียงฟู่ปานไอ้น้ำรถจักรดังขึ้นอีกครั้งแล้วต้นรังมหึมานั้นก็ฟาดวูบลงมาพร้อมกับปากที่แยะอ้ากว้างเป้าหมายคือร่างอันคานกระเดวกระเดวอยู่กลางทางเดินของขยินมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่600นในโตเอ็กซ์เพรสในซอกแขนหนีบของชายยันคำรามขึ้นประดุดสายอสุนีบาทหัวกระสุนขนาด900เกรนพุ่งผ่านราก้องซ้ายออกไปเสียงกระทบเป้าหมายดังได้ยินถนั แต่คนยิงก็บอกไม่ได้เช่นกันว่ามันถูกตรงไหนกรงเขี้ยวที่งับลงมาเชียสันหลังในบ้านหล่มช้างไปอย่างบุ๋ดวิดแต่งับติดดินบริเวณผ้าเกลียวมันผงกชูขึ้นร่างของขยินก็ลอยคว้างติดป่าอยู่กลางอากาศดิ้นตะกายร้องเสียงหลงดารินสติ ก, กลับมาก็ต่อเมื่อเสียงปืนจากชายยันระเบิดขึ้นเป็นปฐมมเลิกหล่อนเอ็นหลังพิงพื้นดินที่เทราในจังหวะและสบัด ต, ตัวหันกลับ จด470ในมือกึกกล้องออกไปโดยไม่ได้เล็งเช่นกันหลอนเหนี่ยวไกลสองลำกล้องในเวลาห่างกันชั่วเสียววินาทีโดยไม่าํานึกนนถงถว่าไหลอาจหักตาเบิกโพร่งเห็นภาพอันน่าหวาดเสียวของขยินซึ่งแน่ใจว่านั่นคือวาระสุดท้ายของนายบ้านหล่มช้างเวลาเดียวกันไรเฟิ่จากบุญคำและจันก็สนันมาสองตึงจากโดงกล้วยระดับที่ต่าลงไปเล็กน้อย ติดตามมาด้วย60ศูนย์ศูจากกล้องขวาของชายยันภาพที่เห็นจากสายตาอันเรือกลานของทุกคนขยินลนรูปจากปากของมารุมยนิปตานั้นเสียงตกลงไปในกอกด้วยป่าศสีสานและลำตัวอันใหญ่โตที่ชูร่าล่อนอยู่นั้นหดกลับอย่างฉับพลันลงไปรวมอยู่กับลำตัวส่วนใหญ่ที่กองโคดเคี้ยวอยู่ตรงนิตีเนินเสียงบุญคํากับจันทร์ซึ่งยังมองไม่เห็นตัวอยู่ในขณะนี้ซัดกระหน่ากันลงไปอีกทียิบ ดาลินก็หากลำกล้องไรเฟิรนแฟดของรอนจะบรรจุชุดใหม่แต่ชายยันไม่ฟังเสียงรววลุกขึ้นกระช่าแขนเพื่อนสาวฉุดวิ่งกระจัดกระเจิงขึ้นไปจนถึงกลุ่มหินปากถ้ำโดยเวยโอกาสขณะที่ไอ้ยักษ์หดหัวลงไปทั้งสองเซธนาเข้าไปพังภาพกำบังอยู่ใต้ซอกโขดหินอันเป็นตำแหน่งที่เรียกได้ว่าปลอดภัยที่สุดเพราะเป็นหลือหินกำบังแคบแคบจนเกินกว่าที่ศีรษะอันใหญ่โตของมันจะผ่านเข้ามาได้ ยามนี้ไม่สามารถจะเดาเหตุการณ์อย่างไรที่จะเกิดกับใครได้ทั้งสิ้นมันเป็นความตื่นตระหนกอกสั่นที่เหลือกว่าครั้งใดในชีวิตอันแท้จะเชื่อสายตาเสียไม่ได้ว่าสิ่งที่ต่างเผชิญอยู่นี้เป็นเหตุการณ์จริงไม่ใช่ฝันไปขณะที่พากันตะกายหนีขึ้นมาไรเฟิลประจํามือของทั้งสองพับดุดไปเสียแล้วโดยไม่มีเวลาที่จะเก็บขึ้นมาได้เพราะต้องเอาชีวิตรอดไว้ก่อนคงมีแต่ปืนสั้นติดเอวกันอยู่คนละกระบอกเท่านั้น ไม่ทันจะอ้าปากหายใจได้ถนัดทั้งชายยันและดาลินก็แทบช็อกขาดใจไปอีกครั้งจากช่องโบของก้อนหินสองลูกที่บังซ้อนกันเป็นหลืบส่วนหัวอันน่าสะเึงกลัวของเจ้าอสูรดึกดำบานลอยวูบขึ้นมาอีกครั้งและในครั้งนี้มันตรงระดับกับโขดหินที่หลบซ่อนอยู่พอดีราวกับจบโะโผล่หน้าต่างมองห่างออกไปเพียงไม่กี่วาเท่านั้นที่เหนียงใต้คางโสรไปเลือยสดแดงฉาน ตาปนถลนทั้งคู่รุกโลดราวกับดวงไฟจ้องมองมาตวัดลิ้นอยู่ปราบปราบพญานาะคเสียงชายยันสำลักออกมาอย่างรืมตัวสำหรับดาลินขวัญไม่อยู่กับตัวเสียแ ล, แล้วสำหรับภาพอันน่าสยองกลัวที่สุดในชีวิตที่มองเห็นซึ่งซึ่งหน้าห่างเพียงไม่กี่วาเลือดในกายจับเป็นก้อนแข็งไปหมดถ้าซอกหินที่ซุกกายเบียดตัวรีบหลบอยู่นั้นกว้างกว่านั้นอีกนิดเดียวหัวของมันก็คงจะฉกเข้ามาได้ หล่อนยกมือทั้งสองขึ้นปิดหน้าซ่อนดวงตาเสียไม่ให้เห็นสิ่งอันแสนจะน่ากลัวนั้นกายสั่นละลัวส่วนหัวอันน่ากลัวนั้นโยกไหวสายไปมาเล็กน้อยเมือจะหาทางล้วงเข้ามาเอาสองมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ในซอกหินออกไปให้ได้มนุษย์ผู้สามารถเรียกเลือดในกายของมันให้หลั่งออกมาได้เท่าเท่ากับที่คู่ของมันอีกตัวหนึ่งต้องนอนแส้รอวาระสุดท้ายอยู่ในขณะนี้เสียงปืนจากเบื้องล่างยังคงสนั่นหวั่นไหว คงจะเป็นบุญคำกับจันนั่นเองที่ช่วยกันซันโบแต่ในครั้งนี้ดูมันไม่สต๊อกสะเทือนอะไรเลยคงชูคอตรงระดับช่องหินจ้องเหยื่ออยู่เช่นนั้นเหมือนจะตงใจเอาให้ได้เฉพาะชัยยันและดารินโดยไม่สนใจกับใครอื่นทั้งสิ้นรมืผพินกับแงสายก็ห่อแนบตามมาถึงชายเนินในบัตรนั้นและประจันกับเหตุการณ์ภายหลังจากที่นายจ้างทั้งสองตะกิยตะกายขึ้นไปหลบกำลังอยู่ในซอกหินหน้าปากถ้ำได้แล้ว ขณะนั้นบุญคำกับจันผู้หลบอยู่ใต้ดงกล้วยช่วยการดมยิงอย่างไม่ยัง้งแต่มันก็ไม่สนใจด้วยยืดคอชูหัวร่อนขึ้นไปยังกลุ่มโขถินหน้าปากถา้าที่ชายยันกับดารินเข้าไปเบียดตบอยู่ทั้งสองก็แล่นเข้าหาหินก้อนใหญ่ยึดเป็นที่กาําบังและทําระยะใกล้เข้าไปอีกกับลําตัวส่วนใหญ่ของมันที่กวาดคดเคี้ยวอยู่บนชายเนินส่วนส่วนเบื้องบนในที่กาําบังชายยันโอบกอดร่างอันสั่นเทาของเพื่อนสาวไว้แน่น ค่อยๆดึงปืนสั้นออกจากซองข้างเอวคบกลามนูนเป็นสันแล้วยกขึ้นเล็งลอดช่องกำลับบงหินออกไปที่ระดับจมูกและริมฝีปากด้านตรงของมันลั่นไก่เปี้ยงก็ศูนุดสีแมกนัมวิ่งเข้าหาเป้าหมายตรงตามที่เล็งไว้อย่างแม่นยำมันก็ผงะหน้าบู๊บหลบหายไปจากช่องโหว่นั้นในพริบตาแต่แล้วชั่วอึดใจก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาอีกอย่างอยู่ยงคงกพันลูกปืนสั้นขนาดหนักที่สุดเจาะจมูกของมันเข้าไปได้แน่ แต่ดูมันไม่สะเทือนอะไรเลยพ่นลมขู่ฟู่ออกมาจนผงคลีรอบด้านที่หลบซ่อนอยู่ปลิวฟุ้งขึ้นก่อนที่เขาจะปล่อยนัดที่สองออกไปโดยหมายไปที่ดวงตาข้างหนึ่งของมันนั่นเองด้านล่างก็ได้มาถึงซึ่งวินาทีสําคัญขีดสุดปลายบุหรี่ของระพินยื่นเข้ามาใกล้าสายชนวนระเบิดที่ลูขุนูของแง่ายอย่างสั่นรัวแทบจะควบคุมไว้ไม่ได้ทั้งสองจ้องไปที่เจ้า ง, งูยักษ์ตาไม่กระพริบ กะกลางลําตัวก่อนอย่าเพิ่งหมายไปที่หัวเพราะมันชูหัวใกล้ที่ซ่อนตัวของเจ้านายระวั ง, ย, ง, งาายิงแง่ายเงาสุดธนูสุดระวินาทีเดียวก็ปล่อยออกไปเสียงดึงครึบมีเสียงขนนกคลางตัดอากาศเคลี้ยวก้องห่างออกไปและธนูดอกนั้นก็ปักสวมเข้าไปติดเดอยู่ที่เวนด้านข้างตอนหนึ่งแะดับกลางลำตัวอย่างผอดิบพอดียิ่งแล้วกว่าลูกปืนเสียอีก ดูมันจะไม่รู้สึกเอาสักนิดแม้ว่าหัวอันแหลมคมจะเสียบทะลุเปลดปักเนื้อเข้าไปจนเงียงอย่างน้อยก็ลึกไม่ต่ำกว่าหกนิ้วแล้วทั้งคนยิงและคนจุดฉนวนก็ซุดตัวลงนั่งกลั่นหายใจอึดใจต่อมาอันเป็นอึดใจอันยาวนานที่สุดอากาศตรงบริเวณที่ระพินกับแงสายสุดกายอยู่เคียงกันก็บังเกิดพลังกดดันวูบขึ้นจนผงะจ้่งเบา้ามีเสียงเหมือนลูกปืนใหญ่ตกอยู่ใกล้ๆด้วยอำนาจ พ ร, พรหมมาศของพระรามแง่ทายแรงระเปิดปานว่าจะสรงขุนเขาทั้งลูกนั้นเสียทั้งลูกพร้อมกับเปลวไฟอันแดงวาบและผงคลีที่ลอยตลบเป็นม่านควันพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศส่วนของลำตัวประมาณหนึ่งในสี่ที่กำลังชู ร, ร่อนล่าอยู่ใกล้กับโขดหินหน้าถ้ำอันเป็นที่หลบกำบังของชา ย, ยันกับดารินขณะ น, นี้ก็ฟาดลม้มลงมากองรวมอยู่กับลำตัวส่วนใหญ่เหมือนต้นไม้ที่ถูกฟ้าผ่าหักกลางลำชนนั้น แล้วพลิกพิ้งหงายท้องขาวเกือบตลอดทั้งลำตัวอันยาวเหยียดสงบนิ่งแข็งทื่อคงมีแต่ส่วนปลายหางและตอนคอเท่านั้นที่สายกระดิกอยู่เช่มช้าสั่นลึกๆครั้นแล้วปากอันกว้างใหญ่ก็อ้าออกแลเห็นแดงฉานมันเคลื่อนไหวไม่ได้เสียแล้วนอกจากนอนอ้าปากยังดุร้ายอยู่กับที่เช่นนั้นซ้ำไปที่ปากเร็วพรานใหญ่ตะโกนสุดเสียง และแตะปลายบุหรี่เข้าไปกับสายชนวนของลูกใหม่ที่แง่สายเอาผ้าสายอย่างไม่ยอมเสียเวลาพอเขาให้สัญญาณยิงชาวดงร่างยักษ์ก็ปล่อยธนูสายฟ้าออกไปอีกครั้งเสียบเข้าเพดานของปากที่กำลังอ้าอยู่นั้นอย่างแม่นยำพอธนูปักมันก็งับพ่วงลงมาอย่างเต็มแรงเสียงระเบิดเหมือนลูกบอมที่ทิ้งจากเครื่องบินสะเทือนคลื่นขึ้นอีกครั้งโดยเปลนหัวอันใหญ่โตของมันลงมาจนถึงคอ แยกออกเป็นชิ้นส่วนชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจายปลิวว่อนออกไปทุกทิศในพริบตานั้นแหลกละเอียดขาดหายไปในทันทีคงเหลือแต่คอที่ด้วนอยู่ในลักษณะเบิกวะหน้าสยองเลือดกระเซ็นว่อนไปทั่วประหนึ่งจะย้อมก้อนหินในใบกล้วยป่ารอยบริเวณให้เป็นสีแดงคล้ำเป็นหมดส่งกลิ่นคาวตรบอบอวนทันทีที่ในโตลูกที่สองสำแดงเดชขึ้นเด็ดหัวเจ้ายักษ์ใหญ่ตัวนั้นป่าก็แตกอู้มาทางเบื้องหลังของทั้งสอง เสียงจันทร์กับบุญคำร้องเอ็ดอึงเตือนลงมาจากเนินปากกล้วยเบื้องบนพร้อมกันไรเฟิลจากด้านนั้นก็แผดระเบิดขึ้นอีกสองนัดซ้อนโดยไม่จำเป็นต้องเหลี้ยวกลับไปทั้งระพิดและแง่าสายก็บอกได้ในทันทีว่านางตัวเมียที่พิการด้วยการระดมยิงไว้ก่อนกาำลังวกตรบตรงเข้ามาอย่างเปรี้ยวกราดโกรธแค้นโดยไม่คานึงถึงชีวิตด้วยสัญชาตญาณคู่ของมันซึ่งบาดนี้ดับดิ้นไปแล้ว มันร่ากตัวมาอย่างแช่มช้าด้วยกําลังอาฆาตแค้นช่วงสุดท้ายของมันปราศจากการพลันพึงขามเกรงต่อสิ่งใดทั้งสิน้นแต่ถึงแม้จะช้าสักขนาดไหนก็ตามเมื่อเทียบกับมนุษย์ตัวเล็กอัตราส่วนการเคลื่อนที่มันเปรียบกันไม่ได้การช้าแม้แต่วินาเทียวย่อมหมายถึงชีวิตระพินและแง่ทา ย, ายเพ่นออกจากที่โดยไม่จำเป็นต้องเตือนบอกกันวิ่งเต็มฝีเท้าตายเนินบุกเข้าไปในโดงกล้วยป่าที่จันกับบุญคำแอบซ่อนอยู่ก่อนแล้ว ระหว่างที่ต่างตะกิ้ตะกายขึ้นไปตามขั้นบันไดธรรมชาติผ่านพื้นเมืองทั้งสองก็ช่วยกระดมยิงข้ามศรีรษะลงไปยังตีนเนินสนันวันไหวและพินเอี้ยวคอหันกลับไปมองก็ใจหายบูกลำตัวอันมหึมาของนางงูยักษ์ตัวนั้นเลือ้อยคล่อมผ่านก้อนหินลูกที่เขากับแงซายหลบซุ่มอยู่เมื่อตะกี้นี้มาแล้วส่วนหัวชเง้อตะแลงลงชายเนินแล้วก็เคลื่อนดิ่งเข้าหาซาก ข, ของคู่มันที่กองพเนนเทินทึกอยู่ โดยไม่ได้สนใจหรือสะทกสะทานต่อกระสุนไรเฟิลที่บุญคําและจันทรช่วยกันระดมกระหน่าลงไปในขณะ น, นี้ดวงตาโปนใหญ่ของมันข้างหนึ่งแดงฉานไปด้วยคราบเลือดมองเห็นได้ถนัดมันไม่ได้มุ่งติดตามขึ้นมาทางฝ่ายมนุษย์ที่กําลังเพ่นหนีอยู่แต่เลื้อยเข้าไปพันอยู่กับซากคู่ของมันที่กองสงบนิ่งไปแล้วอันเนื่องมาจากโอกาสที่เห็นสีสันเป็นเป้าหมายอย่างถนัดในขณะ น, นี้และเพราะแง่ทายวิ่งแยกห่างจากเขาไปด้านหนึ่ง รอฐพินตัดสินใจยกไรเฟิลประจำตัวที่ติดมืออยู่ปลดเซฟแล้วเล็งไปยังกลางศรีรษะของมันอย่างลองเสียงระดับที่สูงกว่านี้วิถีกระสุนจะต้องแล่นทะลุลงกลางศรีรษะทางด้านบนซึ่งน่าจะได้ผลกว่าการยิงเสยขึ้นจากระดับต่ำพอมันลั่นตูมออกไปพอมันลั่นตูมออกไปเขาก็เห็นเจ้าอาสูรดึกดาบันดิ้นพรวดพราดสุดแรงเกิด ตีแปลงจนก้อนหินในระแวกใกล้เคียงถล่มร่วงกรูเกลียวพริกหงายท้องฟาดฟัดตัวเองเป็นเกลียวอยู่หลายตลบและผินใจชื้นขึ้นในบาดนั้นกระชากปลอกออกทิ้งอย่างรวดเร็วยัดนัดใหม่ขึ้นรังเพลิงแล้วเลงซ้ำลงไปอีกเป็นนัดที่สองโดยไม่ยอมปล่อยเวลาให้ผ่านไปแม้แต่นาทีเดียวนางงูยักษ์พู้สะบักสะบอมอยู่ก่อนแล้วถลายกลิ้งจากเนินลาดตรงตำแหน่งที่เจ้าตัวผู้นอนเป็นซากอยู่ลงไปเล่นด้นทุรนทุรายอยู่ยังชายเนินเบื้องร่าง บริเวที่มันฟาดตัวดิ้นราวกับแผ่นดินจะถล่มทลายพงไม้ใหญ่น้อยในรั้วใกล้เคียงถูกลำตัวที่กวาดควายยุ่ไปมาบทหักราพนาศูนย์ราวกับมีอะไรมากวาดเสียงดังคลืนโครมสนันวันไหวไปหมดเขาส่งกระสุนไปที่ศีรษะของมันจนหมดชุดที่บรรจุอยู่ในซองก็พอดีกับที่แงซายกระโจนกลับลงมาสมทบมันอยู่แล้วผู้กองกเหลี่ยงร่างยักษ์ร้องลั่นออกมาอย่างตื่นเต้น ยังไว้ใจไรไม่ได้ทั้งนั้นขอธนูจากแกอีกรูกเกอเขาบอกอย่างไม่ยอมหายใจควักไลเตอร์ออกมาจากกระเป๋าขีดจุดขึ้นแง่าสายกระพ้าธนูขึ้นสายในระหว่างที่งูยักษ์ยังดิ้นปัดพันตัวยุ่งเหยิงอยู่เป็นเปียกอยู่เช่นนี้แล้วพินจ่อเปลวเข้ากับฉนวนแล้วซุดตัวลงนั่งหลีกทางให้พร้อมกับออกคาสั่งให้ยิงแง่าสายน้าวคันธนูรูปที่สามแล้วปล่อยลงไปอย่างปลานีต มันเล่นเข้าปากกลางลําตัวบริเวณใกล้กับส่วนคอของสัตว์โลกล้านปีแล้วกึกก้องกำปนาดขึ้นอีกครั้งในเวลาชั่วพริบตาเดียวแรงสะท้านของระเบิดทําให้ทั้งคนยินและคนจุดชนวนผู้อยู่บนที่สูงชันพังะเสียรกริ้งลงมาตําเนินลาดติดโคนต้นกล้วยกอหนึ่งทับซ้อนกันอยู่คลุกคลักร่างของเขาทับอยู่บนร่างของแง่ทรา ย, ายพรานใหญ่ยันกายลุกขึ้นก่อนส่งมือไปให้อดีตนายทหารกองโจนเกรียงจับแล้วฉุดให้ยืนขึ้น ก็พอดีกับที่ได้ยินเสียงโห่ร้องอย่างยินดีของบุญคากับจันผู้วิ่งตรงลงมาสมทบชี้มือให้ดูลงไปข้างล่างพร้อมกับเสียงเอ็ดอึงฟังแทบจะไม่ได้สับเมื่อเหลียวลงไปดูแลพินก็มีความรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ยักษ์ใหญ่ตัวที่สองพบกับการอวสานของมันลงแล้วประมาณหนึ่งในสี่ของทางด้านหัวมันบัดนี้พลิกหงายพาดกองอยู่บนส่วนลาตัวของมันเอง สงบนิ่งเป็นดุษณนีแม้แต่ปลายหางก็ไม่กระดิกให้เห็นอำนาจระเบิดของไนโตรทำลายกระดูกก้านคอและระบบประสาททุกส่วนของมันให้พินาตลงอย่างเฉียบขาดขาดที่พรานใหญ่ยกหลังมือขึ้นป้ายเหงือบน่าผากสลัดหันไปมองดูหน้าแงซายผู้ยืนเงียบอยู่ข้างๆตาต่อตาประสานกันนิ่งต่างฝ่ายต่างไม่ได้พูดอะไรออกมาอีกจนคำเดียว ชัยยันกับดารินตายออกมาจากที่กำบังหน้าปากถ้ำลงมารวมกลุ่มสมทบในอึดใจต่อมาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นต่อเหตุการณ์เหมือนอยู่ในครึ่งจริงครึ่งฝันทั้งหมดยังไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ในขณะนั้นนอกจากจะพา ก, กันยืนเบิกตาโพลงจ้องลงไปยังซากงูยักษ์ทั้งสองตัวเบื้องล่างไม่ห่างลงไปนะักลำตัวอันยาวเหยียดของมันทอดขวางทางลงชายเนินไว้หมดสิน้นราวกับมีกำแพงย่อมๆมากั้นไว้ ทันใดนั้นรัพพินก็เป็นคนแรกที่เฉลียวคิดในสิ่งผิดปกติร้องออกมาโดยเร็วพร้อมกับกวาดสายตาค้นหาไปรอบๆขยินอยู่ไหนทุกคนจึงเพิ่งนึกขึ้นมาได้และก่อนที่ใครจะเอ่ยเช่นไรต่อไปนั่นเองต่างก็ได้ยินเสียงคลางแววออกมาจากดงกล้วยอันหนาทึบอีกด้านหนึ่งไม่ห่างออกไปนักทั้งหมดพากันพูเข้าไปค้นหาอย่างรวดเร็วด้วยความร้อนใจแล้วก็พบนักเรชาวดอยในบ้านหล่มช้าง นอนแง้งแมงหน้านิ้วคิ้วขมวดครางอ๋อยอยู่โคนก อ, อกล้วยตอนหนึ่งทั้งหมดตรงเข้าไปรายล้อมซักถามและตรวจ ด, ดูอาการของขยินแล้วก็โล่งใจไปถนัดเมื่อพบว่าเจนานักเลงขี้โม้ไม่ได้เป็นอะไรมากนะักนอกจากหล่นลงมาตโพกคลากไปข้างหนึ่งภายหลังจากช่วยกันแก้ไขยอยู่ครู่ใหญ่ขยินก็พอจะลุกขึ้นเดินขเยกได้ชายยันเล่าถึง น, นาทีวิกฤตที่เผชิญมาให้พรานใหญ่ทราบ ไอ้ลิงธโมนี่รอดตายมาได้ครั้งนี้เป็นปาฏิหาริย์แท้ๆตอนที่มันคาบติดปากชูขึ้นผมนึกว่าขยินต้องตายแน่แล้วชา ย, ยันกล่าวในตอนท้ายเสียงยังไม่ไวยสัน่นถ้าคุณชา ย, ยันไม่ยิงนัดแรกออกไปขยินก็ต้องตายแน่ครับมันถูกเข้านัดนั้นทําให้มันเสียจังหวะไปผมกับแง่ายก็กดไล่หลังมันมาติดๆตอนที่มันไล่มาทางนี้ตัวนายบ้านเองหน้าเหลือสองนิ้ว ปากซี่ตัวสัน่นเห็นแต่ตาขาวที่กรอบกรกิ้งอยู่ไปมาจนกระทั่งบาดนี้ก็ยังไม่สามารถจะเอ่ยอะไรออกมาได้ขยินพบกบความขวัญห น, นีดีฝอยิ่งกว่าทุกคนชายยานต้องงัดบรั่นดีที่ติดตัวอยู่ในย่ามหลังออกมากรอกปากให้พักใหญ่จึงหน้าตาเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาบ้างทั้งหมดพา ก, กันนั่งพักสงบสติอารมณ์อยู่บนเชิงเนินบริเวณป่ากล้วยแห่งนั้นอยู่เป็นเวลานาน ยังไม่มีใครคิดที่จะตายกลับลงไปยังตีนเนินเบื้องร่างอันมีสร้างมโหราณของงูยักษ์ถึงสองกองอยู่จันไปเก็บใยเฟิลของชายยานกับดารินที่ตกอยู่ขณะที่ตลีตาลานหนีมฤลตอยู่เข้าหาที่กําบังมาคืนให้เจ้าของทุกคนตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกอันยากที่จะอธิบายถูกในเหตุการณ์บูดวิดจวนเจียนต่อชีวิตซึ่งเผชิญโดยมุมต่างๆกันแต่ละคนล้วนคิดว่า วาระสุดท้ายแห่งชีวิตตนได้มาถึงแล้วทั้งนั้นแม้แต่ระพินหรือแงซายเองการรอดตายและปราบเจ้าอสูรร้ายทั้งสองตัวราบคาบลงได้จึงเป็นเรื่องคลับคล้ายคลับคลาเหมือนอยู่ในความฝันดารินก็ตกอยู่ในภาวะเดียวกันกับขยินหล่อนพูดอะไรไม่ออกอีกเลยนับตั้งแต่งูยักษ์ทั้งสองถูกปราบหมดทิตรงนั่งกายสั่นเทิมกอดเข่าซุกหน้าอยู่ในท่อนแขน จ้องตามไม่กัะพิพจับนิ่งลงไปยัง้างภูเขาเลากาของมันเหมือนจะไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ต่างๆที่หลอนพบเห็นอยู่นี้มันเป็นความจริงไม่สามารถจะลำดับภาพใ ด, ดๆได้ทั้งสิ้นมันสับสนไปหมดเหมือนฝันร้ายสิ่งที่หลอนจำติดตาอยู่จนกระทั่งบัดนี้และไม่มีวันที่จะเลือนหายไปจากมโนภาพได้ก็คือภาพของศรีรษะอันแสนจะน่ากเกลียดน่ากลัวชูร่อนโผ ข, ขึ้นมาจ้องมองดูรอน ขณะที่ซุกตัวแอบอยู่ในซอกกำบังของก้อนหินพร้อมกับลิ้นที่แหลบแปรป่าเข้ามาใกล้ราวกับจับตะวัดพันล่างของหล่อนและดึงหายเข้าไปในปากอันแลดูราวกับถ้ำมรณะนั้นไม่เคยมีการผจญภัยครั้งไหนที่ทําให้นักมนุษย์าสาวสยดสยองพองขนเท่าครั้งนี้หล่อนกับชายยันเผชิญหน้ากับมันอย่างใกล้ชิดที่สุดโดยมีซอกหินกั้นเป็นเครื่องช่วยชีวิตได้เพียงนิดเดียวเท่านั้น และถ้าไม่ได้ใช้ยานผู้มีสติดีคอยฉุดร่อนพานี้ป่านนี้ร่อนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะในขณะนั้นประสาททุกส่วนเป็นอมพาสไปหมดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยขยินตายไปแล้วแต่ขยินเกิดใหม่นายบ้านหลมช้างบ่นพึมพำออกมาได้ประโยคแรกความตตก อ, อกสั่นค่อยจางไปกลายมาเป็นความปิติโสมนัสเลือที่จะกาว จ้องตาเบิกโพงลงไปอย่างสร้างหูทั้งสองและขยี้ตาอยู่หลายครั้งหัวเราะร่าออกมาได้บุญคำขากถุยดังสนัน่นภ่าวว่าขยินเองไม่น่ารอดมาได้เลยนำทางดีนักนำไปนำมาเสือกนำเข้าไปอยู่ใต้ท้องของมันก็ให้มันหน้ากระทึบนี่ดีว่านายหญิงรู้ตัวเห็นข้าเสียก่อนไม่งั้นเองก็คงนำเข้าปากมันไปเลยคาพูดของตาพรานเท่าทาให้บรรยากาศอันเครียดหนักของทุกคนผ่อนคลายลง ชายยันหัวเราออกมาได้เป็นคนแรกตามนิสัยอันปรับอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วของเขาอย่าไปด่ามันเลยบุญคําขยินพยายามทําหน้าที่ของมันอย่างดีที่สุดแล้วอย่าว่าแต่ขยินเลยขนาดบุญคําหรือพานใหญ่เองก็ไม่รู้ตัวว่าเข้าไปอยู่ใต้กระทองของมันขยินมันจะรู้ได้ยังไงมันเป็นเรื่องของการบังเอิญที่อาจเกิดขึ้นได้เพราะป่าลกทึบมากและตัวก็ใหญ่เสียจนเราสังเกตอะไรไม่ได้ ดีแล้วล่ะที่เพียงแค่เข้าไปนั่งพักอยู่ใต้ท้องมันโดยมันไม่รู้ตัวถ้าเกิดไปหุงข้าวอยู่บนหัวของมันจะยิ่งแล้วใหญ่ถึงยังไรขยินก็อุตส่าห์นําเราตามจนพบนั่นแหละวิหนาซ้ําตัวมันเองยังเกือบตายมากกว่าทุกคนสมละครับนายทหารบุญคําว่าหันไปมองดูขยินแล้วหัวเราะฮือฮมันยกหัวล่าไล่ขึ้นมาอย่างนั้นแล้วไอ้ขยินยังเสือกยืนเซอ่อซ่าอยู่กลางทางคนเดียวคนอื่นเขาหลบหมด นายทหารสติดีแท้อุตสาหยิงช่วยไว้มาเลยฉกลงมางับผาดติดแค่ผ้าเคียนเอวั้า ง, งับถูกตัวไอ้ขยินขาดสองท่อนไปแล้วแล้วตาผ่านเท้าแห่งเขาอึมครึมก็สะบดพึมขยินไม่โต้ตอบอะไรทั้งสิ้นนอกจากยิ้มแห ย, แย่ๆและวผิดโปรดกระติกน้ําออกดื่มกุ้วคออันแห้งปากเป็นครั้งแรกพร้อมกับระบายลมหายใจเฮือกออกมาชํเรืองไปทางหญิงสาวเห็นอย่างนั่งงงเฉยอยู่เช่นนั้นเหมือนจะตกอยู่ในผวัง แต่แล้วหล่อนก็สะดุ้งรู้สึกตัวขึ้นเมื่อชายันเอื้อมมือไปรูปหลังทักยิ้มยิ้มว่าเป็นยังไงน้อยนั่งปรงอะไรอยู่หรือเงียบไปเลยดารินยืดตัวตรงขึ้นหลับตาสะบัดหน้าแรงๆสองสาครั้งแล้วลืมตาขึ้นใหม่หันมามองหน้าผู้ร่วมคณะทุกคนเสียงแห่พร่าฉันกำลังคิดอยู่ว่าฉันฝันไปหรือเปล่าว่าแต่มันตายแน่เล ตัวหนึ่งหัวขาดไปเลยเห็นทนโท่อยู่นั่นอีกตัวหนึ่งคอหักหงท้องหลาถ้าไม่ตายก็รู้จะทำยังไงแล้วชายานตอบตบไหล่เพื่อนสาวมาอย่างปลอบใจดาดินจ้องภาพนั้นอย่างยังไม่แน่ใจเชื่อสายตาตนเองนะักแล้วพนมมือไหว้เหนือซวงอกแงนหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนจะขอบคุณต่อสวรรค์โชคดีเหลือเกินที่คุณหญิงหยุดพักหยุดที่ใต้ซุ้มหินตรงนั้นแล้วเหลือไปเห็นมันโดยบังเอิญ ไม่งั้นพวกเราอาจเดินเซอ้อซาเข้าไปใกล้ส่วนหัวมันโดยไม่รู้ตัวและมันเห็นเราก่อนก็ได้พลานใหญ่พูดขึ้นเบาๆอย่างอดที่จะหวาดเสียวต่อเหตุการณ์ไม่ได้หญิงสาวกล้ามกืนอะไรช น, นิดหนึ่งลงคอบังเอิญอาการหนาวสะทานขึ้นมาอีกครั้งเพราะถ้าไม่ใช่เพราะโครนจากตัวของมันหยดลงมากระทบมือฉันเข้าก็คงไม่รู้เหมือนกันหล่อนพูดเสียงแห้งยังอยู่ในอาการสยองพรานใจ ทีแรกสงสัยว่าอะไรเหลวเย็นมันหล่นลงมาถูกมือพอเงยขึ้นไปมองเห็นยังไม่ทันชัดมันก็หยดซ้ำลงมาอีกคราวนี้เป็นเลือดเลยแล้วก็เห็นป่องท้ายท้องมันตอนนั้นแทบช็อกตัวแข็งไปหมดจะบอกให้พวกเรารู้ก็ไม่มีเสียงเหมือนอะไรมาสะกดไว้งันแหละยังคิดเลยว่าเผลอหลับแล้วฝันไปคุณพระช่วยไว้แท้ๆทีเดียวสาหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ผมก็ยังลำดับภาพไม่ถูกเลยว่าอะไรมันเป็นอะไรพวกผมวิ่งต่เนินขึ้นมายังไม่ทันจะถึงปากถ้ำที่หลบซ่อนนั่นมันก็ไล่หลังกระชั้นชิดเข้ามาเสร็จแล้วไอ้ตัวไหนกันแน่ที่กวดตามพวกผมมาตัวที่เราเข้าไปนั่งพักอยู่ใต้ท้องมันหรือว่าตัวที่เราได้ยินเสียงเลื้อยมาชายยันหันมาถามเรพินตัวใหม่ที่ได้ยินเสียงเลื้อยมานั่นแหละครับมันมาเร็วยิ่งกว่าพายุสีอีก พอคุณชายยันกับพวกเราทางนี้วิ่งมาผมกับแง่ายก็ออกสกัดดักไม่กี่อึดใจเท่านั้นเห็นมันชูหัวโผล่ขึ้นมาพ้นป่าจะยิงตอนนั้นก็ยิงไม่ทนันเพราะมันลดหัวลงเลื้อยไล่พวกคุณชายยันซส้อก่อนผมกับแง่ายก็เลยวิ่งตามหลังมันมาพอจัดการกับเจ้าตัวนั้นเสร็จไปตัวที่นอนนิ่งอยู่ก็เลื้อยตรงเข้ามาตามคู่ของมันผมกับแง่ายต้องเพ่นขึ้นมาบนเนินนี้และยิงลงไปจากบนนี้ ทีแรกนึกว่าเสียงระเบิดที่เรายิงตัวแรกจะทําให้มันหนีเสียอีกที่ไหนได้มันกลับพยายามตรงเข้ามาก็เลยได้จังหวะซัดอยู่ทั้งสองตัวพร้อมกันเลยชัยยันกับดาลินไม่มีโอกาสจะได้เห็นเหตุการณ์ตอนที่รับพินกับแง่สายยิงธนูติดระเบิดเพราะมัวหลบซ่อนอยู่ในซอกขินหน้าปากถ้ำทั้งสองโผล่ออกมาภายหลังจากได้ยินเสียงระเบิดกัมปนาดขึ้นแล้วสามครั้งและได้ยินเสียงโห่ร้องแสดงความดีใจจากบุญคำและจันทร์นั่นเอง แล้วก็ออกมาเห็นซากงูยักษ์ทั้งสองกองหยุดตีนเนินในลักษณะหมดฤทธิ์เดชวายปราลงด้วยอํานาจของไนตโตรกิสรีนสมดังที่คาดหวังไว้มันพิสูจน์ให้เห็นชัดได้ว่าพลานนําทางและเจ้าคนใช้ชาวดงสามารถทํางานประสานกันได้อย่างกลมกลืนไม่มีอะไรขัดเมื่อความจําเป็นขีดสุดได้มาถึงส่วนบุญคํากับจันทร์ก็เป็นมือที่ไว้วางใจได้ทีเดียวเพราะตลอดเวลาได้ยินเสียงปืนจากทั้งสองแผดสนันอยู่ไม่ขาดระยะ แสดงว่าไม่ได้เสียสติเลยคงศาสตร์กระสุนเขาใส่อยักษ์อย่างพรานเลือดค้นแท้จนวินาทีสุดท้ายคงมีแต่ขยินกับดาดินเท่านั้นที่ตกอยู่ในภาวะเสียขวัญทำอะไรไม่ถูกอดีตนายทหารปืนใหญ่เอื้อมมือไปจับแขนนพินกับแง่ทรายไว้คนะข้างบีบแน่นแล้วถอนใจออกมาอีกครั้งเขาไม่จำเป็นอะไรจะต้องตาวสรรเสริญในฝีมือและน้าใจของบุคคลทั้งสอง เพราะซึมทราบดีมานานแล้วเพียงแต่พึ่พามออกมาว่านี่ถ้าไม่ได้ธนูติดระเบิดพวกเราเห็นจะไม่มีทางปากมันลงได้เลยนอกจากกลายเป็นเหยื่อไปหมดตอนที่มันชูหัวขึ้นมาหมายจะเล่นงานผมกับน้อยตรงปากถ้ำนั่นผมบอกไม่ถูกว่าความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงเห็นหน้าเห็นตามันถนัดทีเดียวห่างไม่กี่วานเท่านั้นความใหญ่โตมโหฬารของมันไม่ไกลนักหรอก แต่หน้าตาพี่ดึกพี่ล่านผิดไปกว่า ง, งูทั่วไปทั้งหลายของมันนี่สิทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นมันมีงอนบนหัวด้วยน่ากลัวเหลือเกินผมเอาปืนสั้นยิงเผาขนเข้าใส่หน้ามันนัดหนึ่งเห็นมันหดแวบหายไปแต่อือใจเดียวก็โผล่ล่าขึ้นมาอีกน้อยนะหมดสติไปแล้วตอนนั้นพรานใหญ่ฝืนหัวเราะเบาๆหันลงไปมองข้างล่างอย่าว่าแต่คุณชยยันเลยครับผมเองเห็นมันโผล่หัวขึ้นมาครั้งแรกก็แทบช็อกไปเหมือนกัน พราะคิดวาดภาพหน้าตามมันไปอีกอย่างหนึ่งเข้าใจว่าคงเป็นหน้างูธรรมดาคาดไม่ถึงว่ามันจะแปลกประหลาดเหมือนสัตว์ในเทพนิยายอย่างนี้ไอ้ตัวที่เห็นหัวขาดไปนั่นแหละครับคือตัวที่มีหงอนผมอยากจะเข้าใจว่ามันเป็นตัวผู้ส่วนอีกตัวหนึ่งหัวมันคล้ายๆงูเหลือมธรรมดาคงจะเป็นตัวเมียและเจ้าตัวเมียนั่นแหละที่ปะทะ ก, กับคุณเชษฐาที่หมู่บ้านเป็นตัวที่เราตามรอยมันมา ไอ้ตัวมีหงอ น, นี่ก็เป็นตัวเดียวกับที่เราส่องกล้องเห็นเมื่อเที่ยงนี้นะสิครับต้องเป็นตัวนี้แหละที่เราไปดักมันพอดีกับที่ทางฝ่ายคุณชายปะทะกกับอีอีกตัวหนึ่งทางหมู่บ้านเสียก่อนมาเลยเบนหัวหลบแล้วก็บวกอ้อมมาคอยพบคู่ของมันที่นี่ประจวบกับที่เราตามมาถึงเลยเจอเข้าทั้งสองตัวพร้อมกันน่าจะเรียกมันว่าพญานาคหรือมังกรมากของงู พอเดาถูกไหมไอ้ตัวไหนกันแน่ที่เอาควายของเราไปกินคืนนั้นจอมพรานสั่นศีสั์ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับคืนนั้นเราเห็นมันไม่ถนัดรู้แต่เพียงว่ามันเป็นงูใหญ่เท่านั้นแต่ไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งในสองนี่แหละแล้วก็หันไปส่งภาษาซักถามอะไรกับขยินอยู่ครู่หนึ่งจึงหันมาบอกต่อว่าขยินบอกว่าเท่าที่เห็นมันอารวาดอยู่ที่หมู่บ้านรมช้างเป็นตัวที่ไม่มีงอนคงเป็นตัวเมียนั่นเอง ขยินก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันว่ามันมีอยู่สองตัวเพิ่งจะมาเห็นเอาเดี๋ยนี้แหละถ้าจะให้สันนิษฐานก็อยากจะดาว่าไอ้ตัวผู้นั่นแหละที่ดอดเข้าไปโจมตีขบวนเกวียนของเรากลางดึกเอาควายไปกินในขณะที่นางตัวเมียมาคอยอร า, ารวาดอยู่ทางหมู่บ้านแล้ววันนี้มันก็มาพร้อมกันสองตัวผูวเมียเลยถ้าไม่มีพวกเราเตรียมรับมืออยู่ดีไม่ดีวันนี้ทั้งสัตว์ทั้งคนเกลียงหมดทั้งหมู่บ้านจริงอย่างที่ขยินว่าไม่มีผิดไม่มีปืนกระบอกไหน ที่จะปราบมันลงได้ชายันคลางเบาๆก้มลงมองดูจุดศู6ในมือพร้อมกับสั่นหน้าช้าๆอย่างหมดความไวเนื้อเชื่อใจและพินแย้งมาว่าก็ไม่เชิงครับผมเรียนแล้วว่าปัญหามันอยู่ที่เราจะส่งกระสุนเข้าจุดสำคัญของมันได้เพียงไหนเท่านั้นก่อนที่แงซ า, ายจะยิงระเบิดไปที่ตัวหลังผมกดด้วยจุดสี่ห้าแปดลงไปกลางหัวของนางตูเมียพอเห็นเป้าหมายถนัด เป็นการยิงจากด้านบนนัดแรกเท่านั้นเห็นมันม้วนกลิ้งไปทันทีเหมือนกันเพราะลูกปืนตัดเป็นเส้นตรงผ่านกลางสมองเพียงแต่มันไม่ตายคาที่อย่างฉับพลันทันใดเหมือนสัตว์อื่นเท่านั้นแต่ไม่มีทางจะแผลงฤทธิ์อะไรได้นอกจากดิ้นฟาดตัวเป็นเกลียวความจริงอยากจะลองดูเหมือนกันว่าลำพังกระสุนปืนเข้าสมองจะใช้เวลาสักเท่าไหร่มันถึงจะตายสนิทแต่ต้องการให้มันตายเสียโดยเร็วที่สุดเลยให้แง่ใส่ซ้ำด้วยไนโตรหมดเรื่องหมดราวไป ส่วนมากที่พวกเรายิงเป็นเวลาที่มันชูหัวขึ้นไล่ไหนจะพวงถึงการหนีไหนจะเป้าหมายที่ไม่ถนัดก็เลยพลาดจุดสำคัญไปเลยทำให้ดูเหมือนกับว่าลูกปืนทำอะไรมันไม่ได้ส่วนมากกระสุนไปถูกที่ไม่สำคัญเสียหมดนั่นเองการใช้ปืนจึงเป็นการเสี่ยงมากสำหรับงูใหญ่ขนาดนี้แล้วไอตัวนั้นโดนเข้าอีท่าไหนหัวถึงกุดไปเลยลูกแรกตอนที่มันชูหัวล่าจะเล่นงานคุณชายยันกับคุณหญิงอยู่ แง่ช า, ายยิงไปที่กลางลําตัวมันเลยถล่มลงมากองอ้าปากกว้างลูกที่สองเข้าไปในปากพอดีพอธนูเสียบปากมันก็งับพวกลงมาชายยันแยกเขี้ยวพร้อมกับปรับตาอย่างพลอยสยดสยองในวาระสุดท้ายของเจ้า ง, งูยักษ์ตัวนั้นเพราะวาดภาพถูกตามคําบอกเล่าว่ามันจะเป็นไปในลักษณะไหนอย่าว่าแต่ส่วนหัวของเจ้าอสูรดึกดําบันนั่นเลยที่จะไม่กลายเป็นจุนมหาจุนไปด้วยอํานาจระเบิด ซึ่งอาจตัวอยู่ในที่บังคับอันเป็นปากที่งับลงมาของมันเองต่อให้หินสิบสิบตันยังหลุดออกมาทั้งกระบี่พระรามแง่ซ า, ายของเรายิงสอนพมมาได้เด็ดแท้ให้มันได้อย่างนี้สินาพ่อคุณเอ้ยแล้วตัวหลังล่ะถูกคอครับตูมเดียวเท่านั้นคอหักพริกท้องนิ่งไปเลยไม่กระดิกแม้แต่นิดเดียวไม่ใช่ช็อกไปชั่วคราวแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอีกนะฉันไม่มีแรงวิ่งอีกแล้ว ดาลินพูดมาด้วยเสียงกระซิบดูหลอนจะยังไม่มไว้ใจนักชายยันหัวเราะลั่นออกมาอย่างขบขันในคำพูดและอาการของหญิงสาวแต่ละผิดมองดูหลอนอย่างเห็นใจลองดูเพื่อความแน่ใจอีกครั้งก็ได้นี่ครับยิงเข้าไปที่หัวของมันสักนัดสองนัดถ้ามันยังตายไม่สนิทมันก็กระดิกตัวให้เราเห็นเองหญิงสาวคงนั่งนิ่งเฉย อ, ยอยู่เช่นนั้นอย่างหมดเรี่ยวแรง ชา ย, ยันจึงขยับตัวลุกขึ้นยืนคว้าไรเฟิลประจําตัวขึ้นประทับปากบอกกับแง่ทรายว่าเตรียมธนูกายสิทธิ์ของนายไว้พร้อมแล้วนะแง่ทายเพื่อมันเกิด จ, กกจักรจี้เพราะลูกปืนของฉันยักเอวยักไหลหัวเราะก้ากออกมาเมื่อไหร่แล้วก็ช่วยซ้ําให้ทันการด้วยแง่ทายอมยิม้มคว้าธนูขึ้นมาเตรียมอย่างปฏิบัติตามคําสั่งของเขามากกว่าที่จะระแวงสงสัยใดๆชา ย, ยันก็กระดิกนิ้วร่าไกาออกไปอย่างบรรจง โดยเลงไปยังบริเวณใต้คางที่พิกหงายอยู่เสียงจุด60ศดังสนั่นลั่นขุนเขาได้ยินเสียงหัวกระสุนแล่นเข้าเจาะเป้าหมายตามเสียงระเบิดมาอย่างถนัดเขายิงออกไปทั้งสองลำก้องแลเห็นเศษเกรดปลิวว่อนขึ้นมาด้วยแรงตีขวานห่วงของหัวกระสุนและฝุ่นจากพื้นดินด้านล่างที่ลูกปืนเจาะผ่านลงไปกระทบฟุ้งขึ้นแต่เจ้างูยักษ์ที่นอนหงายคอขาวอยู่จะสะดุ้งสะเทือนหรือเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยก็หามไม่ สบายใจหรื อ, อยังล่ะน้อยเพื่อนชายหันมาถามดารินยิ้มออกมาจิดจืดๆครูใหญ่หลังจากนั้นทั้งหมดก็ค่คอยๆไต่เนินลงมายัางซาก ง, งูยักษ์ทั้งสองเพื่อสํารวจโดยใกล้ชิดมีดารินคนเดียวเท่านั้นที่ยืนรออยู่ห่างๆไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้ชิดซากของมันนักหลอนทั้งเกลียดทั้งกลัวและยังโอดที่จะระแวงอยู่ไม่หายรอบได้บริเวณใกล้เคียงนองไปด้วยเลือดเนื้วเหนอะแทบจะว่าอาบไปทุกโขถินแะหมู่ไม้ ชิ้นส่วนของบริเวณสีศะเจ้าตัวผู้กระเด็นกระจัดกระจายไปรอนอยู่ทั่วไปกำหนดสันถามิได้ว่ามันเป็นส่วนไหนบ้างเพราะความรุ่งริ่งของมันบางชิ้นกระเด็นห่างจากลำตัวถึงสี่ห้าสิบเมตรข่าวเลือดและกลิ่นระเบิดผสมคลากรุงไปหมดพอเข้ามาเห็นโดยใกล้ชิดเช่นนี้ความใหญ่โตมโหฬารของมันแทบทำให้ไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นสัตว์อะไรซากที่กองอยู่ดูราวกับกาแพงโคถินขวางกั้นอยู่เฉพาะเท่าที่เห็น เพียงรอยเลือดไปในทุ่งหญ้าคำนวณกันไว้ก่อนว่าจะต้องมะหึมมายิ่งแล้วมาเห็นตัวมันใกล้ๆเช่นขณะนี้ปรากฏว่ามันใหญ่กว่าที่กะกันไว้เสียอีกตรงบริเวณสันหลังกลางลำตัวอันเป็นบริเวณที่อวบใหญ่ที่สุดคนร่างสูงใหญ่ขนาดแง่ทรายเข้าไปยืนเทียบแล้วศรีรษะอยู่เพียงระดับครึ่งเดียวเท่านั้นช ย, ยันหลี่ตาลงอย่างสยองใจพึมพำออกมาแผลบนี่มันคงมองเห็นเรา ตัวเท่าตั ก, กะแตนเท่านั้นตัวเมียมีขนาดย่อมกว่าตัวผู้เล็กน้อยรอยบาดแผลจากลูกปืนมีอยู่ทั่วตัวแต่ละแผลเหล่านั้นเมื่อเทียบกับขนาดรําตัวของมันแล้วแทบจะสังเกตไม่เห็นนอกจากจะใช้ความพิจารณาอย่างถี่ถ้วนยกเว้นที่ปรากฏอยู่บนศีรษะอันเป็นเวรที่เป็นกระดูกแข็งเท่านั้นกระสุนที่ยิงเข้ารําตัวจึงเรียกได้ว่าแทบจะไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาเลยเมื่อมาพิจารณาใกล้ๆเช่นนี้ บุญคำทดลองใช้มีดดาบเดินป่ากระนำฟันเข้าไปใ น, นที่ผนังลำตัวนั้นปรากฏว่ามีดกระดอนกลับออกมาไม่สามารถจะผ่านเกร็ดหนาเข้าไปได้ราวกับฟันยางรถแท็กเตอร์เมื่อใช้มือสัมผัส ร, รูปคำรู้สึกไม่ผิดอะไรกับคำลำต้นของไม้ใหญ่ไม่มีทางจะรู้เลยว่ามันเป็นลำตัวของสัตว์ชา ย, ยันกล่าวต่อมาว่าก็สมควรแล้วที่เราจะคานเสื้อซ้าเข้าไปนั่งพักอยู่ใต้ท้องของมันโดยไม่รู้ตัว อย่าว่าแต่เข้าไปนั่งพักอยู่ใต้ท้องมันเลยสมมุติว่ากําลังเดินเข้าไปในพงทึบเจอลําตัวมันทอดขวางอยู่หน้าอยู่แบบนี้ก็คงนึกว่ามูลดิหนหรือซากต้นไม้ใหญ่ล้มขวางอยู่ดีไม่ดีตายขึ้นไปหงข่าบนหลังของมันส่งไปน่าเสียดายกล้องถ่ายลูกของน้อยหรือเกินถ้าไม่พังไปเสียขาวไอ้แหว่งบุกละมีติดตัวกันมาด้วยคงได้หลักฐานสิ่งมหัศจรรย์ น, นี้กลับออกไปให้โลกภายนอกเห็นหรื อ, อยังไงผู้กองพ่านใหญ่หัวรอบเบาๆ สิ่งแปลกประหาดมหัศจรรย์เกินเชื่อเช่นนี้มันมักจะกลัวกล้องถ่ายรูปเสมอแหละครับคุณชายยันน้ำเสียงของเขาแฝงอารมณ์ขันที่เล่นที่จริงถ้าเรามีกล้องถ่ายรูปมาด้วยเราอ่านไม่พบมันก็ได้เพราะฉะนั้นความพิสดารทั้งหลายในป่านี้จึงหาหลักฐานออกไปยืนยันให้โลกภายนอกเขายอมเชื่อไม่ได้เป็นได้ก็แต่เพียงเรื่องนิยายที่เล่าสู่กันฟังเท่านั้นจนกว่าจะได้มีโอกาสมาเผชิญพบเห็นด้วยตาตนเองแบบนี้แหละ นี่คือเรื่องของป่าดงพงพีที่ยังเต็มไปด้วยความลี้ลับชนิดที่คนเมืองคาดคิดไปไม่ถึงและไม่ยอมเชื่อพวกชาวป่าไม่ใช่นักสํารวจค้นคว้าไม่ใช่นักศึกษาที่ต้องการสถิติและหลักฐานไปแสดงต่อโลกเพื่อหวังชื่อเสียงอะไรสิ่งใดก็ตามที่เขาเผชิญพบเห็นก็เป็นการพบเห็นด้วยตาของเขาเองเท่านั้นอย่างมากก็แค่เก็บเอามาเล่าให้ญาติมิตรพวกพ้องฟังดารินคนเดียวเท่านั้นที่นิ่งซึมไป ไม่เข้ามาใกล้หรือแสดงความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นหล่อนอยากจะรีบไปให้พ้นจากที่นี่โดยเร็วที่สุดขณะนี้นั่งเอามือเท้าคางอยู่บนก้อนหินก้อนหนึ่งระหว่างที่ชายยานกําลังเดินสํารวจอย่างสนใจยิ่งเพื่อคํานวณขนาดอันแน่นอนของมันรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆแล้วเพียก็หันมาพบหล่อนเข้าเดินตรงเข้ามาใกล้คุณหญิงจะไม่เข้าไปดูมันให้เต็มตาใกล้ๆหน่อยหรือครับตัวมันโตกว่า ง, งูดินเป็นกองหล่อนเหลือบตาขึ้นมองพูดเบาเหมือนกระซิบ เกือบตายกันหมดทุกคนเมื่อยกยกนี่เองยังอุตส่ามีอารมณ์ขันอยู่อีกเลย อ, อารมณ์ขันมันช่วยคลายอารมณ์เครียดได้ไม่ใช่หรือครับคุณหญิงหมอดาลินหน้า ง, ง้ําขึ้นความซี้เสียวหายไปในบัตรนี่นี่เลิกเรียกฉันด้วยภาษาบ้าบานี้สิตทีจะเรียกชื่อก็เรียกจะเรียกหมอก็เรียกเอาให้มันแน่สิอย่างหนึ่งเรียกคุณหมอหญิงได้ยินแล้วอยากจะสะบัดหลังมือให้สักฉาต เอผมเรียกผิดที่ตรงไหนเลยคุณหญิงเป็นคุณหญิงอยู่แล้วไม่หนำซ้ําเป็นหมออีกด้วยผมก็เรียกคุณหญิงหมอแล้วยังไม่ถูกอีกหรือครับที่คุณหญิงหมอยังเรียกผมว่าในพลานไพรเปลี่ยนนามสกุลให้เสียใหม่ว่าใจฉกาดผมยังไม่ว่าอะไรคุณหญิงหมอสักนิดเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเอาละครับได้ออกเทนแรงสูงคือน้ําโหเข้ามาเป็นพลังแล้วทีนี้พอจะมีแรงเดินกลับหรื อ, อยัง นักมนุษยวิทยาคนสวยครึ่งยิ้มครึ่งบึง้งแล้วหัวเราะออกมาอย่างกระฟัดกระเฟียดอ๋อนี่มาแกล้ง ย, ยั่วฉันมีแรงขึ้นมางั้นหรือก็เห็นน้ำมันหมดลงนั่งทอดอะไรแล้วก็เลยเอาออกเทนก็เลยเอาออกเทนมาช่วยเติมให้ดีมันเติมเชื้อเข้าไว้เถอะออกเทนมันคงจะลุกคลอกคนเติมเข้าให้สักวันหนึ่งหรอแล้วผิดยากไรไม่เป็นไรไม่ได้บังเอิญผมเป็นตำรวจดับเพลิงเก่า มีเสื้อกันไฟร้อเปอร์เซปุ๊บว่าแล้วเขาก็เดินพระไปโชคดีเหลือเกินที่ไอ้สองตัวนี้มาตายอยู่กลางดงห่างไกลจากหมู่บ้านออกมามากถ้าไปตายอยู่ใกล้หมู่บ้านแล้วก็ยุ่งใหญ่ทีเดียวพวกล่มช้างรวมทั้งเราด้วยเห็นจะต้องอบพยพหนีกันหมดเวลามันเน่าชา ย, ยันบอกกับเขาเมื่อหันมาเห็นพรานใหญ่เข้ามาหยุดยืนอยู่ข้างๆตะโกนให้สัญญาณคนของเขาเตรียมตัวพระจากซาก ง, งูยกักษ์เพื่อเดินทางกลับ ขณะนั้นมันเป็นเวลาบ่ายสี่โมงเศษแสงในดงเริ่มโรยลงอย่างรวดเร็วทุกคนที่แยกย้ายกันออกสำรวจสร้างงูกลับเข้ามารวมกลุ่มกันอีกครั้งบุญคํากับข้ายินช่วยกันถางเกร็ดของเจ้าสัตว์ดึกดําบันแผ่ขนาดกระด้งฝัดข้าวใหญ่ๆทั้งสองตัวออกมาตัวรักเกตเจาะร้อยเชือกสะพายหลังเพื่อนําติดตัวกลับไปด้วยเมื่อพร้อมพรานใหญ่ก็มีคําสั่งให้ออกเดินทางข้ายินทําหน้าที่เป็นมักกุเทสอีกตามเคยเดินขาขย ե ก แต่ก็ตัวปลิวหน้าตาเบิกบานแจ่มใสนำริ้วไปในการบ่ายหน้ากลับหมู่บ้านครั้งนี้ขยิดไม่ได้นำผ่านบริ เ, เวณเถวใบไม้ที่ตามรอยงูผ่านกันมาแล้วหากแต่อ้อมไหลเขาย่อมๆลูกนั้นตัดเข้าดงไปอีกด้านหนึ่งหนทางอ้อมวกวนเล็กน้อยแต่ก็ดีกว่าที่จะย้อนกลับทางเก่าอันเต็มไปด้วยอันตรายทั้งหมดมาถึงหมู่บ้านเวลาเข้าใต้เข้าไฟพอดียังไม่ทันจะถึงเขตหมู่บ้านดี ข้าหินก็ออกวิ่งส่งเสียงร้องบอกพวกพ้องเอ็ดอึงเข้าไปก่อนอย่างวิงโรดปีดาพวกชาวบ้านรอคอยรับอยู่ก่อนแล้วพอข้าหินเล่นแหกปากตะโกนบอกถึงโชคชัยความสําเร็จโวยวายเข้าไปเสียงโห่ร้องก็ดังกึกก้องขึ้นทั้งหมู่บ้านอือ้ออึงไปหมดทุกคนในหมู่บ้านไม่ว่าเป็นลูกเด็กเล็กแดงมาชุมนุมกันแน่นขนาดอยู่ที่กลางลานกว้างท่ามกลางแสงคบเพลิงที่สว่างสวยไปทั่ว เชษฐาวราลิศยืนรอรับอยู่แล้วที่นอกชานกว้างบนเรือนด้วยสีหน้าอันแดงก่ำไปด้วยความตื่นเต้นปิติใจเหลือที่จะกล่าวเสียงโห่ร้องอื่นคันหนึงของพวกชาวบ้านก็ดีเกิดกับเสยผู้ได้ยินเสียงแต่แรกกระโดดแล่นลงจากเรือนออกไปฟังข่าวแล้วห่อกลับมารายงานเขาร ะ, ะล่ำรลักถึงการกลับมาพร้อมกับโชคชัยของคนเหล่านั้นก็ดีแทบจะทำให้เขาลืมเรื่องขาเจ็บเสียสนิททั้นแล้วทั้งเจคนก็โผล่ขึ้นมาบนเรือน ชายยันเดินหน้าบานหัวเราะร่านําหน้าขึ้นมาเป็นคนแรกตามติดมาด้วยขยินกับบุญคําผู้แบกเกร็ดงูมาด้วยคนรักเกตระพินเป็นคนสุดท้ายที่ก้าวตามหลังขึ้นมาชายยันยังไม่เอ่ยคําใดทั้งสิ้นบงการให้ขยินกับบุญคําวางเกร็ดงูอันใหญ่ขนาดกระด้งทั้งสองลงตรงหน้าแทบเท้าของเชฐิฐาแล้วจึงทําหน้าขึงขังพูดขึ้นดังๆเหมือนจะรายงานว่าระพินแง่ท า, ายและอีกห้าคนที่ไปด้วยกัน ขอมอบสิ่งนี้ให้เป็นอภินันทนาการแก่หม่อมราชวงศ์เชษฐาวราริศผู้เป็นหัวหน้าคณะของพวกเราทุกคนอดีต ท, ท่านทูตทหารโบกผู้พิการชั่วขณะจ้องมองดูสิ่งที่วางอยู่ตรงหน้าอย่างตะลึงแล้วเงยขึ้นโดยเร็วมองดูหน้าทุกคนที่ยืนเรียงรายอยู่ตรงหน้าเอ่ยขึ้นเสียงสั่นเครือไปด้วยความปิติแปลว่าสำเร็จหรือชา ย, ยันน้อยความเงียบปกคลุมไปชั่วอึดใจไม่มีใครตอบคำถามเขา และทันทีนั้นน้องสาวก็โผลเข้าไปกอดพี่ชายไว้แน่นชายยันตรงเข้าไปกอดไว้อีกคนหัวเราะดังสนั่นออกมาชายโยสี่เชิด้าชายโยให้ดังที่สุดให้แกโชคชายของเราและให้แก่วีรบุรุษสองคนพานใหญ่กับคนใช้พิเศษของเราทางขวานั่นเป็นเก็ดของเจ้าตัวผู้ส่วนทางซ้ายนี่เป็นเกดของนางตัวเมียอยู่หมดแล้วทั้งสองตัวแล้วอหลักฐานกลับมาให้ดูได้เพียงเกดของสองเกดนี้เท่านั้นเอง เชิดขาไม่ได้ชายโยเขาคงยืนตะลึงงินไปด้วยความปราดปื้มตื่นเต้นเช่นนั้นแต่พวกลูกหาและพรานพื้นเมืองพากันโห่ขึ้นกึกก้องพวกชาวบ้านที่แห่ตามกันมาร้อมเรือนใหญ่ไว้แน่นขนาดก็โห่ร้องรับขึ้นด้วยสนั่นวันไหวบรรยากาศเต็มไปด้วยความยินดีสมมนัดเมื่อสางจากตะลึงหัวหน้าคณะก็เคลื่อนเข้าไปหยุดอยู่ตรงหน้ารพินกับแง่ทรายกางแขนโอบ ก, กอดไว้คนละด้านรพินเสียงของเขากง คืออยู่เช่นนั้นด้วยความตื่นตันใจคุณคงรู้ว่าผมพูดอะไรไม่ออกในขณะนี้นอกจากขอบอกสั้นๆว่าผมภูมิใจและสุขใจเหลือเกินที่ได้มืออย่างคุณและแงซ า, ายไว้เป็นแขนซ้ายขวาแบบนี้ถึงไหนก็ถึงกันไม่หวั่นเลยแล้วเขาก็หัวเราะออกมาด้วยน้ำเสียงกลางวานสีหน้าแช่มชื่นหันไปทางขยินขยิน ขยินเราได้ทำตามสัญญาที่ให้เก่เจ้าไว้แล้วต่อไปนี้หมู่บ้านของเจ้าจะไม่มีภัยใดๆมารบกวนอีกนายบ้านดมช้างซุดตัวลงราบกับพื้นตรงหน้านั้นเป็นอาการคารวะขีดสุดเท่าที่เจ้าคนดงจะสำแดงได้แล้วก้มศรีรษะลงไปจนจดพื้นแทบเท้าของเชษฐาและคณะทุกคนขยินเห็นแล้วเห็นมากับตาตัวเองพวกเจ้านายทั้งหลายเปียบเหมือนเทวดามาช่วยขยินและพวกของขยินไว้ทั้งหมู่บ้าน เขายินจะไม่ลืมเลยจนลมสุดท้ายของชีวิตใครจะชุมนุมซักถามเล่าความกันอย่างไรก็ตามทีดาลินถอดเสื้อราสัตว์ของหล่อนออกเหลือแต่เชิ้ตเบาบางแล้วตรงเข้าไปดูเจ้ามุคนใช้ของคนไข้ของหล่อนซึ่งบัดนี้กําลังนอนลืมตาโพงสดับฟังเสียงพูดกันแซดเอิบกระเลิกอันบ่งความหมายโชคชัยแล้วซุบซิบถามความกับนางอ้วกคูรักที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างข้างพอเห็นนายหญิงเคลื่อนตรงเข้ามาด้วยสีหน้าแฉมเบิกบาน นางก็ถลาเข้ามากอดขาไว้ส่งภาษาถามร่างลักออกมาดารินเดียกเกิดผู้ยืนอยู่ใกล้ที่สุดให้เข้ามาเป็นลามถูกแล้วที่เจ้ากับมุได้ยินอยู่ในขณะนี้ไม่ผิดไปหรอกงูยักษ์ตายแล้วทั้งสองตัวจะไม่มีงูยักษ์ที่ไหนมาอารวาที่นี่อีกเจ้าทั้งสองพ้นเคราะห์แล้วนางอ้วร้องไห้โหออกมาด้วยความดีใจเหลือที่จะกล่าว เรือใบหน้าลงบนหลังเท้าของหล่อนและหันไปกอดชายคนรักไว้เจ้ามูมีสีหน้าสดใสแจ่มชื่นขึ้นในบัดนี้น้ำตาคลอเบ้านายหญิงว่านายหญิงยิ่งกว่าแม่ของมูเองลูกของมุลูกของลูกของลูกต่อไปทุกชั้นมุจะสอนให้ระลึกถึงนายหญิงเกิดแปรเสียงปุ่มพำของเจ้ามุให้หล่อนทราบไม่จําเป็นหล่อนชี้ให้เกิดเป็นลิ้น ถ้าเจ้ายัางระลึกถึงเราอยู่จงจำแต่เฉพาะเมตตาธรรมและความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ที่เราได้มีไว้แก่เจ้านั้นเถิดต่อไปเจ้าจะได้เป็นหัวหน้าบ้านแห่งนี้ปกครองบริวารสืบแทนต่อจากพ่อของเจ้าจงให้ความปรานีและยุติธรรมแก่คนของเจ้าเหมือนเช่นที่เจ้าได้รับจากเราอย่าลืมเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเจ้าเองเสียอย่าให้มีเรื่องทํานองเดียวกันนี้ไปเกิดขึ้นกับคนในปกครองของเจ้า มีลูกมีหลานก็จงสอนกันสืบต่อไปและนั่นก็คือการที่เจ้ายัางระลึกถึงเราอยู่มูสาบานว่าจะปฏิบัติตามคําสั่งของนายหญิงลูกชายของนายบ้านรับคําหนักแน่นดาลินใช้ให้เกิดไปตามขยินเข้ามาในทันทีนั้นยิ้มให้อย่างอ่อนโยนเป็นครั้งแรกแล้วว่าขยินถึงเวลาแล้วหรื อ, อยังที่เจ้าจะให้อภัยแก่เจ้าโมูและนางอัว้ว ยอมรับทั้งสองมาเป็นลูกชายและลูกสะใภ้ของเจ้าให้กลับคืนมาอยู่ในหมู่บ้านขยินเป็นคนผิดเองนายหญิงขยินพึมพำแหบเครือก้มหน้าไม่อาจจะสศพลร่อนแล้วเอื้อมมือไปจับแขนลูกชายผู้นอนเจ็บอยู่ไว้อีกมือหนึ่งจับแขนนางอ้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเจ้าทั้งสองจะได้แต่งงานอยู่กินด้วยกันและเป็นหัวหน้าปกครองที่นี่แทนพ่อแล้วพ่อล่ะมูถามบิดายิ้ม เงยหน้าขึ้นมองดาลินด้วยประกายตาแจ่มใสวันใดก็ตามที่คณะของนายหญิงออกจากหล่มช้างวันนั้นพ่อตามไปรับใช้นายหญิงด้วยไม่ว่าหนทางภาคหน้าจะยากแค้นเพียงใดไม่ว่าเป็นหรือตายค่ำคืนนั้นตลอดทั้งบริเวณหมู่บ้านสว่างสวยไปด้วยแสงคบไฟและเสียงร้องรำทำเพลงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหญิงชายลูกเด็กเล็กแดง หรือผู้เท่าต่างออกจากเรือนมาชุมนุมกันอยู่ที่ลานกว้างอันมีไฟกองใหญ่สุมอยู่ช่อช่วงทุกคนเต็มไปด้วยความสุขมหาพิบัติภัยจากงูใหญ่ที่คุกคามทุกชีวิตในหมู่บ้านได้ถูกคณะผู้แปลกถิ่นที่มาเยือนช่วยขจัดเป่าเๆให้สุดสิ้นราบคาบลงแล้วสมดังที่ได้ให้คํา ม, มั่นสัญญาไว้ความสงบสุขกลับคืนมาเหมือนเดิมสภาพอันเงียบเหงาซึมเศร้าหวาดกลายมาเป็นความคลึกคักรื่นเริงทั่วหน้า คนเหล่านี้จะมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขเหมือนเคยจนกว่าแน่และจนกว่าจะมีภัยธรรมชาติใดๆกล้ำกลายเข้ามาบิธาอีกอันเป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอในชมรมชาวป่าชาวเขาซึ่งฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับธรรมชาติแวดล้อมที่สรงอิทธิพลอยู่เหนือบนเรือนใหญ่ของคณะผจนภัยชาวกรุงก็มีการเลี้ยงฉลองใหญ่เช่นเดียวกันทุกคนในคณะดื่มกินเฮฮากันอยู่ที่ชานกว้าง เชษฐาสั่งให้ขนเล่าออกมาเลี้ยงอย่างไม่อัน้นนอกจากจะเป็นการฉลองโชคชัยของเราคืนนี้จะเป็นการเลี้ยงอำลา ค, ครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะแยกจากกันทุกคนขอให้สนุกกันให้เต็มที่หัวหน้าคณะประกาศกล้องด้วยใบหน้านยิ้มแย้มท่ามกลางวงร้องของพานพื้นเมืองและลูกหาบทั้งหลายคนเหล่านั้นโห่ร้องรับคำเขาสนันวันไว้มันเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย ที่คณะนายจ้างทั้งสามลงมาร่วมวงกับคนทั้งหมดของเขาอยู่กลางชาบ้านโดยไม่ถือตัวโดยมีขยินและคนชั้นรองหัวหน้าบ้านอีกสองสาคนขึ้นมาสมทบด้วยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นแจม่มใสประมาณสามทุ่มเศษพวกนั้นก็เมาหลับกันไปเกือบหมดเพราะต่างกินเหล้ากันเข้าไปเต็มคราบด้วยความสบายใจเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ออกเดินทางมา คณะในจ้างย้ายกลับเข้าไปสนทนากันในห้องทั้งสาอาบน้ำํำชำระร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เรียบร้อยเต็มไปด้วยความสดใสปลอดโปร่งใจและมีความรู้สึกเหมือนกับอยู่ในบ้านของตนเองเป็นครั้งแรกเชฐษฐาได้รับการถอยทอดเหตุการณ์ขณะที่ทั้งคณ ะ, ะเผชิญหน้ากับงูยักษ์สองตัวอย่างละเอียดที่สุดจากเพื่อนได้น้องสาวจนเหมือนกับเขาได้ไปร่วมเหตุการณ์นั้นอยู่ด้วยตนเองราชสะกุลหนุม่มฟังและซักถามด้วยความตื่นเต้นระทึกใจ แล้วเขาก็ใช้ให้แงซา ย, ายผู้เป็นคนเดียวในคณะซึ่งไม่ได้แตะต้องเล่ายาหรือมีอาการริงโรดคึกคักเหมือนเช่นคนอื่นๆนอกจากความขรึมสงบสำรวมอยู่เป็นปกติวิสัยและในขณะนี้กำลังนั่งล้างปืนอยู่เงียบๆกับพื้นไม่ห่างออกไปนักให้ออกไปตามพลานใหญ่เข้ามาร่วมด้วยคนใช้ชาวโดงหายออกไปพักใหญ่และพินไพรวันก็โผล่เข้ามาในห้องลักษณะของจอมพรานเพิ่งจะอาบน้ำโกนหนวดคราวเกลี้ยง แต่ก็ยังอยู่ในชุดเดินป่าเป็นอันลักษณะเดิมของเขาแต่ดูสะอาดเรียบร้อยขึ้นเพราะเป็นชุดใหม่ในมือฮิ้วถุงผ้าดิบสีมอมอมาด้วยใบหนึ่งทันทีที่ก้าวเข้ามาในห้องเขาก็หยุดชะงักเล็กน้อยเพราะจมูกสัมผัสกับกลิ่นเครื่องประเทืองผิวชั้นสูงจะรุงลื่นไปหมดทั้งห้องราวกับจะโผล่เข้าไปในห้องโออาของสุภาพสตรีสำอางโฉมมันกรบสา พ, พงภัยที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้เสียหมดสิน้น จนทำให้ต้องหวนคิดไปถึงบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยกลิ่นอาอารยธรรมเมืองหลวงซึ่งห่างไกลลิฟออกไปแล้วก็เห็นที่มาของกลิ่นอันทรงศักดินนั้นด้วยอาการง ง, งๆเจ้าของกลิ่นอยู่ในไนกลาวสีขาวเป็นมันระยับท่ามกลางแสงตะเกียงเจ้าพายุปล่อยเรือนผมดำสนิทเป็นคลื่นงามสยายเคลียไรลตัดกับสีของอาพรและใบหน้าที่พริมพร้มเปล่าผุดผาดงามบาดใจสะเทือนลึกลงไปในอารมณ์ผิดไปกว่าทุกครั้งที่เคยเห็น จนแทบจะทำให้เป็นคนแปลกหน้าไปรพินยอมรับกับตนเองว่าเขาเกือบจำคู่อดีสามไม่ได้ในคืนนี้ถ้าไม่ใช่พระหล่อนเป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในห้องนั้นกำลังใช้ครีมรักษาผิวชลอมรูปไร้ฝ่ามืออยู่ไปมารพินตื่นจากตะลึงมองค้างถอนสายตาจากหล่อนในทันทีเมื่อเช็ดทาร้องทักมายิ้มย้มว่านั่งสิรพินนึกว่านอนแล้วสิเอกสั่งแงซายไปแล้วว่าถ้าคุณนอนก็ไม่ต้องปลุกหอก ผมยังไม่ได้นอนหรอกครับเพิ่งอาบน้ำเสร็จเขาตอบเบาๆยังคงยืนหิ้วถุงเล่อล่าอยู่เช่นนั้นชายยันก็ร้องถามปนหัวเราะว่านั่นหิ้วถุงอะไรเข้ามาด้วยนะ่ะของขวัญจากขยินฝากมาให้คุณหญิงครับแล้วพินตอบอ้อมแอมเชื่อถากับชายยันเลิกคิ้วอย่างสงสัยนักมนุษย์หาสาวคนสวยซึ่งนั่งทอดอารมณ์นวดฝ่ามือตนเองเฉยตั้งแต่เขาก้าวเข้ามาเงยหน้าขึ้นโดยเร็วของขวัญจากขยินฝากมาให้ฉัน หล่อนทวนคำขมวดคิ้วจ้องมองดูถุงผ้าดิบในมือของเขาครับอะไรแทนคำตอบพรานใหญ่วางถุงลงกับพื้นห้องสิ่งที่ทวงหนักอยู่ก้นถุงเคลื่อนไหวดุบดิบเล็กน้อยอึดใจเดียวมันก็ค่อยๆ ค, คลานต่อแต่โผล่หัวออกมาทางปากถุงปรากฏกับสายตาของทุกคนที่จ้องจับด้วยความประหลาดใจพอมองเห็นได้ถนัดทั้งเช่ฐากับชา ย, ยานก็อุทานออกมาเบาๆลูกเสือ ตัวมันขนาดแมวเคืองๆแต่อวบกลมกว่าโดยเฉพาะที่หน้าสั้นหูมนและอุ้งตีนใหญ่กว่าแมวหลายเท่ายังป่อแป้เชื่องช้าและเดินไม่ถนัดนักคลานไปได้สองสาก้าวขาหลังก็พันกันล้มแผลแสดงว่ายังอ่อนมากขนฟูปุกปุยน่ารักดาดินร้องอะไรออกมาคำหนึ่งยางตื่นเต้นยินดีที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันตาเป็นประกายผุดรุกขึ้นโดยเร็วปาดตรงเข้ามาขยับจะก้มลงอุ้มแต่แล้วก็ชะ ง, งัก พระเราผีนขวางไว้เดี๋ยวครับอย่าเพิ่งเขาท้วงต่ำๆทำไมมันดุเหรอมันยังไม่ดุหรือเดียงสาอะไรหรอกครับแต่มันคงไม่ถูกกับกลิ่นแฮนโรชั่นของคุณหญิงแน่กลิ่นไออายอรยธรรมกับสาปพลพายมันไปกันไม่ได้พวดผ้าไปอุ้มมันเข้ามันจะควรเอาหล่อนยืนซอยปลือกตามองดูเจ้าพยักน้อยที่ขานตุ้มเตียมอยู่กับพื้นตรงหน้าอย่างรักไ่เอนดูดีใจจนออกหน้าเห็นได้ชัด เป็นปด้วยความรู้สึกอยากที่จะจับต้องฉันอยากอุ้มมันเหลือเกินมันคงไม่กัดคนที่รักเอ็นดูมันอย่างฉันหรอกถึงจะกัดบ้างก็คงไม่เจ็บนักตัวเล็กแค่นี้เองตายน่ารักจังเพื่อความปลอดภัยสวมถุงมือหนังของคุณหญิงจักรก่อนดีกว่าครับเผื่อมันควรหรือกัดจะได้ไม่เจ็บพลานใหญ่บอกขณะที่รอนวิ่งไปหยิบถุงมือหนังมาสวมชายยันก็ก้มลงหิ้วคอลูกลายพาดก่อนขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะและเอานิ้วแหย่เล่น มันอ้าปากขู่เสียงดังเฟ้เฟเหมือนแมวขู่แล้วใช้อุงเท้าตบนิ้วเขาด้วยสัญชาตญาณดุร้ายตำเผาพันแต่ไม่เจ็บปวดอะไรนักเพราะยังเป็นลูกอ่อนอยู่มากอดีตนายทหารปืนใหญ่หัวเราะหึ่เดินยังไม่แข็งเลยเอาเรื่องเสร็จแล้วนี่เนี่ยที่เขาเรียกว่าลูกเสือลูกตะเค้เลี้ยงไม่ได้สอ่อสันดาลอันธพาลตั้งแต่แรกเดิมทีเดียวประเดี๋ยวทุบเปียงคอหักเขาเป๋นี่ ดารินกราดเข้ามาถึงตีแขนชายยันดังเผียเต็มแรงกระชากไหล่ให้ห่างออกมาร้องเสียงแหวร้องสิลองมาทุบมันคอหักฉันก็เอาเธอคอหักด้วยเหมือนกันแหละไปอย่ามายุ่งนี่มันลูกเสือของฉันมีอย่างหรือเอานิ้วไปทิ่มหน้านางแกมันมันก็โกรธขึ้นมาบ้างสิแล้วหล่อนก็หันไปพูดเสียงอ่อนเสียงหวานกับไอ้ลายด้วยตัวน้อยค่อยๆเอื้อมมือไปรูปมันอย่างปราณีถะนอมเจ้าโครงเพิ่งเกิดอ้าปากแยกเขี้ยวตั้งท่าตบสู้มือหล่อนอยู่ ก็ยอมให้ร่อนจับต้องตัวโดยดีหญิงสาวอุ้มมันวางไว้บนตกักขว่เราะออกมาอย่างดีใจเห็นไหมมันเชื่องแล้วก็น่ารักกว่าลูกแมวอีกชายยันเบป้ปากยังไม่ศรัทธาถูกใจและสิของกำนานจากขยินชิ้นนี้มันก็ช่างให้มายังก็จะรู้ใจงั้นแหละแต่ว่าเธอจะเลี้ยงงั้นหรือใช่ฉันจะเลี้ยงมันเองอยากได้มาตั้งนานแล้วคราวที่หลงป่าไปเจอลูกเสือเข้า พรานใหญ่เอามีดฟันมันตายหมดฉันกับเขาเกิดจะฆ่ากันตายแล้วเพราะเรื่องนั้นหล่อนกล่าวปนหัวเราะเสียงใสมือรูปคําอยู่ที่ลูกเสือมองไปทางรัฐพินจอมพรานบอกมาเบาวๆว่าคราวนั้นมันจะเป็นอย่างไรคุณหญิงก็เห็นแล้วคราวนี้ผมก็เลยแก้ตัวใหม่พอขยินมันถามมาว่าจะหาอะไรเป็นของกำนันให้คุณหญิงดีผมก็เลยบอกว่าลูกเสือที่มันเพิ่งได้มานั่นแหละคุณหญิงชอบมากมันเลยรีบให้มา ขยินยิงแม่มันตายเมื่ออาทิตย์ก่อนที่หุบหลังเขาเอาลูกมันมาเลี้ยงไว้มันใช้ผมเอามาให้คุณหญิงตั้งแต่วา น, นี้แล้วมัวยุ่งยุ่งเรื่องปลูกบ้านผมก็เลยลืมเสียคืนนี้นึกขึ้นมาได้เลยหิ้วมาให้เหรอขอบใจมากมากทั้งคุณและขยินบอกเขาได้ว่าฉันดีใจที่สุดไม่เข้าเรื่องเลยน้อยเพื่อนชายพูดต่ำๆขัดคอมาอีกเลี้ยงอะไรไม่เลี้ยงผ่าไปเลี้ยงเสือไอ้โคงเสียด้วย ลืมใชแล้วรู้ว่าไอ้ตัวพันนี้แหละที่ทําให้พวกเราต้องนอนตาไม่หลับกันมาตลอดระยะเวลาเดินทางวิตตายกันมาก็ตั้งหลายหนแล้วเราก็ฆ่ามันมาซิจนเป็นเบื่อชนิดที่พบกันเมื่อไหร่ก็สั์เมื่อนั้นยังเอามันมากอดจูบอยู่ได้นั่นมันเป็นเรื่องพ่อแม่ของมันลูกมันไม่เกี่ยวลูกมันยังเป็นทาโรกลายเดียงสาผู้บริสุทธิ์เข้าใจเสือใหญ่ที่มันทําตัวเป็นศัตรูกับเราเราก็ฆ่า นี่ลูกเล็กๆของมันยังไม่ได้ก่อกรรมทําเขียนอะไรให้กับใครทั้งสิ้นตัวก็ออกน่ารักน่าสงสารด้วยเพราะมันเป็นลูกกําพาร์ไม่มีพ่อไม่มีแม่มนุษย์ฆ่าตายหมดไม่เลี้ยงมันมันก็ตายช่วยตัวเองได้เมื่อไหร่จริงไหมไอ้หนูประโยคหลังหล่อนหันไปถามเล่นกับเจ้าโครงน้อยจับมันชูขึ้นเหมือนอุ้มเด็กแล้วกอดแนบไว้กับอกอย่างแสนรักมันก็ซบนิ่งอยู่กับหล่อนทําตาปลิบเปลไม่ได้สำแดงฤทธิ์เดชอะไรขึ้นอีก แล้วเธอจะเลี้ยงมันไปได้นานสักเท่าไหร่เรากําลังจะเดินทางต่อก็เลี้ยงมันไปจนกว่าจะไปจากที่นี่แหละฉันเชื่อว่าระยะเวลาระหว่างนี้มันจะต้องเชื่องกับฉันที่สุดบอกกล่าวก่อนนะใครไม่ชอบไม่ตานี้มันก็แล้วไปแต่อย่ามารังแกมันเป็นอันขาดฉันรักของฉันฉันจะเลี้ยงมันเองเอาเขาเถอะเชิญฟักฟูมจะลูกชายผู้น่ารักไปตามสบายความจริงควรจะเอามันไปจดทะเบียนเป็นลูกบุญธรรมซสด้วย ถ้าอยู่ในเมืองก็จะเอามันไปจดทะเบียนเป็นลูกเหมือนกันแหละจะเอาไว้ให้คอยขบหัวคนบางคนเวลามันโตขึ้นซึ่งเชื่อว่ามันคงจะทําตามคําสั่งอย่างเต็มใจนะลูกนะแม่ผู้เป็นมนุษย์สาวสวยก้มลงพยักเยด์ดพูดกับลูกผู้ถือเชื้อชาติลายพาดก่อนทําเอามนุษย์ผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ชอบขัดคอต้องกลืนน้ําลายแล้วหุบปากเงียบไปพี่ชายหัวเราะเบาๆอย่างอารมณ์ดีแล้วบ่นว่า อยู่ไม่อยู่ก็หาภาระมาให้เป็นเรื่องยุ่งยากเปล่ า, าจะเลี้ยงมันไว้เล่นแก้เบื่อก็ได้หรอกแต่เวลาเราออกเดินทางจากที่นี่ไปน้อยจะจัดการยังไงกับมันน้อยจะฝากให้มุกกับนางอ้วช่วยเลี้ยงมันไว้ต่อไปค่ะพูดง่ายแต่ทำคงยากเสือไม่ใช่แมวหรือสัตว์บ้านที่จะเชื่องกับมนุษย์ได้ตลอดไปถ้าจะเลี้ยงกันไวจ้จริงๆตามที่น้อยว่าพอเชื่องสักหน่อยก็ต้องหากงใสแล้ว ป่อให้มันเพ่นพ่านเหมือนหมาแมวได้เม่ไรขืนทำแบบนั้นก็เดือดร้อนชาวบ้านอย่างดีเจ้ามุกก็มีหวังตั้งยิงทิ้งคำพูดของพี่ชายทำให้ร่อนอื้องไปสีหน้าสนดตรงหันไปมองดูพรานใหญ่ถามแผวบาว่าทำไมเราไม่มีทางจะเลี้ยงมันได้เชื่องเลยเหรือนายพรานมันเป็นสัตว์ป่าครับไม่ใช่สัตว์บ้านเขาตอบเรียบๆพร้อมกับยิ้มให้มิหนาซ้ายังเป็นสัตว์ดุร้ายกระหายเลือด ตอนมันยังเล็กๆอยู่มันก็เชื่องดีอยู่หรอกคุณหญิงเลี้ยงมันทนุถนอมเล่นหัวกับมันตั้งแต่ตัวเล็กๆขนาดนี้มันก็เชื่องน่ารักสําหรับคุณหญิงแต่พอโตขึ้นสัญชาตญาณดั้งเดิมของมันก็จะกลับคืนมาถึงแม้จะเห็นว่าเชื่องก็ไว้วางใจอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเฉพาะอย่างยิ่งเวลาหนุ่มเต็มที่และตอนฤดูผสมพันธ์ระยะนี้เป็นระยะที่สัตว์แตกเปรียวมีอารมณ์ดุร้ายเต็มที่อย่าว่าแต่เสือเลยครับ ขนาดหมาแท้ๆหน้าผสมพันขึ้นมามันยังไม่ค่อยจะฟังเสียงเจ้าของเราจะเอาลูกสัตว์ป่าดุร้ายมาเลี้ยงเล่นตั้งแต่ตอนตัวมันเล็กๆอยู่ก็ได้เหมือนกันเป็นการเลี้ยงขณะที่มันยังเล็กอยู่เท่านั้นพอโตขึ้นก็ต้องออกห่างจะไปหวังความผูกพันลักษณะอะไรกับมันนักไม่ได้ผมเองก็เคยเลี้ยงเจ้าพวกนี้มาก่อนพอโตขึ้นก็ต้องใส่กรงขายในสวนสัตว์ไปหมดแต่ลายนี้เขารับเป็นลูกบุญธรรมแล้วนี่ ชายานอดไม่ได้ที่จะสอดมาเบาๆดาลินหันไปทำตาเขียวเฉยเหอะเรานะหล่อนหันไปตะวาดนิ่งไปอีกครู่ก็ยักไหล่ถอนใจเบาๆยิ้มออกมาจืดแต่ฉันมีความมั่นใจอะไรอยู่อย่างหนึ่งนะเป็นทฤษฎีเดียวกับปัชญาของพระพุทธองค์มันอาจขัดกับทฤษฎีของสัตววิทยาก็ได้นั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นสัตว์ดุร้ายสักขนาดไหนก็ตามถ้าเรารัก ให้ความปราณีเมตตาแก่มันอย่างแท้จริงบริสุทธิ์ใจมันก็ควจะมีความรู้สึกที่ดีตอบต่อเรานับประสาอะไรกับที่เราเลี้ยงดูฟูมฟักมันมากกับมือพระทุดงเวลาทุดงไปในป่าท่านเพียงแต่เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยใดๆแก่สัตว์ทั้งหลายมีแต่แผ่เมตตาให้มันเจ้าสัตว์พวกนี้พบเข้ามันยังหลีกเลี่ยงไปเสียจากท่านไม่เข้ามารังควานทำร้ายเพราะมันรู้ว่าท่านไม่เป็นภัยต่อมัน นี่เราเลี้ยงมันมาแท้ๆแต่เรื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะถึงอย่างไรฉันก็ไม่มีโอกาสที่จะเลี้ยงมันจนโตได้เวลาจากที่นี่ไปฉันก็จะสั่งมุ ก, กับหนังอั่วไว้ถ้าพอจะเลี้ยงมันได้ก็เลี้ยงไปเห็นว่าจะเลี้ยงไม่ได้ก็ให้เขาปล่อยมันเขาป่าไปห้ามไม่ให้ใครทาอะไรมันยกเว้นแต่มันจะทำอันตรายคนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าแต่ไอตัวนี้อายุสักเท่าไหร่นี่ รู้สึกว่ายังเป็นเบบี้อยู่หรือเกินนี่เล็กกว่าลูกเสือที่ฉันไปพบกับคุณคราวนั้นเสียอีกประมาณอย่างมากไม่เกินสามสิบอาทิตย์ครับแล้วฉันจะเลี้ยงมันยังไงช่วยแนะนำฉันหน่อยสิก็ลบาบากอยู่หน่อยนะครับเพราะมันยังเป็นลูกอ่อนกินอะไรยังไม่ได้นอกจากนมเห็นขยินบอกว่าตั้งแต่ได้มนันนี่เอานมให้มันกินมันก็ไม่ค่อยจะกินนักคุณหญิงต้องประคบประคบนั่ ม, มันหนักทีเดียว พยายามให้มันกินนมให้ได้ไม่งั้นก็ไม่รอดขยินเองมันก็สงสัยว่าจะไม่รอดแล้วเหมือนกันมันกําลังจะปล่อยให้ตายอยู่ทีเดียวพอดีผมขอมาให้คุณหญิงเสียก่อนโถหล่อนครางมองดูลูกเสือตัวน้อยอย่างน่าเวทนาโชคดีเหลือเกินนะที่เอาไมา้ฉันเสียเอาละจะลองดูลูกมนุษย์ที่เกิดก่อนกําหนด ท, ทําท่าจะไม่รอดฉันก็เลี้ยงจนรอดมันหลายคนแล้วคราวนี้จะลองเลี้ยงลูกอ่อนของเสือดูบ้าง แล้วหญิงสาวก็ว่วนอยู่กับลูกสัตว์ ร, ร้ายที่ได้มาแทนของเล่นแก้เหาโดยไม่สนใจอะไรกับใครอีกมันเริ่มส่งเสียงร้องเบาๆและเลียอยู่ที่หลังมือของรอนเบื้องนอกเสียงร้องรำทำเพลงของผู้ชาวบ้านทั้งหลายค่อยส่างซาลงแล้วจนกระทั่งกลายเป็นความเงียบสงัดทุกคนพลาจากการร่วมกลุ่มชุมนุมเมื่อหัวข้ามเข้าหลับนอนในยาของตนเชษฐาชวนพรานใหญ่ให้ร่วมดื่มกาแฟและกินของหวาน ซึ่งเป็นเครื่องกระป๋องที่เปิดออกตั้งเรียงรายเต็มโต๊ะเตรียมคอยเขาอยู่แล้วมีพวกลูกพูนดิ้นจีดองเม็ดแตงโมและของหวานขบเคี้ยวประเภทเครื่องจันอบแง่าสายชงชาจีนแก่ๆเข้ามาตั้งให้อีกกาหนึ่งเสียดายเหลือเกินที่ผมไม่ได้ไปร่วมเหตุการณ์ตื่นเต้นกับพวกคุณด้วยเชษฐากล่าวขึ้นในตอนหนึ่งมองดูจอมผ่านด้วยตาคมสุขใสฟังเฉพาะที่น้อยกับชายยานมาเล่าให้ฟังยังใจหายใจคว่ำไปด้วย หน้าแปลกมากที่อีกตัวหนึ่งมันมีงอนเหมือนไก่อย่างที่ชัยยานบอกเป็นความจริงครับคุณชายเราเสียท่าจริงๆที่ไม่มีกล้องถ่ายรูปทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยรู้เห็นกันเฉพาะพวกเราเองเท่านั้นพูดให้ใครฟังไม่ได้แต่ทั้งๆ ท, ที่คุณชายไม่ได้ไปกับเราด้วยมันก็ยังอุตส่าห์บุกมาไปเชิญกับคุณชายที่หมู่บ้านนี้เอาจนได้ก็โอลแมนกันไปไม่ใช่เล่นเหมือนกันไม่ใช่หรือครับ โชคเข้าข้างเราเหลือเกินที่มีโอกาสฆ่ามันได้พร้อมกันเลยทีเดียวสองตัวถ้าไม่งานป่านนี้ก็คงยังหายใจไม่ทั่วท้องกันอยู่บอกตามตรงตอนที่พวกคุณออกตามันไปผมใจไม่ดีเลยกระสับกระส่ายอยู่ตลอดเวลาเสียงระเบิดมันแววมาให้ได้ยินเหมือนกันแต่ฟังดูเหมือนฟ้าร้องไกลๆทําให้ไม่แน่ใจส่วนเสียงปืนไม่ได้ยินเลยเป็นยังไงบ้างล่ะเห็นน้อยกับชัยยันบอกว่าไอ้ตัวที่มีงอนใหญ่กว่าตัวที่เข้ามาเล่นงานผมที่หมู่บ้านนี้เสียอีก พลานใหญ่หัวรอบเบาๆครับใหญ่กว่าสักครึ่งเท่าเห็นจะได้ผมสันนิษฐานว่ามันควรจะเป็นตัวผู้หน้าตามันไม่น่าจะเป็นงูเลยตอนที่ประจันหน้ากันก็คิดว่าพวกเราทั้งเจ็ดคนคงตายกันหมดธนูติดระเบิดแท้ๆที่ช่วยเราไว้ได้แต่ถึงอย่างงั้นก็เรียกได้ว่าบูดวิ่ดจวนเจียนทีเดียวคุณชายยันกับคุณหญิงถ้าไม่ได้ก้อนหินปากทำได้เรียกช่วยไว้ก็เสร็จไปแล้วเหมือนกันเรื่องหน้าขำเท่าๆกับที่หวาดเสียวที่สุดก็คือ เราทั้งหมดเข้าไปนั่งพักปรึกษากันอยู่ใต้ท้องของมันโดยไม่รู้ตัวคุณชยัยานกรงเล่าให้ฟังแล้วไม่ใช่หรือครับหัวหน้าคณะหันไปมองดูน้องสาวและเพื่อนรักแล้วหัวเราะอย่างพลอยนึกสนุกไปด้วยเล่าให้ฟังแล้วเป็นเรื่องแปลกมากทีเดียวผมอยากจะให้มีกล้องถ่ายภาพพวกเราทุกคนตอนนั้นเอาไว้เือเกินคงหน้าดูพิลึกอ๋อน่าดูสิเพราะแกนอนสบายอยู่นี่ไม่ได้ไปโดนกับตัวเองเข้าด้วยนี่ ช ย, ยันสอดมาห้าวๆเป่าลมออกจากปากกล่าวต่อมาแม่มดดาลินของเรามีตาพิทิพได้วิเศษมากหลับตาท่องคาถาพักเดียวพอลืมตาขึ้นมาก็สามารถบอกได้ทันทีว่าไอ้ยักษ์อยู่ไหนที่แท้กนโนนอยู่บนกระบาลของทุกคนนั่นเองจะหลับตาดูเสียก่อนหน้านั้นหน่อยก็ไม่ได้มิหนำซ้ำแทนที่จะบอกก็เปล่าเอามือมาแตะเอลสกิดแงกๆอยู่อย่างนี้ ว่าแล้วชัยยันก็ทําท่าของดารินที่สกิตบอกเขาให้เชิถาดูทุกคนหัวร้อขึ้นในท่าทางชวนขันของชัยยันแต่คนถูกร้อยเรียนอาการครึ่งยิ้มครึ่งบึง้งใครบอกฉันไม่ได้ทําท่าเป็นสันิบาณอย่างนั้นสักหน่อยเอื้อมือไปสกิตบอกน่ ะ, นะดีเท่าไหร่แล้วดีถ้าไม่ที่ไม่หัวใจหยุดไปเสียเฉยเฉยก็แต่และคนดีกันนักหนี่เซิร์ฟซ่ากันทั้งนั้นฉันเป็นพูดตามอย่างไม่ใช่พูดนาําแล้วก็เป็นคนอ่อนหัดที่สุดในคณะ ยัเห็นมันก่อนทุกคนจริงของคุณหญิงครับพวกเราเสื้อซ่ากันทุกคนรวมทั้งผมเองด้วยพรานใหญ่ยอมรับหัวเราะอยู่ในลำคอเช่นนั้นโครงศรีรษะแช่มช้ า, ชาเมื่อหวนคิดไปถึงเหตุการณ์ตอนนั้นนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตพรานของผมทีเดียวที่ตามรอยสัตว์แล้วไปจุดใต้ตำต่อเข้าจังใหญ่โชคดีหยุดหน่อยตรงที่มันก็ไม่รู้สึกตัวเหมือนกันแล้วเขาก็อธิบายภูมิประเทศตอนนั้นให้เชษฐาฟังอย่างละเอียด ประกอบกับเหตุผลในข้อที่ว่าเหตุไรคณะทั้งเจ็ดคนจึงเข้าไปนั่งพักอยู่ภายใต้ลำตัวของมันโดยไม่มีโอกาสเฉลียวคิดจนกระทั่งดารินเงยขึ้นไปพบข้าวเพราะคนของกับหยดเลือดที่หยดลงมากระทบมือรอนหัวหน้าคณะฟังอย่างสนุกและตื่นใจยิ่งตั้งแต่คณะทุกคนกลับมาเขายังไม่ได้รับทราบอะไรเรื่องนี้จากปากคาของพรานใหญ่เองเลยนอกจากจะฟังเฉพาะที่ชา ย, ยาและดารินเล่าให้ฟังเท่านั้น เป็นยังไงแง่าสายร่วมทีมเวิร์กกับคุณได้ดีไม่ใช่หรือครับดีเกินคาดคิดเสียอีกในด้านกำลังใจสติและฝีมือเจ้าคนคนนี้ใช้ได้ดีทีเดียวผมเสียอีกวินาทีฉุกเฉินมาถึงเข้าจริงๆผมกับปลื้มเรื่องที่จะต้องมีหน้าที่จุดชนวนให้หมอจนหมอต้องร้องเตือนไม่งั้นเรามีโอกาสควา้าไอตัวผู้ได้ก่อนที่มันจะพุ่งหัวเข้าไล่ฝ่ายของคุณชยันแล้วผมมัวงุ่ม ง, งามช้าอยู่เอง นี่เห็นจะเป็นภาระหนักชิ้นสุดท้ายของเราเสียทีก่อนที่จะเริ่มต้นออกเดินทางต่อไปนี้เราคงพักผ่อนกันที่นี่ได้อย่างหมดกังวลจนกว่าจะถึงเวลานั้นเชษฐาเปลยขึ้นพร้อมกับถอนใจเบาๆในวงสนทนาพากันเงียบลงอย่างประหลาดทั้งที่พากันนิ่งถึงไปชั่วขณะเหมือนต่างกําลังคิดอะไรกันอยู่ต่อมาระพินก็ทําลายความเงียบขึ้นมาวองว่าพอจะตะถูกไหมครับว่าอีกเมื่อไรขาของคุณชายจะหายเป็นปกติ ถ้าจะให้แน่ใจที่สุดก็ควรเป็นอีกสักเดือนหนึ่งเสียเวลาคุณมากไหมเมื่อผมตกลงใจเซ็นสัญญารับจ้างเดินทางมาอีกครั้งนี้อย่าว่าแต่เสียเวลาสักขนาดไหนเลยต่อให้เสียแม้แต่ชีวิตผมก็พร้อมแล้วทางผมไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นถ้างั้นเราก็เป็นชาวหล่มช้างกันไปอีกสักเดือนความจริงก็ไม่ยุ่งยากอะไรไม่ต้องขอวีซ่าต่อพักฟื้นเอากําลังกันไปด้วยชัยยันว่า แล้วแลปินชำลือไปทางลูกชายหัวหน้าบ้านที่นอนอยู่ตรงมุมหนึ่งของนอกชานเจ้ามุละครับมันจะพอรอดไหมดาลินเงยหน้าสะบัดผมเบาๆยิ้มให้นิดหนึ่งแววตาสุขใสสบายเลยต่อร้อยเอาหนึ่งตายเหรอชายยานหันมกระซิบทำหน้าตื่นดาลินมองคู่ปรับคนที่สองของหลอนอยางขวางๆรอดอยะเส้นตายมันอยู่ที่สองวันแรกเท่านั้น ลองพ้นมาแบบนี้แล้วก็รอด 99.99% 99. 99ไม่เห็นหรืออาการเจ้ามูดีขึ้นเป็นลำดับฉันว่ามันจะหายก่อนพี่ใหญ่ปกติดีเสียอีกโล่งอกไปทีไม่เสียแรงเป็นแม่มดผู้วิเศษของขยินปราบงูได้สำเร็จช่วยเจ้ามูให้รอดอีกคนเราก็อยู่ห่มช้างได้อย่างเบาตัวแล้วขยินบอกฉันเองว่าเราออกจากกล่มช้างเมื่อไหร่มันจะขอติดตามไปรับใช้ด้วย โดยยกตำแหน่งหัวหน้าบ้านให้เจ้ามุคลองแทนต่อไปรวมทั้งยินดีให้หนังอ้วอยู่กินกับเจ้ามุ ด, ด้วยทั้งหมดหันขวับไปทางร่อนเป็นตาเดียวจริงเหรือน้อยพี่ชายถามอย่างประหลาดใจขมวดคิ้วจริงค่ะพี่ใหญ่ถ้าเกิดผู้เป็นล่ามแปลข้อความไม่ผิดไอ้ลิงธมนขยินนะ่ะเลอจะขออาสาตามเราไปด้วยแปลกแท้ชยันร้องอย่างไม่แน่ใจหัวเราะออกมาดางังรั่น มันอาจพูดจริงครับคุณชายยันพรานใหญ่กล่าวอย่างไต่ต่อมองจับอยู่ที่นักมนุษย์สาวได้สายตาฉงนแะคนทึ่งนี่ต้องแปลว่าคุณหญิงชนะใจขยินอย่างเด็ดขาดแล้วขยินนั่นลงมันได้ศรัทธานับถือใครแล้วมันก็ยอมได้ทุกอย่างเหมือนกันผมเองก็นึกไม่ถึงว่ามันจะบอกกับคุณหญิงขอสมัครอาสาร่วมไปด้วยถ้าได้อย่างนั้นก็ดีทีเดียวเราจะได้มีกําลังเพิ่มขึ้นอีกคนรวมเป็นสิบพอดีขยินเดินป่าได้เท่าสัตว์ป่า แบกหามของป่าได้ทุกชนิดฝีมือก็ไม่เร็วจนเกินไปนักอยู่ในขั้นพรานคนหนึ่งได้มันไปด้วยคนเดียวก็ดีกว่าที่จะได้พวกลมช้างอื่นๆไปด้วยสักหาคนเชี่ยถางกับชายานตาเป็นประกายด้วยความยินดีเหมาะเลยถ้างั้นชั่วๆดีๆไอ้ธโมนนี่มันก็ใช่ย่อยอยู่เมื่อไหร่เห็นมันเลื้อยไปบนปลืกไม้วันนั้นยังทึ่งไม่หายว่าแต่มันจะพูดเล่นหรือเปล่าเท่านั้นถ้ายังไม่แน่ใจลองถามให้แน่ดูอีกทีก็ได้ดารินบอก ถ้าขยินพูดกับคุณหญิงออกไปแล้วก็แปลว่ามันต้องไปกับเราด้วยจริงคนพวกนี้รักษาสัตวจะได้ดีที่สุดดีกว่าคนที่เจริญแล้วเสียอีกมีจุดบรรดาลใจอะไรอยู่หลายอย่างในการที่มันขอตามพวกเราไปด้วยในครั้งนี้เราช่วยเหลือมันมากในทุกด้านช่วยปราบงูช่วยชีวิตตัวมันและลูกชายของมันให้รอดขยินเป็นคนรู้คุณคนเหมือนกันและที่เหนือกว่าอะไรก็คือแรงเลื่อมใสศรัทธา น, นั่นเอง แต่ฉันมองเห็นเหตุการณ์มากกว่านั้นขยินอาสาไปด้วยครั้งนี้ถูกต้องที่สุดแล้วตัวมันเองจะได้จะต้องรู้สำนึกในความผิดพลาดของมันที่กระทำต่อลูกชายขณะเดียวกันก็มามีชีวิตผูกพันเป็นบุญคุณติดต่ออยู่กับพวกเราถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องทดแทนความผิดพลาดครั้งนี้โดยการสละตําตแหน่งของตัวเองให้ลูกชายส่วนตัวมันไปกับเราด้วยในที่สุดเราก็ได้เจ้าตัวเกะกลนยากลัวที่สุด และน่าจะเป็นศัตรูแต่แรกมาเป็นคนของเราอีกคนเชิดถาพึมพารรมออกมาอย่างปิติและทุกคนก็ตระหนักดีว่านั่นเป็นความสามารถในทางกิตวิทยาของดาลินเวราลิตนั่นเองที่ทําให้เสือโคร่องอย่างขยินกลายมาเป็นลูกแมวเชื่องที่ยอมสวามิภักดิ์ได้อย่างราบคาบทั้งสสนทนากันอยู่ดึกเป็นพิเศษเพราะไม่ต้องห่วงกังวลถึงภารกิจใดๆในวันรุ่งขึ้นพอเที่ยงคืนก็เข้านอนอย่างปลอดโปรงใจ ต่อจากนั้นอีกสองวันนายเมย์ก็พาคณะลูกหาทั้งหมดเข้ามาบอกอําราแก่คณะนายจ้างเพื่อเดินทางกลับน้องน้ําแพง้งเชิดถาเตรียมจดหมายฝากไปถึงนายอําพลเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนกลางคืนพอลูกหาบเหล่านั้นพร้อมจะออกเดินทางและเข้ามาลาในตอนเช้าตู่วันนุ่งขึ้นเขาก็มอบให้พร้อมทั้งของฝากบางชนิดเอาจดหมายนี้ไปให้คุณอําพลเขาจะจ่ายเงินค่าทําขวัญให้แก่ลูกเมียของพวกที่ตายไปตามที่ฉันได้เคยบอกไว้ นายมือยุดตัวลงนั่งยองๆตรงหน้ายกมือพนมท่วมหัวมองดูราชสกุลหนุ่มใหญ่อย่างซาบซึ้งพูดเสียงเครือพวกผมทุกคนอยากจะติดตามไปรับใช้เจ้านายจนถึงที่สุดแต่ก็ติดมีห่วงข้างหลังจนใจจริงๆเชษฐายิ้มระมยัยไม่ต้องกังวลหลอกในข้อนั้นหมดภาระหน้าที่ตามสัญญาที่เราตกลงกันแล้วจงกลับไปหาลูกเมียข้างหลังเถิดขอขอบใจอีกครั้งที่พวกนายมือทุกคนทางานให้เก่เราอย่างดี ถ้าไม่ตายเสียเราคงได้พบกันใหม่ที่หนองน้ําแหง้งเจ้านายจะมีอะไรสั่งไปถึงคุณอําพลอีกไหมครับบอกเขาว่าฉันสั่งบอกไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราทุกคนทางนี้ปลอดภัยเรียบร้อยดีจะออกเดินทางจากหล่มช้างลาวต้นเดือนหน้าและจะต้องกลับไปพบเขาอีกให้ได้แต่เมื่อไหร่นั้นยังบอกไม่ได้แล้วเขาก็อวยพรให้คนเหล่านั้นเดินทางกลับไปถึงบ้านโดยปลอดภยัยมอบขวานให้คู่หนึ่งพร้อมทั้งเกวียนหนึ่งเล่มเป็นรางวัลให้แก่นายเมย์ เพื่อใช้เป็นผาน้ำบรรทุกของเดินทางกลับนอกจากนั้นก็มีสเสบียงต่างชายยานแจกกระสุนลูกซองแก่พวกที่มีปืนลูกซองใช้แถมให้อีกคนละกล่องซึ่งไม่ต้องสงสัยว่าพวกนั้นจะทราบซึ่งปิติใจเพียงจากนั้นพวกลูกหาบทั้งหมดจํานวน9้าคนก็ผระจากหมู่บ้านหล่มช้างไปด้วยความอาลัยคณะในจ้างทุกคนยืนส่งอยู่ที่ลานกว้างของหมู่บ้านมองดูพวกนั้นเดินจากไปพร้อมทั้งโบกมือให้จนรับตา ใจหายอย่างไรพิโกนชา ย, ยันบนเศาเศาตายยังคงมองจับอยู่ที่ปากดาบบนไหล่ขาวที่ร่างของลูกหาปเปล่านั้นเลี้ยวโค้งรับหายไปความจริงพวกนั้นไม่ได้เป็นอะไรนอกจากลูกจ้างแรงงานธรรมดาที่เราจ้างมาแต่การที่ได้มาครุกคลีใกล้ชิดร่วมกินร่วมนอนผจนภยัยเสี่ยงตายมาด้วยกันอย่างโชคชนทําให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขาเป็นเพื่อนอันสนิทที่สุดแล้วก็ต้องมาจากกันไปเช่นนี้มันทําให้ใจหาย ความเงียบปกคลุมไปชั่วขณะทุกคนยืนอึง้งต่างมีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับชายยันป่ามีอาถรรพ์ประหลาดอยู่ในตัวของมันเองเชษฐาเอ่ยขึ้นลอยๆอย่างแผ่วเบาหลีตาลงกล่าวกันว่าชีวิตที่ร่วมกันในป่าทำให้คนเราสามารถมองเห็นแก่นแท้ของกันและกันได้อย่างกระจ่างชัดที่สุดผิดกับชีวิตในเมือง คนที่เป็นมิตรกันอาจต้องมาแตกแยกกีดชังกันในขณะที่มาเดินป่าในขณะเดียวกันคู่อริหรือคนที่ไม่เคยสนใจเหลียวแล ก, กันเลยก็อาจจะมารักกันอย่างซึ้งใจป่ามันกระชากหน้ากากทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์เราอำพรางสวมใส่ไว้ออกหมดสิน้นเหลือไว้แต่หัวใจทใี่มองเห็นชัดจริงไหมผู้กองประโยคหลังหันไปถามพรานใหญ่ผู้ยืนอยู่ข้างๆ แล้วผีหัวรอบแผวต่ำในรำคอเบนสายตาห ล, ลบไปทางหนึ่งตอบอย่างสุภาพสำรวมเต็มไปด้วยการระมัดระวังว่าก็อาจจะจริงครับแล้วต่างก็นิ่งกันไปอีกครั้งนับภาษาอะไรกับพวกลูกหาบเหล่านั้นที่เรามีจิตผูกพันอะไรถึงเขาชายยาันพูดขึ้นต่อมาสมมุติว่าอนาคตข้างหน้าเราเสร็จภารกิจกลับไปถึงนองน้าแห้งอีกครั้งโดยสวัสดิภาพแล้วต่างก็แยกกันไปตามวิถีทาง พวกเรากลับเข้าโลกแห่งอารยาธรรมส่วนคุณก็คงหมกอยู่กับอาชีพพรานของคุณตามเดิมเรานึกไม่ออกว่าจะคิดถึงคุณเพียงไหนชายยาันกล่าวออกมาจากความรู้สึกตรงไปตรงมาแต่คนที่ไม่ยอมพูดหรือแสดงอะไรตรงๆที่ยืนอยู่ไม่ห่างออกไปนะักบัดนี้วูบลึกเข้าไปถึงกลางหัวใจจริงสิถ้าไม่ตายจากกันไปเสียก่อน วันหนึ่งวันใดก็ตามในอนาคตข้างหน้าการอําราจากกันไปตามวิถีทางก็จะต้องมาถึงและเมื่อถึงวันนั้นหล่อนทายความรู้สึกของตนเองไม่ถูกว่าจะตกอยู่ในภาวะไหนคงใจหายใช้เล่นทีเดียวที่จะไม่มีโอกาสได้พบเห็นพรานไพร์ใจฉากาดคนนี้อีกชำระเงืองแวบหนึ่งอย่างไม่ตั้งใจไปทางด้านนั้น ก็เห็นเขาหน้าตามแบบฉบับของชายนั้นขรึมสงบเยียบเย็นอยู่เหมือนเดิมจนไม่สามารถอ่านถึงหัวใจได้น่ารักและน่าชังแยกกันไม่ออกผมคงจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับคุณชยันนั่นแหละครับคําตอบเป็นไปอย่างสำรวมอยู่เช่นเดิมอดเป็นห่วงพวกนั้นไม่ได้หัวหน้าคณะว่าหาันไปมองหน้าพรานใหญ่ ไม่รู้พวกเขาจะเดินทางกลับถึงบ้านกันได้ตลอดรอดฝั่งปลอดภัยกันทุกคนหรือเปล่าถึงว่าสิคิดถึงอันตรายสารพัดชนิดที่เราผ่านกันมาแล้วทําให้เสียวเสียอย่างไรพิกลชายยานเสิร์มาโดยเร็วอย่างพลอยกังวลแต่แล้วทุกคนก็เห็นรับพินยิ้มเล็กน้อยพลางส่ายศรีรษะช้าชา้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับในเรื่องนี้พวกนั้นจะต้องกลับถึงบ้านได้โดยปลอดภัยไม่มีเสืออย่างไอ้กุดไม่มีผีขโมดไม่มีช้างอย่างไอ้แหวง ควายบ้าอย่างไอ้เขาเกกและไม่มีงูยักษ์สองตัวนั้นพวกนั้นก็เดินป่าไปได้เหมือนพวกคุณเดินไปตามถนนราชดำเนินและเจ้าสัตว์ ร, ร้ายกาจผิดวิสัยที่เราเผชิญมาแล้วเหล่านั้นก็ใช่ว่าจะมีเกิดขึ้นอยู่เสมอนานทีเท่านั้นที่มันจะเกิดขึ้นอย่างช้าไม่เกินเจ็ดแปดวันเขาก็ถึงหนองน้ำแห้งโดยสวัสดิภาพภ า, าวนาเอาใจช่วยขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะแล้วชายันก็หันไปทางสหายรักของเขาถามว่า เรื่องควายกับเกวียนของเรานี่จะทำยังไงไอ้พวกนั้นกลับไปคันเดียวเท่านั้นเหลืออีกตั้งห้าหกคันควายก็อีกหลายตัวมันไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับการเดินทางข้างหน้าของเราแล้วไม่ใช่หรือไม่มีปัญหาอะไรเลยในเรื่องนี้ก่อนออกเดินทางเครื่องใช้ที่พ้นความจำเป็นต่างๆก็กำหนดกันไว้แล้วว่าจะฝากไว้ที่หลมช้างนี่ทั้งหมดแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรในเมื่อหัวหน้าใหญ่ของมานกลายเป็นคนของเราไปแล้วเช่นนี้ อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับเรื่องปืนดารินเอ่ยขึ้นเบาๆเป็นประโยคแรกอย่างเก่งพวกเราก็เอาติดตัวกันไปได้คนละกระบอกเท่านั้นเหลืออีกสิบกว่าบอกที่จะต้องให้อยู่ในความดูแลของพวกนี้ต้องคิดให้รอบคอบนะคะพี่ใหญ่มันเป็นอาวุธอาจเกิดอันตรายอะไรที่เราคาดคิดไปไม่ถึงก็ได้ทุกคนดูเหมือนจะเพิ่งคิดขึ้นมาได้ตามคาติงของหญิงสาว ภายหลังจากคไข้ครวนอยู่คู่และยังไม่เห็นไข่ออกความเห็นเช่นไรพระผินก็บอกมาว่าก็มีทางแก้ไขในเรื่องนี้ทํำยังไงถอดเข็มแทงจำนวนออกให้หมดทุกกระบอกแล้วแพ็คลงหีบมันก็หมดสภาพของความเป็นอาวุธร้ายนอกจากกลายเป็นอาวุธชนิดหนึ่งเท่านั้นชา ย, ยานตกเขาด้วยแรงใส่มากผู้กองเส้นผมบงผังภูเขาอยู่แค่นี้เองมัวคิดกันอยู่ได้ตั้งนาน หมอดารินฉลาดรอบข้อพอที่จะเตือนให้เราได้ในเรื่องนี้แต่ก็ไม่ยักฉลาดในเรื่องวิธีแก้ไขส่วนผมกับเชี่ยวถาก็มัวแต่ง ง, งด้วยปัญหาย่าปากคอเป็นอันทําอย่างที่คุณว่านั่นแหละหมดเรื่องไปเอาละอะไรแต่ อ, อะไรก็ลุ้ล่วงเรียบร้อยตามแผนไปได้หมดแล้วเพียงแต่จะรอให้ถึงกําหนดเวลาออกเดินทางเท่านั้นผมคิดว่าระยะเวลาระหว่างนี้คุณเตรียมกําหนดได้แล้วว่าเราจะเอาอะไรไปบ้าง แล้วค่อยมาร่วมพิจารณากันอีกทีเตรียมไว้เสร็จก่อนเนินเน่นๆละดีเมื่อถึงเวลาเดินทางจะได้ไม่คลุกขลากและลืมหัวหน้าคณะออกคำสั่งกับพรานนางทางคืนนี้ผมจะส่งรายการบัญชีสิ่งของที่เราจะเตรียมไปมาให้คุณชายพิจารณาครับหลังอาหารข้ามนั้นขณะที่นายจ้างกำลังปรึกษาหารืออยู่กับพรานใหญ่เกี่ยวกับสิ่งของจาเป็นที่จะต้องติดตัวไป ขยินก็ขอขึ้นมาเยี่ยมดูอาการเจ้ามูลูกชายซึ่งดีขึ้นเป็นลำดับจนสามารถลุกขึ้นนั่งได้ยังความปรปับเปิ่มยินดีให้แก่เจ้านกเกรงชาวดอยผู้เป็นบิดาอย่างเหลือที่จะกล่าวและปิ่นจึงเรียกให้ขยินมานั่งตรงพื้นเบื้องหน้าเชษฐาหัวหน้าคณะก็ถามว่าขยินเราได้ข่าวว่าเจ้าจะไปกับเราด้วยไม่ใช่หรือใช่แล้วในายใหญ่ขยินตอบอย่างหนักแน่นห้าวหาญ ตาคุณกระด้างอยู่เป็นนิดจับนิ่งไปอย่างเช่ถาแฝงไว้ด้วยกายอ่อนโยนเคารพรักเจ้าแน่ใจหรือขยินชายยันซักมาอีกคนหนึ่งจ้องหน้าเขม็งมาเหมือนจะคาดคั้านเอาความจริงก็เห็นนายบ้านหลมช้างสยายยิ้มอวดฟันซี่เท่าจอบขยินแน่ใจขยินพูดจริงไปกับนายจริงเจ้าคัดค้านพวกเราไว้ก่อนแล้วเจ้าเชื่อว่าหนทางข้างหน้าเป็นความตาย อย่างนี้แล้วเจ้ายัางจะคิดไปด้วยอีกหรือเป็นหรือตายขยินไม่กลัวเจ้านายไปเทือกเขาพระศิวะขยินจะขอติดตามไปรับใช้ด้วยเจ้านักเรียงชาวดอยตอบซื่อๆตรงไปตรงมาประจากรับลมด้วยเสียงดังฝังชัดตามนิสัยของมัน <vars> ina, <im> เช่นนั้นเราก <im> ็ <im> ขอต้อนรับเจ้าไว้ด้วยความยินดีและขอชมเชยในน้าใจพักดีกล้าหาญของเจ้าอาระ เป็นอันว่าเราไปร่วมเป็นร่วมตายกันในหนทางข้างหน้าดารินยิ้มพลายกล่าวมาด้วยเสียงกลงวานแจ่มใสเชษฐาเดินตรงเข้าไปที่ราวปืนอันตั้งประดับไว้เป็นตับแล้วหยิบปืนลูกซองแบบปั๊มแอคชั่นกระบอกหนึ่งขึ้นมาเดาะ อ, อยู่ในมือตาจับนิ่งยิ้มยิ้มอยู่ที่ขยินอึดใจต่อมาเขาก็เดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าในบ้านดมช้างเจ้าเป็นคนของเราแล้วขยินและเพื่อตอบแทนน้ำใจอันดีของเจ้านี้ เจ้าจงรับปืนกระบอกนี้ไปมันมีอำนาจเหนือกว่าปืนเพลิงของเจ้าเราขอมอบให้เป็นสมบัติแก่เจ้าตลอดไปขยินตาลุกโพรงด้วยความตื่นเต้นยินดีจ้องมองดูที่ปืนแล้วเหงื่อหน้ามองดูเชษฐาสรับกันเหมือนจะไม่แน่ใจเช่นนั้นพอศบตาพรานใหญ่รวพินเห็นพยักหน้าก็รีบเอื้อมมือไปรับอย่างกวีกวาดแทบจะระ ง, งับความดีใจไว้ไม่ได้มือสั่นเท้ารูบคำปืนกระบอกนั้นอยู่ไปมาเสียงสัน่น ในายใหญ่กรุณาต่อขยินมากขยินจะจำไว้จนชั่วชีวิตแต่ขยินไม่รู้จักที่จะใช้มันราชสะกุลหนุ่มหัวเราเบาๆก้มลงตไหล่ยในบ้านพรุ่งนี้แง่าสายจะเป็นผู้สอนวิธีใช้แก่เจ้าจงฝึกมันให้ชำนาญเหมือนปืนเพลิงกระบอกเก่าของเจ้าแล้วเจ้าจะรักมันเท่ากับชีวิตของเจ้าเองทีเดียวเจ้าจะเลสัตว์ได้ทุกชนิดนับตั้งแต่นกเล็กๆเป็นฝูงขึ้นไป จนกระทั่งถึงช้างโดยวิธียิงและการเลือกกระสุนที่ฉลาดซึ่งเจ้าจะได้เรียนรู้ทีหลังขยินพึมพามออกมาอย่างลิงโรดเมื่อผ่านใหญ่แปรถ้อยคำของเช่้ถ้ายังชนิดคำต่อคำแล้วเจ้านักเลงใหญ่ชาวดอยก็แบกปืนลิ้วกลับไปคืหาของมันซึ่งไม่ต้องสงสัยว่ามันจะไม่นอนกอดเลมิงตันโมเดลแปดเดปั๊มแอคชั่นกระบอกนั้นแทนเมียตลอดทั้งคืน และเล่งเวลาให้รุ่งเช้าเสียโดยเร็วเพื่อจะได้ทดลองโดยมีเงาทรายเป็นผู้แนะนให้ตามคำสั่งของนายใหญ่ระพินภัยวานนึกชมเชยเชื่อถอยู่ในใจเหมาะแล้วที่บุคคลผู้นี้จะเป็นหัวหน้าคนเขามีจิตวิทยาลึกซึ้งที่จะผูกใจคนได้อย่างชาดเยี่ยมและเลือกโอกาสได้เหมาะสมยิ่งแม้แต่การเลือกให้ชนิดและแบบของปืนก็เป็นการเลือกให้อย่างเข้าใจที่สุด ปืนลูกซองเป็นปืนที่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับมือปืนแก๊บอย่างขยินเพราะสะดวกง่ายดายต่อการใช้ในทุกสถานการณ์วันเวลาร่วงผ่านไปด้วยความสงบสุขปลอดโปร่งของทุกคนมันเป็นระยะเวลาแห่งการพักผ่อนเตรียมกายเตรียมใจอย่างเต็มที่ของคณะเดินทางซึ่งยึดเอาหมู่บ้านหล่มช้างเป็นสถานีพักฟื้นแหล่งสุดท้ายก่อนหน้าออกเดินทางมหาวิบาศนที่ไม่สามารถทํานายอนาคตได้ถูก อาการบาดเจ็บที่ขาของหม่อมราชวง์เชษฐาวราลิ์ดีขึ้นทุกขณะเช่นเดียวกับเจ้ามุซึ่งพอย่างเข้าอาทิตย์ที่สองก็พอจะลุกขึ้นเดินได้บ้างแล้วชาวหล่มช้างทุกชีวิตมีความรู้สึกต่อคณะเดินทางที่มาพำนักอยู่ด้วยเหมือนนายเหนือหัวเต็มไปด้วยความรักพักดีอย่างบริสุทธิ์ใจซึ่งหัวแรงสาคัญมาจากแพทย์สาวนักมนุษยวิทยาสาวนั่นเองที่ทาตัวประหนึ่งทูตสันทวะไมตีอย่างดีเลิศ หล่อนไม่ได้เสแส้งหรือหวังเพื่อนโยบายใดๆทั้งสิ้นหากแต่เกิดจากอุปนิสัยในด้านดีส่วนตัวดารินเป็นแม่ของชาวรมช้างทุกคนหล่อนใช้เวลาว่างคลุกคลีเป็นกันเองกับคนเหล่านั้นทั่วทุกครัวเรือนพัฒนาอุปนิสัยใจคอด้วยความเป็นอยู่ให้พวกชาวดอยผู้เกิดมาไม่เคยพบกับแสงสว่างแห่งอารยธรรมด้วยน้ำใจที่มีความรักปราณีต่อมนุษยชาติร่วมโลกของหล่อน รักษาดูแลคนเจ็บป่วยตลอดจนสอนการอนามัยซึ่งตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายพวกนั้นไม่เคยรู้จักจนกระทั่งพวกนั้นเริ่มฉลาดและเข้าใจดีขึ้นขณะเดียวกันตนเองก็หัดพูดภาษาชาวเขาช่วระยะเวลาเพียงสองอาทิตย์หล่อนก็พอจะส่งภาษากับพวกนั้นได้บ้างงูงูปลาทำความพิศวงให้กับพรานใหญ่รละผนไม่ใช่น้อยขอรอบสังเกตหล่อนขณะที่คลุกคลีใกล้ชิดอยู่กับชาวบ้านด้วยสายตาทึ่ง แล้วก็นิยมลึกอยู่ในใจเงียบเงียบราชสกุลสาวสวยผู้นี้เหมาะแล้วที่จะเป็นแพทย์และนักมนุษย์เวีย ร, รวมทั้งนักประชนภัยเลือดข้นที่บังอาจบุกบานฟันฝ่นามาท่ามกลางดินแดงแห่งอารยาธรรมอันเต็มไปด้วยความธุระกันดาลหล่อนไม่ใช่คนหยิบโยงกลี่ดกลายหรือว่าผิวบางแบบท น, นิ่มส้อยอันเป็นลักษณะทั่วๆไปของสาวสวยผู้สูงศักทั้งหลายเช่นที่เขาคาดไว้แต่แรกจนนิดเดียว มันค้านกับรูปโฉมลักษณะและชาติสกุลชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเดี๋ยวนี้หล่อนไปไหนมาไหนได้ทุกแห่งภายในอนณาเขตหมู่บ้านราวกับจะเป็นอาณาจักรของหล่อนเองขึ้นเรือนได้ทุกลังและไม่ว่าจะเดินไปไหนจะมีเด็กๆและพวกสาว ร, รุ่นๆชาวโรมช้างเดินแห่ติดตามไปด้วยเป็นขบวนพวกเด็กๆ เ, เหล่านั้นมาคอยรับใช้ปริบัติหล่อนเป็นประจำอยู่ในเรือนพักด้วยไม่ว่าจะเป็นกลางวานันหรือกลางคืน ราวกับหมู่นางกำนันและพวกมหาเด็กที่คอยแวดร้อมนางพญาพระคุณและเมตตาธรรมของหล่อนคลองใจชาวดอยเหล่านั้นไว้หมดสิ้นขยินบัตรนี้ก็เปลี่ยนสันดาลและท่าทีอันเคยโอหังลำพองของมันไปราวกับคนละคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคณะนายจ้างทั้งสามคนเจ้านักเลงชาวดอยรักปืนกระบอกใหม่ที่ได้เป็นของกำ น, นันยิ่งกว่าเจ้ามุลูกชายเสียอีกและกำลังเห่อขี่สุด เดี๋ยวนี้มันพอจะทำความรู้จักคุ้นเคยกับเลมิงตันแบบป um ัมแอคชั่นกระบอกนั้นแล้วแต่ละวันแหกตาตื่นมาแต่หัวรุกไม่ต้องทำอะไรชวนบุญคำหรือไม่ก็จานแบกปืนเข้าป่าพอสายก็แบกเก้งกวางหรืออย่างน้อยก็นกหกไก่ป่าเข้ามาประเคนเป็นบรรณาการแกคณะเจ้านายทุกวันขยินยิงมันได้ด้วยปืนกระบอกนี้มันดีกว่าปืนเพิงของขยินหลายเท่าอย่างนายใหญ่ว่า เจ้าคนดอยมักจะโอด้วยความภาคภูมิใจเช่นนี้อยู่เป็นประจำครั้นแล้วเรื่องที่ทุกคนต้องหัวเราะ ก, กันอย่างท้องคัดท้องแข็งก็ได้มาถึงอวันหนึ่งเจ้าขยินแบกลูกซองคู่ชีพไปด้อมไก่ปะหน้าเข้ากับช้างพรายธโมนเข้าให้อย่างจังที่ท้ายหูนายบ้านหล่มช้างเชื่ออำนาจของปืนในมืออย่างเต็มที่เพราะไม่เคยเข้าใจว่าลูกชนิดไหนใช้กับสัตว์ขนาดนาลูกที่บรรจุอยู่ทั้งห้านัด เป็นลูกปลายเบอร์หนึ่งที่มันใช้ยิงนกหรือยิงไก่อยู่เป็นประจำพอเห็นช้างแปล้เข้ามาเขายินก็ยืดอกเต็มภาคภูมิซัดลูกปลายตึงเข้าให้เต็มหน้าแงโดยคิดว่าพยาก็จะสารจะล้มคว่มม้วนมุดไปคาตาผลปรากฏว่าเจ้าพลายโทนแผ่เสียงกล้องด้วยความโกรธแค้นพุ่งสวนขวับเข้ามาหมายจะป่นกระดูกเสียเขายินหันหลังได้ก็วิ่งตาริ้นมันกวดตามมาติ ด, ตด เอางวงคว้าเฉียดหลังไปเท่าเส้นยาแดงโชคดีแือเกินที่บุญคำตามมาทันและเห็นเหตุการณ์เข้ามาพอดีสกัดเจ้าพลายหลายตัวนั้นไว้ได้ด้วยจุด37าม้ามุนคว่ำลงขยินจึงรอดจากคชบาทาไปได้อย่างหวุดหวิดสบ ด, ด่าขมถมเถสาบแช่งตัวเองเพราะเข้าใจว่าหยิงผิดเจ้าหยิงไม่ผิดหรอกขยินเชษฐาบอพลางหัวเราะเมื่อได้ฟังเรื่องที่เล่าอย่างวยวายของขยินจบลง แต่ที่ช้างไม่ตายก็เพราะเจ้าเอาลูกปืนที่ใช้ยิงสัตว์เล็กไปยิงสัตว์ใหญ่แล้วบอกเจ้าแล้วว่าเจ้าจะต้องเรียนรู้ให้ชํานาญเสียก่อนการยิงให้ถูกสัตว์มันง่ายแต่การใช้กระสุนให้เหมาะสมกับสัตว์มันยากถ้าเจ้าไม่รู้มาก่อนชายยันกัดพิมพ์ฝีปากกั้นหัวเราะกึกๆึ ก, กจ่ายหน้าช้าชา้มองดูขยินอย่างเวทนาแล้วพูดกับเชษฐา ก็แกไปบอกมันนี่นาะว่าปืนลูกซองกระ บ, บอกนั้นยิงได้ตั้งแต่นกไปถึงช้างมันก็หันไปลองเอากับช้างเข้าน่ะสิโธเอ้ยดีว่าไม่แบนตัดแต่พรางเขาก็หยิบลูกโดดส่งให้ขยินทั้งกล่องกล่าวยิ้มยิ้มว่าอา้าวเอาไปลองใหม่เดินเข้าไปใกล้ๆมันสักสีห้าวาแล้วกดตึงเข้าให้ไปที่หัวพอยิงเสร็จไม่ต้องฟังเสียงโกยแนบให้เร็วที่สุดเหมือนเช่นทีเ่เจ้าโกยมาวันนี้แหละทําไมล่ะนาย ขยินถามหน้าตาตื่นประเดี๋ยวมันล้มทับเจ้าเข้าน่ะสิชายันบอกหน้าตาเฉยแต่แล้วก็สะดุ้งโยงเพราะดาลินหยิกหมับมากลางหลังแล้วพูดกับนายบ้านหล่มช้างคนซื่อน้ำเสียงเคร่งขืมเป็นงานเป็นการว่าไม่ต้องไปลองขยินยิงช้างไม่ดีบาปมากยกเว้นจวนตัวเมื่อมันจะทำร้ายเราก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเจ้าจึงอยากคิดเอาปืนกระบอกนี้ยิงช้างอีก พรางหล่อนหันมาทำตาเขียวเอากับชายยานดุเบาๆบ้าเห็นเป็นของสนุกไปได้จะยุบมันให้ไปถูกช้างเหยียบตา ย, ยางั้นหรอเพื่อนชายทำหน้าจืดๆอยากจะให้มันภูมิใจมั่นใจในปืนของมันต่างหากลูกโดดยิงเข้าหัวช้างก็อยู่เหมือนกันถึงแม้จะเป็นปืนลูกซองทำไมเธอไม่ลองดูเสียเองอะก็ฉันวิ่งหนีช้างไม่ได้เร็วเหมือนขยินนี่ชายยานตอบอ่อย เวลาว่างที่ผ่านไปสำหรับเชษฐาใช้ในการสำรวจพิจารณาดูแผนที่ฉบับเดิมของมังมหานราธาซึ่งเนวินนักเสี่ยงโชคชาวพม่ามอบไว้ให้แก่ระพินก่อนที่จะตายและสนทนาหารืออยู่กับพรานใหญ่ถึงแผนเดินทางตลอดเวลาอย่างรอบคอบประมัตระวังส่วนชายยันไม่สนใจอะไรด้วยนักในเรื่องนี้มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นหน้าที่ของเพื่อน ผู้อยู่ในฐานะหัวหน้าคณะและพรานนำทางตนเองฆ่าเวลาให้หมดไปกับการตะเวนเที่ยวป่าในระแวกใกล้เคียงโดยมักจะไปคู่กับแงซายอยู่เสมอพอเริ่มศึกษาชำนาญขึ้นในเรื่องของการตามรอยสัตว์และรหัสป่าต่างๆผิดกับสมัยที่เริ่มเดินทางครั้งแรกเป็นคนละคนอันเนื่องมาจากความเคยชินที่ทวีขึ้นเป็นลาดับจนกระทั่งเข้าข้านพรานสมัครเล่นได้คนหนึ่ง เดี๋ยวนี้ชายยันสามารถเดินป่านในระแวกหมู่บ้านหล่มช้างได้โดยไม่ต้องพึ่งคนนําทางและสามารถไปเชิญหน้ากับสัตว์ใหญ่ดุร้ายได้ตามลําพังโดยไม่ต้องให้เดือดร้อนถึงพรานคุ้มกันด้วยชั้นเชิงและฝีมืออันจัดเจนขึ้นเขาทําชื่อให้หลือลั่นไปตลอดทั้งหล่มช้างด้วยการล้มแรดใหญ่หนังเหนียวตัวหนึ่งได้ในทุ่งโล่งหลังเขาเป็นแรดตัวเดียวกันกันกบที่ขยินและพวกหล่มช้างทั้งหลายเพียรพยายามจะเอาตัวให้ได้มาหลายปีแล้ว แต่อำนาจปืนร้าสมัยของพวกนั้นไม่สามารถจะคว่ำ ม, มันลงได้ชัยยันยืนยิงประจันหน้าขณะที่มันห่อตะบึงชาร์จเขาใส่ด้วยจุด600คู่มือของเขากระสุนตัดเข้ากลางสมองอย่างพอเหมาะพอเจาะมันเล่นทราเข้ามาเอาจมูกทิ่มดินแล้วพลิกตีรังกาดับดิ้นอยู่ตรงหน้าเขาห่างเพียงไม่กี่วาท่ามกลางสายตาอันตื่นตะลึงของพวกพรานชาวบ้านทั้งหลายที่ติดตามไปด้วย ซึ่งขณะนั้นพากันวิ่งกระเจิดกระเจิงอย่างไม่คิดชีวิตนลบผินและเชษฐถาตามออกไปดูซากแรบที่ถูกยิงล้มนั้นก่อนหน้าที่พวกลูกบ้านจะเกณฑ์กันมาแยกออกเป็นชิ้นส่วนเป็นยังไงพอเอาถานบ้างหรืออย่างลูกศิษย์ของคุณคนนี้อดีตนายทหารหนุ่มหันมาถามพรานใหญ่หรืออีกนายหนึ่งครูฝึกของเขายิ้มยิ้มจอมพรานป่าเป่าลมออกจากปากเบา เอาฐานเลยเถิดไปเสร็จแล้วล่ะครับเรียนชั้นปฐมอยู่ไม่กี่วันนี่เองกระโดดข้ามชั้นเข้ามาหาวิทยาลัยเสร็จแล้วหน้าหวาดเสียเหลือเกินอย่างนี้เขาเรียกว่าคนบ้าละหำเชษฐาจูปากมองดูสหายรักอย่างตำหนิไม่ควรยิงสวนหน้ากระชั้นชิดแบบนี้เลยถ้านัดนั้นพลาดแม้แต่นิดเดียวแกก็แหลกไปแล้วทำไมถึงไม่หาที่หลบเสียก่อน ก็ดูสิว่ามันมีอะไรจะให้หลบสักนิดหนึ่งไหมต้นไม้สักต้นก็ไม่มีมีแต่ยากาความจริงก็ไม่ได้ตั้งใจเลยพบมันอย่างกระทันหันจวนตัวที่สุดไม่ทันรู้ว่ามันนอนเปลือกปลักอยู่พอใกล้เข้ามามันก็พรวดพลาดขึ้นยืนแล้วก็ห่อรล้วตรงเข้ามาเลยเขืนวิ่งมีแต่ทางตายอย่างเดียวก็ต้องเสี่ยงยืนซัดกันซึ่งหน้าอย่างนี้แหละฟลุกเป็นบ้าประกอบกับชะตายัางไม่ถึงคาด ตมเดียวเข้าหน้าแงตีรังกาสองทอดเลยไม่กี่วันหลังจากนั้นเขาก็ล้มนางแม่แปลกจาก่าโขงช้างป่าเสียอีกตัวขณะที่มันคุมโขงเข้าถล่มไล่กล้วยของชาวบ้านแล้วไล่ลูกโขงมันแตกกระจัดกระจายไปดารินเอตโรร่านเรื่องหญิงช้างแต่ชัยยันแก้ตัวว่ามันไล่เขากับพวกชาวบ้านขณะที่ไปช่วยกันโหตเพิด ขยินก็ยืนยันรับรองว่าใชา ย, ยาันยิงนางพังผู้คุมโครงตัวนั้นเพื่อป้องกันตัวจริงๆชักมันมือขึ้นมาหรื อ, อยังไงยิงด่ไม่เลือกก็ไหนสัญญากันไว้แล้วว่าจะไม่ยิงสัตว์อะไรอีกโดยไม่จําเป็นได้กินเนื้อกินหนังมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนี่ยิงทิ้งบอกตร ง, ตรงๆฉันไม่อยากเห็นใครยิงช้างเลยหญิงสาวบนมันก็จําเป็นจริงๆนี่นาจะปล่อยให้มันมาถอนกล้วยชาวบ้านเสียทั้งไรงั้นหรือ ไปเกะเคาะไม้ไล่กันแล้วมันยังแป็นเข้าใส่น้ำใจเธอคงอยากเห็นชั้นแบนติดดินไปเสียก่อนกระมังยิงขู่ขึ้นฟ้าก็พอขี้ค้านมันจะหนีป่าล่าไปทำไมต้องฆ่ามันด้วยมันคงไม่ร้ายกาดอย่างขโขงไ้แหว่งหรอกอยากจะเป็นพรานใหญ่อย่างย่งยอชายนายรพินก็เอาตัวอย่างที่ดีของเขามาปฏิบัติบ้างสิอ้าวก็ยิงตูมเดียวควา่ายังไม่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติตามที่ดีหรือ เดี๋ยวนี้พูดแล้วจะว่าคุยไม่เคยยิงอะไรให้ลำบากอีกเลยนัดไหนนัดนั้นจอดทุกรายไม่ใช่อย่า ง, งานั้นดาลินตวัดแวะตาขุนมองดูเพื่อนชายอย่างเคืองๆฉันหมายถึงวิธีปฏิบัติในการร่าของเขาไม่เห็นหรือว่าเขาไม่เคยยิงสัตว์อะไรโดยไม่จาเป็นเลยสักครั้งถ้ายิงก็ต้องหมายถึงหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆหรือไม่งั้นก็ต้องการอาหารวิสัยพราที่ดีทั่วไปเขาก็ปฏิบัติกันอย่างนี้แหละ ไม่ใช่ยิงด่าอย่างเธอต้องการโทฟฟี่ไว้อวดใครกันมังถึงยิงไม่เลือกอ๋อเดี๋ยวนี้เห็นพานใหญ่เป็นคนดีแล้วเหรอส่วนที่ดีก็ว่าดีเดี๋ยวก่อนเมื่อตอนเที่ยงนี่กินกวางผัดเผ็ดฝีมือฉันหรือเปล่าเพื่อนชายเปลี่ยนเรื่องถามมาหน้าตาเฉยนักมนุษย์วิทยาสาวพาซื้อแต่ว่าก็เห็นอยู่ว่ากินอยู่ด้วยกันถามทาไม เป็นยังไงฝีมือฉันเด็ดไหมก็ไม่เลวชา ย, ยันหันไปปิดปากหัวร้อคิกคักขยิบตากับบุญคำที่นั่งอยู่ใกล้ดาลินสังเกตเห็นก็ขมวดคิ้วถามเสียงต่ำๆมาว่าอะไรกันหัวร้ออะไรกันคิกคักช้างครับนายหญิงช้างผัดเผ็ดไม่ใช่กวางหรอกบุญคำเป็นคนแร่นายทหารเป็นคนทําครัว บุญคำบอกอ่อยๆมาด้วยสำเนียงเนอเนอของแกดาดินตะลึงเบิกตาโตจ้องหน้าทั้งสองร้องลั่นออกมาช้างผัดเผ็ดใครบอกกวางตะหากอย่าไปเชื่อบุญคำชา ย, ยันรีบพูดดยเร็ ว, เรววางหน้าเฉยแล้วหันไปแยกเคี่ยวกับบุญคำแหมอีตานี่ปากสว่างจริงแฮะบุญคำเป็นพรานบุญคำโกหกไม่ได้แต่ผ่านเท้าแห่งเขาอุมครึมกระซิบตอบ ดาลินตะแคงหูเงี่ยอยู่แล้วพอจะจับกระแสะความได้ไม่พูดอะไรอีกจนคำเดียวค่อยๆเดินเรียงเข้าไปที่จุด6 0 0ในโตเอ็กซ์เพรสของชา ย, ยันเองหักลำกล้องออกแล้วเดินงุนง่านหากล่องกระสุนน่นจะทำอะไรอะ่ะน้อยชา ย, ยันร้องถามมาชักใจไม่ดีเดี๋ยวก็รู้หล่อนคำรามรอดไรฟันออกมาแล้วก็เหลือไปเห็นกระสุนเขาพอดีปรีดิงเข้าไปบุญคำก็หันมาส ก, กิดช ย, ยันกระซิบบอกเร็วปื้ เพ่นเธอไนาถ้าจะไม่เข้าการแล้วบุญคําเพนก่อนละว่าแล้วแต่พรานเท่าก็กระโจนผุงลงจากเรือนห่อแนบไปชายยันก็เพ่นโครมเล่นตามหลังไปด้วยดาลินบรรจุกระสุนเข้าลํากล้องเสร็จหักลํากลับเข้าที่ก็เป็นเวลาเดียวกับที่ระพินภัยวันเดินเสื่อขึ้นมาบนเรือนเขนาชะงักเล็กน้อยเมื่อเห็นน้องสาวคนสวยของนายจ้างลากปืนยิงช้างหน้างอเป็นม้าหมักลุก ป, ปีออกมาอย่างเอาเป็นเอาตายจึงดักหน้าไว้โดยเร็ว อะไรครับคุณหญิงเกิดอะไรขึ้นหล่อนสะบัดแขนพูดเกาๆหลีกไปอย่ามาขวางหน้าเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวโดนอีกคนผ่านใหญ่หน้าตื่นนี่เกิดอะไรขึ้นทําไมไม่บอกผมมีเรื่องร้ายแรงอะไรหรือครับหญิงสาวหัวรอดด้อนดุดุในราคอกวาดสายตาลงไปยังเบื้องล่างเหมือนจะค้นหาอะไรสักอย่างแต่หล่อนมองไม่เห็นวี่แววของบุญคําหรือชายยันทั้งสองอันตรธานไปเสียแล้วจึงหันกลับมาจ้องหน้าเขา แล้วพินยังคงงงหน้าตื่นอยู่เช่นนั้นก็ไม่ร้ายแรงอะไรหรอกอยากจะสั่งสอนคนสักสองคนสั่งสอนด้ปืนยิงช้างนี่นะหรือครับแล้วพินร้องลืมตาโพง์ปืนยิงช้างก็บอกนี้มันยังเล็กไปซสอีกอยากจะได้ให้มันใหญ่กว่านี้พรานใหญ่กับพริบตาทีเร็วจะไม่อธิบายหน่อยหรือครับว่าลายเป็นอะไรฮะ ผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าฮ้ยแปลว่าอะไรเราอีกคนหนึ่งอยากจะรู้นักเป็นตัวการด้วยหรือเปล่าหล่อนตะหวาดมาเอามือผลัก อ, อกเขาตัวการในเรื่องอะไรกันเอาเนื้อช้างมาหล่อให้ฉันกินเมือ่อกลางวันนี้นะสิเสียงของหล่อนเอดตโรลั่นเรือนแล้วพินกับพิบตาจ้องหน้าหลอนอยู่ครู่ก็พอจะเข้าใจอะไรได้เหล่าๆมองดูราชสกุลสาวอย่างขันขัน เอาละเอาละผมพอจะนึกออกแล้วใครคงมาบอกคุณหญิงแล้วสิว่าอาหารมื้อกลางวันที่แล้วมีเนื้อช้างด้วยกวางผัดเผ็ดที่แท้มันคือเนื้อช้างตัวที่ชา ย, ยันยิงเมื่อเช้านี้หล่อนพูดเหมือนจะร้องไห้ใครบอกคุณหญิงล่ะจะมีใครก็ตัวดีสองคนนั่นแหละตัวดีสองตัวชา ย, ยันกระตะเข้าบุญคํานั่นแหละเจ็บใจนะัก ยังมีหน้ามายอะเย้ยเสียอีกเมื่อกังวันนี้ถูกรอให้กินเนื้อช้างไม่เป็นไรแต่เย็นนี้ต้องกินเนื้อชายยันกระบุนคําให้ได้อาจเป็นคุณด้วยอีกคนหนึ่งถ้าคุณร่วมด้วยระพีนใช้แขนปาดปากกระบอกจุดหกศที่สองเลื่อยล่าอยู่แถวแถวปลายคางของเขาออกไปช้าๆแล้วดึงจับมือหล่อนไปถือไว้อย่างนุ่มนวลอ่อนโยนถอดลูกออกหญิงสาวกระทืบเท้าโดยแรงเดินไปนั่งหน้าบอกบุญไม่รับอยู่ที่เก้าอี้ริมนอกชาด เขาเดินไปหยุดอยู่ใกล้ๆก้านหัวเราจะจนหน้าแดงน้ำใจคุณหญิงจะกินเนื้อคุณชายยานบุญคำแล้วก็ผมเข้าไปลงคอเอหลือครับคงเหม็นสาบ พ, พิลึกแต่ก็จะพยายามหล่อนว่าเอามือกอดอกเท้าคางกัดเล็บมองไปทางอื่นแล้วพินซุดตัวลงนั่งบนอกบนนอกชานใกล้ๆกับเก้าอี้ไม้ไผ่ของหลอนควักบุหรี่ออกมาส่งให้หล่อน หญิงสาวสันหน้าแรงๆเขาจึงหยิบขึ้นมาจุดสุบเองตัวหนึ่งสองคนนั่นล้อคุณหญิงเล่นนะครับเขาบอกเรียบๆมองดูช่วงขาอวบใหญ่แข็งแรงได้รูปงามที่ไว้กันอยู่ตรงหน้าขยับแกว่งอยู่ไปมาเหมือนเจ้าตัวประจักษ์พยายามระงับอารมณ์เ ม, มื่อกลางวันนี้ผมเป็นคนคุมพวกนั้นทำอาหารด้วยตัวเองขอรับรองว่าไม่มีเนื้อช้างปนอยู่ด้วยเลยใครที่ไหนกันครับจะเอาเนื้อช้างมาทำเป็นอาหาร ในเมื่อเรามีเนื้ออื่นๆอยู่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วและเมื่อกลางวันนี้ทั้งคุณชายยันกับคุณบุญคำกับบุญคำทั้งสองคนไม่ได้เข้าไปยุ่งด้วยเลยมีผมเกิดเสยแล้วก็แง่ า, ายช่วยกันทำอยู่สี่คนเท่านั้นคุณชายยันไปหากล้วยไม้กับบุญคำและขยินทางหน้าผาน้ำตกโน่นกลับมาถึงก็เวลาอาหารพอดีโกหกหรือเปล่าหล่อนกระชากเสียงครึ่งยิ้มครึ่งบึง้งจ้องเขามาอย่างคาดคัน และผิดเป่าควันบุหรี่เป็นทางยาวโทษจริงสิครับผมจะมาโกโหกคุณหญิงทำไมแล้วทำไมสองคนนั่นถึงมากระล่อนกับฉันทำเอาพ อ, อื่นผ อ, อมอยู่นี่คงแกล้งย้วคุณหญิงสนุกสนุกนั่นเองคุณชายยันแกคีดเล่นออกคุณหญิงก็รู้ดีอยู่แล้วดาลีนหัวเราะ อ, ออกมาได้แต่ยังไม่ไวายตาคว้าตาหงายและโดยเหตุผลกลใดไม่แจ้งเหมือนกันผ่านมาค้อนเขาเข้าให้ด้วย นี่นายพรานบอกกล่าวสิให้รู้นะลูกศิษย์ของคุณนะ่ะดีนักนี่ลูกศิษย์ผมใครกันก็นายชัยยันอนันตนะสิอ้อทำไมหรือครับใจดำอมหิตมากยิงสัตว์ไม่เลือกขนองมือใหญ่ถือว่าได้อาจารย์ดีสอนวิชาให้เจออะไรเป็นยิงดะสอนมารยาทพวกพรานให้เขาซิมั่งสิอย่าเอาแต่สอนวิธีรังแกสัตว์อย่างเดียว แปลว่าเป็นความผิดของผมใช่ข้าที่ไม่รู้จักอบรมบ่มนิสัยลูกศิษย์ให้ดีเอาละครูรับฟ้องเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะหาไม่เดียวตีก้อนลูกศิษย์สักครึ่งโหลตัวครูเองก็จะโดนด้วยสักโหลหนึ่งก็ดีเหมือนกันพรานใหญ่พยักหน้าหงึกๆว่าแต่ใครจะเป็นคนตีผมละ่ะหล่อนปั้นหน้าเคร่งขึมแต่แล้วก็หัวเราะ ขณะนั้นจันก็เดินหน้าตื่นเลิกรลักขึ้นมาบนเรือนตรงเข้ามาที่หลอนโดยเร็วมีพวกชาวบ้านหญิงชายสองสาคนตามมาด้วยคนพวกนั้นท่าทางกระสับกระส่ายยืนเกาะ อ, อกกันอยู่ที่หัวบันไดเรือนมีอะไรหรือมีอะไรหรือแล้วพินถามสวนไปโดยเร็วก่อนที่จันจะเดินเข้ามาถึงเมียของเจ้าขนงที่ท้ายบ้านนนท์ครับมันเจ็บท้องจะออกลูกมาตั้งแต่เที่ยงแล้ว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 ไม่รอให้ตายเสียทั้งลูกทั้งแม่ก่อนนี่แล้วค่อยมาบอกแพทย์สาประจำคณะเดินทางว่าแล้วปลุปกกลับเข้าไปในห้องของหล่อนโดยเร็วอึดใจเดียวก็โผล่ออกมาพร้อมกับกระเป๋าเครื่องมือหันมาทางพรานใหญ่ผู้บตดนี้กำลังยืนซักถามพวกนั้นอยู่ออกคำสั่งสั้นๆคุณควรจะไปกับฉันด้วยผมไม่เคยเรียนวิชามหมอตาแยมาก่อนผมจะช่วยอะไรได้ถึงไม่เคยเรียนมาก่อนก็เรียนเสียวันนี้เลย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 ท่า ง, งานหุบ ป, ปากซิทีไม่ต้องพูดอะไรอีกคอยทำแต่ที่ฉันสั่งเข้าใจหมอตำแเย่เอ้ย ส, สูติแพทย์ arre! เขาต้องเป็นคนใจเย็นไม่ใช่หรือครับก็เย็นไม่ไหวเหมือนกันสาหรับคนปากตาแยแบบนี้จะไปช่วยทำงานยังว่าอีกว่าสิก็มายั่วอยู่ได้อยารู้เหมือนกันว่าหมอตำแย่คนไหนนะที่ทำคลอดคุณมาออกมาปากถึงพูดอะไรไม่เข้าหูคนเลยรับผิดภัยวันหุบปากเงียบลง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 จะมาดูแลให้ในระหว่างที่ยังอยู่เร่มช้างนี่และฝากให้พ่อแม่จริงของมันเลี้ยงดูไปพลางๆระหว่างจากไปส่วนการข้างหน้าถ้าพ่อแม่ของมันยังคิดที่จะยกให้จริงก็ให้ส่งตัวไปให้ชั้นที่กรุงเทพหล่อนยิ้มบอกเสียงใสขนมก้มหัวลงจดพื้นแทบเท้าของหลอนนายหญิงจงตั้งชื่อให้แก่ลูกชายด้วยเถิดดารินเลอร์คิ้วทำตาโตนิ่งคิดอยู่ครู่ก็บอกมาว่า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 ผมนึกว่าไม่รอดแล้วทั้งแม่ทั้งลูกสมมุติว่าไม่ออกจริงๆคุณหญิงจะทํำยังไงนี่ไม่ต้องผ่าหรือผ่าเข้าไปได้ยังไงเราไม่มีอุปกรณ์ในการผ่าตัดใหญ่เลยสักอย่างขืนผ่าเข้าไปก็เท่ากับทิ้งแม่เอาแต่ลูกไว้อย่างเดียวต้องปลุกปั้มกันไปตามมีตามเกิดอย่างที่เห็นนั่นแหละนี่ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลฉันก็ทําซีซ่าเรียนไปแล้วไม่ต้องมาชุลมูลเหงื่อตกกันอยู่ให้เสียเวลา ซิเซเรียนซิเซเรียนเช็ชั่นหรือซ er ีซาโรต omi หมายถึงการเอาเด็กออกทางหน้าท้องโดยวิธีผ่าเป็นคำเทคนิคในทางออสเตรติกอ๋อคราวนี้เห็นหรื อ, อยังละว่าหมอตำแย ก, กับสูติแพทย์มันผิดกันก็รู้อยู่แล้วว่าผมเป็นพลานไพรามาถามผมบ้างสิว่าช้างกับลิงแตกต่างกันยังไงผมเป็นอธิบายน้ำลายแตกฟองได้เหมือนกัน หน่อยนี่มาว่าฉันน้ําลายแต่ฟองงั่นเลยเปล่ปาเปล่าโท่โมโหซะเรื่อยขอถามอาจารย์เพื่อประดับความรู้ต่อไปสักหน่อยเถอะทาไมถึงเรียกซีซเรียนจะเรียกมาร์กแอนโทนียนหรือครีโอพัตเตียนไม่ได้เลอหล่อนอดหัเราออกมาไม่ได้ชํเลืองคอนนิดหนึ่งธรรมาร์กแอนโทนีหรือครีโอพัตตาเกิดโดยวิธีผ่าตัดออกทางหน้าท้องเป็นคนแรกของโลก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 จเจริญถึงขนาดนั้นเทียวหรือครับจ ะ, จะเจริญแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้แน่ๆก็คือมนุษยชาติยุคนั้นรู้จักการผ่าตัดกันขึ้นแล้วไม่งั้นจะผ่าท้องเอาซีซ่าออกมาจากท้องแม่ได้ยังไงแล้วหลังผ่าตัดเอาซีซ่าออกมาแล้วล่ะแม่เป็นยังไงรอดหรือเปล่าถามมากจริงฉันจะไปตัดสรู้ได้ยังไงไม่มีรายงานในเรื่องนี้ถ่ายทอดมาให้รู้นี่ยะ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 กินน้ำลายฝืดๆรงคอแล้วบ่นออกมาอ่อยๆว่าโทษคุณหญิงครับเอาชื่อผู้หญิงคนนั้นมาพูดกับผมทําไมก็ไม่รู้กราบไหว้วิงวอลไว้หลายครั้งแล้วผมไม่อยากได้ยินเลยดาดินเ ม, ม้มริมฝีปากยิม้มไม่เอ่ยอะไรอีกคิดอยู่ในใจว่านี่ต้องเอาเสียอย่างนี้ถึงจะสะใจไม่งั้นปากมากกวนมโหนักต่อไปนี้เห็นจะหุบปากเลิกยั่วได้เสียทีและก็จริงดังว่า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 โดยการย่างกลายเข้ามาพนักอยู่ด้วยของคณะเดินทางทุกคนยิ้มแย้มเป็นสุขแต่แล้วก็บังเกิดความอะไรเมื่อรู้แน่นอนว่าอีกไม่กี่วันบุคคลที่เปรียบเสมือนเทพเจ้า ม, มาโปรดเหล่านี้จะจากไปแล้วสู่ดินแดนซึ่งไม่มีสิ่งใดมาประกันอนาคตได้มุอยากขอตามไปกับพวกเจ้านายด้วยเจ้ามุผู้มีความทราบซึ้งในพระคุณไม่ผิดอันใดกับขยีนผู้เป็นบิดา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 ตามความเห็นของผมคุณหญิงไม่ควรจะแบกน้ำหนักเกินกว่าห้ากิโลเรื่องน้ำหนักในการบรรทุกเดินป่านี่มันเป็นอัตรา ถ, ถ่วงทับทวีที่มักจะคิดไปไม่ถึงตลอดเวลาที่แล้วแล้วมาคุณหญิงเดินตัวเปล่ามาทั้งสิน้นอย่างดีก็แบกปืนประจำมือเท่านั้นแต่คราวนี้มีเครื่องหลังด้วยสมมติว่ามันมีน้ำหนักห้ากิโลในขณะเริ่มออกเดินทางพอชั่วโมงที่สองมันจะหนักเป็นสิกิโลขึ้นมาทันทีในความรู้สึก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 อันเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดเหนือกว่าทุกสิ่งซึ่งทั้ง3าคือระพินชายยันและเชษฐาต้องพิจารณากันอยู่เป็นเวลานานมันเป็นปัญหาที่จะต้องใคร้ควรและเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์อนาคตอันยังไม่อาจทายถูกนั้นไม่น้อยไปกว่าสิ่งของติดตัวอื่นๆในที่สุดภายหลังการพิจารณากันอย่างรอบคอบแล้วก็กําหนดกันลงไปว่าตัวพรานใหญ่เองได้เชิฐาคงใช้ไรเฟิลขนาดจุดสี่แปดมกนัมแอฟริกัน อันเป็นวินเ h e เตอร์โ d เดล70คู่มือตามเดิม 6.600 ในโต้ดับเบิลบาร์เบลอันเป็นปืนใหญ่ที่สุดก็ทิ้งไม่ได้อยู่ตามเดิมสำหรับเหตุการณ์ที่ยังไม่ทราบว่าจะเผชิญกับอะไรบ้างกระบอกนี้ชายยันไซส์เสียจนชำนาญแล้วก็ให้เป็นอาวุธคู่มือของนายทหารปืนใหญ่ไปนับเป็นไรเฟิลขนาดหนัก3กระบอกซึ่งอยู่ในมือของบุคคลชั้นหัวหน้า3คน ส่วนดารินนั้นเพื่อความสะดวกคล่องแคล่วรวดเร็วในการใช้และเหมาะสมกับกำลังของหลอนที่สุดโดยกำหนดให้เป็นมือสำหรับสอยในระยะไกลและหวังผลแน่นอนจึงให้จุดสามเอเอร์บีแมนัมติดศูนย์กลางขยาย4ี่เท่าเป็นปืนประจำมือแง่ท า, ายกับปุญนคำให้ถือจุดสามฮอลแลนด์แอนฮอลแลนด์คนละกกระบอกกระบอกแรกเป็นวินเชสเตอร์ของรพินกระบอกหลังเป็นเอฟเอฟเอ็นของคณะนายจ้าง สำหรับสถานการณ์ทั่วๆไปไม่ว่าจะหนักหรือเบาอีก4ี่คนที่เหลือคือเกิดเสรย์จันและขยินถูกกำหนดให้เป็นมือปืนประเภทอาหารจันและขยินคู่หนึ่งใช้ลูกซองเบอร์ B 12กระบอก1เป็นกึ่งอัตโนมัติ FN กระบอกหนึ่งเป็นปั๊มแอคชั่นเลมตันซึ่งเช่ถฐามอบให้เป็นของกำนันขยินก่อนหน้าแล้วส่วนเกิดกับเยอีกคู่หนึ่งใช้ไรเฟิลขนาด3ามเป็นปืน c s ของระบพินเสียกระบอกหนึ่งและมันริเกอร์ของเชี่ยาอีกกระบอก1ปืนสั้นประจำตัวของคณะนายจ้างแถมพิเศษด้วยขนาดจุดสองสองอีกกระบอก1ซึ่งดารินเอาใส่ประจำไว้ในเป้หลังส่วนตัวของรอนเป็นปืนของรูเกอร์แบบซิงเกิลซิกใช้กระสุนขนาดจุดสองสองได้ทั้งแบบรองไลเฟินและแบบแม็กนัมเพียงแค่เปลี่ยนลูกโม่ซึ่งโดยรากล้องที่ยาวถึง9นิ้วของมัน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 มันมันก็ไม่เกียกายอะไรนี่คะ้ะน้อยก้าวมันไว้ก็ได้เชื่อพี่ดีกว่าเชษฐาพูดสั้นๆหน้าขึมจริงน้องสาวอิดเอื้อนรีรอเสียดายผมงมงามอยู่ครู่ก็ถอนใจยาวหันหลังให้โดยดีอย่างตัดสินใจเด็ดค่ะตามนิสัยตกลงค่ะตัดให้เหมือนทรงผมพระเอกละครร้องยุคแม่เลื่อนเลยนะเชษฐาชา ย, ยันร้องกระเซ้ามาพร้อมกับผัวรอชอบใจ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 อันเห็นขุนขาวใหญ่ตั้งถมืนคำฟ้าอยู่ดารินรัดสายหนังกันแหว่ดารินรัดสายหนังกันแหว่งของซองปืนสั้นติดเอวเข้ากับโคนขาแล้วหันไปหยอกล้อกับเจ้าพลายลูกชายตัวน้อยของเจ้าขณรงและนางแอที่รอนทำคลอดให้ซึ่งพ่อแม่ของมันหอบฮิ้วออกมาคอยยืนส่งอยู่ด้วยด้วยความเอ็นดูรักใคร่ประหนึ่งว่าเจ้าทาโรคเลือดชาวขาจะเป็นบุตรหลานของร่อนเอง อยู่ให้ดีนะพ่อไพรแม่กําลังจะจากไปแล้วหล่อนพูดอ่อนหวานยิ้มพยักหน้ากับทารกแรกเกิดที่ขอมาประคองอุ้มอยู่ในอ้อมแขนเจ้าลูกไพรโดยสายกําเนิดลืมตาแป๋วจ้องหน้าหล่อนเหมือนจะเดียงสาเข้าใจถ้อยคําของหล่อนแล้วก็เบะปากร้องไห้ด่าดินหัวเราะชอบใจไกวอ้อมแขนที่ประคองอุ้มอยู่เห่กร่อมปอบโยนเล่นหัวอยู่กับมันขยินก็สั่งเสียอยู่กับเจ้ามุลูกชายของมัน ซึ่งขณะนี้นางอัวยืนอยู่เคียงข้างเกิดจัน์เสยยืนรวมกลุ่มกันอีกทางหนึ่งหน้ากองสัมภระแง่าสายคนเดียวยืนห่างกลุ่มของทุกคนออกไปทางหนึ่งสงบนิ่งเหมือนหุ่นทอดสายหลีซ่ซึมไปยังเขาหัวแร้งเบื้องหน้าอันเป็นทิศทางเดียวกับชัยยันลักษณะการจมลึกอยู่ในห้วงผวัาลิมฝีปากปรากฏรอยยิ้มน้อ ย, อยแต่กรามบทกันนูนเป็นสัน ในที่สุดทูบทุกดอกก็ดับสนิทหมดควันลงได้เวลาแล้วไปการตะครับแล้วผินกล่าวพร้อมกับยิ้มขรึมๆกับคณะนายจ้างของเขาแล้วหันไปโบกมือเป็นสัญญาณกับพวกนั้นทั้ง6คนก็เข้าประจําที่สัำนระซึ่งจัดสรรแบ่งหน้าที่กันไว้พร้อมศัพท์แล้วบุญคํากับเกิดคู่หนึ่งจันทร์กับเสยคู่หนึ่งและขยินกับแงซายผู้มีร่างสูงใหญ่ไร้เรียกกันอีกคู่หนึ่งรวมเป็นสามคู่ แบกคานหามสัมภาระที่แบ่งออกเป็นสามหีพ่อใหญ่ผนึกแน่นแข็งแรงตามแต่สภาพของสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายในนอกเหนือจากย่ามสนามที่ติดรังและปืนประจำตัวคนรักกระบอกดารินส่งเด็กอ่อนคืนไปให้แม่ของมันกำชับสั่งเสียกับพ่อแม่ให้ดูแลเป็นอันดีแล้วเดินเข้าไปหยุดยืนอยู่ตรงหน้าของมุซึ่งบัดนี้เป็นหัวหน้าบ้านลมช้างแทนพ่อโดยสมบูรณ์หวังว่าเจ้าคงไม่ลืมสิ่งต่างๆที่เราสั่งไว้ เรากําลังจะจากเจ้าทั้งสองไปอยู่เดี๋ยวนี้แล้วหล่อนกล่าวด้วยรอยยิ้มหนุ่มสาวชาวดอยทั้งสองยืนหน้าสดจ้องมองดูรอนด้วยหยาดน้ําตาคลอแล้วนางอัวก็สะอื้นโผลเข้ามากอดดารินไว้ด้วยความอะไรรักตื้นตันเหลือที่จะกล่าวมุกก็ก้มลงฉุดเมียให้ถอยห่างออกมาแล้วหันมาทางนักมนุษย์หญ้าสาวผู้เปรียบเสมือนเจ้าแม่แห่งชาวร่มช้างทั้งหลายพูดเสียงแหบห้าวสั่นเครือ มุจะไม่ลืมถ้อยคำของนายหญิงจนตายขอให้นายหญิงและทุกคนจงปลอดภัยในการเดินทางมหนางอัวและชาวรมช้างทุกคนจะเฝ้ารอคอยการกลับคืนมาของนายหญิงและคณะเราทั้งหมดรวมทั้งขยินพ่อเจ้าด้วยก็หวังไว้ว่าจะได้กลับคืนมาที่นี่อีกครั้งแต่อีกสักเมื่อไรเจ้าที่สถิตยอยู่บนเขาหัวแรงโนอนเท่านั้นที่จะรู้ได้ขอให้พวกเจ้าทุกคนจงอยู่กันอย่างมีความสุข รากนกล่าวจบดารินยกมือขึ้นโบกให้แก่ชาวรรมช้างทุกคนดอกไม้ป่านาน า, นานชนิดก็พรันโปรยปลายเข้ามาที่ตัวรอนและคณะเดินทางทั้งหมดเป็นสายจนแลสสะพั่งไปหมดทั้งลานดินบริเวณนั้นนั่นคือน้ำใจและความพักดีที่ชมรมชาวดอยแหล่งสุดท้ายจะแสดงให้ได้จากแก่นแท้จริงใจแต่ก็ไม่มีสรรพสมเนียงใดๆที่ผ่านออกมาไดจากลาคอของคนเหล่านั้น มันเป็นความเงียบสงัดซึมเศร้าอย่างไรพิกลและพินไพราวานเป่าบุรี่เป็นทางยาวเดินสำรวจขบวนรูคหาร่วมตายทั้งหและหีพอสัมภระเหล่านั้นอีกครั้งซักถามคนเหล่านั้นสองสาคำแล้วก็เดินล้ำออกไปเบื้องหน้าถอดหมวกออกยืนสำรวมนิ่งหันไปทางทิศทางที่ตั้งเข็มไปเบื้องหน้าอยู่อึดใจก็ครอบหมวกไว้บนศีรษะตามเดิมเีหยวกลับมาโบกมือเป็นสัญญาณให้เริ่มต้นการเดินทาง ทั้งคณะเริ่มเคลื่อนออกเดินในทันทีนั้นด้วยอาการปกติเชษฐาชายยานและดารินเดินร่วมกลุ่มเป็นหน้ากระดานตามหลังการนำของเขาเวรยะเพียงไม่กี่ก้าวถัดไปก็เป็นขบวนการหาหามของลูกหาบมือดีทั้งหกซึ่งหามสัมพระเป็นคู่เดินตามกันไปในลักษณะเรียงแถวหัวหน้าบ้านดมช้างคนใหม่และเมียของมันตลอดจนลูกบ้านทั้งหลายเดินตามหลังเงียบๆมาส่งด้วยเป็นขบวน และหยุดยืนอยู่เมื่อคณะเดินทางเริ่มบ่ายหน้าขึ้นเดินเขาอันเป็นบริเวณไร่กล้วยก่อนที่จะรับตาก็มีเสียงตะโกนอื้อเอืงเสียงแส้ขึ้นมาเมื่อเหลียวกลับลงไปมองก็เห็นพวกนั้นโบกมืออยู่ไหวๆพวกนั้นอวยพรขอให้การเดินทางของเราจงปลอดภัยและค้นพบชดประชากรตามที่เราปรารถนาไว้พรานใหญ่หันไปมาบอกแก่ทั้งสาม เชษฐาชัยยันและดาลินโบกมือตอบลงไปเป็นครั้งสุดท้ายอึดใจต่อมาต่างก็มองไม่เห็นกันและต่างฝ่ายต่างก็เดินเริ่มรับมุมไหล่เขากลืนหายไปในความทรมุนของป่าใหญ่พ้นจากสายตาของฝ่ายที่คอยเฝ้าส่งอยู่เบื้องร่างน่าแปลกนะวันแรกที่เรามาถึงหล่มช้างบรรยากาศมันเต็มไปด้วยความเครียดหนะักไม่แน่ใจว่าจะเข้ากับพวกนี้ได้หรือไม่แต่แล้วในวันจา่า เราก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าได้จากบ้านของเราเองเหมือนกันชายันเอ่ยขึ้นไปเปลยขณะที่เดินรวมกลุ่มกันไปไม่ตีจิตมิตรภาพอันแท้จริงย่อมหาได้ในป่ามากกว่าในเมืองเป็นคำพูดคล้ายจะลําพึงของหัวหน้าคณะซึ่งไม่เจตนาที่จะเอ่ยกับใครโดยเฉะชายยันเร่งฝีเท้าขึ้นไปเดินเคียงไหล่พานใหญ่รู้สึกเป็นยังไงบ้างผู้กองแล้วผินหันมายิ้มให้ ปกติเรียบร้อยดีทุกอย่างครับคุณชายยันล่ะมีตื่นเต้นบ้างเมื่อรู้สึกว่าเราเริ่มออกเดินทางกันอย่างแท้จริงแล้วแต่ในด้านกําลังใจมันมันม่นคงเพียบพร้อมดีเกินคาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากที่พวกเราทั้งหมดทําพิธีเปิดป่าแล้วพรานใหญ่หูวเราบเบาๆผมยินดีที่พวกคุณพอจะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้บ้างแล้วโดยอาศัยจากประสบการณ์ที่เห็นเห็นมาก่อนที่จะเริ่มเดินทางแท้จริงในครั้งนี้เห็นไหมครับ อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้รับผลในด้านกำลังใจเต็มเปี่ยมจากสิ่งที่เราได้กระทำลงไปเรากำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่ดินแดนรีรับเราก็ต้องทำตัวให้เข้าได้กับความลีรับนี้แบบหนามยอกก็ต้องบ่งด้วยน้าผมไม่จำเป็นจะต้องอธิบายอะไรให้พวกคุณฟังแล้วทำให้ต้องฝืนความรู้สึกในระยะแรกๆเพราะรู้ดีอยู่ว่านับวันที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในป่าสิ่งต่างๆที่พบเห็น มันจะสอนในพวกคุณเองดีกว่าที่จะบอกกันด้วยคําพูดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเตรียมกายเตรียมใจไว้ให้พร้อมเถิดครับสําหรับระยะทางเดินข้างหน้าของเราผมเองก็ยังบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจ ะ, ะเผชิญหน้ากับอะไรบ้างชายยานสูดลมหายใจลึกตาเป็นประกายแกร่งก้าวมองไปยังท้องฟ้ากว้างอันกระจ่างแจ่มใสด้วยตะวันเช้าและกลาดไปยังดงใหญ่ที่แวดล้อมอยู่รอบด้าน ผมไม่หวันอะไรอีกเลยจนนิดเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขบวนของเราได้คณะร่วมทีมครบชุดอย่างที่มาด้วยกันนี่ต่อให้หนทางข้างหน้ามันจะเป็นนรกโรกันสักขนาดไหนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่เราจะมาถึงหล่มช้างมันหล่อหลอมจิตใจพวกเรามาเป็นอย่างดีแล้วว่าแต่เรากำลังตั้งเข็มไปทางไหนก่อนเป็นอันดับแรกชายยันถามถึงทิศทางระหว่างที่พรานใหญ่กับเชษฐาหารอกันอยู่เกี่ยวกับการเดินทางเขาไม่ได้มาร่วมอยู่ด้วย เราพินชี้มือไปยังเขาหัวแรง้งที่เห็นเขียวครึ้มเป็นเงารางๆอยู่ในกลุ่มละอองหมอกยามเช้าเราจะตรงเข้าหาเขาหัวแร้งนั่นก่อนแล้วเบี่ยงไปทางขวาทางด้านตรงข้ามกับส่วนที่เป็นจังอยปากนกตรงบริเวณที่เห็นเป็นช่องเขาใหญ่สองลูกลาดลงมาบรรจบกันนั่นจากนั้นจะอาศัยแผนที่กล่าวสอบเทียบเพื่อค้นหาเป้าหมายเป็นระยะระยะไปต้องค่อยๆสอบคําทางไปทีละจุดขณะนั้น ราชส ก, กุลสองพี่น้องก็ก้าวเข้ามาเกาะหมู่เดินร่วมกลุ่มเมื่อหนทางกว้างพอที่จะเดินเรียงหน้ากระดานกันไปได้มันห่างจากที่นี่ออกไปไม่ใช่น้อยคำนวณจากสายตาคร่าวๆถ้าตัดเป็นเส้นตรงไปก็เห็นจะไม่น้อยกว่า20กิโลเมตรผ่านดงทึบไม่น้อยกว่าสองสาดงยังมีเขาเล็กๆอีกหลายลูกกั้นไว้ยังไม่รู้เลยว่ากว่าจะไปถึงใช้เวลาสักเท่าไหร่ เชิดาเอ่ยขึ้นเบาๆตาจับนิ่งไปยังเป้าหมายที่เห็นทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือเราจะพยายามตัดเส้นทางในแนวตรงให้ได้มากที่สุดครับพลานใหญ่ตอบอย่างระมัดระวังผมคิดว่าอย่างช้าพรุ่งนี้เที่ยงเราควรจะถึงไม่น่าเลยนะก็มองเห็นอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองทำไมต้องใช้เวลานานถึงขนาดนั้นผู้เปรยแทรกขึ้นคือนักมนุษยวิทยาสาวเดินทางพางสองกล้องไปพาง ที่เห็นใกล้ๆอยู่เพียงแค่นี้นะ่ะหมายถึงภูเขาใหญ่ทั้งรูปนั่นแหละระยะเพียงยี่สิบกิโลควรจะเดินกันได้ถึงภายในห้าหกชั่วโมงเป็นอย่างสูงบอกเขาสิผู้กองชายยานพูดพร้อมกับกหัวเราะหึ่บอกว่าห้าหกชั่วโมงที่เขาว่านั่นนะ่ะมันยังช้าไปถ้าหากว่ามีถนนแบบซุปเปอร์ไฮเวย์ตัดจากที่เราเดินอยู่นี่เป็นเฉพาะ่านรอยข้ามดงที่เห็นเขียวอยู่ข้างล่างตรงไปยังตีนเขาหัวแรงเป็นเส้นตรง ถ้ามันมีถนนอย่างว่านี่และถ้าเขาใช้รถยนต์สปอร์ตแรงสูงชั้นนี้ที่เคยขับเยอะมนุษย์อยู่อยู่ในกรุงแล้วก็สักสินาทีก็คงถึงมั้งหรือถ้าไปด้วยเฮลิคอปเตอร์ก็ยิ่งเร็วกว่านั้นอีกพูดออกมาได้ยังกับไม่เคยเดินต่างงั่นแหละทั้งๆ ท, ที่ก็เดินเสียจนขาชิงมานับไม่ท้วนแล้วดารินไม่พูดอะไรแต่ผักหลายชายยานเซ่เขารกไปโดยแรงป่ามันทึบมากเราเดินเป็นเส้นตรงไม่ได้ ปรเดี๋ยวพอรงจากขาลูกนี้ตัดเขาดงเราก็จะมองไม่เห็นเขาหัวแรงลูกนั้นเพราะต้นไม้บังหมดต้องอาศัยเข็มทิศกันแล้วยิ่งกว่า น, นั้นยังต้องปีนเขาอีกหลายลูกแต่ว่าเรากําลังจะเข้าเขตที่เรียกว่านรกดําแล้วงั้นหรือพลานใหญ่สันศีษะยังก่อนครับอย่างน้อยก็ต้องไปถึงเขาหัวแร้งเสียก่อนวันนี้ทั้งวันเรายังเดินอยู่ในดงที่เห็นเขียวมืดอยู่ข้างล่างนี่แหละตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เราจะไม่พบหมู่บ้านหรือผู้คนอีกแล้วกระมังหญิงสาวถามเสียงเบายังสงสัยอยู่แต่ถ้าพบก็แปลว่าผมไม่เคยรู้มาก่อนจากนั้นก็ไม่มีใครพูดกันอีกนอกจากการตั้งหน้าตั้งตาเดินการอย่างคล่ำเครียดรถพินทิ้งระยะนำล้ำหน้าออกไปตามเดิมเมื่อหนทางแคบเรียงเดียวผ่านไร่กล้วยของพวกกล่มช้างวกเลียบไปตามไหล่ขาด้านตะวันตกอันเป็นด้านตรงข้ามกับที่เคยตามงูยักษ์มาแล้ว ไม่ช้าก็ทิ้งบริเวณอันเป็นไร่นั้นไว้เบื้องหลังสู่ป่ารกที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่สูงเสียด ฟ, ฟ้านานๆจะได้ยินเสียงพวกที่หามสั พ, พระอยู่เบื้องหลังพูดกันพึมพำเบาๆพรานใหญ่นำรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วด้วยฝีเท้าเต็มที่ของเขาและคณะนายจ้างทั้งสามก็สืบติดหลังมาอย่างกระชั้นชิดด้วยกําลังที่อยู่ตัวความเคยชินที่ฝึกฝนมาแล้วอย่างดีเยี่ยมจากการบุกบั่นฟันฝ่ากันมาแล้วในระยะต้ตน แง่ทรายกับขยินอยู่รังท้ายขบวนมันจริงอย่างที่จอมพรานบอกไว้ชั่วโมงเศษต่อมาก็ตัดลงจากเขาอันเป็นที่ตั้งหมู่บ้านร่มช้างเข้าสู่ดงทึบภาพของเขาหัวแรงอันเป็นที่หมายมองเห็นเป็นทิวก้านขอบฝั่งอยู่ริบริบก็พันลับหายไปเพราะถูกบทบังไว้หมดสิ้นเมื่อลงมาสู่หุบระพินนารุดไปตามทางด่านสัตว์ที่คดเคี้ยวซ่าซอนผ้าตัดกันอยู่ไปมาราวกับคนมาทำไว้นั้นอยู่ครูใหญ่ ก็ใช้มีดเดินป่าทางพงตัดแย่เข้าไปในส่วนอันเป็นป่ารกโดยใช้เข็มทิศดูอยู่เป็นระยะต่อมาก็ทะรุออกบรรจบกับทางด่านอันเดินสะดวกอีกแล้วก็หักตัดทางใหม่สลับกันอยู่เช่นนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนคณะนายจ้างไม่สามารถจะจดจำได้ว่าขณะนี้ต่างอยู่ทางด้านไหนของหมู่บ้านหล่มช้างนอกจากจะใช้ดูจากเข็มทิศประจาตัวแต่ละคนซึ่งกาหนดแนวทางไว้ก่อนที่จะลงจากเนินเขาห่มช้างมา นอกจากกิ้งกาง่าโดงตัวขนาดท่อนแขนสีสันประหลาดที่มักจะเกาะชูคอทำตัวพองอยู่ตามโคนไม้แล้วป่าทั้งป่าเงียบสงัดเปล่าเปลี่ยวมองไม่เห็นสัตว์อะไรแม้แต่ลิงหรือค้างสัตัวเดียวอากาศกลางดงระอุอ้าวเต็มไปด้วยกลิ่นอับของใบไม้เน่าเชฐถากับชายยานชักมีดเดินป่าที่เสียบหลังติดประจาตัวอยู่ด้วยออกมาช่วยระพินถากถางในกรณีที่มีการตัดทางบุกเข้ารก ดารินปวดจุด 300A เอเธอร์บีแมกนัมประจำตัวลงจากไหลมาถือไว้ในมืออย่างไม่ประมาทในขณะที่คณะพักทั้งสถือมีดอยู่ในมือฟันกิ่งไม้เปิดทางมุดลอดซอกซอนกันเข้าไปประมาณ10นาทีหนทางเดินก็เริ่มไต่ขึ้นสู่พื้นที่อันเต็มไปด้วยหมอและมากสลับไปกับลําห้วยแหง้งการเดินยากลําบากเต็มไปด้วยอุปสรรคทวีขึ้นทุกขณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่หาบหามสัมภระ บางขนาดไม่สามารถจะหาบกันไปได้โดยปกติต้องปลดที่พ่อออกจากคานหามและใช้วิธีแบกส่งหรือมิฉะนั้นก็มัดด้วยเชือกช่วยกันสาวชักรอกขึ้นไปในกรณีที่ตายขึ้นฝั่งลำห้วยสูงชันทั้งหมดต้องหยุดรอและคอยช่วยเหลือลำเลียงสัมภาระเหล่านั้นคนละไม้ละมือตลอดเวลาตามเส้นทางที่ไม่เคยปรากฏร่องรอยว่ามนุษย์คนใดผ่านเข้าไปนั้นเมื่อถึงบริเวณที่พอจะเดินไปได้ตามปกติ ก็ใส่คานหามแบกกันต่อไปสลับกันอยู่เช่นนั้นการเดินไม่สามารถจะไปได้เร็วนักทั้งหกคนไม่ว่าจะเป็นพลานพื้นเมืองของระพินแงซ า, ายหรือขยินทรหดบึกบึนกันราวกับควายป่าไม่มีใครแสดงท่าเหนื่อยอ่อนหมดกำลังลงเลยแม้แต่น้อยตลอดระยะเวลาร่วมสามชั่วโมงเต็มที่แบกหามบุกป่าฝ่าดงมาโดยไม่มีการหยุดพักเลยแม้แต่น้อยนับแต่เริ่มออกหมู่บ้านหลงช้าง แต่ละคนยังสดชื่นกระปี้กระเพ่าเหมือนเดิมอันเป็นคุณสมบัติชั้นเยี่ยมของลูกไพรโดยสายเดือดคณะในจ้างทั้งสาสียอีก ท, ทั้งทั้งที่เดินกันตัวเปล่ามีแต่เพียงเป้หลังส่วนตัวและไหล่เฟืนประจํามือยังเหงื่อโชกราวกับอาบน้ําทั้งตัวดื่มน้ํากันคนละไม่ต่ํากว่าสองสาครั้งมาแล้วในขณะที่พรานใหญ่และอีกหกคนยังไม่มีใครแตะต้องน้ําหรือแสดงว่าต้องการเลยจริงของละพินชายยันพูดขึ้นหอ บ, หอบ เอาลมราบายความร้อนออกจากปากหยิบผ้าขนหนูที่พันคออยู่ขึ้นซับเหงื่อชุ่มโชกใบหน้าจนเข้าตาขนาดนั้นทั้งหมดเพิ่งจะไต่ลาห้วยชันตอนหนึ่งขึ้นมาได้ได้หยุดรอพวกลูกหาบที่กําลังทยอยส่งของขึงข้นมาโดยมีพวกหนึ่งรอรับอยู่ข้างบนนี่ถละเอาเกวียนกับควายมาด้วยก็มีหวังต้องทิ้งเสียภายในระยะชั่วโมงแลกที่ออกเดินมันนั่นเองหนทางมันไม่มีทางจะใช้สัตว์หรือพาณนะิชใดๆเป็นเครื่องบรรทุกพ่อนแรงได้เลย นอกจากจะหาบหามกันมาเองอย่างนี้ผานใหญ่ยิ้มยิ้มอยู่ในสีหน้าบอกเรียบๆว่าระยะที่ผ่านมานี่ยางดีอีกสักสองชั่วโมงข้างหน้าเราก็จะต้องปีนขาวกันแล้วเกวียนหรือควายที่คุณชายยานหวังไว้ว่าจะใช้เป็นเครื่องผ่อนแรงบรรทุกไม่มีทางจะไปกับเราได้อย่างเด็ดขาดเชษฐาใช้มือข้างหนึ่งปาดแขนเสื้อขึ้นดูนาฬิกาเราออกจากกลมช้างเมื่อเจ็ดโมงตรงนี่เกือบสบเอ็ดโมงแล้ว เดินกันมาร่วมสี่ชั่วโมงเต็มๆยังมองไม่เห็นท้องฟ้ายังมองเห็นท้องฟ้าไม่ถนัดเลยเหมือนงมอยู่ในถ้ำนั่นแหละพอจะบอกได้ไม่ว่าขณะนี้อยู่ตรงไหนบนเชิงเขาทิวแรกที่กั้นระหว่างลมช้างกับเขาหัวแร้งครับเขาลูกนี้ก็คือเขาที่เรามองเห็นเป็นรูปคล้ายๆกับทิงหมอบตอนที่อยู่บนไร่กล้วยที่หมู่บ้านช้ ย, ยานผิวปากหวือกว่าสายตาไปรอบๆทั้งๆที่ไม่สามารถจะสังเกตเห็นอะไรได้ นอกจากความรกทึบรอบด้านละเกจะละกะไปด้วยเถาวันขนาดใหญ่ซึ่งห้อยพันอยู่ทั่วไปตายโหงป่านี้มันยิ่งกว่าทะเลเสอีกไม่มีทางจะกําหนดอะไรได้สักอย่างนี่ผมไม่รู้ตัวสักนิดว่าขึ้นมาอยู่บนเชิงเขาแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่เราเริ่มขึ้นเขามาตั้งแต่ตัดห้วยรูปแรกเมื่อชั่วโมงที่แล้วมานี่แหละครับจาได้ไหมครับตรงที่เราพบรอยช้างล้มต้นไม้ไว้เป็นแปลงเนือขอบเหวนะ่ะโว ให้ตายผมเห็นจะเป็นนักเดินป่าที่ดีไม่ได้เลยหมดท่าจริงๆสำหรับเรื่องการสังเกตทิศทางนี่ยังนึกว่าอยุ่ก้นหุบเส้ออีกอดีตนายทหารปืนใหญ่จุกปากเบาๆโครงศีรษะควักบุหรี่ออกมาจุดสูบแล้วส่งแจกจ่ายไปให้เชฐฐากับพรานใหญ่แกมันเอาแต่เดินอย่างเดียวไม่รู้จักสังเกตเลยบ้างเชฐฐาว่าขีดไรเตอร์ป้องส่งไปให้รพินก่อนแล้วจุดของตนเองพรางอัดควันลึก ไม่รู้สึกหรอกหรือว่าพอข้ามห้วยลูกแรกแล้วเราผ่านขึ้นยอดมาแล้วกี่ลูกชายยานคงกระพิงตางงอยู่เช่นนั้นย่อนตัวลงนั่งพักขาบนกิ่งเถาวันใหญ่ต่อนหนึ่งจะไปรู้ได้ยังไงถึงผ่านขึ้นมอก็ลงมาบสลับกันอยู่อย่างนั้นทางเดินมันก็เดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่าเป็นละลอกขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าจาไม่หวาดไหวแล้วไอ้มอกมบหรือที่ดอนที่รุ่มนี่นะก้อนถูบมันก็มีเหมือนกันไม่ใช่มีเฉพาะบนเขา ถ้าแกกำหนดทิศให้ถูกก็จะรู้ว่าเรามุ่งตะวันออกมาตลอดระยะนับตั้งแต่ผ่านห้วยลูกแรกมอที่ผ่านมาแต่ละลูกสูงกว่ามากนั่นย่อมแปลว่าเราต่าขึ้นสูงทุกขณะเชษฐาบอกเสียงชา ย, ยานบนรร่นพำเพราะยังงงอยู่ไม่หายแต่พรานใหญ่รอบจำเลืองมองดูอดีตท่านทูตทหารโบกหัวหน้าคณะอย่างนิยมนับถืออยู่ในใจในชั้นเชิงการเดินป่าแล้วสุภาพบุรุษในราชาสกุลผู้นี้มีพิธานพอตัวทีเดียว แม้ว่าจะเป็นนักเดินป่าสมัครเล่นชั่วครู่ชั่วยามในอดีตที่ผ่านมาแต่คนละเอียดรอบครอบช่างสังเกตอย่างเชฐิฐาย่อมไม่มีวันที่ผ่านป่าจะต้มตุนเอาได้ง่ายๆเหมือนพวกชาวกรุงที่เข้าป่าทั้งหลายถูกของเชิฐาแล้วทิศทางที่เขานำมาแม้จะคดเคี้ยววกวนสกปานใดก็ตามแต่ส่วนใหญ่ก็บ่ายขึ้นตะวันออกตรงตามที่เชิฐาพูด อย่างนี้ไงล่ะที่เขาเรียกว่าเดินแบบมังุมมังาหลาได้กับฉันสิจริงๆอยากจะรู้เคล็ดลับเหลือเกินว่าคนชำนาญเขามีอะไรเป็นเครื่องสังเกตถึงบังคับการเดินแบบงมของตนเองให้มุ่งเข้าสู่ทิศใดทิศหนึ่งที่ต้องการได้เสมอตามความรู้สึกอย่างฉันก็เห็นเดี๋ยวซ้ายจัดเดี๋ยวขวาจัดวกไปเวียนมานหน้าปวดหัวกาหนดอะไรแน่นอนไม่ได้เลยสักอย่าง เดินเรือในมหาสมุทรดูเหมือนยังจะง่ายเสียกว่าเดินโดงที่มองไม่เห็นอะไรนอกจากต้นไม้มืดเป็นหมดแบบนี้ผู้กองช่วยบอกหน่อยสิประโยคหลังเขาหันไปถามพรานใหญ่และพินยิ้มขันขันในท่าทางอาการของชายยันข้อนี้ผมก็จนใจจริงๆครับคุณชายยันไม่รู้จะเอาอะไรเป็นเกย์หรือบรรทัดฐานเพื่อกำหนดเป็นหลักตายตัวลงไปได้แต่มันก็หนีวิชาลูกเสือเบื้องต้นไปไม่ได้หรอกครับ คือไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากลับหน้าหันหลังอย่างไรเราจะต้องกำหนดทิศใหญ่ๆทั้ง4ีทิศให้ได้อย่างแม่นยำแล้วก็มุ่งไปตามทิศที่เราต้องการมันก็ไม่ผิดเป้าหมายที่เราต้องการจะเดินไปให้ถึงไอ้ที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากลับหน้ากลับหลังอะไรเหล่าวนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของการเดินป่าทุกแห่งที่ไม่มีถนนตัดไว้ให้เพราะเราต้องหาทางเดินเลาะละัดไปให้ได้สะดวกนั่นเอง มันเป็นไปไม่ได้ในการที่ตั้งเข็มไว้แล้วก็ตัดตรงแนวไปทางนั้นถ่ายเดียวโดยไม่มีการเลี้ยวไปทางอื่นถ้าเป็นทางอากาศหรือทางทะเลแล้วก็ได้เพราะไม่มีอุปสรรคอะไรขวางกัน้นลงวางเข็มทิศให้ตรงทิศก็ถือหางเสือไปทางด้านนั้นได้ตลอดเลยนี่เราต้องหลีกหูหลีกเหวบางทีก็ป่ารกที่ไม่สามารถจะผ่านเข้าไปได้ต้องอ้อมไปเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณชัยยันว่าเมื่อตะกี้ก็ถูกเหมือนกัน คือแล่นเรือในมหาสมุทรยังง่ายเสียกว่าการเดินในป่าทึบเพราะทะเลเรายังมองเห็นสังเกตทิศได้ถนัดมุ่งให้เป็นแนวตรงไปยังทิศใดทิศหนึ่งไม่ช้าก็เร็วจะต้องพบฝั่งแน่แต่ป่านั้นบางทีรัศมีเพียงแต่แค่ตารางกิโลเมตรเดียวคนไม่ชำนาญก็ยังเดินหลงอยู่ได้เป็นเดือนเป็นปีหาทางออกไม่ได้เดินวนเวียนเป็นวงกลมอยู่นั่นเองสรุปไว้ง่ายนิดเดียวในเรื่องนี้ เชฐาพูดยิ้มยิ้มตัดบทตบที่ไหลเพื่อนรักข้อสงสัยของแกมีคำตอบที่ตรงที่สุดคือคนที่เขาชำนาญแล้วอย่างระพินเดินป่ามาแล้วนับเป็นสิบสิบปีขึ้นไปส่วนแกมันนักท่องป่าหน้าใหม่เพิ่งจะมาเดินป่าเอาจริงจังไม่เกินเดือนหนึ่งมานี้เองเพราะฉะนั้นยามันมีปัญหากางขาอะไรอยู่เลยคอยเดินตามเข้าไปอย่างเดียวก็แล้วกัน ที่ถามก็เพราะต้องการจะศึกษาเรียนรู้อดีตนายทหารปืนใหญ่บอกอ่อยๆนี่นะเหรอนายทหารอยากรู้ว่าเรียนสำเร็จจนกระทั่งได้ยศพันตรีมาได้ยังไงขนาดวิชาลูกเสือสำรองก็ยังไม่รู้กำหนดทิศ ย, ยังไม่ถูกคู่อริสาวพูดเบาๆมาอย่างได้ทีขณะที่เปิดจุกกะติกออกกรอกน้ำาด่มชายยันขยี้ปลายจมูกอย่างฉุนฉุนได้ทีเป็นไม่ได้นะขี่แพะไล่สล่าไป ไม่ได้ขี่แพะไล่หรอกแต่ทำคารที่ขยายที่เธอออกมาจับได้นักขายหน้าจริงๆแล้วเราล่ะรู้หรือว่าทิศไหนเป็นทิศไหนขนาดที่อยู่กันตรงนี้ถึงฉันจะไม่รู้ก็ไม่เห็นเสียหายอะไรตรงไห น, นฉันเป็นหมอไม่ได้เป็นลูกเสือทหารหรือพรานป่าผู้หากินอยู่กับทิศหม่อมราชวงศ์สาวคนสวยซ่อนยิม้มพูดเนิบๆมองหน้าตาเฉยแต่ถึงเป็นหมอก็ตามเหอะ ฉันก็ยังชี้ทิศให้เธอได้ถูกไหนบอกมาซิตะ ว, วันออกอยู่ทางไหนชัยยันกระชากเสียงถามมาโดยเร็วดารินยิ้มเยาะก่อนจะมารองภูมิฉันตรวจสอบภูมิของตนเองก่อนดีกว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นทหารแล้วตอนที่อยู่ห่มช้างก็เห็นคุยโวไว้นักว่าเดี๋ยวนี้เดินป่าได้ชำนาญแล้วเอาละตัวเองนั่นแหละบอกมาซิตะ ว, วันออกอยู่ไหนเออบอกมาถ้าถูกก็ให้ยศเป็นในพันตีตามเดิม แล้วถ้าผิดละ่ะเพื่อนชายชักสงสยัยดาลินดื่มน้ำกรวขคออีกครั้งยักคิ้วให้ถอดลงเป็นพลทหารชายยานกลืนน้ำลายทำหน้าพิกลแล้วพินกับเชษ่ากัดเต็มฝีปากกลั้นหัวเราะอดีตนายทหารปืนใหญ่ถอดหมวกออกมาก้าวศีรษะแกลกบนพมํมว่าจะเล่นถอดยศเป็นพลทหารเสร็จแล้วก็ น, น่าถอดหยอกอยู่ละถ้าชี้ทิศไม่ถูกเร็วบอกมาตะ ว, วันออกอยู่ไหน หล่อนขู่สาทับมาโดยเร็วชายยานครางเบาๆในลาคอมองไปทางพรานใหญ่เหมือนจะอาศัยเป็นที่พึ่งดาลินก็ตัดลํามาทันทีว่าห้ามบอกข้อสอบกันนะแล้วก็ห้ามดูเข็มทิศด้วยไม่งั้นถือเป็นโมฆะปล่อยให้ชายยันชี้ทิศเอาเองอีกฝ่ายฝืนหัวเราะฮีโร่เรื่องกล้วยๆแค่นี้เองว่าแล้วขเขาก็ลุกขึ้นยืนเดินไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งพยายามเอามือรูปคําดูรอบๆต้นดาลินหัวเราะลั่นล้องออกมา หมดท่าแล้วในพันตรีชัยยานอนันตรัยลงถึงขั้นเอามือคลำต้นไม้ไม่มีทางหรออย่าเอาวิชาลูกเสือสำรองมาใช้หน่อยเลยไม่เห็นหรือว่าดงนี้นะมันทึบเสียจนแสงตะวันลอดลงมาไม่ถึงพื้นคลำให้ตายก็ไม่รู้ว่าด้านไหนแดดส่องอันหมายถึงตะวันออกอย่างที่อยากต้องการหาบ้าสําคัญรู้เสีด้วยว่าวิชาลูกเสือก็ทํากันอย่างนี้ชัยยานบ่นอุบระหว่างที่ดาลินก้มลงหัวเราะตัวงอ เชิดาเหือๆ อ, อยู่ในลาคอส่วนพพินยิ้มยิ้มเขาพอใจอยู่อย่างหนึ่งมาแต่ต้นแล้วนั่นคือไม่ว่าจะอยู่ในภาวะฉุกเฉินข้ำเครียดสักเพียงใดก็ตามนายจ้างหนุ่มสาวของเขาคู่นี้มีอารมณ์คลืครื้นร่าเริงหยอกเย้ากันเล่นเป็นที่สนุกสนานเสมอทั้งคู่มีอารมณ์ขันและขี้เล่นมันเป็นบุคลิกที่ดีของนักผชนภัยซึ่งไม่เคยหวั่นไหวต่ออนาคตที่รออยู่เบื้องหน้าไม่ว่าจะร้ายแรงสักขนาดไหนและสิ่งนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่สุด ของการร่วมเดินทางฝันฝ่าอันตรายด้วยกันอย่างน้อยที่สุดมันก็ช่วยคลี่คลายบรรยากาศอันเครียดหนักลงไปได้เมื่อไม่ได้ที่พึ่งจากการคลำต้นไม้ชายญันก็หันตรีหันขวางหมุนไปรอบตัวอยู่อึดใจแล้วก็ตัดสินใจชี้ส่งเดชนี่ตะวันออกอยู่ทางนี้ดารินมองดูอย่างสมเพชระคนขบขันแล้วบอกว่าเอาละหันไปถามพรานใหญ่คู่ขาของเธอดูสิว่าเธอชี้ผิดหรือถูกในฐานะเป็นพรานนาทาง ฉันมอบให้เขาเป็นกรรมการตัดสินชายยันเหลือเลียวไปทางระพินแล้วลอบขยิบตาให้ถามว่าผมชี้ถูกใช่ไหมผู้กองครับถูกเพ็งเลยผู้พันพลานใหญ่ตอบหน้าตาเฉยดาลินเอียงหน้าตะแคงหูจ้องตาเขาเป๋ง่งร้องเสียงสูงไหนว่ายังไงนะคุณร้อยตำรวจเอกระพินภัยวันได้ยินไม่ถนดัดผมรับรองว่า ในพลันตีชายยันอนันไทรชี้ทิศตะวันออกได้ถูกต้องแล้วครับผมดาดินชี้หน้าเขาขบฏภายในประเทศเสร็จแล้วผู้กองหล่นร้องหนักๆแล้วหันมาทางพี่ชายพี่ใหญ่เป็นพยานนะคะพรานนําทางของเราคนนี้สอนนิสัยเห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุดจริตเสร็แล้วไม่เคารพในอาชีพพลันของตัวเองเจตนากรบเกลื่อนอำพรางความจริงชายยันชี้ตะวันตกเฉียงเหนือเป็นตะวันออก เขายัางอุตส่าห์รับรองให้ว่าเป็นทิศตะวันออกก็แล้วคุณหญิงว่าทิศตะวันออกอยู่ทางไหนล่ะครับพรานใหญ่ทำหน้าตายถามมาคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ด้านนี้ตรงข้ามกับทิศชา ย, ยานชี้เลยหล่อนตวาดแหววชี้มือให้ดูเอหมอทำไมถึงกล้าเถียงพรานในด้านทิศล่ะครับเ mm. ถียงสิทำไมจะไม่เถียงในเมื่อหลักฐานตายตัวมันอยู่นี่ ดาลินเอ็ดลั่นปางับเข็มทิศออกมาจากกระเป๋าเสือ้อส่งพรวดไปให้ดูจนเกือบถูกหน้าเขาจนรพินต้องผงะหน้ารบนี่นี่เห็นไหมทิศเหนือมันอยู่ทางนี้ตะวันออกมันก็ต้องอยู่ทางนี้หรือว่าพรานจะเถียงเข็มทิศอันเป็นมาตรฐานตายตัวของโลกอ้าวแล้วคุณหญิงก็ไม่บอกเสียแต่แรกว่าดูเข็มทิศเป็นรพินเอานิ้วเกาวจมูกพูดค่อยๆเชิดากับชา ย, ยานหัวเราะลั่นออกมา พานใหญ่หลบตาหล่อนเบื่อหน้าไปกั้นหัวเราะจนตัวขยาด่าดินร้องอะไรออกมาคําหนึ่งก่าวเข้ามาผลัก อ, อกเขาเซไปเดี๋ยวต่อยเปรียงเลยอ๋อนึกว่าดูเขีมทิศไม่เป็นก็เลยมาแหกตากันซึ่งหน้าอย่าเงี้ยเหรอเสียแรงให้เกียรติยกให้เป็นกรรมการดีแล้วนะเราน้อยแล้วกันเรานี่ทําไมถึงนักแรีอย่างนี้นะพี่ชายร้องทักมาปนหัวเราะเจออันธภานก็ต้องนักแรีได้ยอย่างนี้แหละค่ะ หลอนหันมาบอกพี่ชายตาขุนเขียวพลานยายหันมายกมือไหว้หัวเราะแฮ่ๆโทษคุณหญิงย่ามโหผมเลยครับผมขอโทษทีไม่ได้มีเจตนาจะหลอกลวงอะไรคุณหญิงเลยสงสารนายทหารยศ ถ, ถึงพันตีจะต้องถูกถอดยศทับเดียวลงมาเป็นพลทหารก็เลยต้องยอมผิดจัญญาผานไปบ้างก็นึกสงสัยแต่แรกเหมือนกันแหละตอนที่พูดกันถึงเรื่องทิศทางเห็นคุณหญิงแอบเอาเข็มทิศขึ้นมาดูลับๆล่อๆ อ, อ, อยู่ ผมก็ไม่นึกว่าคุณหญินจะดูเข็มทิศเป็นนึกว่าพวกพวกติดตัวเล่นเน้นงั้นเองหน่อยดูถูกกแค่เข็มทิศเด็กประถมหนึ่งมันก็ดูเป็นปลายเข็มด้านแต้มพายน้ํามันจะต้องชี้ไปทางด้านทิศเหนือตลอดเวลาไม่ว่าจะหกคะเมนตีรังกายยังไงยกเว้นแต่จะไปล็อกเข็มมันไว้เสียอยากจะหาทิศก็เพียงแต่หมุนหน้าปัดให้ด้านเหนือตรงกับปลายเข็มอีกสามทิศที่เหลือมันก็ชี้ทนท้อให้เห็นเอง ถึงฉันจะไม่เคยเรียนวิชาลูกเสือฉันก็เป็นนักวิทยาศาสตร์มาก่อนยะสนามแม่เหล็กก็เรียนมาแล้วตั้งแต่อยู่มัธยมต้นจริงผมลืมปัะทนาลืมไปว่าคุณหญิงเก่งทุกอย่างไม่ต้องมาประชดหญิงสาวกระชากเสียงค้อนตาความ่มชายยันก็บอกมาเบาๆว่าดีแล้วเดี๋ยวให้ผู้ชำนาญในการอ่านเข็มทิศเป็นคนนาทางก็แล้วกันคุณไม่ต้องนำหุบปาสิยทีเถอพลทหารชายยัน ว่าสวยย้ายถึงขั้นพลเลยนะาสิบเอกก็ยังดีนะท่านแม่ทัพพลทหารก็ยังมากไปสำหรับกองทัพไทยอยากส่งให้ไปเป็นพลทหารลาวเสียด้วยซ้ำชายยันเอามือโปะลงไปกลางศีรษะตนเองถอนใจเฮือกทั้งหกคนกำลังช่วยกันทยอยเอาหีพอสัมภาระขึ้นมาจากลำห้วยชันพากันขนของตามขึ้นมาทันพานใหญ่สั่งให้ภักอยู่เหนือริมฝั่งห้วยประมาณสิบนาที พวกนั้นจึงลงนั่งมวลบุหรีสูบเชษฐาก็โยนบุหรีไปให้สองหนึ่งทุกคนสูบยกเว้นแหน่สายเป็นคนเดียวซึ่งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีใครเห็นสูบบุหรีหรือแตะต้องของเสพติดมืนเมาใดๆทั้งสิ้นเราจะตัดเนินขารุ่นนี้อีกสักชั่วโมงก็เที่ยงวันพอดีแล้วจะหยุดพักใหญ่หุงหาอาหารกลางวันขาของคุณชายรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ หัวหน้าคณะยิ้มหนักแน่นมั่นคงเหยียดขาข้างที่เคยพิการอยู่เป็นเวลาถึงเดือนเศษออกไปแล้วงอกลับเข้ามาสะบัดแรงๆไม่ต้องเป็นห่วงหลอกรพินมันหายเป็นปกติเรียบร้อยดีทุกอย่างแล้วเหมือนไม่เคยบาดเจ็บมาก่อนคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าผมท้ลองซ้อมเดินป่าในระหว่างที่ยังพักอยู่หล่มช้างระยะทางเดินติดต่อกันเป็นวันๆก็ไม่เห็นเป็นอะไรในายใหญ่เดินไม่ไหวขี่คอขยินไปก็ได้เจ้านักเรียนชาวโดยยิ้มยิงฟัน ขันอาสาออกมาอย่างแข็งแรงเชษฐาหัวเราะอย่างอารมณ์ดีเอื้อมมือมาตบไหล่อดีตในบ้านหล่มช้างผู้บดรนี้กลายมาเป็นคนของเขาขอบใจเจ้ามากขยินแต่ถ้าฉันขี่คอเจ้าเสร็จแล้วใครจะเป็นคู่กับแงาสายหาผิดไปนั้นจริงของนายใหญ่ขยินยิ้มแห้งๆ แ, แล้วหันไปฉวยขวดเหล้าป่าที่บุญคำถือจิบอยู่มาดื่มอักๆหน้าตาเฉย บุญคำอตีนถีบยันเข้าให้ที่สีข้างพร้อมกับสะบดดาขมถมเถแต่เจ้ายักษ์ใหญ่ไม่สะดุ้งเสเทือนทุกคนหัวรอะคลื้นเครองพอเหงื่อมาดแล้วินให้สัญญาณออกเดินทางต่ออย่างบุกบันการได้พักแม้จะช่วยระยะเวลาสั้นๆก็ช่วยให้ทุกคนกำลังกลับคืนมาทิศ ท, ทางเดินคงตายขาวมุ่งตะวันออกอยู่ตามเดิมอาศัยที่ต้นไม้ใหญ่ขึ้นเบียดเสียดรกทึบไปหมดทุกด้านและเนินขาลูกนั้น กว้างใหญ่จึงทําให้แทบจะไม่รู้สึกว่าบัดนี้ต่างขึ้นเขาสูงมาเป็นลําดับและพินคงนําไปในลักษณะเคยคือเละละัดตัดพงอยู่เป็นระยะโดยไม่สนใจกับทางด่านสัตว์ที่เห็นอยู่ประปลายหลายต่อหลายครั้งที่พรานใหญ่หยุดยืนเหมือนจะลังเลคิดอยู่เพื่อหารูทางอาการของเขาก็คงเหมือนกับที่คณะนายจ้างทุกคนเคยเห็นมาแล้วมองอยู่สี่ด้านซ้ายขวาสูงต่ําแล้วก็ออกจ้เอ้าไป บ่อยครั้งที่เขาหยุดรออยู่ที่เบื้องหน้าทำมือเป็นสัญญาณเตือนให้คณะเดินเรียบชิดไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาโดยเฉพาะนั่นหมายถึงให้หลีกสิ่งอันตรายต่างๆหากไม่ใช่ต่อหลุมตัวขนาดหัวไม่มือที่ขุดโพรงทำลังอยู่กับพื้นดินโดยมีใบไม้กรบอำพางเป็นกรดเป็นกลดักเพื่อรอให้เหยื่อตกลงไปก็เป็นพวกงูร้ายที่ดักพันซุ่มอยู่ตามกิ่งไม้หรือมิฉะนั้นก็เป็นพวกต้นไม้ที่หนาหรือมีใบมีพิษ หากกระทบเข้ากับผิวหนังระยะนี้คณะนายจ้างทั้งสามไม่ได้ขึ้นมาเดินเคียงบ่าเคียงไหลกับเขาคงปล่อยให้นําหน้าไปทิ้งระยะประมาณสิบหลาแล้วคอยสืบปลอยเท้าตามหลังอย่างระ ม, มัดระวังเพราะตระหนักดีว่าอันตรายจากธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เริ่มทวีมากขึ้นทุกขณะระวังหน่อยนะครับต่อหลุมชุมมากแถวนี้อย่าพยายามแยกห่างกันออกไปตามรอยผมไว้เสียงเขาร้องตือนมาเบา โดยไม่ได้หันหลังกลับมาใช้สายตากว่าพิจารณาไปยังพื้นรอบด้านการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าเริ่มจะช้าลงแต่ละก้าวที่เหยียบลงไปเต็มไปด้วยความระมัดระวังไม่เดินสูบสบเหมือนแต่แรกทำให้ฝ่ายนายจ้างต้องระวังตัวแจแปรขบวนลงมาเป็นเรียงเดียวชายยันล้าไปเบื้องหน้าดาดินถูกขนาบอยู่กลางปิดท้ายด้วยเชททิฐาเบื้องหลังอีกหกคนที่แบกหามอยู่ก็ค่อยๆพยุงตายกันขึ้นมาชนิดตัวรีบ แต่สำหรับคนเหล่านั้นไม่มีอะไรจะต้องห่วงเพราะค้องแคล้วจัดเจนดีอยู่แล้วในภายป่าจะรู้ได้ยังไงนี่ว่าบริเวณไหนเป็นหลุมของมันชั ย, ยันถามเบาๆอย่างหนักใจก้มลงมุดลอดกิ่งไม้เตี้ยแทรกตัวผ่านตามหลังเขาไปอย่างยากเย็นสังเกตให้ดีครับบริเวณไหนเป็นพื้นเกลี้ยงกล่าวราบเรียบผิดปกติก็มันละพร้อมกับบอก แล้วผินใช้กิ่งไม้เล็กๆอันหนึ่งที่ตัดติดมือมาด้วยยาประมาณสองวาค่อยๆแหย่ปลายด้านหนึ่งลงไปที่บริเวณพื้นใบไม้อันราบเรียบเล่ากับมีใครเกี่ยวไว้จนเสมอกันริมทางด้านหนึ่งหันมอดูชายยานผู้ตามหลังเข้ามาใกล้ชิดเขาที่สุดแล้วเสือกปลายลงไปช้าๆกิ่งไม้อันนั้นแทรกทะลุหายลงไปกับพื้นตรงนั้นอย่างง่ายดายแสดงว่าข้างใต้เป็นโพรงมีใบ ไ, ไม้ปกคลุมอยู่เพียงเบาๆเท่านั้น เขาทิ้งกิ่งไม้ที่ทดรองแย่ให้ดูนั้นเสียบคาเป็นเครื่องหมายสังเกตเห็นได้ชัดสำหรับทุกคนที่ตามมาข้างหลังชายยันและเชษถาคลางออกมาเบาๆในรำคอย่างหวาดเสียวกวาดตามมองสารวจไปทางด้านอื่นๆด้วยอาการหายใจไม่ทั่วท้อง mm hmm. ไม่มีทางอื่นที่มันปลอดภัยกว่านี้หรือหัวหน้าคณะพูดเบาๆผมกาลังคิดอยู่เหมือนกันครับจอมพรานตอบใช้สายตาสารวจอยู่อีกขดใจ ก็เหนียวรากไม้ใหญ่ที่โผล่พ้นดินเ ก, กกะออกมาในระดับที่สูงกว่าตายขึ้นไปแล้วอ้อมโคลนต้นไม้ต้นนั้นเลี้ยววกไปทางขวาอันเป็นไหลของบริเวณเทราตอนนั้นพลางหยุดรอโบอกมือให้ตามทุกคนทยอยตามหลังเขาไปทีละคนอย่างช้าๆแต่แล้วทันใดนั้นเองต่างก็สะดุ้งขึ้นสุดตัวด้วยเสียงร้องอ้าวดังกล้องไปทั้งดงทึบท่ามกลางความเงียบอะไรชนิดหนึ่งเป็นเงาดำมืดเผ่นบูบลงมาจากคาคบไม้ ในระดับพื้นด้าชั้นที่สูงขึ้นไปประมาณ78วาใบาไม้และกิ่งไม้แห้งเล็กๆที่พื้นตรงนั้นกระจายโครมครามรปินผู้กำลังยืนกว่าสายตาไปรอบๆ ร, รอคอยคณะพักอยู่ซุดตัวลงนั่งโดยเร็วพร้อมกับสลัดไหลเฟื่ออกจากไกลประทับขึ้นแต่ขเขาก็จ้องเฉยอยู่เช่นนั้นโดยไม่ร่างไกลเจ้าสิ่งที่เพ่นลงมาจากคบไม้เบื้องสูงคือเสือดำขนาดม้าอันเซเชียนขณะนี้ไม่กำลังเพ่นตะกุยหนีขึ้นเนินไปอย่างตื่นตกใจ ระยะนั้นมีแต่ลําต้นของไม้ใหญ่ปราจากพุ่มไม้บงังจึงเห็นมันคั้วปูเรีงอยู่อึดใจเต็มๆชายยันมัวตกตะลึงยืนตัวแขงเย็นปืนยังสะพายอยู่กับไรลดาลินพงะถอยมาชนพี่ชายแล้วตะวัดจุด300แมกนัมขึ้นไรแต่เชิด า, าปัดเสยปากปากระบอกขึ้นเสียก่อนร้องห้ามเดือบปุ๋ยอย่ายิงน้อยปล่อยมันเถอะนักมานุษยวิยาสาวยั้งไว้ที่ทันควันเหมือนกันก่อนที่จะปล่อยกระสุนเสียเปล่าขึ้นฟ้า ชายยันสะบดลั่นไอเวรอยู่ไม่อยู่ก็ร้องวก้กก็จนตุ๊บลงมางั้นแหละใจหายหมดเบื้องหลังเกิดกับเสยผู้กำลังช่วยกันพยุงหีบของตายขึ้นมาบัดนี้ล้มกลิ้งชนกันคลุกคลักไปประทัคู่ของจันรกับบุญคำต้องช่วยกันพยุงหิ้วขึ้นมาพวก น, นั้นพากันบนพรมยังหัวเสียพรานใหญ่ถอนใจยาวค่อยๆ ย, ยืดตัวขึ้นยืนตามเดิมหันกลับมาทางคณะนายจ้างพูดบนหัวเราะ แม้ดำตัวนั้นทำเอาเสียเส้นทีเดียวแหละครับดีที่มันตกใจแล้วกระโจนหนีแทนที่จะหลบนิ่งอยู่บนต้นไม้แล้วค่อยหาโอกาสเผ่นละเผ่นลงมาเล่นงานพวกเราคนใดคนหนึ่งตอนที่ผ่านก็ไปใต้มันคอ่อยโปร่งใจหน่อยที่ได้เห็นเจ้าพวกนี้บ้างแล้วที่แรกผมนึกว่าวันนี้ทั้งวันเราจะไม่พบสัตว์อะไรนอกจากงูกับกิ้งก่าเสียอีกเชิดถาก่าวเรียบเลี้ยบเลียนน้ำสียงปกติของเขาแล้วพยักหน้าบอกต่อมาว่าได้การแล้วรพิน ไอ้ดำมันช่วยนำทางให้เราผมว่าตามหลังมันขึ้นไปทางนี้ดีกว่าสัตว์มันต้องรู้ดีว่าทางไหนเป็นทางปลอดภัยสำหรับมันนั่นคือไหวพริบและความเข้าใจในภาวะของป่าได้เป็นอย่างดีของเชษฐาซึ่งพรานใหญ่ก็คิดอยู่ก่อนแล้วทันทีที่เห็นเสือดำตัวนั้นเพ่นอ้าวไปเขาก็นับเขาก็นำตัดทางตามหลังการไปของเสือดาตัวนั้นทันทีโดยไม่มีอะไรต้องลังเลหรือหมัวค้นหาทางอื่นให้เสียเวลา ระยะอันเทราชันช่วงนั้นต่างต้องไปในลักษณะคานต่ายโดยโดยจำเป็นต้องอาศัยมือแบบสีท้าช่วยอีกครั้งส่วนพวกสัมพระก็ต้องใช้วิธีรากเข็นขึ้นไปทีละช่วงเห็นจะต้องระวังกันหน่อยละไม่รู้ว่ามันจะไปคอยดักเล่นงานเราอยู่ตรงไห น, นชายยันกระซิบอย่างไม่ไว้ใจกับสหายของเขาที่ต่ายเคียงมาข้างๆแต่เชษฐาสันีจัไม่ต้องกังวลในข้อนั้น ถ้ามันจะคิดเล่นงานเรามันก็เอาเสียแต่แรกแล้วลงเพ่นหนีอย่างเมื่อตะกี้ก็แปลว่าป่านนี้ไปไกลลิฟไม่คิดที่จะดักเล่นงานลายเราหรอกมันยังไม่ถูกเจ็บจนถึงกับจะต้องคิดอาฆาตแล้วมันก็เป็นฝ่ายตกใจเราเมื่อตะกี้ถึงได้ห้ามน้อยไว้ไม่ให้ยิงเพราะถ้ายิงแล้วพินก็คงยิงก่อนพวกเราทุกคนแล้วไม่ปล่อยถึงมือเราหรอกน้อยก็ไม่ได้ตั้งใจจะยิงหรอกค่ะพอเห็นว่าเป็นเสือมือมันก็จะเหนี่ยวไกลออกไปตาม ตามสัญชาตญาณอย่างเดียวเท่านั้นต่อให้ชินสักขนาดไหนก็ไม่มีทางจะใจเย็นได้อย่างนายรละพินนั่นใช่สิตานั้นเห็นเสือเท่ากับแมวธรรมดาตัวหนึ่งถ้ามันไม่กระโจนก็ใส่เขาแล้วก็เห็นช้างเหมือนหมูบ้านถ้ามันไม่ม้วนวิ่งเข้าหาชา ย, ยันเสือมาพร้อมกับหัวเรกกาะกร่อยและก็จริงดังเชิดถามว่าไม่มีวี่แววว่าเจ้าเสือดำนั้นจะยังป้วนเปี้ยนให้เห็นเงาอยู่ในระแวกที่ตายตามขึ้นมาเลยพิสูจน์ได้ชัดว่า มนุษย์เป็นสัตว์ร้ายน่ากลัวอันตรายเหนือกว่าสัตว์ชนิดใดในโลกจนถึงขนาดสัตว์ป่าที่มีนิสัยดุร้ายเองแท้ๆถ้าไม่ถึงกับโจนตัวหรือได้รับทุกขเวทนาจนถึงกับสันดานวิปริตไปแล้วมันย่อมหลีกลี้หนีหน้าเสมอไม่มีวันคิดที่จะต่อก่อนด้วยพ้นจากทางชันตอนนั้นก็ถึงไหล่ข่าอีกตอนหนึ่งซึ่งเป็นด่านช้างก่าอ้อมเขาลูกนั้นไปบรรจบกับลาห้วยลึก สลับไปกับโตรเขวบางตอนพักใหญ่ต่อมาก็โปรออกจากช่องขาวทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือมองเห็นท้องฟ้าได้ถนัดขึ้นเพราะต้นไม้ไม่ทึบนักกระจายอยู่เป็นหย่อมๆแซงไปด้วยพุ่มไม้เล็กๆเถาเกลือซึ่งเพิ่งจะมองเห็นเป็นครั้งแรกนับแต่ออกเดินทางมาเลือกได้โคนต้นเสลียงยักษ์ระหว่างหมู่โขดินอันเป็นร่องเตียนตอนหนึ่งริมผาตัดแล้วเพสั่งให้ปรงหาหยุดพักขงหาอาหารกลางวันกันที่นั่น ขณะนั้นมันเป็นเวลาล่วงไปถึงบ่ายโมงตรงพอดีเราเดินเลยกำหนดที่กะไว้ตั้งชั่วโมงเขาบอกระหว่างลงนั่งพักร้อมวงก็ดีเหมือนกันเพราะตั้งแต่บุกมาก็ยังมองไม่เห็นว่าตรงไหนจะเหมาะสำหรับพักได้เลยเพิ่งจะมาเจอเอาตรงนี้แหละเป็นครั้งแรกอาหารกลางวันมื้นั้นเป็นการกินกันในแบบประทงังซึ่งจะต้องยึดถือเป็นหลักต่อไปสาหรับการเดินทางในระยะต่อไปข้างหน้าเพียงแค่ข้าวหุงที่สุก และเนื้อแห้งปิ้งโดยมีเครื่องกระป๋องประกอบบ้างเล็กน้อยสำหรับคณะนายจ้างเท่านั้นสำหรับกาแฟจะมีก็เฉพาะมื้อเย็นติดต่อไปถึงมื้อเช้าเพราะพอมีเวลาพักกันได้นานผิดกับมื้อกลางวันที่เพียงแค่รองท้องและพักเหนื่อยช่วขณะในการเดินรอบบ่ายก่อนหยุกพักค่ำนี้เราจะเดินหาอาหารสดไปด้วยระยะระหว่างทางพลานใหญ่บอกแผนเฉพาะหน้าให้ทราบเป็นระยะ ก็ดีเหมือนกันแต่ให้ถือเป็นเพียงผลพลอยได้ระหว่างทางเท่านั้นอย่าให้เสียเวลาการเดินทางของเราเลยแม้แต่นิดเดียวพบก็เอาไม่พบก็แล้วไปเนื้อแห้งของเราที่ติดมาด้วยพอกินไปได้อาทิ์เต็มๆ เ, เอาไว้ให้สเสบียงหมดค่อยว่ากันทีหลังหัวหน้าคณะให้ความเห็นมาแต่ถ้าได้เนื้อสดอย่างน้อยสักวันละมือ้อก็จะดีมากทีเดียวพวกเราต้องใช้กาลังกันอย่างมากโปรโตีนจากเนื้อสดจะช่วยได้เป็นอย่างดี นั่นเป็นข้อแนะนําในทางหลักวิชาแพทย์ของหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินซึ่งทุกคนจําเป็นต้องรับฟังอยู่เหมือนกันข้าวสุกทั้งสิบคนร้อมกินกันพร้อมหน้าโดยไม่มีการแบ่งวงมันแสดงถึงสัญญาณแห่งการร่วมเป็นร่วมตายให้ความเป็นกันเองอย่างสนิทสนมเสมอกันหมดพวกผ่านพื้นเมืองของรัปินสี่คนและแง่ทายมีอาการเกรงใจกระดากกระเดืองบ้างเล็กน้อยในครั้งแรกแต่แล้วก็สนิทใจขึ้นไม่ใช่ฐานอธิบายให้เข้าใจ ซึ่งทำให้มีความรู้สึกทั้งเคารพทั้งรักน้ำใจย mm ิ่งขึ้นเสร็จจากอาหารความหมายเพียงแค่รองท้องมือนั้นต่างนั่งพักสูส่ปุหรี่สนทนากันอยู่อีกครู่พอให้ข้าวเรียงเม็ดเห็นคุณกับขยินเคยบอกไว้ว่าเคยออกสำรวจเกินจากเขตรมช้างมาทางด้านขอบดงของนรกดำมาก่อนบ้างแล้วเหมือนกันชายันเอ่ยถามขึ้นเคยผ่านมาถึงตรงที่เราพักกันอยู่นี่บ้างไหม มันยังอยู่ในรัศมีที่ผมเคยสำรวจมาแล้วครับแต่เฉพาะด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเขาลูกนี้ผมยังไม่เคยได้ผ่านมาแล้วเขาก็หันไปสอบขยินอันเป็นเจ้าถิ่นส่งภาษากันอยู่ครู่จึงบอกต่อมาว่าขยินยังไม่เคยผ่านมาทางนี้เหมือนกันผมนันตัดทางมาครั้งนี้คนละทางกับครั้งที่เคยมาสำรวจด้วยตนเองคือในครั้งนี้ตั้งเข็มเพื่อที่จะให้ย่นทางให้ถึงเขาหัวแร้งโดยเร็วที่สุดนายหลางแง่ทาย หัวหน้าคณะหันไปทางคนใช้ชาวดงที่นั่งกอดเก่าสงบนิ่งอยู่ตอนที่นายตามหลังชดประชากรเข้าไปอย่างที่บอกไว้นายไปถึงไหนผ่านเขาหัวแร้งไปแล้วหรื อ, อยังแง่ทา ย, ายข้ามเขาหัวแร้งไปแล้วนายใหญ่เป็นคำตอบห้าวตามแต่กระแสเสียงเบารึผ่านช่องเขาขาดตัดป่าแดงไปอีกทั้งวันแล้วก็ผ่านเข้านรกดาไปอีกสี่วันสี่คืนแต่แล้วก็ต้องถอยกลับตามที่ได้เคยบอกไว้ แง่ทายบุกเข้าไปไกลกว่าผมมากครับแล้วผินบอกกับนายจ้างเบาๆเชิดาอัดควันบุหรี่ลึกตาจับนิ่งอยู่ที่คนใช้ชาวโดงแกมีอะไรเป็นแนวนำทางสำหรับการบุกติดตามไปในครั้งนั้นอดีตร้อยโทรกองโจรกระเดียงสันศรีรษะไม่มีเลยนายใหญ่แล้วแกเอาอะไรมาเป็นที่หวังในการออกติดตามเขาไปชายันซักถามต่อมาโดยเร็ ว, รวผมหวังแต่เพียงว่า นายชดกับนันอินออกล่วงหน้าไปก่อนเพียงห้าวันมุ่งไปทางเขาหัวแรงเป็นอันดับแรกจากคำบอกเล่าที่ได้รับทราบจากขยินผมก็เร่งฝีเท้าติดตามไปโดยคิดว่าอาจตามทันเมื่อไปถึงที่นั่นผมพบแต่เพียงหลักฐานบางอย่างที่พิสูจน์ได้ว่าทั้งสองได้ผ่านล่วงหน้าไปก่อนแล้วเท่านั้นหลักฐานอะไรครั้งนี้คณะนายจ้างทั้งสามคนและรพินถามขึ้นแทบจะพร้อมกันเป็นเสียงเดียว ที่โคนไม้ใหญ่ตีนเขา<ม>เนื้อลำห้วยเล็กๆลูกหนึ่งมีรอยก่อกองไฟหุงหาอาหารและพักนอนที่นั่นมีรอยเท้าย่ำอยู่ในลำห้วยแล้วก็มีรอยออกเดินทางต่อให้สังเกตเห็นได้เพียงระยะสั้นๆจากนั้นก็ไม่พบอะไรอีกเพราะดินแข็งทุกคนนิ่งกันไปชั่วครู่ผมคิดว่าถ้าแง่ายไม่รับอุปตวะเหตุถูกงูกัดเสียก่อนก็น่าจะตามสองคนนั่นได้ทันครับพรานใหญ่กล่าวอย่างไค ร, คร่กวน ก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาสำหรับการติดตามของเราในครั้งนี้เลยดารินพูดแผ่วเบาหลีตาลงสมมุติว่าแง่ท า, ายตามสองคนนั่นทันป่านนี้ก็คงพากันเดินทางเงียบหายเขากลีดเมฆไปหมดดีเสียอีกที่แง่ า, ายถอยกลับมาเสียก่อนและมาร่วมกับเราในครั้งนี้อย่างน้อยที่สุดก็ยังทำให้เราได้กระแสข่าวล่าสุดจากแง่ า, ายบ้างอย่างที่รับอยู่นี่ระหว่างที่เชษฐาและชายยานจมนิ่งอยู่ในห้วงคิด แล้วผินก็หันไปทางคนใช้ชาวดงตอนที่แกตามนายชดกับนานอินโดยมุ่งเขาหัวแร้งเป็นเป้าหมายแรกแกตัดมาทางด้านไหนแง่ท่ายก้มลงใช้กิ่งไม้เล็กๆขีดลงกับพื้นดินเป็นแผนที่ผมมาคนละทางกับที่เรากำลังมากันเดี๋ยวนี้ตัดไปทางตะวันตกแล้วตีวกขึ้นเฉียงเหนือที่ดอยหมีออกดอยไต่หน้าผาชันลัดขึ้นบนสันอีกเก้งพอไต่ขาลงอีฝ้าก็ถึงเขตขาหัวแรง้ง พรานใหญ่เม้มริมฝีปากหัวคิ้วขมวดจ้องหน้าหนุ่มกระเรียงในจอนขมิงถามต่ำๆ ต, ต, ต, ต่อมาโดยว่าใช้เวลาเดินทางสักเท่าไหร่ราวันเต็มๆผมออกจากกล่มช้างเช้าตรู่นอนบนสันอีเก้งพอตะวันขึ้นก็ถึงขาหัวแรงรพินยกหลังมือขึ้นขยี้ปลายจมูกแรงๆ แ, แล้วฝืนหัวระหือๆออกมาบังคับเสียงให้เป็นปกติความจริงแกก็ร่วมทางมาด้วยนะักแง่ทาย เมื่อเราเดินไกลขึ้นแกก็ต้องเดินไกลด้วยเหมือนกันทำไมแกไม่บอกฉันเสียแต่แรกว่ามันมีทางลัดที่ใกล้ประหยัดเวลาได้มากกว่าที่เราเดินกันมานี่ผู้กองไม่ได้ถามผมเป็นคำตอบแบบหน้าตายตามเดิมแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าผู้กองมีทางลัดที่ย่นทางได้ใกล้กว่าผมหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งถ้าเลือกไปทางที่ผมเคยไปแล้วมันอันตรายมากต้องตายหน้าผาสูงกว่าที่เราเคยผ่านมาแล้วทุกครั้ง ครั้งนั้นผมไปคนเดียวไม่มีของอะไรมากแต่คราวนี้เรามากันหลายคนสัมภาระก็มากลำเรียงไต่ผาชันสูงกว่า200หลาขึ้นไปไม่ได้หรือได้ก็อาจต้องเสียเวลามากพานใหญ่สส่หน้าช้าๆบ่นอะไรพรมยืนในลำคอเมื่อเชษฐาและชายยานถามมาเขาก็อธิบายให้ฟังเราควรจะย่นเวลาไปถึงเขาหัวแล้งได้อย่างน้อยก็4ี่ห้าชั่วโมงถ้าแง่ายไม่หุบปากของมันนิ่งไวจะไปหุดหิดเอากับแง่ายได้ยังไง มันเป็นความผิดของคุณเองที่ก่อนออกเดินทางมาทําไมไม่ถามเขาเสียก่อนทั้งๆ ท, ท, ที่ก็รู้อยู่แล้วว่าแง่ทรายเคยไปถึงเขาหัวแร้งมาก่อนแล้วเมื่อคุณเป็นผู้นําและเป็นผู้วางเข็มในการเดินทางโดยสิทธิ์ขาดแง่ทรายจะไปกล้าทวงหรือให้คําแนะนําได้ยังไงคุณอาจจะว่าเขาสู่รู้อวดดีก็ได้ถ้าเขาบอกเสียแต่แรกดารินออกรับแทนมาโดยเร็วพรานใหญ่หัวเราะหึ่อยู่เช่นนั้นเปล่า ผมไม่ได้หงุดหงิดอะไรเจ้าองครักภ์พิเศษของคุณหญิงหรอกครับเพียงแต่คิดว่าถ้าหมอนี่ให้ความร่วมมือกับผมอย่างเต็มใจและให้ดีที่สุดเหมือนเมื่อคราวยิงธนูติดระเบิดข้างูยักษ์นั่นละก็เราจะพ้นอุปสรรคไปได้อีกมากหญิงสาวยิ้มตาเป็นประกายพออกพอใจจับไปยังคนใช้ชาวโดงพยักหน้าพูดมาด้วยว่าก็ถ้าความจาเป็นสุดยอดมันมาถึงแล้วเขาขอร้องเราก็ต้องทาให้ได้นะเงายายนะ ตอนนี้มันยังไม่จําเป็นนักปล่อยผู้กองเขาฉายเดียวไปก่อนเขาเป็นกับตันเรือนี่เรามันเป็นเพียงแค่กระดาษสีเท่านั้นเรื่องอะไรจะต้องไปอวดฉลาดให้งโง่แง่าสายหลบตาหล่นแล้วนิ่งเฉยสงบงันอยู่เช่นนั้นชายยันก็สะกิดแขนเพื่อนสาวกระซิบมาได้ยินสองต่อสองว่าเธอทําไม่ถูกน้อยทําไมถึงพูดอะไรเป็นเชิงให้ท้ายเจ้าคนใช้ให้มันหมดความยำเกรงแข็งข้อต่อกับในพานนาทางของเราอย่างนั้น ดารินยักไหล ย, ยิ้มจืดๆแล้วเปิดภาษาเยอรมันเพื่อไม่ให้แง่สา ย, ยฟังเข้าใจว่าไม่ได้ให้ท้ายหรอกแต่สงสารที่ถูกคนขี้เบ่งคอยข่มขู่เล่นงานจับไว้จับพลิปอยู่เรื่อยบ้าแล้วจุดใต้ตำตอคนฟังเยอรมันออกดีที่สุดนั่งอยู่นั่นชายยันลืมตาโพรงร้องออกมาอย่างพาซือนักมนุษยาสาหัเราเสีงสยงใสไม่ได้ใ ต, ต, ต้ตำตอหรอก แต่เขาเรียกว่าจุดใต้สองตอทีเดียวแหละเจตนาโดยตรงที่จะให้นักเรียนนอกเยอรมันฟังออกและเข้าใจอดีตนักเรียนนายทหารจากเยอรม น, นีผู้กลายมาเป็นพรานภัยนิ่งอหูทวนลมพี่ชายหันไปมองหน้าน้องสาวด้วยสายตาตําหนิหล่อนจึงเบือนหน้าเป็นเสียทางอื่นยิ้มยิ้มอยู่ในทีสงบปากคําคคลงเอาละหัวหน้าคณะเดินทางเอ่ยมาเราไปถึงเขาหัวแรงเป็นใช้ได้เสียเวลาไปบ้านสักสี่ห้าชั่วโมงมันจะไกลนัก ผมเองก็ลืมนึกไปที่ถูกกวรจะให้แงซายนำไปจนกว่าจะถึงเขาหัวแร้งเสียก่อนเพราะหมอรู้ทางดีกว่าผมแต่หลวมตัวมาทางนี้แล้วก็ต้องเลยตามเลยคืนย้อนก็เสียเวลาเปล่าเพราะมันคนละทิศเลยนายยังจำได้แม่นยำอยู่หรือเปล่าที่ตรงไหนเป็นที่ซึ่งสองคนนั่งหยุดหุงหาหาและพักผ่อนอย่างที่บอกนะ่ะชายันถามเจ้าชาวดงผู้ลึกลับภายหลังนิ่งตึกตองอยู่อึดใจ แง่าสายก็ตอบอย่างระมัดระวังว่าผมคิดว่าพอจะจำได้ถ้างั้นดีแล้วเมื่อไปถึงขาหัวแรงแกนำพวกเราไปยังที่นั่นก่อนเราต้องการไปเห็นหลักฐานเหล่านั้นด้วยเชษฐาออกคำสั่งมาครึมๆึมแง่าสายก้มศรีรษะลงอย่างอ่อนน้อมและรับคำโดยสงบสำรวมระยะเวลาระหว่างนี้ดารินควักเข็มทิศออกมาพิจารณาอีกครั้งแล้วเลี่ยงเข้าไปนั่งใกล้พี่ชายเพื่อขอศึกษาสอบถามถึงการใช้เข็มทิศ ประกอบการเดินทางโดยสังเกตตามนิสัยของนักศึกษาอย่างร่อนเข็มทิศอย่างเดียวช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกถ้าหากไม่มีแผนที่หรือสถานที่ใหญ่ๆที่ใช้เป็นหลักในการเทียบเชื่อทาอธิบายกับน้องสาวเบาๆเข็มทิศจะบอกให้รู้เฉพาะทิศ ต, ต่างๆอย่างเดียวเท่านั้นแต่ไม่สามารถบอกให้เราเดินตรงไปยังจุดใดจุดหนึ่งในป่าทึบที่เราต้องการได้เว้นแต่จะมีแผนที่ประกอบอย่างที่บอกแล้ว แล้วถ้ามีแผนที่ประกอบนะคะเราจะใช้เข็มทิศยังไงดารินกระซิบถามชำเรลืองไปทางพรานใหญ่ผู้ขณะนี้กำลังนั่งคุยอยู่กับชายยันเด็กเกรงว่าเขาจะได้ยินจับได้ว่าหล่อนกำลังปรึกษ า, าหาหรืออะไรอยู่กับพี่ชายอันนี้ก็อธิบายยากเหลือเกินมันหนีหลักการคำนวณไปไม่พ้นรวมทั้งหลักความจริงที่น้อยจะต้องค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยพี่ชายบอกอย่างลาบากใจ ใช้ปลายมีดเดินป่าขีดลงกับพื้นให้น้องสาดูประกอบคําอธิบายสมมุติว่าเราจะเดินจากจุดกอไปยังจุดขอนี่หมายถึงว่ามีแผนที่อยู่ในมือเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นเราต้องหาทางคํานวณให้ได้ระยะใกล้เคียงกันก่อนว่าระหว่างจุดหมายทั้งสองห่างกันประมาณสักเท่าไหร่อันนี้เป็นหน้าที่ของแผนที่จะต้องระบุไว้หรือฉะนั้น ถ้าไม่ได้บอกไว้เราก็จะต้องกะเอาเองตามสายตาหรือส่วนประกอบแวดล้อมอื่นๆภายหลังจากได้ระยะทางแล้วก่อนจะออกเดินทางจากจุดกอเราจะต้องเอาเข็มทิศออกมาเทียบหาตำแหน่งให้ได้ว่าจุดกออยู่ทิศไหนและจุดขออยู่ทิศไหนเมื่อได้ทิศทางของจุดเริ่มต้นและจุดปลายทางแล้วเราจึงเริ่มต้นออกเดินการเดินในระยะนี้ย่อมเดินได้โดยอิสระคือสุดแล้วแต่ภูมิประเทศที่เราจะเดินไปได้ จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากลับหน้าหันหลังหันอย่างใดก็สุดแล้วแต่เพื่อความสะดวกในการไปทว่าที่สําคัญก็คือเราจะต้องมุ่งไปทางทิศ ท, ที่เข็มทิศได้ชี้ตําแหน่งเป้าหมายไว้ก่อนแล้วขณะที่เราตั้งไว้ก่อนเริ่มต้นออกเดินทางครั้งแรกระยะระหว่างที่เดินงมอยู่นี้ถ้าเกิดการสงสัยขึ้นเมื่อใดก็เอาเข็มทิศขึ้นมาสอบเทียบแล้วเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าเราเดินอยู่ในแนวทางของเป้าหมายหรือออกนอกแนวทางไปเท่าไหร่ โดยอาศัยคำนวณกับระยะทางที่เดินเข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วยเมื่อพบว่าออกนอกเส้นทางไปกี่องศาทางทิศไหนก็พยายามเดินย้อนกลับให้องศาคืนเข้ามาในทิศทางเดิมโดยวิธีบอกคร่าวๆนี่แหละเราก็จะไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้เท่าๆกับที่ถ้าจะย้อนกลับมาที่เก่าวก็ย่อมทําได้เหมือนกันคือสาวทิศมาตามเข็มที่บอกไว้ก่อนแล้วว่าจุดเริ่มต้นของเรานั้นอยู่ทิศไหนพอจะเข้าใจหรือ ย, ยัง ดาลินยิ้มแห้งแรงซอยปลือกตา ท, ทีตอบอ้อมแอมว่าก็พอจะเข้าใจค่ะแต่รู้สึกจะยุ่งยากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเป็นธรรมดาน้อยไม่ได้เรียนการใช้เข็มทิศประกอบกับแผนที่มาก่อนแต่ค่อยๆฝึกไปอีกหน่อยก็เข้าใจได้ดีเองสำหรับน้อยรู้สึกว่ามันมืดไปหมดต่อให้มีเข็มทิศอยู่ในมือก็ไม่มีทางจะไปยังที่หมายที่ต้องการได้เลยนอกจากจะรู้ว่าจะมุ่งไปทางใต้ออกหรือตกเท่านั้นสมมุตินะคะ สมมติว่าเราตั้งแคมป์ก่อนอยู่ที่นี่แล้วออกเดินทางไปประมาณสองสาชั่วโมงเราจะใช้เข็มทิศช่วยยังไงถึงจะให้เดินย้อนกลับมาถึงที่ตั้งแคมป์ของเราตรงนี้ได้ตรงเผงป่ามันกว้างและทึบไปหมดและทิศที่เข็มจะชี้ให้ได้มันก็ชี้กว้างๆจริงอยู่เราอาจย้อนกลับมาถูกทิศแต่ห่างจากที่เดิมไปตั้งกิโลเมตรเราก็ค้นไม่พบแคมป์อยู่นั่นเองนี่พูดถึงคนไม่ชำนาญเส้นทางมาก่อนโดยใช้เข็มทิศช่วยอย่างเดียว น้อยงงหรือเกินพี่ชายยิ้มให้อย่างปลาหนีเอื้อมมือมาตบไหล mm hmm. พี่ก็บอกแล้วอย่างไงว่ารำพังเข็มทิศอย่างเดียวโดยไม่มีแผนที่หรือสถานที่ใหญ่ๆอันเป็นเป้าหมายสำคัญที่เราจะใช้ยึดเป็นหลักมันก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันในกรณีที่น้อยสงสัยและถามมานี่พี่จะอธิบายให้ฟังดังนี้สมมุติว่าน้อยจะออกเดินอย่างอิสระไปจากแคมป์ที่เราตั้งอยู่นี่ และต้องการจะย้อนกลับมาให้ถึงที่เก่าโดยไม่หลงแรกทีเดียวน้อยต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงเสียก่อนว่าแคมป์ที่เราตั้งพักอยู่นี่นะ่ะมันเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับป่าใหญ่เราจะเอาบริเวณตั้งแคมป์ของเราเป็นเป้าหมายที่กำหนดไม่ได้แต่จะต้องอาศัยเป้าหมายที่เด่นชัดประกอบก่อนเดินออกไปสังเกตให้ดีและจาให้แม่นเสียก่อนว่าตรงที่เราตั้งแคมป์อยู่มันใกล้เคียงกับอะไรให้กาหนดได้บ้างเป็น ต, ต้นว่าเนินเขา ชายทุ่งลักษณะของต้นไม้ใหญ่ที่เห็นชัดบางประเภทหน้าผาหรือลำห้วยชนิดที่ถ้าเราย้อนกลับมาถึงในลัศมีใกล้เคียงเราจะต้องจำได้ทีนี้พอเริ่มต้นออกเดินทางทันทีที่ก้าวพ้นไปจากแคมป์ดูเข็มทิศให้แน่ใจว่าเมื่อเราหันหลังให้แก่แคมป์นั้นที่ตั้งแคมป์เรามันอยู่ทางทิศไหนจากนั้นก็ออกเดินไปจะไปทางไหนก็สุดแล้วแต่ใจ แต่ตลอดเวลาเรารู้แล้วว่าแคมป์ของเราอยู่ทางด้านไหนโดยอาศัยดูจากเข็มทิศ ท, ที่กําหนดไว้ก่อนเวลาเดินก็ไม่ใช่เดินเลื่อยเจ๋ยส่งเดชเฉยๆจะต้องคํานวณรู้ระยะทางที่เดินมาแล้วรู้ได้ว่าเรากลับทิศกลับทางไปทางด้านไหนแล้วบ้างระยะสักเท่าไหร่เมื่อจะกลับก็เอาเข็มทิศออกมาดูเข็มจะชี้บอกเราทันทีว่าตําแหน่งที่ตั้งแคมป์นั้นอยู่ทางด้านไหน บางทีเราอาจงงแทบไม่เชื่อเอาเสียได้ซ้ำว่ามันไม่น่าจะไปอยู่ทางด้านนั้นด้านนี้เพราะเราคิดเอาตามประสาสัมผัสของตนเองว่ามันควรจะอยู่อีกด้านหนึ่งเป็นต้นว่าคิดว่าควรจะอยู่ข้างหลังของเราเพราะเราออกเดินมานั้นเราหันหลังให้เป็นบริเวณแคมป์แต่เหตุไรเวลาจะกลับเข็มทิศจึงชี้บอกว่ามันอยู่ทางด้านหน้าหรือซ้ายขวาของเราอย่างนี้เป็นต้นที่เป็นอย่างนั้นแสดงว่า ระหว่างที่เราเดินวกไปเวียนมานั้นเราได้หันหน้ากลับมาอย่างทิศทางเดิมนั่นเองวกวนเสียจนเราเองก็จําไม่ได้เมื่อสาวทางกลับมาตามเข็มทิศที่บอกไว้แน่นอนที่สุดในข้อที่ว่าจะให้มันกลับมาตรงเพลิงอย่างที่ตั้งแคมป์ซึ่งเป็นจุดเล็กนิดเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้ก็เพียงสามารถย้อนกลับเข้ามาอย่างละแวกใกล้เคียงเท่านั้นจากนั้นเราก็อาศัยสังเกตด้วยตาและความจําเอาเอง โดยจุดหมาย ต, าต่างๆที่บอกไว้แต่แรกว่าคือพวกต้นไม้ภูเขารำห้วยอะไรเหล่านี้แล้วเราก็จะกลับมาถึงจุดเล็กๆที่เราตั้งแคมป์อยู่ได้นักมานุษย์วิทยาสาวผู้กำลังเรียนเข็มทิพย์มีสายตาที่สว่างขึ้นพยักหน้าช้าๆคลางออกมาอ๋อพอเข้าใจดีขึ้นแล้วค่ะสงสัยมาตั้งนานแล้วว่าเข็มทิพย์อย่างเดียวมันจะช่วยให้เราเดินกลับแคมป์ได้ยังไงน้อยทดลองดูตั้งหลายครั้งแล้วตอนที่ออกเดินจากแคมป์ เอาเข็มทิศติดไปด้วยแต่พอจะเดินกลับเข้าจริงๆเดินไม่ถูกเลยมันมืดไปหมดเลยคิดเอาตามความรู้สึกในขณะนั้นว่าควรจะไปทางนั้นทางนี้แต่แล้วก็ไม่ถูกสักอย่างอยู่ๆพรานใหญ่ก็นำโปรพรวดออกมาถึงแคมป์แล้วโดยไม่รู้ตัวพยายามจะจับเคล็ดอยู่เท่าไหร่ก็จับไม่ได้นั่นแต่ว่าน้อยไม่รู้จักสังเกตจุดใหญ่ๆ ใ, ใกล้เคียงกับบริเวณแคมป์เราไว้ก่อนถึงแม้จะเดินเฉียดใกล้เข้ามาแล้วก็ยังจาไม่ได้ จึงพบว่าตัวเองเดินตามพานกลับมาถึงแคมป์โดยไม่รู้ตัวหรือบางทีจะเห็นได้ว่าเราออกเดินไปทางด้านซ้ายของที่ตั้งแคมป์แต่แล้วเวลาขากลับโผล่กลับออกมาทางด้านขวาเป็นต้นนี่แปลว่าระหว่างที่ท่องป่าอยู่เราไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงหากจะเดินอ้อมรอบบริเวณที่ตั้งแคมป์เป็นวงกลมเลยทีเดียวโดยไม่รู้ตัวและที่พานนํากลับมาได้ถูกก็หมายถึงว่าไม่ว่าจะเดินเฉออกไปทางไหนเขารู้อยู่ทุกขณะกําหนดไว้ถูกต้องแม่นยําว่า แค้มอยู่ทางทิศไหนนั่นเองนี่พูดถึงพวกชำนาญในด้านเข็มทิศแต่ถ้าผ่านพื้นบ้านไม่รู้จักเข็มทิศมาก่อนเขาก็กลับมาได้โดยอาศัยความจําและความชํานาญนั่นเองแต่ถึงอย่างไรพวกนี้ก็ต้องอาศัยตะวันช่วยซึ่งก็หมายถึงต้องอาศัยทิศอยู่เหมือนกันพวกนั้นมีวิธีสังเกตตะวันตามวิธีของเขาซึ่งเราควรได้เปรียบกว่าเพราะมีเข็มทิศช่วยอยู่แล้วบอกได้ทันทีทิศไหนเป็นทิศไหนไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืน ดารินชำเรืองไปทางพรานใหญ่อีกครั้งอย่างระมัดระวังเห็นเขาพูดอยู่กับชายยานตามเดิมโดยไม่ได้หันมาสนใจด้วยก็แอบพูดกับพี่ชายต่อไปตา ย, ยังจับอยู่ที่เข็มทิศในมือตอนที่เริ่มต้นออกจากลมช้างน้อยก็ดูเข็มไว้แล้วเหมือนกันพบว่าที่ตั้งลมช้างอยู่ทางตะวันออกและเขาหัวแรงอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือแต่ชั่วโมงที่แล้วมันนี่เต็มเต็มพรานใหญ่นําเราบ่ายหน้าขึ้นมาทางตะวันออกโดยตลอด นี่แปลว่าเขานำย้อนกลับไปยังหล่มช้างตามเดิมหรือคะเชษดาหัวร้อบเบาๆมองดูน้องสาวด้วยความปานีรักข่ถึงแม้จะไม่มีความรู้ในเรื่องการใช้เข็มทิศมาก่อนดารินก็เป็นคนรอบครอบช่างสังเกตไม่ใช่น้อยถูกแล้วเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วมันนี่เองและพินนำขึ้นตะวันออกมาตลอดนั่นหมายถึงว่าเขาอ้อมทางเพื่อความสะดวกในการเดินไม่มีปัญหาถ้าจะถือกันตามทิศทางแล้ว หากยังเดินมุ่งตะวันออกเช่นนี้ต่อไปเราจะต้องทะลุกลับไปยังหล่มช้างหรือบริเวณใกล้เคียงนั่นเองแต่น้อยต้องไม่ลืมว่าเราออกเดินทางมาแล้วทั้งหมดเป็นเวลาเท่าไหร่ระยะเวลาส่วนมากมันมุ่งไปทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่งจะมุ่งตะวันออกพระเบี่ยงเส้นทางเอาเพียงชั่วโมงเดียวมานี้เองดีแล้วที่น้อยสังเกตได้อย่างนี้ประเดี๋ยวพอเริ่มต้นออกเดินทางให้คอยสังเกตเข็มทิศไว้ใหม่แล้วจะเห็นเองว่า เขาจะนำไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามเดิมถ้าผิดสังเกตอย่างที่พี่ว่านี่ก็แปลว่าเราไม่มีวันถึงเขาหัวแรงนอกจากเตลิดเปิดเปิงไปทางอื่นอีกอย่างหนึ่งที่จะถือเป็นหลักพิสูจน์ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใกล้เขาหัวแรงเข้าไปจนมองเห็นด้วยตาเปล่าถนัดน้อยจุงเอาเข็มทิศออกมาดูอีกครั้งจะเห็นว่าเข็มชี้ไปทางขาหัวแรงต้องเป็นตะวันตกเฉียงเหนือ อันเป็นทิศทางเดียวกับที่มันชี้บอกไว้ตอนที่เราออกจากกลมช้างนั่นแหละไม่มีผิดไปหรอกน้องสาวยิ้มออกมาอย่างยินดี พ, พึมพำโชคดีเหลือเกินที่พี่ใหญ่มีความรู้เรื่องเข็มทิศเป็นอย่างดีพอแนะสอนให้น้อยได้ไม่งั้นน้อยคงมืด อ, อยู่นี่เองแต่พานนั่นไม่เคยสอนน้องในเรื่องนี้เลยก็เขาจะสอนได้ยังไงล่ะในเมื่อเราอวดรู้เป็นหมดเสียทุกอย่างพี่ชายว่ายิ้มยิ้ม พักการเพียงส5้านาทีรพินก็ให้สัญญาณออกเดินต่อไปอย่างแข่งกับเวลาขณะที่ทุกคนพร้อมพรานใหญ่สอบถามเวลาจัดชายยันและพูดจาหารือเบาๆกับขยินและบุญคำอยู่อึดใจจากนั้นจึงเริ่มออกเดินนำดารินรอบเทียบเข็มทิศอีกครั้งก็รู้สึกด้วยความพิศวงว่าเขานำบ่ายหน้าขึ้นตะวันออกอยู่ตามเดิมแต่หล่อนก็ไม่ได้ปีก ป, ปากคาใดป่าโลง มองเห็นท้องฟ้าบริเวณจำกัดอยู่อีกเพียงครู่เดียวก็มุดเข้าดงทึบกันอีกตามเคยการเดินในระยะหลังรอบบ่ายนี้แต่ละคนแทบจะไม่มีโอกาสได้พูดจาคาใดกันอีกเลยนอกจากการตั้งหน้าตั้งตาเดินถ่ายเดียวจากการสังเกตันรอบคอบทุกระยะของเชษฐาเขาบอกกับตนเองว่าพอจะจับวิธีเดินของพรานใหญ่รบพินได้เป็นเล่าๆนั่นก็คือจะไม่เดินเฉียดเข้าไปใกล้พุ่มไม้ทึบที่สํารวจมองเห็นอะไรไม่ถนัด โคนไม้ใหญ่หรือจอมปลวกเลยนอกจากจะเลี่ยงผ่านไปในระยะห่างและทุกครั้งที่ผ่านจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเสมอโดยจับสายตาสังเกตอยู่ที่นั่นตลอดเวลาและกระชับปลายเฟิลเตรียมพร้อมไม่มองเฉพาะในระดับพื้นเท่านั้นหากแต่มองสูงไปตามกิ่งไม้เหนือศีรษะด้วยทุกระยะมันแสดงถึงความชนานาญคุ้นเคยดีกับภัยป่าที่มักจะมีมาถึงได้โดยไม่รู้ตัวเสมอและก็ไวทายา ครั้งหนึ่งระหว่างพากันเดินลอบไปในําห้วยอันคดเคี้ยวก่อนจะหาทางขึ้นได้จอมทานผู้เดินนําอยู่เบื้องหน้าด้วยอาการปกติทันใดนั้นก็เพ่นหวือไปเบื้องหน้าสุดตัวพร้อมกับร้องเตือนผู้ที่สุดเท้าตามหลังมาว่าระวังงูก่อนที่ใครจะทันรู้สึกอย่างใดชายยานผู้ย่ํา ส, สวบสวบตามมาเป็นคนที่สองก็เหยียบลงไปบนกลางลําตัวของงูกระปะตัวหนึ่งที่ดิ้นพวดพลาดอยู่ในหลุมรอยตีนช้าง มันแหวงงับติดหลังเท้าอดีตนายทหารปืนใหญ่แน่นชายยานร้องลั่นอย่างตกใจสลัดเท้าออกไปโดยแรงแต่มันจะหลุดก็หาไม่คงฝังเขี้ยวติดอยู่เช่นนั้นโชคดีเหลือเกินที่รองเท้าของชายยานเป็นแบบท็อปสูงหนังหนาเกินกว่าที่เขี้ยวของมันจะฝังทะลุลงไปได้ดาดินผู้ติดหลังมาเพ่นตัวลอยหลบไปยังอีกฝั่งหนึ่งของลำห้วยด้วยสัญชาตญาณอันว่องไวผสมกับความหวาดกลัวขยักขยง เชิดาโจรเข้ามากระทึบลงไปกลางลำตัวของมันด้วยรองเท้าพื้นหนาของเขาขยี้ส่วนหัวแหลกติดดินหลุดจากรองเท้าของชายยันมาได้เกิดตื่นเต้นโอระเวงกันไปทั้งขบวนชั่วขณะหนึ่งแล้วพีนเป่าลมออกจากปากโครงศรีรษะช้าๆมองดูชายยันผู้ยืนหน้าซีดด้วยความขันและคนตื่นตกใจเล็กน้อยค้อดีแท้ๆที่คุณชายยันสวมทอบหนังหนาไม่งั้นละยุ่งใหญ่ทีเดียวผมใจหายหมด ไปยังไงมายัางไงกันนี่ทีแรกมันอยู่ตรงไหนเชิถาถามเตะซาก ง, งูเข้าริมทางไปขอดอยู่ในรอยตีนช้างนั่นแหละครับผมเหยียบเข้าก่อนเป็นคนแรกแล้วไม่ทันดูพอรู้สึกว่าเหยียบงูผลก็เลยเพ่นคุณชายยันเดินตามมาเป็นคนที่สองก็เลยได้จังหวะกัดของมันหัวหน้าคณะหัวเราะเบาๆตบไหล่สหายของเขาผู้ยืนสบถสาบานอกสัน่นขวแขวนอยู่ระวังหน่อยชยยัน แะเดินตามหลังแล้วพินเป็นคนที่สองงูที่ถูกเหยียบมันมักจะ ก, กัดคนที่เหยียบมันเป็นคนแรกไม่ทันถ้าหากเพ่นเสียก่อนแต่คนที่เดินตามหลังมาเป็นเจอแน่มัวจะเต้นเหยงเหยงร้องอยู่ได้ทำไมไม่เอาส้นปืนกระแทกมาลงไปปุถุโธพอก้มลงมองเห็นเป็นงูงับติดหลังเกลือดก็ขนลุกไปหมดทั้งตัวแล้วขยะขยงจะตายโง่ชัายยานเบ้ ป, ปากทำตัวเสยวียวยกเท้าข้างนั้นยันกับราวไม้แล้วก้มลงพิจารณาดูอีกครั้ง เหมือนจะไม่แน่ใจว่าคมเขี้ยวของอสารพิษร้ายฝังทะลุเข้าไปถึงเนื้อหรือเปล่าเล่นเอาตัวรอดคนเดียวนี่มีอย่างหรือตัวเองเหยียบไว้แล้วปล่อยให้คนข้างหลังถูกกัดความจริงควรจะเห็นก่อนและเตือนให้พวกเรารู้ทันหรือไม่งั้นก็กระทืบมันให้ตายเสียก่อนเลยดารินต่อว่ามาพรานใหญ่หัวเราะแห้งๆยกมือขึ้นป้ายเหงื่อสลัดตอบอ่อยๆผมต้องขออภัยครับไม่เห็นมันจริงๆ เหยียบลงไปแล้วถึงรู้ว่าเป็นโงพอร้องบอกก็พอดีคุณชายยันเหยียบสูดลงไปดีแล้วล่ะที่ให้มันกัดชายยันเพราะรองเท้าหนากัดไม่เข้าถ้าคุณเผ็นไม่ทันมันกัดคุณเข้าแล้วก็แย่ทีเดียวลำพังรองเท้าพอบ่าอย่างคุณมันกัดถึงเนื้อแน่เชียวถาว่าแล้วโบกมือให้ออกเดินต่อทั้งหมดเริ่มเคลื่อนขอบวนต่อไปภายหลังจากเกิดอุปตวะเหตุตื่นเต้นเล็กน้อยนั้น ชายยันเลยตกลงมาเป็นคนที่สี่โดยเชษฐาขึ้นไปแทนที่เป็นคนที่สองถัดจากระพินคราวนี้เขาก้มดูพื้นตลอดเวลาเพราะความเสียวน้อยหวังว่าคงไม่ลืมติดเซรั่มมาด้วยนะเพื่อนชายถามมาเบาๆอย่างใจไม่ดีเซรั่มนั่นหมีหลอกแต่ไม่รู้จะช่วยได้สักแค่ไหนเพราะเป็นเซรั่มชนิดรวมและถึงแม้เซรั่มจะช่วยไว้ได้ก็ลําบากทีเดียว มีหวังต้องนอนหรือไม่ก็พิการเป็นเวลานับอาทิตย์กว่าจะหายเป็นปกติไม่ใช่พอถูกกัดฉีดยาแล้วจะแข็งแรงได้เหมือนเดิมในทันทีเมื่อไหร่บอกกล่าวซสียก่อนใครเป็นอะไรก็พอรับไว้อยู่แต่สำหรับงูนี่ขอทีทุกคนต้องระวังให้มากอย่าให้ใครไปถูกกัดเข้าเป็นอันขาดบุญคำหาบคู่กับจันเดินเลียงตามหลังช ย, ยันมาหัวเราะเอิ๊กออกมา เดินตามหลังพานใหญ่ต้องไวครับนายทหารแกเพี่ยนเราก็ต้องโจรตามด้วยช้าไม่ได้อีกแบบเดียวกันนี่แหละไอ้จันโดนเข้าทีหนึ่งแล้วที่ห้วยแม่เลิงปีก่อนนี้ทําไมเหรอก็เดินกันไปตามลําห้วยแห้อย่างนี้แหละครับพานใหญ่เดินหน้าไอ้จันเขาตามหลังเดินไปได้พักใหญ่พานใหญ่ก็กระโดดร้องงูไอ้จันก็ก้าวสวบซ้ารอยลงไปพอดีจุบเดียวเท่านั้นลงไปนอนตัวหงีกร้องลั่นห้วย ไอกระปะคางเหลี่ยมอย่างนี้เหมือนกันหมูป่ามันกัดขาดไว้ครึ่งตัวพานใหญ่เหยียบเข้าก่อนแล้วมันกัดไม่ทันไม่รู้แกมีดีอะไรเหยียบงูนับครั้งไม่ถ้วนไม่เคยกัดแกได้สักทีคนเดินหลังเจอเข้าทุกทีไปอ้าวแล้วยังไงจันถูกกัดแล้วทํายังไงเอาอยาที่ไหนฉีดชายยานถามโดยเร็อย่างตกใจจะเอาอยาที่ไหนกันครับนายทหารรักษากันไปตามเรื่องเอาผ้าคมา้าขันเชนาะขาข้างที่ถูกกัด ช่วยกันแบกกลับปางพักโชคของอาจารย์จะไม่ตายแต่เท่าเสาตาเอหัวหน้ากะเหลี่ยงฟากโน้นตามช้างงาผ่านมาพอดีเข้ามาขอแบ่งข้าวสารรู้เรื่องไอาจันถูกงูกัดแกก็เลยเอายาของแกที่ติดยามมาด้วยดูดปากแผลตรงที่เขี้ยวงูกัดถอนพิษออกมาได้ไอ้จันรอดตายแต่นอนขาบวมอยู่ร่วมเดือนถึงเดี๋ยวนี้ขามันก็ยังเป๋ๆอยู่เพราะถูกงูกัดคราวนั้นถามมาดูเองเหอะ จริงครับนายทหารจันถูกกัดมาแล้วจันผู้หาบอยู่ทางด้านหลังของบุญคำรับคำยืนยันมาดารินได้ยินการคุยการข้างหลังได้อย่างถนัดโดยตลอดก็ถามมาว่ายาอะไรกันที่ว่าช่วยจันท์ไว้ได้นะ่ะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับมันเป็นแท่งดำๆยาวสักเท่านิ้วชี้ได้เอาชุบน้ำเปียกๆแล้วตั้งตรงปากแผลตรงรอยเคี้ยวเดียวเยวท่านั้นปากแผลดูดยาแท่งนั้นติดเดเลย มันติดอยู่สักร่วมชั่วโมงก็หลุดออกซอตายเอเอายาแท่งนั้นไปแช่ในน้ําออกเป็นสีเขียวๆแกบอกว่าเป็นพิษงูที่ยาดูดออกมาแล้วคายออกในน้ําจะรอดตายเพราะยาแท่งนั้นอืมแปลกมากเป็นยาที่วิเศษกว่าเซรั่มทีเดียวแหละถ้าเป็นอย่างที่ว่านั่นดาลินร้องออกมาด้วยอาการตื่นตื่นประหลาดใจยิ่งแล้วก็ถ่ายทอดให้พี่ชายผู้เดินอยู่เบื้องหน้าทราบถึงการคุยของพวกที่เดินอยู่ข้างหลัง เชษฐาสอบซักต่อไปยังพรานใหญ่ผู้เป็นหัวแถวก็ได้รับคำตอบเปรียร้ยวว่าจริงครับคุณชายยาแก้พิษงูของจอตายเอขนานนั้นศักดิ์สิทธิ์จริงๆตอนนั้นผมก็นึกว่าจันเสร็จแล้วเหมือนกันโชคดีที่ตานั่นผ่านมาพอดีได้ช่วยไว้รู้ไหมมันเป็นยาที่ประกอบขึ้นด้วยอะไรเชษฐาเต็มไปด้วยความสนใจผมคิดว่าคงจะเป็นพวสมุนไพรครับแต่มันดาสนิทเหมือนถ่านสุกสุกปร่งโปร่ง ลักษณะคล้ายฐานหินนั่นแหละน้ำหนักเบาๆตานั่นบอกว่าได้ตกทอดมาจากพ่ออีกทีหนึ่งในว่าบรรพบุรุษหลายชั่วคนแล้วได้มาจากพระทุดงเจ้าของเล่าว่าช่วยคนถูกงูกัดมาเสียนักต่นักแล้วแกติดตัวอยู่เสมอเวลาเดินป่าเอของดีนี่ทำไมคุณไม่ขอปประละแบ่งตานั่นไว้บ้างละ่ะพรานใหญ่หัวเราะผมก็ขอแบ่งแกเหมือนกันเลยครับ แต่แกบอกว่ายาแท่งนั้นมีขนาดความยาวของมันได้พอดีสำหรับที่จะใช้ดูดพิษงูอย่างได้ผลถ้าตัดให้สั้นลงก็จะไม่มีกำลังดูดพิษได้ศักดิ์สิทธิ์พอจึงตัดแบ่งไม่ได้ถ้าผมจะเอาแกก็ต้องให้ผมทั้งแท่งเลยผมก็เลยไม่อยากหักคอแกเพราะรู้ว่าแกห่วงมากแห้น่าเสียดายนะถ้ามันศักดิ์สิทธิ์ได้ผลจริงอย่างว่านี่แล้วก็คุณน่าจะหาทางขอแกมาให้ได้แม้ว่าจะมีการซื้อหรือแลกเปลี่ยนอะไรกันบ้าง ของแบบนี้จะไปหาได้ที่ไหนขอแนะนำว่าถ้าเจอตานั่นอีกเมื่อไหร่หาทางปลอกเอาให้ได้เถิดชายยันร้องบอกมาจากเบื้องหลังอย่างกระตือรือร้นมันดูดติดกับปากแผลที่ถูกงูกัดเลยหรือดาลินซักมาอย่างไม่ไวายกังขาครับข้อนี้ผมยืนยันได้เพราะเห็นมากับตาแต่ไม่ใช่ปากแผลตรงเคี้ยวงูเฉย วิธีใช้ยาต้องเอามีดแหวะปากแผลให้เปิดกว้าง่อให้เลือดไหลออกมาแล้วเอายาแตะตรงแผลนั้นมันดูดแท่งยาติดแน่นเลยเหมือนปิงเกาะอาการโดยทั่วทั่วไปของจันเป็นอย่างไรบ้างหลังจากนั้นฉันหมายถึงว่าภายหลังจากที่ยาได้ดูดเอาพิษงูออกจนกระทั่งหลุดจากปากแผลไปเองอะตอนที่หามจันกลับมาถึงแคมป์จันทน์พิษไม่ไหวสลบไปแล้วชีพจรและหัวใจเต้นอ่อนเต็มที 9กซผมว่าตายพอซอตายเอเอายาแท่งนั้นดูดแผลให้จนแท่งยาหลุดออกจากปากแผลเองจันก็ค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นแต่ยังมีอาการปวดบวมเหลืออยู่ต้องรักษาตัวกินยารากม้าอยู่เกือบเดือนกว่าจะหายน่าจะเอามาวิเคราะห์แยกธาตุหรือเกินว่ามันเป็นสารหรือสมุนไพรพวกไหนที่มีคุณสมบัติในการดูดพิษได้อย่างชงัดถึงเพียงนั้นวงการวิทยาการแพทย์ปัจจุบันยังค้นกันไม่พบเลย หล่อนเอ่ยออกมาเหมือนจะพูดกับตัวเองชายยันก็สะกิดหลังขัดมาว่าอย่ามั่นเป็นนักวิเคราะห์หรือวิจัยอะไรในป่าดีกว่าเรื่องยาดูดพิษงูน่ะมันยังเรื่องเล็กธรรมดาสามัญเหลือเกินถ้าจะเปรียบเทียบกับความรีไรับมหาจรจั์ต่างๆที่เราเจอกันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนขืนแกทำตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็มีหวังบ้าตายอยู่ในป่านี่แหละหลายตัวหลายอย่างมาแล้วที่นักวิทยาศาสตร์อย่างเธอวิเคราะห์ไม่ถูกยังไม่เข็ดอีกหรือ อืมจริงนักวิทยาศาสตร์รับออกมาอย่างง่ายดายเป็นครั้งแรกพร้อมกับยิ้มเจริญแต่ที่อยากได้มาวิเคราะห์ก็เพราะเห็นว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องรีรับมหัศจรรย์อะไรเกินไปนักนะสิยาชนิดนั้นจะเป็นสมุนไพรหรือสารอะไรสักอย่างหนึ่งอาจเป็นสารเชิงเดี่ยวหรือมิฉะนั้นก็เชิงประกอบถ้าเราแยกออกไปได้ว่าอะไรเป็นอะไรมันจะเป็นประโยชน์ในวงการแพทย์มากว่าแต่นี่นายพรานคุณมีดีอะไรนะ เห็นบุญคำบอกว่างูไม่เคยกัดคุณเลยทั้งๆที่คุณเหยียบมันหลายครั้งแล้วคนอื่นตามหลังโดนเข้าทุกทีพรานใหญ่หัวร้อขันๆในคำถามของหลอนก็มีดีอีตอนกระโดดหนีได้เร็วยังไงล่ะครับแต่จะว่างูไม่เคยกัดผมก็ไม่ถูกตอนสมัยเด็กๆผมเคยถูกงูกัดเหมือนกันเพราะไปจับมันเล่นจับงูเล่นดาดินร้องครับ บ้างูมันไม่ใช่สัตว์ที่น่าพิสมัยถึงขั้นจะจับเล่นเลยนี่นาถึงเด็กก็ควรจะรู้ก็ถึงว่านะสิครับแต่ทำยังไงได้เด็กกำลังซนไม่กลัวอะไรสักอย่างกลับเห็นเป็นของสนุกแล้วมันกัดเข้าไม่แทบตายไปหรือไม่แทบตายหรอกครับจักะจี้ดีงูอะไรของคุณกันกัดแล้วจักะจี้งูเขียวป่าจิ้งจบครับคุณหญิงเคยเห็นหรือเปล่า ตัวเล็กๆอ่อนไปอ่อนมาสีเขียวสดเหมือนกิ่งไม้ที่เกาะ อ, อยู่ตามร้วผู้ะหงหรือตามพุ้มไม้เล็กๆนะ่ะปากมันแหลมแหลเหมือนจิ้งจกอ๋้รู้จักทําไมมือแบบนั้นไม่มีพิษกัดไม่เจ็บปวดไรหรอกเลอมันไม่มีพิษไม่มีอันตรายไรหรอกครับจิ้งจกยังกัดเจ็บเสียกว่าตามปกติติแล้วมันก็ไม่อยากจะกัดใครถ้าไม่ถึงกับเอานิ้วเข้าไปแหย่เล่นในปากมันหรือบางทีแย่ให้กัดก็ยังไม่กัดเลย มันจะโมโหขึ้นมาทันทีถ้าไปแกล้งมันอย่างหนึ่งคือมันเกลียดขี้ควายเป็นที่สุดเด็กเท้องนาหรือเด็กตามชนบททั้งหลายมักจะรู้นิสัยของมันในข้อ น, นี้ดีก็เลยเอามาเป็นการเล่นสนุกดาลินหน้าตื่นงงหมายความว่ายังไงทําไมมันต้องถึงเกลียดขี้ควายและการเกลียดขี้ควายของมันที่ว่าทําให้เด็กเล่นสนุกนะเป็นยังไงก็ถ้าจับมันมาได้สักตัวหนึ่งเราก็เอามันทิ่มหัวลงไปในกองขี้ควายสิครับ พอมันดิ้นหลุดขึ้นมาจากขี้ควายได้มันจะเลื้อยไล่ไม่เลือกหน้าสุดแล้วแต่จะอยู่ใกล้แล้วก็วิ่งหนีกันเป็นที่สนุกสนานพอมันเลิกไล่เราก็จับมันเอาหัวไปตัดขี้ควายใหม่ให้มันไล่อยู่แบบนี้สนุกดีเมื่อสมัยผมเด็กๆผมก็เล่นอย่างนี้แหละไม่มีของเล่นอย่างลูกผู้ดีมีเงินเขาก็เลยต้องเล่นโดยวิธีเอางูเขียวหมกขี้ควายแล้ววิ่งหนีให้มันไล่เฮเฮกันได้ทั้งวันตามภาษาเด็กวัดบ้านนอก เรื่องจริงหรือเปล่านี่มีอะไรพิสดารมาเล่าให้ฟังอีกแล้วไม่เชื่อคุณหญิงก็ลองดูสิครับแปลกนี่ทำไมมันถึงต้องไล่เฉพาะเวลาเอาหัวมันไปจิ้มขี้ควายด้วยหล่อนร้องออกมาพร้อมกับหัวเราะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเรื่องนี้เห็นทีนักวิทยาศาสตร์จะต้องวิจัยเสียอีกแล้วกำมังแต่รับรองได้ว่าถ้าวิจัยเรื่องนี้เป็นได้พบความจริงอย่างที่ผมบอกนี่แน่ๆ เรื่องงูเขียวป่าจิ้งจกกับขี้ควายนี่เด็กๆตามบ้านนอกรู้ดีกันทุกคนหละครับเด็กชาวกรุงมัวแต่เล่นสเก็ตเล่นโบลิง่ง ต, ตุ๊ต ก, กตาตุ๊กตาหรือเครื่องเล่นอันเป็นพวกจากรกลทั้งหลายก็เลยไม่รู้วิธีเล่นของเด็กบ้านนอกมีเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับสารพัดสัตว์มาเล่าให้ฟังไม่รู้จักหมดสิ้นนะเรานี่ยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยมีความรู้มาก่อนเลย ก็ผมหารับประทานอยู่กับสัตว์อีกฝ่ายบอกมาอ่อยๆการสนทนาโต้ตอบไปตามทางข้ามไปข้ามมาระหว่างเชื้อทาผู้เดินอยู่กลางการเดินท่องไปตามลำห้วยอันสะดวกกว่าบุกไปตามพงทําให้ทั้งคณะที่เดินเรียงแถวเดียวตามกันเป็นขบวนสามารถพูดคุยกันได้ถนัดขึ้นและบรรยากาศผ่อนคลายความตึงเครียดลงสอนิสัยเห็นมาแต่เด็กๆทีเดียวว่าชอบปังแกสัตว์ แม้กระทั่งงูเขียวเขี้ยวขอก็ไม่ยอมัะเว้นอุตส่าห์ไปจับมันมาทรมานเล่นอ้าวแล้วกันเล่าให้ฟังดีๆถ้าฉันเป็นผู้ใหญ่และบังเอิญเห็นเด็กซนไม่เป็นเรื่องคนนั้นกำลังจับงูเขียวหัวทิ่มขี้ควายอยู่แล้วก็คงมาร่วมวงสนุกด้วยเปล่าจะจับเด็กวัดคนนั้นเอาหัวทิ่มขี้ควายแทนงูที่น่าสงสารตัวนั้นเสียให้เข็ดนู้ี้ไม่ยักเล่าให้ฟัง เสียงระพินพัยวันบนอุบิบแล้วเร่งฝีเท้าขึ้นหนทางเดินในลำห้วยอันยาวเหยียดคดเคี้ยวเป็นเวลาร่วมชั่วโมงทําให้คณะนายเจ้าทุกคนเริ่มรู้สึกตัวว่าบ่ายหน้าลงต่ําแล้วดารินดูเข็มทิศอีกครั้งก็งงงันประด่าใจยิ่งขึ้นทิศทางบ่ายลงตะวันตกเสียแล้วเป็นตรงข้ามกับที่รอนรู้ในครั้งแรกชนิดคนละทิศกระทางและไม่เปิดโอกาสให้รู้ตัวเลยหากไม่ดูจากเข็มทิศ แล้วก็ไต่ขึ้นฝั่งทางด้านซ้ายมือคราวนี้ทิศเหนือก็อยู่ข้างหน้าป่าบริเวณนั้นเริ่มโปร่งขึ้นแลเห็นกอรั่วสลับไปกับพวงและไม้เบญจพรรณด่านศาสตร์ซึ่งตลอดเวลาแทบจะมองไม่เห็นเลยบัดนี้เริ่มเห็นตัดกันไปมาเต็มไปหมดและพินมีอาการก้มๆเงยๆอยู่ภาคหนึ่งก็หยุดยืนรอจนทุกคนเคลื่อนเข้าไปถึงมีอะไรหรือเชษฐาถามเบา พรานใหญ่ก้มลงหยิบยอดไม้อ่อนที่ร่นอยู่เกลื่อนกลาดขึ้นมายอดหนึ่งชูให้หัวหน้าคณะชูให้หัวหน้าคณะดูแล้วแหงนมองสอดสายไปยังกิ่งไม้สูงรอบด้านคณะในจ้างสังเกตเห็นได้ว่ายอดไม้กิ่งนั้นเหี่ยวเฉาลงแล้วไม่สดนักแต่ใบยังเขียวอยู่พวกข้างมันหากินอยู่บริเวณ น, นี้เป็นแดนเขาพูดตายังสอดสาย แล้เหลือบลงอย่างเบื้องต่ำรอบด้านตามสมตุ่มปุ่มไม้และทางด่านซึ่งเป็นพื้นดินแข็งแต่ทำไมวันนี้มันเงียบหายกันไปหมดทำไมคิดจะเอาข้างมาเป็นอาหารเย็นวันนี้อีกละสิดาลินผู้ทุ่นห้วนพรานใหญ่และอีกสองชายไม่สนใจกับคำของรอนเพราะกำลังใคร่ครวนอยู่ในบางสิ่งบางอย่างชายยันก็ก้มลงเก็บขึ้นมาพิจารณาดูอีกยอดหนึ่งพวกมันหักยอดไม้เหล่านี้ไว้กี่วันมาแล้วนี่ รอยเก่าวประมาณ 3-4 วันมาแล้วเชิดฐานและชายยันอ่านสีหน้าและแววตาของเขาแต่ก็ไม่เห็นร่องรอยผิดปกติอย่างใดนอกจากควักบุหรี่ออกมาจุดสูบแล้วเดินตรงเข้าไปที่จันผู้สไพรูกซองบรรจุห้านัดแบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งเป็นปืนประจำมือส่งไรเฟิลจุดสีห้ไปให้สไพยแทนแลกเอาลูกซองมาสอบถามเบาๆถึงชนิดของลูกปืนที่บรรจุอยู่จันตอบว่าเป็นแบบลูกปลาย9เม็ดทั้งห้านัด เขาก็ขยับลูกเลือนแง้มดูกระสุนที่ประจำอยู่ในรางเพลิงตรวจสอบห้ามไกลแล้วถือหนีบไว้ในซ่อแขนหันมาบอกคณะนายจ้างเรียบเรียบว่าถ้าโชคไม่เร็วเกินไปนักเราควรจะได้เนื้อสดอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนหยุดพักเย็นนี้พ่างก็ออกนำต่อไปอยังทางด่านสายใหญ่ด้วยฝีเท้าที่เบากลิบแบบย่องสัตว์แต่แล้วอึดใจนั่นเองทุกคนก็เห็นเขาหยุดชะงักนิ่งอยู่กับที่อีกครั้ง พร้อมกับกลิ่นชนิดหนึ่งก็โชยตามลมวูบหนึ่งมาสัมผัสคาณปัสศาสต์ตั้งคณะพร้อมกันหมดมันเป็นกลิ่นซากเน่าจอมพานยังคงยืนสงบนิ่งอยู่เช่นนั้นเหมือนจะคํานวณหาที่มาของกลิ่นอันเป็นต้นลมบริเวณใดบริเวณหนึ่งเชิดถากับชายยันมองตากันดารินก็ก้าวอย่างเงียบกริบเข้ามาสมทบพวกลูกหาบทั้งหมดพลอยชะักยืนนิ่งอยู่กับที่ไปด้วยอึดใจต่อมาทั้งสามก็จะลดฝีเท้าตามเข้ามาเคียงพานใหญ่ กลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงนั้นโชยตรบฉุนกึกมาอีกเมื่อลมเริ่มพัดดารินแทบจะสำลักครางอะไรออกมาขณีคลำคอยกมือขึ้นปิดจมูกไว้เหนือลมข้างหน้าที่เราจะผ่านไปใกล้ๆนี้เองระพินกสิซิ์เข้าไปดูให้รู้แน่สิอะไรหัวหน้าคณะบอกปดไรเฟิ่ลงจากไหลมาถือกระชับไว้ชายันก็ปฏิบัติตามยกเว้นแต่ดารินคนเดียว หล่นล้วงผาชีนะขึ้นปิดจมูกเต็มไปด้วยความอึดอัดกระสับกระส่ายอยากจะหลีกทางให้พ้นกลิก่นอันเหม็นอย่างร้ายกาดนั้นไปเสียโดยเร็วโดยไม่เอ่ยคําใดอีกผานใหญ่เริ่มเคลื่อนที่ต่อไปอย่างระมัดระวังคณะนายจ้าจรวดฝีเท้าตามหลังเขาเวระยะประมาณสามสี่ก้าวทางด่านสายนั้นลาดต่ำลงไปมาสู่มาบตอนหนึ่งอันเต็มไปด้วยพุ่มไม้เตีย้ยเตี้ยสลับกับต้นไม้ใหญ่ที่สูงชรูดมีรอยกิ่งไม้หักผ่านไปประมาณสามสี่วันมาแล้ว อึดใจใหญ่ต่อมาและพินก็หยุดชะงักลงอีกครั้งค่อยๆสุดตัวลงนั่งและจากความเคยชินต่อเหตุการณ์มาอย่างดีแล้วของคณะในจ้างทุกคนโดยไม่ต้องเตือนกันเลยทั้งสามผ่อนฝีเท้าแผ่วเบาลงจนกลายเป็นย่องท่ามกลางความเงียบมีเสียงชนิดหนึ่งแว่วมาให้ได้ยินอย่างถนัดเป็นเสียงกัดถึงฉีกซากและเสียงเคี้ยวกล้วไปกับเสียงคารามอยู่เบา ดังมาจากหลังพุ่มไม้นอกโค้งของทางด่านไม่ห่างออกไปจากเบื้องหน้าเท่าใดนักไอ้รายแน่เห็นจะกําลังล่อซากอะไรเพลินอยู่ทีเดียวชายยันอ่านอย่างคนที่เริ่มจะคุ้นเคยชํานาญขึ้นความชินทําให้คณะผชนภัยทั้งชาวกรุงทั้งสาไม่มีความตื่นเต้นใดๆทั้งสิน้นกลิ่นไอของสัตว์ร้ายในชั้นเสือก็เหมือนกับสัตว์ป่าธรรมดาที่ปราศจากความหมายชนิดหนึ่งเท่านั้นในความรู้สึก กร็รู้รู้อยู่แล้วว่ามันกําลังกินซากเน่าอะไรสักอย่างอยู่หลีกทางไปเสียไม่ดีกว่าหรือฉันทนกลิ่นแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วดารินกระซิฟทําหน้ายุ่งให้มันหลีกกล่าวดีกว่าเราจะหลีกมันเสือใหญ่ประมาทหรือมองข้ามไปไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเราต้องอาศัยผ่านทางนั้นอยู่แล้วด้วยขืนเลี่ยงก็อ้อมไกลยแย่พรานใหญ่ตอบน้อยกับชายยันอยู่ตรงนี้ฉันจะเข้าไปกับพระพินเอง เชิดถาออกคำสั่งแล้วหันกลับไปโบกมือเป็นสัญญาณให้ลูกหาดทั้งหคนเข้าหลบก่อนจากนั้นก็สะกิดแขนรละปินชวนกันขานแหวกพงเสือหมอบและไม้เล็กๆซึ่งขึ้นลกอยู่ริมทางตรงเข้าไปยังซุ้มคอยอันแน่นด้วยไปด้วยถาวรเบื้องหน้าเสียงนั้นได้ยินถนัดชัดเจนขึ้นทุกขณะที่คืบใกล้เข้ามาเสียงฉีกเนื้อดังควากว้าเสียงเคลียวกรอดกรอดและเสียงแมลงวันที่คลางหึงหึงระหว่างที่สุดหมอบพุ่งสายตาผ่านรอยโวของปุ่มไม้ ค้นหาออกไปนั่นเองแล้วพินก็สะกิดแขนราชจสกุลหนุ่มผู้ใหญ่ผู้เป็นนายจ้างเบาๆชี้ให้ดูไปทางซ้ายโคลนก่อรวปอันแผ่เงาครึ้มเชื่อถาเบนสายตาก็งง ง, งันไปด้วยความประหลาดใจแสงตะวันบ่ายสองรอดกิ่งไม้เบื้องบนที่ไม่สู้จะหนาทึบนักเป็นจุดสว่างพราวไปทั่วทำให้มองเห็นภาพนั้นได้ถนัดตามสมควรซาของอะไรชนิดหนึ่งพื้นสีน้าตาลเข้มริ้วดา นอนขึ้นอืนดทื่อขากลางอยู่บนกองใบไม้ที่เกลื่อนพื้นหน า, มาแมลงวันบินว่อนและแตกคือขึ้นทุกครั้งที่ซากนั้นไหวตัวอันเนื่องมาจากถูกถึงจากสัตว์สีสันชนิดเดียวกันอีกตัวหนึ่งซึ่งนอนหมอบแทะตรงบริเวณท้องซากอยู่อย่างตะกุมตะการ ม, มันใช้ทั้งเขี้ยวไร้เล็บจากอุ้งเท้าหน้าทั้งสองตะกุยตะกายจนเครื่องในทรักทลายออกมาขย้ำเคี้ยวกินอย่างเพลิดเพลินรายพาดก่อนด้วยกันทั้งคู่ ที่น่าประหลาดใจ ย, ยิ่งสําหรับเชืฐาก็คือตัวหนึ่งกําลังกินอีกตัวหนึ่งเขาเบิกตาจ้องเหมือนจะไม่เชื่อสายตาอยู่กึ่งอึดใจพรางหันมามองพลานใหญ่ฉงนสนเท่ครามคันเห็นอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ในอาการปกติเหมือนเดิมไอโคร่งตัวนั้นเขื่องไม่ใช่น้อยทีเดียวคํานวณด้วยสายตาปาดผ่าดขนาดของมันไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าไอกุดที่เคยพิชิตกันมาแล้วเอาไงครับ จอมพลานพูดโดยขยับริมฝีปากให้เข้าใจความหมายแทนการออกเสียงไล่มันไปเสียเชษฐาตอบในอาการเดียวกันและพินก็บุบยใบเป็นสัญญาณให้เตรียมระวังตัวอดีตนายพันโททหารบกเชื้อปวงเข้าใจความหมายได้ทันทีขยับตัวคุกเข่าในท่าที่ถนัดประทับไรเฟิลเตรียมพร้อมนิ้วแตะรอยอยู่ที่ไกลขาไม่ต้องการเข้าเขาไม่ต้องการฆ่ามันต้องการเพียงให้มันเติดหนีออกไปพ้นทางเท่านั้น แต่แน่ระเสือลายพาดก่อนขนาดใหญ่เป็นสัตว์ที่จะไว้วางใจอะไรไม่ได้ทั้งสิน้นแล้ผินก็คว้ากิ่งไม้แห้งขึ้นมาท่อนหนึ่งขนาดข้อมือยาวประมาณศอกลุกขึ้นยืนคว้างกิ่งไม้ท่อนนั้นโด่งตรงไปที่มันพร้อมกับส่งเสียงตะเพิดเฮล์ดังลั่นขึ้นร่างที่กำลังหมอบแทะซากอยู่แผ่เสียงคำรามโ ho ขึ้นสนันตาพร้อมกับเผ่นตัวลอยขึ้นยืนแยกเขี้ยวเหลืองอ่อย ขณะที่มันพ ง, งาดร่างพองตัวขึ้นเต็มที่ขณะ น, นี้แรเห็นใหญ่โตพ่วพงพีกว่าที่มองผ่าดผาดในครั้งแรกถึงสองเท่าจนเชิฐาเองก็แทบพงะ ด, ด้วยตะบะเจ้าป่าของมันวิบตาเดียวมันก็สำเนียดถึงที่มาของเสียงและแทนที่มันจะเพ่นหนีเข้าป่าไปอย่างที่หวังไว้มันกลับคำรามก้องขึ้นอีกครั้งกระโจนพร่ดสวนเข้ามาภายในเสี้ยววินาทีแทบจะดูไม่ทันด้วยความดุร้ายและสัญชาตญาณในการห่วงเหยื่อ และพินใจหายวาบเขากะการผิดถนัดวัดปากกระบอกเบราว์นิ่งกกิงอัตโนมัติที่มหนีดอยู่ในซ่อรแขนขึ้นแต่เชษดฐาเร็วทันการและแน่นอนไว้วางใจได้เสมอสำหรับวิกฤตการณ์เช่นนี้ก่อนที่ปากกระบอกลูกซองของเขาจะจับเป้าหมายได้ถนัดแมกนัมแอฟริกันในมือของหม่อมราชวงศ์หนุ่มก็กำปะหน้าสนันวันไหวมันเป็นจังหวะเดียวกันกับร่างของพยัก์ร้ายลอยขึ้นจากพื้น หักระสุนน้ำหนัก500รอยกรัวิ่งเข้าทรวงกลางสวงอกของมันอย่างถนัดทนีที่สุดถึงกับพลิกผงะตีรังกาหกหลังลงไปกลิ่นทับซากเหยื่ออย่างน่าดูแล้วชักพลาดพลาดอยู่ตรงนั้นเองโดยไม่มีเสียงร้องหรือคำรามอีกเลยแม้แต่อึดเดียวไม่ถึงอึดใจก็สงบนิ่งตายสนิทเชิดถากระชากปลอกทิ้งสุลงลูกขึ้นใหม่ขึ้นลํากล้องอย่างรวดเร็ ว, วอันเป็นนิสยัยเพ่นออกจากพงตรงเข้าไปพร้อมละพิน เป็นเวลาเดียวกับที่ดารินทและชายยันแล่นเข้ามาถึงลืมกลิ่นเน่าเหม็นอย่างรุนแรงนั้นลงชั่วขณะด้วยความตื่นเต้นฮ่าอะไรกันนี่ก่อนจะยิงมีการโห่เฮลเอาเลิกขึ้นเสียก่อนงั้นหรือชายยันร้องมองดูซากเสือตนนั้นแล้วเหลือกลับไปดูหน้าสองคนอย่างสงสยัยเชษฐาหุระหึ่ไอที่โห่เฮลนะแล้วพินเจตนาจะทาเสียงให้มันตกใจแล้วเพ่นหนีไปแต่พอเฮลมันก็โฮกสวนเข้ามา ก็เลยต้องกดเปรียงเข้าให้กรรมของมันเองไม่รู้จะช่วยได้ยังไงทั้งๆที่ก็แผ่เมตตาไปให้แล้วอีกหกคนเล่นตามเข้ามารุมร้อมสมทบแล้วคลางอื้อเอ๊ะหมายความว่ายังไงกันนี่ซากนี่เป็นซากเสือทําไมเสือมันถึงกินเสือดาลินลืมตาโพร่จ้องพิจารณาซากทั้งสองก่ายซ้อนกันอยู่ขณะนายจ้างทุกคนพา ก, กันพิศวงไปหมด เรลี่ินกว่าสายตาไปรอบๆแล้วชี้ให้นักผชนภัยสาวชาวกรุงทั้งสามดูหลักฐานที่แวดล้อมอยู่พอจะทายเหตุการณ์ได้ถูกไหมครับว่าอะไรเป็นอะไรทุกคนสำรวจไปรอบด้านอันเป็นวริเวณข้างเคียงเอรู้สึกว่าจะมีการฟาดกันอย่างขนาดใหญ่ระหว่างเสือกับช้างโขงตรงบริเวณนี้เป็นเทือกไปเลยมีรอยเลือดสาดกระจายไปหมดแต่คงจะผ่านมาแล้วสักสามสี่วัน เชษ่าพุ่มพรมเปลี่ยนสายตา ม, มาจับอยู่ที่ซากเสือซึ่งขึ้นอืดอยู่แล้วไอ้ตัวนี้ก็ถูกช้างกระเทือบตายอยู่ตรงนี้เพราะพลาดท่าเสียทีอ๋อใช่สิไม่ผิดไปหรอกซากของมันแหลกเหลวยับเยินเป็นพยานหลักฐานที่เห็นอยู่นี่ส่วนหย่อมเลือดที่กองกลางศาสตร์ไปทั่วนั่นคงจะเป็นเลือดช้างและผินก้มศรีรษะลงครับคุณชายทายได้ถูกต้องแล้ว ไอ้ตัวเป็นซากแหลกอยู่นี่จะมีอยู่ด้วยกันในขณะนั้นสักกี่ตัวก็ไม่ทราบโจรเขาใส่ช้างที่ลงมากินโป่งผมทายว่ามันคงเจตนาจะเล่นงานลูกช้างน้อยแล้วก็ประท้า ก, กับแม่ช้างและพวกสีดอที่คุมโขงฟาดกันเป็นศึกใหญ่เหมือนอย่างที่เราเคยเห็นมาแล้วตอนที่ออกจากห้วยแม่เลงเสือพลาดท่าถูกกระทืบยับส่วนช้างก็คงเลือดสาดไปนั่นไม่ใช่ข้อสงสัยอะไรเลยนี่ สิ่งที่น่าแปลกก็คือทำไมไอ้ตัวนี้มันจึงมากินซากของพวกมันเองดารินว่าขมวดคิ้วก็ไม่น่าสงสัยหรือน่าแปลกใจอะไรเลยจินิดเดียวเลยครับทำไมคุณหญิงคงคิดมาก่อนกะมังว่าเสือมันไม่กินเสือประโยคหลังเขาย้อนถามดารินหันไปมองชายยานสีหน้าฉงนรักคนประหลาดใจเต็มที่ชายยันก็บอกร้องมาเบาๆ ว, าวา่าเอ๊ะมันกินกันเองด้วยเหรอ แล้วยังไงเชษฐาหัวหน้าคณะไม่กล่าวเช่นไรแต่เข้าหน้าก็คงสอบความงงงันไม่น้อยไปกว่าอีกสองคนเช่นกัน <_ s> ก็เห็นชัดๆกับตาอยู่นี่แล้วยังไงละครับแล้วผิดตอบเรียบๆไอ้ที่ว่าเสือไม่กินเสือนะ่ะมันเป็นความเข้าใจของคนเมืองที่ไม่เคยรู้จักสันดานแท้จริงของเสือมาก่อนแล้วก็ตั้งเป็นข้อคิดไว้เองเช่นนั้นหรือมิฉะนั้นก็เป็นสำนวนของนักประพันธ์ชาวกรุงผู้ไม่ประสีภาษากับธรรมชาติของสัตว์ป่า ที่มักจะเปรียบเทียบเป็นท้อยคําทํานองว่าเสือย่อมไม่กินเสือด้วยกันเองความจริงเจ้าสัตว์กินเนื้อประเภทเสือนี่มันกินทั้งนั้นแหละครับไม่เลือกว่าจะเป็นเสือด้วยกันเองหรือเปล่าโดยเฉพาะเมื่อมันบังเอิญมาพบเป็นซากตายอยู่อย่างนี้ในขณะที่มันกําลังหิวโซหาอาหารอื่นไม่ได้ส่วนที่ว่าเสือต่อเสือเวลาพบเห็นการจะตรงก็ห้ามหันต่อสู้เพื่อเอาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอาหารหรือไม่นั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน เพราะยังไม่เคยเห็นเสือกัดกันจนตายไปข้างหนึ่งแต่ที่เคยเห็นและที่ยืนยันได้ก็คือซากเสือที่ตายแล้วถ้าเสือตัวอื่นมาพบมันก็หมั่มอร่อยไปเท่านั้นที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นพยานหลักฐานยืนยันชัดอยู่แล้วไอ้ตัวนี้กําลังกินซากเพื่อนของมันเองที่ถูกช้างกระทืบไว้เสือมันเป็นเดรชานชั้นต่ําครับมันไม่มีฮิริโอตะปะธรรมะหรือความตะกิตตะขวงใจอย่างมนุษย์รารอกถึงมนุษย์เองทุกวันนี้ก็เถอะ ร้ายกาดอมมหิตรเรือเลือดเย็นตะกาตะการยิ่งกว่าเสือเสอีกผิดกันก็เพียงแต่ไม่ได้มาขบเคี้ยวเนือ้อกันกินซึ่งซึ่งหน้าเท่านั้นแต่กินในแบบที่ฉลาดกว่าซึ่งผลสรุปก็ไม่ผิดกันไปนั่นเองคำพูดของเขาทำให้ทุกคนเงียบกันไปด้วยความนึกคิดถูกของคุณเสือมันกินเสือตามแบบฉบับของเสือมันยังไม่สยดสยองเท่ากับคนกินคนกันเองในแบบของคนเชิดาเอ่ยขึ้นเสียง เชี่ยวาเอ่ยขึ้นเสียงรื้ยิ้มกา้กานมองโรคในแง่ร้ายเหลือเกินนะไม่น่าละ่ะเป็นเพสตมิตอย่างนี้นี่เองถึงได้หลีกลีธหนีหน้ามนุษย์มาสมาคมกบหาอยู่กับสัตว์ป่าแบบนี้ดารินติงช้ำเบลงหางตาคมพ่านใบหน้าเขาที่พูดเมื่อกี้นี้นะ่ะเกือบจะเป็นปราชญาทีเดียวผู้กองชัยยันว่าแล้วหันไปตบแขนสหายของเขาไงเชี่ยวา พอขาหายเป๋ก็มือใช้ได้เหมือนเดิมนะเที่ยงแท้แน่นอนเสมอมือนะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนสักขนาดไหนหรอกแต่อำนาจประท่าขนาด 5, 0 4 0ฟุตเป่ามันแน่นอนเสมอสำหรับเจ้าสัตว์เพียงแค่ชั้นเสือถ้าลูกมันเล็กกว่านี้ก็ไม่แน่เหมือนกันระยะเผาขนประจันหน้าแบบนี้ชั้นหรือพินจะหนังหัวถลกทั้งๆ ท, ท, ที่ต่อให้ยิงถูกมันเชื้อพวงหนุ่ม เลยขึ้นไปดูบนยอดไม้กล่าวต่อมาว่าสงสัยแต่แรกแล้วว่าพวกกลิ่นพวกข้างมันหายกันเป็นไหนหมดทั้งๆ ท, ที่แถวนี้ก็เป็นดงของมันที่แท้ก็ไอหนี่เองคงมาวนเวียนกินซากอยู่หลายวันแล้วไม่มีใครสนใจกับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆนั้นอีกและไม่เสียเวลาอยู่บริเวณนั้นต่อไปพอขึ้นเหนือโรมห่างจากที่นั่นมาได้เพียงเล็กน้อยกลิ่นเหม็นเน่าอันรบกวนจมูกก็หมดสิ้นไป ทุกคนสังเกตเห็นรอยเตลิดไปของช้างโขงซึ่งป่าหักเป็นทางและมีรอยเลือดเก่าๆหยดเลี้อยอยู่เป็นระยะบุกไปตามรอยนั้นชั่วครู่ใหญ่และผินก็นําแยกตัดทิ้งรอยช้างนั้นเสียชั่วโมงเต็มๆ ต, ต่อมาก็ตายขึ้นสู่สันเขาเล็กๆ ล, ล, ลูกหนึ่งอุดมไปด้วยหินและกรวดก้อนอใหญ่ๆผ่านแหล่งน้ําพุซึ่งเต็มไปด้วยรอยสัตว์แทบทุกชนิดแต่เป็นรอยเก่าแล้วก็ผ่านโป่งอีกแห่งหนึ่งมีรอยช้างลงกินไว้สองสมวันมาแล้ว แล้วินสำรวจอย่างถี่ทั่วนมัณมิตระวังทุกระยะแล้วโครงศีรษะช้าๆปุบหิบอยู่ในรำคอเหมือนจะพูดกับตัวเองรอยเก่าทั้งนั้นสงสัยฟาวเปล่า ว, วันนี้อย่าไปกังวลอยู่เลยไม่ได้อะไรก็ช่างมันเชิดถาว่าพรานใหญ่กวักมือเรียกบุญคำกับจันที่หาบสัมภระคู่กันให้เดินล้ำหน้าขบวนออกมาหันไปสั่งอะไรสองสามคแล้วบอกคณะในจ้างว่า ผมจะให้บุญคำกับจำผมจะให้บุญคำกับจันทร์นำแทนชั่วข่าวก่อนโปรดอย่าเป็นห่วงเดี๋ยวพบกันว่าแล้วก็สาวเท้าพระแยกเข้าริมทางหายลับไปอย่างรวดเร็วราวกับเงาผีทั้งหมดเริ่มเคลื่อนขบวนต่อไปโดยตามบุญคำและจันทร์ผู้หับของไปเบื้องหน้าพักใหญ่ต่อมาก็ได้ยินเสียงลูกซองระเบิดขึ้นนัดหนึ่งและมีเสียงข้างร้องคิกคลอกแตกตื่นยอดไม้ไหวคลืนอยู่ชั่วคู่จึงเงียบหายไป ได้เนื้อสดแน่เย็นนี้ถ้าไม่หมูป่าก็กวางชายยันร้องออกมาอย่างดีใจฮ้กวางที่มันโจรอยู่ตามยอดไม้น่ะสิพนันเอาอะไรกันก็ได้ดารินทำเสียงขึ้นจมูกยิ่งดีใหญ่ใครไม่กินก็อยากกินแต่อย่ามาขัดเชิญเถิดยะเชิญตามสบายถึงขัดยังไงมันก็สายเพราะมิสเตอร์นั่นซักตลงมาเสร็จแล้วไม่กี่นาทีหลังจากนั้น ทุกคนเห็นนภีนยินดักคอยอยู่เบื้องหน้าระหว่างซุ้มกอไผ่เบื้องหน้าแทบเท้าเขามีสัตว์อะไรชนิดหนึ่งสีแดงแดงกองอยู่พอใกล้ก็ามาจึงเห็นว่ามันเป็นเก้งหนุ่มตัวหนึ่งทุกคนร้องออกมาด้วยความยินดียกเว้นดาลินคนเดียวที่หน้าเจือนเพราะท่ายผิดนิเสจริงผู้กองน้อยพนันกับผมว่าคุณล่อข้างเข้าให้แล้ว ก็กำลังจะเอาข้างอยู่เหมือนกันแหละครับพอดีเจ้านี่พูดพลาดออกมาจากกอผ่าตัดหน้าให้เห็นเสียก่อนเขาตอบเรียบๆแล้วสั่งให้เกิดกับเสยเอาเทาวันมัดขาทั้งสด้านหามไปพร้อมกับสัมภาระด้วยซึ่งเจ้าสัตว์ย่อมๆตัวนั้นไม่ได้เพิ่มน้ําหนักอะไรให้มากนะักเกรงก็ดีตัวกําลังเหมาะสําหรับหนึ่งมือ้อยังเป็นห่วงอยู่ว่าถ้าเป็นสัตว์ใหญ่เราจะต้องทิ้งเนื้ออย่างน่าเสียดายหัวหน้าคณะกล่าวชา ย, ยันสกิดแขนพรานใหญ่ ถ้าผมเป็นคุณผมไม่ยักเอาเก้งแต่จะเอาข้างทำไมหรือครับจะได้ไม่มีใครคนหนึ่งมาแย่งกินด้วยยังไงละ่ะจอมพรานหันมามองนักมนุษย์ิยาสาวที่ยืนเฉยอยู่ยิ้มให้แล้วตอบแทนให้ด้วยน้ำเสียงอันด่อนโยนว่าคงไม่หรอกครับคุณหญิงสัญญากับพวกเราทุกคนไว้แล้วว่าออกเดินทางจากกล่มช้างเมื่อไหร่เธอจะทานทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราทานกันอย่างนั้นใช่ไหมครับ ประโยคหลังเขาหันไปถามหล่อนฝืนยิ้มขอบใจมากที่อุตส่าห์มาเป็นพวชฉันเป็นครั้งแรกอย่าไปคบนะกับชายันน่ะเป็นคนนิสัยไม่ดีอ้าวเสียคนอีกแล้วสินาว่าชายยันร้องด้านออกมาถามจริงๆเธอเธอพิสมัยอยากกินมันมากนักหรือข้างน่ะดารินถามก็ถ้าได้ก็ดีไม่ได้กินมานานแล้วแม่เจ้าประคุณคอยขัดคอไว้เรื่อย เอาละเธอจะได้กินแน่แบบไปเองนะแล้วก็ถลกหนังทําเองด้วยอย่าให้ลำบากคนอื่นๆเขาฉันยกให้เธอคนเดียวทั้งตัวเลยกล่าวจบหญิงสาวก็ปลดไรเฟนินออกจากไหลยกขึ้นประทับบ่า ช, ะชะ้าๆเล็งด้วยศูนย์กล้องไปยังยอดไม้สูงลิต์ห่างออกไปทางหนึ่งอึดใจเดียวก่อนที่ใครจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจุดสามสสแมกนัมในมือของ่อนบาระเบดขึ้นกึกกล้อง พอสิ้นกังวานเสียงต่างก็ได้ยินอะไรชนิดหนึ่งร่วงลงมาจากยอดไม้ต้นนั้นเสียงระลงมาตามกิ่งไม้เบื้องตามปะทะลมอู้แล้วก็กระทบพื้นดังพลักได้ยินมาอย่างถนัดดาดรินรถปืนลงไปหล่อนพูดกระแท่เสียงหนักๆในลำคอพยักหน้ากับเพื่อนชายไปเก็บมาแล้วก็เชิญสวาปามเข้าไปเสียให้สมกับที่คร่ำควรร่ำร้องนักสอยลงมาให้แล้วชายยันอ้าปากค้าง เสงดาวดินตะวาดไล่ามาอีกให้ไปเก็บข้างพร้อมกับเดินเข้ามาผักใสเกิดกับเสยโหหิ้วออกมาอย่างดีใจคว้าขันพลาสติกกับขวดเหล้าขาวขึ้นมาได้แข่งกันวิ่งแนบบุกป่าเข้าไปยังโคนไม้ใหญ่ต้นนั้นครูหนึ่งก็หิ้วข้างดําขนาดใหญ่ตัวหนึ่งยิ้มกลิ่มเข้ามาเชือดคอรองเลือดผสมกับเหล้าขาวในขวดเรียบร้อยเดินเขย่าขวดมาพรางกระสุนเจาะกลางใบหน้าของมันพอดีโอ้โหน้อยตาดีเหลือเกินเห็นมันได้ยังไงนี่ เ พ, เพื่อนชายยิ้มแห้งๆพูดมาอ่อยๆไม่ต้องมาทำไกใช้ให้ไปเก็บทำไมถึงไม่ไปเก็บหล่อนตะวาดเบาๆแล้วหัวล้อหื้อคุณหญิงตาดีจริงๆครับผมยังไม่เห็นเลยว่ามันนั่งแอ บ, บอยู่บนยอดกะเลียงนั่นอีกตัวหนึ่งนึกว่าหนีไปหมดแล้วพลานใหญ่กล่าวพร้อมกับหัวลเบาๆก็เห็นมันโผล่หน้าออกมามองนู้สิทีแรกก็นึกว่าใบไม้เหมือนกันแต่พอเข้าสู่กล้องจึงเห็นถนัด อ๋อนั่นตาเสยกับตาเกิดจัดแจงเอาเลือดผสมเหล้าอีกแล้วหรือโท่นายหญิงครับของดีแทๆ้ๆเกิดอ้าปากหัวเราะแหะชายยันแย่งขวดไปลินลงขันพลาสติกแล้วยกขึ้นดื่มพลางแจกจ่ายไปให้เชยดตาซึ่งรับไปอย่างกระตือรืดร้นดาลินเบ้าปากหันหน้าไปทางอื่นเสียอย่างสอิสเอียนเหมือนมนุษย์สมัยหินหลอนบนเก่งตัวหนึ่งสมทบด้วยข้าอีกตัวหนึ่ง อนาคตของคณะทั้ง10ก็สุกสายแล้วสําหรับอาหารเย็นนั้นประมาณบ่ายสามโมงก็เริ่มไต่ขึ้นไปทําชะงอนหินของหน้าผาชันตัดทางขึ้นสู่สันเตี้ยๆของเขาอีกรูปหนึ่งแล้วก็ไต่ต่ อ, อยังรูปที่สองขึ้นไปอีกเป็นลําดับเพราะเหลี่ยมสลับเปลียงซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆพอขึ้นถึงยอดเนินสุดท้ายของทิวเขานั้นก็มองเห็นเขาหัวแร้งอย่างถนัดตาอีกครั้งระยะห่างออกไปเพียงประมาณไม่เกินห้าหกกิโลเมตร ขณะนั้นพระอาทิตย์กําลังตกทางด้านหลังมองเห็นภูมิภาครอบด้านภายใต้แสงอัสดงงดงามจับตาดาวลินควักเข็มทิศออกมาตรวจสอบอีกครั้งและก็จริงดังเช่นที่เชษฐาอธิบายไว้เขาหัวแรงอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเหมือนเช่นที่เข็มทิศบอกไว้ก่อนจะออกจากลมช้างมันเป็นเวลา17บเดนอตรงแต่พานใหญ่อธิบายทราบว่าการเดินทางเฉพาะวันนี้ต้องยุติลงชั่วคราวลงเพียงแค่นี้ก่อน เพราะจะอย่างไรเสียอีกไม่นานนักตะวันก็จะรับแล้วและต่างก็ปีนเขากันมาแล้วอย่างหนักแคมป์ถูกกาหนดลงอย่างชัยภูมิอันเหมาะที่สุดตามหลักของการแรมคืนในป่าเบื้องหลังประชิดก้อนหินใหญ่ที่มีบริเวณตอนล่างตัดแววเข้าไปแทนหลังคากันน้ําค้างได้เกือบครึง่งเบื้องหน้าเป็นบริเวณราบโรงป่าจากพุ่มไม้บางในระยะประชิดนอกจากต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ยืนตระหงานอยู่โดดเดี่ยวแผ่กิ่งใบเป็นหนึ่งพุ่มฉัดยักษ์ ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปชนิดแข่งกับแสงตะวันที่กำลังจะรับหายไปอย่างรวดเร็วทุกคนช่วยกันโคลนไม้โคลนมือโดยแคล่วคล่องว่องไวยอย่างรู้หน้าที่กันดีอยู่แล้วขึงหลังคากันน้ำค้างปูผ้าใบผืนใหญ่รองนอนถากฐานบริเวณและหาฟืนสำรองสำหรับหุงหารวมทั้งก่อไฟในเวลากลางคืนพออากาศเริ่มขมุกขมวัขวข้าวก็เดือดอยู่บนหินสามเศร้าและเก้งกับข้างก็กำลังถูกย่างส่งกลิ่นหอมน้ำตกอยู่บนกองไฟราง ทันใดนั่นเองชายยันผู้ใช้เท้าเขี่ยกองใบไม้ทางด้านที่จะกำหนดใช้เป็นทางด้านศรีรษะนอนใกล้กับผนังหินด้านซ้ายก็ร้องอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งอย่างประหลาดใจตื่นเต้นทุกคนหันขวับไปเห็นอดีตนายทหารปืนใหญ่กำลังก้มลงมองดูอะไรอยู่ชนิดหนึ่งบนพื้นที่เขาใช้เท้ากวาดใบไม้อยู่นั้นอะไรนะชายยันเชิดเาผู้กำลังเอาพลาสเตอร์ติดส้นเท้าเพราะถูกรองเท้ากัดอยู่ ร้องถามไปพร้อมกับเงยหน้าขึ้นโดยเร็วสหายของเขาซุดตัวลงใช้มือตะกุยกวาดกองใบไม้อย่างรวดเร็วแล้วหยิบอะไรชนิดหนึ่งขึ้นมาโชูให้ทุกคนเห็นมันเป็นกิ่งไม้ท่อนหนึ่งยาวประมาณคืบเศษปลายด้านหนึ่งถูกไฟกินไว้ดำเป็นฐานลักษณะเป็นฟือที่ใช้ก่อไฟผู้ที่กระโจนพูดก็ไปถึงเป็นคนแรกก็คือระพินต่อมาก็เชิดถาและดาลิน แล้วทุกคนที่กำลังแยกย้ายทำงานอยู่ก็วิ่งปลูกันเข้าไปฟืนเชษฐาอุทานออกมาเบาๆเขามวดคิ้วด้วยความพิศวงรับไม้ท่อนนั้นมาจากมือชายยันพิจารณาดูอย่างถี่ถ้วนขณะนั้นเองบุญคำกับจันก็ช่วยกันกวาดกองใบไม้ บ, มบริเวณใกล้เคียงออกไปอย่างรวดเร็วไม่กี่อึดใจต่อมาจึงพบเศษ ฟ, ฟืนอีกหลายท่อนถูกใบไม้กขบซ่อนเงียบอยู่ใกล้ๆที่ชายยันค้นพบเป็นดุนแรก มีคนผ่านมาก่อนหน้าเราแล้วนายเสียงพุนคำพูดกับพรานใหญ่อย่างตื่นเต้นแต่มานานเต็มทีนี่เป็นรอยก่อไฟเก่าพรานใหญ่เหลือบสกตาคณะในจ้างของเขาซึ่งกำลังอยู่ในอารมณ์ตื่นเต้นสำหรับหลักฐานที่ค้นพบอย่างบังเอิญ น, นั้นเขาเม้มริมฝีปากเล็กน้อยเขาหน้าเต็มไปด้วยอาการคุ้นคิดไตรตรองและกวาดตาไปรอบๆ บ, บริเวณกะถูกไหมว่ามันนานมาสักเท่าไหร่แล้ว เชฐาถามแผ่วต่ำตาเป็นประกายพรานใหญ่ยังไม่ทันตอบในทันทีนั้นก้มลงหยิบท่อนฟืนขึ้นมาพิจารณาดูอีกครั้งทุกคนพากาัน ร, รัจากงานเฉพาะหน้าอื่นมามุงร้อมกันอยู่ที่นั่นอึดใจต่อมาเขาก็บอกให้คนเหล่านั้นกลับไปทําหน้าที่ซึ่งยังค้างอยู่ตามเดิมแล้วมองตาเชิฐ า, าอีกครั้งเดาะฟืนท่อนนั้นขึ้นลงอยู่ในมือผมก็กะไม่ถูกเหมือนกันครับ แต่สังเกตจากร่องรอยรู้สึกว่ามันจะนานมาแล้วเจ็ดแปดเดือนหรือมิฉะนั้นก็เป็นปีขึ้นไปคนก่อเอาฝุ่นโกยดับมันไว้เป็นการพรางไฟแต่ใบไม้มันหล่นลงมาช่วยปิดทับอีกทีหนึ่งหนาตั้งเกือบคืบแต่มันคงไม่นานจนถึงสิ1สิบปีหรือร้อย0้ปีขึ้นไปไม่ใช่หรือดารินเสิร์ฟมาโดยเร็วจ้องพิจารณาดูดุนฟืนเหล่านั้นครับคงไม่นานถึงขนาดนั้นหรอก ถ้าจะให้ผมกะ ก, ก็รู้สึกว่าไม่เกินสองปีเป็นอย่างสูงช่วยกันค้นรอบๆบริบบเวณนี้เถอะเราน่าจะได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมขึ้นอีกเชษ ฐ, ฐากล่าวโดยเๆอย่างร้อนใจทั้งสี่คนแยกย้ายกันออกเดินตรวจค้นหาร่องรอยเพิ่มเติมในทันทีนั้นเชษ ฐ, ฐาชา ย, ยันและดาลินผู้อิดโรยอ่อนเพียเต็มที่และต้องการพักในทันทีที่ปวดสัมผัสลงบัดนี้ความตื่นเต้นกระตืรือร้นแทบจะทำให้ลืมเหนื่อยหมดสิ้น จากหลักฐานที่ค้นพบกันโดยบังเอิญนั้นต่างเดินสำรวจตามพื้นไปรอบๆ อ, อย่างถี่ถ้วนพยายามที่จะค้นหาร่องรอยเพิ่มเติมให้ได้จากกองฟืนเก่าที่ค้นพบมันบอกให้ทราบชัดว่าได้มีคนมาพักแรมอยู่ที่นี่ก่อนหน้าแล้วส่วนจะเป็นใครมีจำนวนอยู่สักเท่าไหร่ผ่านไปนานแล้วเพียงไหนเป็นสิ่งที่จะต้องค้นหาโดยอาศัยหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งอาจได้มาและทาให้อ่านได้ชัดขึ้นไม่นานนะัก เชษฐาก็ค้นพบกระดูกท่อนหนึ่งซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นกระดูกขาหลังของหมูป่าทิ้งอยู่ในระหว่างซ้อโคหินย่อมย่อมสองรูปไม่ห่างออกไปนะักชายยันพบรอยกิ่งไม้ที่ถูกมีดตัดไว้ส่วนดารินค้นได้หินทรงกลมก้อนหนึ่งลักษณะควรจะเป็นก้อนหนึ่งก้อนใดของหินสามเศร้าที่ใช้แทนเตาหุงหาเพราะมีรอยไฟกินดำอยู่แถบหนึ่งถูกใบไม้กรบทับ ห่างออกไปทางด้านตะวันออกของบริเวณแคมป์ที่พักประมาณยี่สิบ้แต่อีกสองก้อนนั้นไม่พบหลักฐานเพียงแค่นี้มันไม่ช่วยให้เราทายอะไรได้ถูกเลยนอกจากจะรู้อย่างเดียวว่าเคยมีคนผ่านมาพักอยู่ที่นี่หัวหน้าคณะผึ่มพามกับสหายรักและน้องสาวสีหน้าเคร่งขรึมเต็มไปด้วยความคิดหนักหน่วงผสมกับความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกพี่ใหญ่ไม่คิดหรือคะ ว่าอาจเป็นพี่กลางก็ได้ดารินพูดเหมือนกระซิบพี่ชายถอนใจเบาๆมันเลื่อยลอยเกินไปในการที่จะคิดเช่นนั้นเมื่อพวกกล่มช้างไม่เคยผ่านกันมาที่นี่ก็น่าจะสันนิษฐานว่าเป็นอนุชานะไม่งั้นจะมีใครชา ย, ยาเสือมาอีกคนป่าแถบนี้ทั้งหมดมันไม่ได้ผูกขาดว่าจะเป็นแดนของพวกหล่มช้างโดยเฉพาะ อาจมีพวกชาวป่าอื่นๆผ่านมาก็ได้เดยที่พวกกล่มช้างไม่รู้เพราะถึงอย่งางไรบริเวณนี้มันก็ยังไม่เคยไม่เป็นเขตต่อเส้นเดินทางของคนเสียทีเดียวมันเป็นเพียงแค่ชายดงของนรกดำเท่านั้นพรายใหญ่ไม่มีความเห็นอะไรจะให้เราได้บ้างเลยหรือคะดารินเอ่ยอย่างกังวลแล้วกวาดตามองหารพินครั้นแล้วทั้งสามก็เห็นจอมพรานเดินตรงเข้ามาโดยเร็วสีหน้าและแววตาขริมสงบ อันเป็นบุคคลิเดิมๆอย่างที่เคยเห็นอยู่เป็นประจำชนิดอ่านอะไรไม่ออกพอเข้ามาถึงใบหน้ากล้านเกรียมนั้นก็ปรากฏ ร, รอยยิ้มน้อยๆสงสัยแต่แรกก็ไม่ผิดไปหรอกครับหมายความว่ายังไงเชษฐากับชายยานถามออกมาโดยเร็วพร้อมกันจ้องเขากำหมิงเราได้หลักฐานการพักครั้งแรกของคุณชายนุชายแล้วคือที่นี่เองฟุกหรือเกินส่วนที่แงซายบอกว่าพบที่ลาห้วยตรงเขาหัวแรง จะต้องเป็นแหล่งพักครั้งที่สองถัดจากนี่ไปอะไรทำให้คุณแน่ใจอย่างนั้นหัวหน้าคณะร้องออกมาแล้วทั้งสามก็ตะลึงไปเมื่อพรานใหญ่แบมือขวาของเขาที่กำอยู่ออกไปให้ดูตรงหน้ามันคือซองบุรีรักกี้สตกเกเก่าซองหนึ่งถูกกำยับยุยยี่งมีกระดาษแก้วชั้นนอกคุ้มติดอยู่ด้วยลักษณะเป็นซองที่สูบหมดแล้วและเจ้าของขยำทิ้ง ดาลินอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งตะครุบไปจากมือเขาโดยเร็วลืมตาโพงจ้องพิจารณาด้วยมืออันสั่นเทาเชษฐาและชายยันมีสีหน้าแดงเรื่อขึ้นตาเป็นประกายตื่นเต้นชัดแล้วไม่มีคนป่าคนไหนสูบกากีสไตน์นอกจากอนุชาคนเดียวเท่านั้นอดีตนายทหารปืนใหญ่มิสนิดของราจิตกุลผู้สาบสูญแทบจตกนออกมาคุณพบมาจากไหนนี่ เช็ดถาถามพยายามข่มเสียงให้เป็นปกติจอมผ่านบุ้ยปากไปที่ต้นไม้ใหญ่อันยืนเด่นโดดเดี่ยวอยู่ไม่ห่างออกไปนะักในโพรงต้นชะานั่นครับปนอยู่กับเศษกิ่งและใบไม้แห้งๆที่อยู่ในโพรงนั่นและนี่ก็เป็นหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่จะยืนยันว่าเจ้าของกองไฟที่เราค้นพบนี่จะเป็นใครไปไม่ได้เป็นอันขาดนอกจากคุณชายอนุชากล่าวจบ เขาก็แบมือที่กำไว้อีกข้างหนึ่งออกไปเช่ถารับสิ่งนั้นไปดูด้วยหัวใจอันเตนแรง พ, พึมพำออกมาว่าจุดสีนในโตเอ็กซ์เพรสแล้วเมมริมร ป, ปีปากไปเส้นตรงเงยหน้าขึ้นชดประชากรใช้ปืนขนาดนี้ประจำมือหรืออันนี้ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มครับเพราะผมมีโอกาสได้เห็นปืนของคุณชด หรือคุณชายนุชาที่เราพบกันที่โป่งกระทิงอย่างเช่นที่บอกแล้วในตอนต้นผมยังขอดูปืนของแกเลยเป็นดับเบิลบาเรนแฝดคู่ขนานของริกบี้ส่วนของหนานอินผ่านพื้นเมืองราวโรงที่ไปด้วยใช้ลูกสองแฝดเบอร์สิบสองดามัสกัสรุ่นเก่าพบปลอกกระสุนนัดนี้ที่ไหนก็ใกล้ๆกับโคนต้นไม้ต้นนั้นแหละครับปลอกปืนพบก่อนซองบุหรีด้วยซ้บาบังเอิญเดินไปเหยียบ ขอบท้ายปลอกเข้ามันดีดตัวกระเด็นขึ้นมาบนหลังเท้าจึงเห็นไม่มีปัญหาแล้วเชษฐาชายยันกระซิบแล้วความเงียบก็ปกคุมบุคคลทั้งสี่ซึ่งยืนรอมวงประจันหน้าแลตากันนิ่งอยู่ต่อมาเชษดาก็เอ่ยว่าคุณคิดว่าจะมีปลอกกระสุนให้เราค้นพบมากกว่านักนี้บ้างไหมนั่นเป็นคำถามอย่างหวาดระแวงด้วยความรอบคอบตามนิสัยซึ่งกระเนก็เข้าใจความหมาย ผมตรวจโดยถี่ท่วนที่สุดแล้วครับเชื่อว่ามีปลอกเดียวตกอยู่และปลอกกระสุนลูกซองอันควรจะเป็นของหนานอินก็ไม่ปรากฏว่าจะหล่นให้เห็นแสดงว่าคุณชายอนุชาคงจะลั่นปืนขึ้นนัดเดียวเพื่อหาอาหารมากกว่าจะมีเหตุฉุกเฉินใดๆขึ้นั้งนั้นก็คงล่อหมูป่าขนาดใหญ่แล้วก็ย่างไฟนั่งหม่ากับหนานอินสองคนอยู่ตรงนี้แหละที่ซอกหินนอนเราพบกระดูก ข, ขาหมูป่าอยู่ท่อนหนึ่งชัยยันว่า หมูทั้งตัวสังเกตจากกระดูกขาก็ออกเบอ้อเ บ, อเบอล่าทำไมเราถึงพบกระดูกขาท่อนเดียวกระดูกส่วนอื่นๆหายไปไหนหมดกระดูกที่พบจะเป็นกระดูกหมูที่เราสันนิษฐานว่าพี่กลางยิงหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจไม่ใช่ก็ได้ดาลินแย้งเบาๆเรื่องกระดูกไม่สำคัญหรอกมันนานมาแล้วต่อให้ทิ้งไว้เกลื่อนสัตว์ป่ามันก็อาจมาคาบแทะกินกระจัดกระจายไปหมด หลงเหลืออยู่ที่เราเห็นเพียงท่อนเดียวก็ได้พี่ชายบอกมาข้าวกับเนื้อย่างสุกความมืดก็โรยตัวลงมาคุมป่าไว้อย่างสนิททั้งหมดร้อมวงกินกันริมกองไฟใหญ่และภายใต้แสงสว่างสรัวสรวจากตะเกียงรู้ที่แขวนไว้บนกิ่งไม้ที่ปักกับพื้นส่วนประกอบของรสชาติอาหารมีได้ก็แต่เพียงเกลือพริกไทยพริกแห้งป่นและน้ำปลาผงซึ่งอย่างหลังดาลินเป็นผู้เตรียมมาด้วยนิสัยอันรอบคอบของผู้หญิง เมื่อนํามาะระลายกับน้ําต้มมันก็แปลสภาพมาเป็นน้ําปลาใช้เพิ่มรสไปได้ตามแกนดีกว่าเกลือเปล่ า, เ ล, า, เ, ลาเล็กน้อยการกราดกรำอย่างหนักและเสียเหนื้อไปอย่างมากทําให้ร่างกายอ่อนเปรี้ยวเปียแรงสิ่งที่จะชดเชยได้ก็คือเกลือเป็นหลักใหญ่และมันเป็นความจริงในข้อที่ว่าเกลือย่อมจําเป็นสําหรับชีวิตเดินป่าเสียยิ่งกว่าข้าสารตามที่พรานใหญ่ได้บอกไว้แต่แรกซึ่งในทัศนะของแพทย์อย่างดาลินย่อมเห็นด้วย ร่อนกระซิบเตือนให้พี่ชายและเพื่อนกินเกลือเปล่าๆคนและหยิบมือใหญ่ๆเพื่อทดแทนให้เก่งเหงื่ออันมากมายที่เสียไปกาแฟ ต, ต้มทั้งการสเข้มข้นเป็นสิ่งล้างคอของคณะทุกคนหลังอาหารจากนั้นก็เตรียมเข้านอนท่ามกลางอากาศอันทวีความหนาวเย็นห้วบผ้าพปงอย่างรวดเร็วการนอนแบ่งออกเป็นสองพวกคณะในจ้างสามคนภายใต้แบ่งเกลดใหญ่พื้นเดียวกันหันศีรษะไปทางผนังหินดารินเป็นไข่แดงอยู่ตรงกลาง สุดขวาชิดกับชายยันเป็นที่นอนของ พ, อพรานใหญ่ระพินสุดซ้ายชิดเชษฐถาแงาซายนอนกันด้านปลายเทา้าพรานพืชเมืองสี่คนและขยินอีกคนหนึ่งรวมเป็นห้านอนกันในลักษณะของรัศมีวงกลมศรีรษะทั้งห้าหันเข้าชนกันปลายเท้าชี้ออกไปทางแนวป่าทุกทิศายกองใหญ่เพียงกองเดียวกอดไว้ทางด้านปลายเท้าของคณะนายจ้างตะเกียงรั้วตั้งอยู่ทางด้านศรีรษะ ไรเฟื่ประจำมือตั้งแนบชิดขนานไปกับตามตัวของแต่ละคนหันปอกกระบอกไปทางด้านปลายเท้าเพื่อการหยิบช่วยขึ้นมาใช้งานได้ทุกขณะจิตเปื่อหลังแปะสภาพมาเป็นหมอนหนุนศรีศรษะกิ่งไม้แห้งถูกนำเข้ามาขวางเป็นรัว้วกั้นระหว่างแนวปากกับที่พักนอนไว้ทุกด้านมันจะแกรบกรอบขึ้นมาทันทีที่มีอะไราเหยียบผ่านเข้ามาความเคยชินของคณะนายจ้างทุกคนทําให้สามารถเข้าใจและไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้น ยามเมื่อแรมคืนอยู่กลางพื้นปะเตอพีที่แวดร้อมไปด้วยภายป่ารอบด้านตรวจสอบความเรียบร้อยของที่พักชั่วคราวโดยรอบข้อตี่ท่วนที่สุดแล้วและวพีนก็งัดเอาน้ำยาเคมีประเภทยาฆ่ามแมลงชนิดหนึ่งออกมาจากย่ามหลังส่วนตัวหยดลงกับพื้นบางๆไปรอบๆ บ, บริเวณที่พักในรัศมีวงกลมกลิ่นฉุนของมันละเหยขึ้นและลอยมากระทบจมูกของคณะทุกคนเป็นระยะเมื่อยามลมโชย เชษฐาดาลินชัยยานรอบสังเกตดูอาการของเขาเงียบๆอย่างประหลาดใจเพราะไม่เคยเห็นพรานใหญ่ปฏิบัติเช่นนี้มาก่อนเมื่อจัดการหยดยาเสร็จเรียบร้อยเขาก็กลับเข้ามาจัดที่นอนของตัวคืนนี้เราจะนอนกันทุกคนโดยไม่จําเป็นต้องมีการอยู่ยามเลยแล้วพินบอกน้ำเสียงเรื่อยๆขณะที่งัดแจ็กเก็ตประจําตัวขึ้นมาสวมรูดซิฟขึ้นมาจนชิดคอฮ่าจะดีหรือผู้กองชัยยานทุ้งเบา พวกเราทุกคนต้องการพักผ่อนให้มากที่สุดครับเพราะเหนื่อยกันมาทุกคนต่อไปนี้เมื่อถึงเวลานอนเราจะนอนกันหมดไม่มีการอยู่ยาเหมือนเช่นที่แล้วมายกเว้นจะเกิดกรณีฉุกเฉินพิเศษขึ้นจริงๆเท่านั้นค่อยพิจารณาเป็นครั้งๆไปคุณแน่ใจว่าถึงแม้คุณจะรับก็สามารถควบคุมสถานการณ์ใดๆได้ทันการงั้นกระมังดาลินถามด้วยหางเสียงไม่สบายใจนะกว่าสายตาอันวาดระแวงไปยังราวป่าทะมึนมืดรอบด้าน ทุกคนเห็นจอมพรานยิ้ม น, นิดหนึ่งถ้าเหตุร้ายมันเกิดขึ้นในขณะที่ผมหลับไม่รู้ตัวก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันแต่ขอเชื่อเือว่าผมนอนไวยพรานของผมอีกสี่คนแง่า ย, ายหรือขยินงก็ล้วนอนไวยกันทั้งนั้นถึงพวกคุณทั้งสามผมก็เชื่อว่าคงจะรู้สึกตัวอยู่เสมอเราทั้งสิบคนคงจะไม่หลับเป็นตายพร้อมๆกันหมดหรอกนั่นประการหนึ่งส่วนอีกประการหนึ่งผมก็สร้างรั้วเตือนภัยและกั้นภัยไว้สาหรับพวกเราแล้ว เชื่อแน่ว่าคงไม่มีอะไรกล้ามกายเข้ามาได้หมายถึงกิ่งไม้แห้งที่สะไว้รอบด้านนั่งกำมังแล้วผินทศรองไปฉายไปจํามือของขาวกลางตอบว่ากิ่งไม้แห้งนั่นจะเป็นแต่เพียงแค่ยามระวังเหตุให้เราเท่านั้นมันไม่สําคัญเท่ากับน้าํายาฆ่าแมลงที่ผมหยดเอาไว้รอบๆกลิ่นมันแรงมากมันจะเป็นเกราะป้องกันเราอย่างดีที่สุดสัตว์ป่าทุกชนิดโชยกลิ่นน้ํายาชนิดนี้เข้าจะไม่มีวันแยกไกลเข้ามาใกล้เป็นอันขาด ถ้ายังขืนเข้ามาอีกก็เรียกว่าผิดวิสัยเชิอถามมองดูหน้าพรานใหญ่อย่างอดที่จะทึ่งไม่ได้ไม่ไวายที่จะคิดอยู่ในใจว่าบุรุษผู้นี้เหมาะสมแล้วที่มีอาชีพหากินอยู่กับป่าดูเขาช่ำชองจัดเจนการใช้ชีวิตอยู่ในป่าทุกกระเบียดนิ้วไม่มีอะไรบกพร่องเลยจนนิดเดียวคุณเพิ่งจะมาใช้ยานี้เอาคืนนี้เองนะหรือที่แล้วมามันไม่จะเป็นครับแล้ผินตอบอย่างสงบ มือนวนอยู่กับการทํางานอย่างแคล้วคล่องจัดการแยกไฟจากกองใหญ่มาสุมอยู่ทางด้านปลายเท้าของคณะนายจ้างเพื่อช่วยความอบอุ่นแต่สําหรับคืนนี้และคืนต่อไปมันจะเป็นแน่แน่เพราะตามที่ผมได้เรียนแล้วพวกเราจะต้องนอนหลับกันทุกคนไม่มีการอยู่ยามเราต้องหาวิธีที่ปลอดภัยที่สุดเอาไว้ก่อนลําพังควันไฟหรือกิ่งไม้แห้งที่สะไว้อย่างเดียวบางทีมันก็ช่วยอะไรเราไม่ได้นักถ้าบังเอิญอ่อนเพียหลับสนิทไปพร้อมกันหมด แต่กลิ่นยาชนิดนี้มันจะเป็นรั้วอีกชั้นหนึ่งกันเราไว้ธรรมชาติของสัตว์ป่าทุกชนิดพอได้กลิญญ่นยาฆ่ า, มาแมลงมันก็เปิดไม่อยากจะแ ผ, ผ่วพานเข้ามาใกล้ตามปกติถ้าผมนอนป่าคนเดียวกลางดินและอยากจะนอนให้หลับสบายโดยไม่ต้องมาคอยกังวลสะดึง้งตื่นอยู่ผมก็มักจะใช้วิธีหยดยาฆ่ า, มาแมลงชนิดนี้ไว้เป็นรัศมีห่างๆรอบตัวเสมอเท่าที่ปรากฏมาก็ไม่เคยเห็นมีอะไรย่างกายเข้ามารบกวนตลอดทั้งคืน น้ำยาอะไรนะชา ย, ยันถามอย่างสนใจเพราะต้องการจะถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างในเชิงปากจะพรานให ญ, ญ่ให้ได้มากที่สุดอยู่แล้วแล้วผิ่นก็หยิบขวดน้ำยาเคมีชนิดนั้นส่งไปให้แทนคำตอบคณะในจ้างทั้งสามผลัดกันเอาไปพิจารณาจนทั่วความรู้ใหม่อีกแล้วชา ย, ยันพึมพามในตาเป็นประกายหัวเราะออกมาก่อนส่งขวดคืนไปให้ไม่ยักรู้มาก่อนว่าคุณมีรูปไม้ดีประจาตัวอย่างนี้ ไม่น่าถึงได้นอนได้ทุกแห่งในป่าอย่างไม่อนาทรรอบตัวสารพัด ส, สารเพเลยนะผู้ ก, กองเรียนจากคุณไม่รู้จักหมดจากสิ้นความจริงมันก็เป็นเรื่องพื้นๆธรรมดานี่เองแต่พวกเรามองข้ามมันไปเสียจริงสิเสือช้างกวางแรดมันก็ต้องเปิดแนบเป็นหมดลงถ้าได้กลิ่นไอ้นี่ถ้ามันไม่ใช่เสือสมิงอย่างไอกุดหรือช้างเหลือขออย่างไอแวงหัวแหลมชมัด เสียงแหนมเบาๆมาจากนักมนุษย์วิทยาศาสตร์วิยายคนสวยรู้เคดแล้วไมิหน้าล่ะสงสัยมานานน้ว่าทำไมถึงเก่งกาดนัดเก่งกว่าพานพื้นเมืองเสียอีกที่แท้ก็เอาความฉลาดรู้มากอย่างคนที่เจริญแล้วมาเป็นข้อได้เปรียบพวกพานพื้นเมืองคนอื่นๆเขาอย่างนี้นี่เองนึกว่าจะแน่สักแค่ไหนเอาเปรียบสัตว์สารพัดครั้งแรกนึกว่าฝีมือเสียอีก เธอเราเป็นคนมันเป็นสัตว์เจ้าฝีมืออย่างเดียวไปขับเคี่ยวกับมันได้ยังไงล่ะครับถ้าไม่งั้นเราก็ควรสู้กับเสือหรือช้างด้วยมือเปล่าไม่ควรจะใช้ปืนแต่ถ้าคุณหญิงเห็นว่าผมเอาเปรียบและไม่ยุติธรรมกับพวกมันทั้งๆ ท, ที่สวัสดิภาพของคุณหญิงเองก็ขึ้นอยู่กับข้อที่ถูกเรียกว่าเอาเปรียบนี้ด้วยคืนต่อๆไปผมก็จะได้ไม่ต้องหยอดยาไล่มันใช้วิธีนอนฟังเสียงเอาเอาเหอะเอาเหอะ ตามวิธีของคุณก็แล้วกันไม่ขอคัดค้านวิต้ อ, อะไรหรอกหญิงสาวรีบบอกมาโดยเร็วทุกคนหัวเราะว่าแต่จะต้องใช้น้ำยายี่ห้อนี้อย่างเดียวเท่านั้นหรือถึงจะส่งกลิ่นไล่พวกมันไปได้ชายันถามมาผมเคยใช้ชนิดนี้อยู่เป็นประจำครับแต่เชื่อว่าชนิดอื่นก็น่าจะใช้ได้ถ้ากลิ่นมันฉุนเหมือนๆกันเป็นอันว่าคืนนี้พวกเรานอนกันได้อย่างไม่ต้องกังวลงั้นหรือ พวกคุณนอนให้หลับสบายเถิดครับปวดอย่ากังวลอะไรไปเลยปล่อยแพละให้ผมกับพวกนี้เองทุกคนเอนตัวลงนอนประจำที่ของตนความเงียบสงัดของป่าใหญ่และความหนาวเย็นแทรกซึมไปทุกขุมขนระยะเวลาก่อนหน้าที่นิทราลมจะคลืบคานเข้ามาครอบงำนี้ต่างปล่อยความคิดให้ร่องรอยไปตามอารมณ์ซึ่งส่วนมากมันไปอยู่ที่อนาคตของการเดินทางอันเป็นภาพที่ดามืดเกินความคาดกะเนดได้ทั้งมวล เสียงนกกลางคืนร้องมาเป็นระยะนานๆจะได้ยินเสียงช้างแหวกสายลมเบ้าขึ้นมาจากขบลึกเบื้องล่างสลับไปกับเสียงเห่าหอนของหมานตะเกียงรั้วที่จุดแขวนไว้บนปลายไม้กลางบริเวณสาดแสงเพียงสลัวรางและเปลวไฟในกองแลบเต้นอยู่ไปมาตามกระแสลมและคนไปกับเสียงแตกประทุเบาๆของฟืนดาลินนอนกอดอกลืมตาโพรงจับอยู่ที่หลังคาผ้าพลาสติกที่มุงขึงอยู่เตีย้ยเตี้ย เชิดาเอาหมวกครอบปิดหน้าลงส่วนชายยานยังนอนสูบบุหรี่แดงๆงหน้าเชิงผาลิมต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ชดประชากรหรือหม่อมราชวงศ์อนุชาวราลิ์ได้เคยมาพักนอนอยู่ก่อนแล้วและบัดนี้คณะของฝ่ายติดตามก็ได้มาหยุดพักนอนซ้ำรอยโดยบังเอิญที่สุดโดยไม่อาจคิดคำนึงได้ว่าฝ่ายที่ร่วงหน้าไปก่อนเมื่อขวบปีที่แล้วมานั้น ป่านนี้เป็นตายร้ายดีอยู่ที่ใดเสียงกลนดังแข่งกันมาจากทางด้านพวกคูกหาบมีเสียงถอนหายใจของใครคนหนึ่งในกลุ่มของนายจ้างแล้วก็มีเสียงไหวตัวเบาๆจากนั้นไรเตอร์จึงสว่างวูบตรงกลางดาลินจุดบุรียังไม่รับอีกหรือน้อยเสียงชายยันพึนมพำถามเบาๆยังนี่เห็นจะมีเราเตื่นกันอยู่สองคนเท่านั้นกระมังเสียงกระซิบตอบ ฉันก็กำลังจะหลับอยู่เหมือนกันฉันรบกวนเธอหรือดาลินเพยเยอตัวขึ้นขยับจะดับบุหรีกับก้อนหินเหนือศีรษะเพราะเข้าใจว่าควันไปรบถูกหน้าชัยยันแต่เพื่อนชายที่บอกมาว่าเปาล่าหรอกสูบเสียให้หมดตัวก็ได้แล้วนอนเสียเอาแรงไว้อย่าลืมว่าเราต้องเดินกันหนักหญิงสาลุกขึ้นนั่งพิงย่ามหลังที่ใช้เป็นหมอนหนุนศีรษะนั่งสูบบุหรี เมื่อมองดูกองไฟทางด้านตายเท้าอยู่คนเดียวเงียบๆขณะหนึ่งหล่อนเหลือไปเห็นชายยันดิมตามองนิ่งมาจึงฝืนยิ้มให้เพื่อนหนุ่มยันกายขึ้นนั่งด้วยเอื้อมมือไปหยิบกระติกบรรจุบรันดีเปิดจุกออกดึงแล้วมองดูใบหน้าซีเสียวของดาลินส่งบรันดีมาให้แต่หล่อนสันศีสษะเป็นอะไรไปล่ไม่สบายหรือเปล่าหญิงสาวสันศีรษะเปล่า กังวลที่ไม่มีใครอยู่ยามกลังนักมารุษยาสาถอนใจเบาๆมองดูบุหรี่ในมือที่ส่งควันอยู่กลุ่นๆไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกชา ย, ยานันหล่อนพูดแผ่วเบาน้ำเสียงเศร้าเต็มไปได้วยแวลกังวลเป็นทุกข์ฉันคิดถึงพี่กลางอย่างไรบอกไม่ถูกมารู้สึกเอามากในคืนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่รู้ว่าพวกเราได้มานอนภักอยู่ตรงที่ซึ่งเขาเคยนอนมาก่อนแล้วเลยทาให้นอนไม่หลับ เนินการอะไรก็ไม่รู้ทําให้พี่น้องเราต้องพลาดพลาดกันอย่างนี้ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาจะนึกรู้บ้างไหมเนาะว่าพวกเรากําลังติดตามค้นหาเขาด้วยความยากแค้นทรามานถึงเพียงนี้ชายยันยิ้มให้อย่างปลุกปลอบใจเอื้อมมือมาจับแขนหญิงสาวบีบเบาๆไม่เพียงแต่เธอหลอกน้อยเชษฐาหรือฉันก็มีความรู้สึกอย่างเดียวกันกับเธอนั่นแหละแต่เราก็ไม่สามารถจะทําอะไรให้ดีไปกว่านี้ ถึงอย่างไรเราก็กำลังออกติดตามเขาหยุดแล้วอย่าคิดอะไรให้มากเลยสงบใจนอนให้หลับดีกว่าเอาแรงไว้สู้กับเหตุการณ์ข้างหน้าดารินมองดูอดีตนายทหารปืนใหญ่ด้วยประกายตาอันรักสนิทซึ้งดุดพี่น้องร่วมสายรหิตความจริงมันไม่ใช่ธุระอะไรของเธอเลยนะชัยยันที่เธอต้องมาปล่อยทุกยากทรมานเสี่ยงชีวิตติดตามพี่กลางในครั้งนี้ด้วย เธอควรจะมีความสุขอยู่ในเมืองกับใครสักคนหนึ่งที่เธอรักและเขาก็รักเธอเธอดีกับพวกเราหรือเกินไม่ใช่พี่น้องก็เหมือนพี่น้องเลิกพูดอย่างนี้เถะทีเถอนน้อยเพื่อนชายกล่าวขึ้นขลิมใบหน้าเคร่งลงเธอเป็นผู้หญิงคงไม่เข้าใจหรอกว่านิตพภาพระหว่างผู้ชายแต่ผู้ชายด้วยกันนั้นน่ะมันมีความหมายลึกซึ้งขนาดไหนฉันสืบข่าวติดตามหาอนุชาตั้งแต่เขาเริ่มหายสาบสูญไปในระยะต้นๆแล้ว แต่มันมืดไปหมดกว่าที่จะทำความเข้าใจกับเชิดถาได้เหตุการณ์มันก็ล่วงเลยมาถึงปีกว่ามันก็เป็นเวลาเดียวกับที่เธอกลับจากอังกฤษและช่วยพูดกับพี่ชายใหญ่ของเธออีกคนหนึ่งนั่นแหละเรามาแววข่าวเขาและเริ่มออกติดตามแท้จริงมันก็เกิดจะเรียกได้ว่าสายเสียแล้วอย่างที่เห็นเห็นกันอยู่นี่การค้นหาเพื่อนรักคนหนึ่งนั้นถือเป็นหน้าที่ของฉันเหมือนกัน มันไม่ได้ดีกว่าเธอผู้เป็นน้องและเชษฐถาผู้เป็นพี่ของคนคนนั้นหรอกและไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแม้ถึงขั้นชีวิตฉันก็พร้อมแล้วยิ่งกว่านั้นเหตุการณ์มันก็ผูกพันแน่นแฟน้นไปหมดทุกด้านนอกจากหน้าที่ในฐานะเพื่อนระหว่างฉันกับอนุชาแล้วระหว่างฉันกับเธอและเชษฐถาฉันก็ทิ้งไม่ได้อีกเหมือนกันหญิงสาวหน้าผากซบกับไหล่ของชายยัน ฉันไม่รู้จะขอบใจเธออย่างไรถูกในความรู้สึกอันแสนดีที่เธอมีต่อพวกเรามาตลอดไม่เสียแรงนะที่เราเห็นกันมาแต่เล็กแต่น้อยฉันยังจำได้แต่ไหนแต่ไรมาแล้วเธอเป็นคนดีน่ารักช น, นิดเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยส่วนฉันก็เป็นคนนิสัยไม่ดีมาแต่เด็กเหมือนกันติดตัวมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เธอไม่เคยโกรธถือโทษฉันเลยแม้ว่าฉันจะ เอาแต่ใจตัวเกะกะเกเลเอแผลงฤทธิ์เอากับเธอมาสารพัดตั้งแต่สมัยที่เรายังเป็นเด็กอยู่ด้วยกันบางขณะฉันคิดว่าฉันควรจะต้องตอบแทนความดีของเธอให้คุ้มค่าบ้างแต่ก็นึกไม่ออกว่าจะหาวิธีตอบแทนยังไงชั ย, ยันยิ้มโอบแขนกอดไหล่ลาจะสกุลสาวไว้อย่างอ่อนโยนและตบที่ไหล่นั้นเบาๆเธอเป็นน้องเล็กของเราสามคนน้อยเมื่อเด็กๆอนุชา ห, หรือเชิฐาลังแกเธอ ฉันก็ยังป้องกันไว้ทุกครั้งแม้แต่จะต้องฟาดปากกับเจ้าสองคนนั่นและเธอก็เคยเอาไม้ไล่ตีเจ้าสองคนนั่นเมื่อเขาช่วยกันลุมต่อยฉันคนเดียวถึงเราจะไม่ได้เกิดจากพ่อแม่เดียวกันไม่ได้เป็นวงศาคนาญาติอะไรกันเลยแต่เราก็เป็นพี่น้องกันได้ทั้งสี่คนอย่าคิดอะไรให้มากไปเลยขอให้รู้ไว้ว่าฉันจะไม่มีวันทิ้งเธอเชาิาหรืออนุชาหรอกช ย, ยันฮะ เธอคิดว่าเธอต้องการอะไรจากฉันบ้างไหมคิดว่าคงไม่มีหรอกนอกจากความเป็นอันหนึ่งอันเดียวเสมือนเราเป็นสายโรหิตคลานตามกันออกมาตลอดไปเช่นนี้ชั ย, ยันตอบท่อตาเืลอออกไปดูแสงไฟในกองแวตาแฝงรอยคริมเศร้าลึกซึ้งควักบรีออกมาจุดสูบขึ้นมาอีกมวนหนึ่งอัดควันลึกเธอก็ได้อยู่แล้วในสิ่งนั้นฉันก็พอใจที่สุดแล้วช ย, ยัน เคยคิดที่จะแต่งงานกับฉันบ้างไหมอีกฝ่ายอึ้งแล้วยักไหล่เป่าบุหรี่เป็นทางยาวไม่กล้าคิดหรอกแต่เพียงฝันฝันในขณะหลับไปเท่านั้นเมื่อรู้สึกตัวสติกับคืนมาก็อายตัวเองทำไมถึงจะต้องอายมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ติดขัดอะไรหรือแม่ละติดขัดมากที่สุดอะไร เธอไม่มีหัวใจในด้านนั้นให้แก่ฉันฉันฉันอาจพยายามก็ได้นะร่อนกระซิบเหมือนรำพึงตาทอดติดจับอยู่ที่กองฝ่ายกองเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งยิ้มมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกน้อยฉันจะเป็นตัวนำทุกทรามานไห้เธอเสียเปล่าซึ่งฉันเองก็ไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นเดีย๋ยวเป็นห่วงฉันเลยในด้านนั้นเดีย๋ยวใช้ความพยายามถึงอย่างไรมันก็ไม่สาเร็จในเมื่อหัวใจมันไม่มีอยู่เป็นทุน จงรักฉันอย่างที่เธอรักเชิฐถาและอนุชาเถิดตลอดเวลาที่เราครบกันมาเธอเคยเห็นฉันแสดงอะไรเป็นการเห็นแก่ตัวบ้างไหมไม่เคยเลยดังนั้นให้ฉันมีความภาคภูมิใจในสันดานส่วนนี้ของฉันตลอดไปเถิดฉันฉันไม่ควรจะพูดว่าฉันเจะพยายามเลยนะถึงไม่พูดฉันก็รู้ตัวดีมานานแล้วบอกแล้วอย่างไงว่าไม่ต้องกังวลอะไรกับฉันในเรื่องนี้หรอก สมมติว่าฉันจะแต่งงานกับใครสักคนฉันก็จะแต่งงานกับคนที่ฉันรักเขาและเขาก็รักฉันไม่ใช่ฉันรักเขาข้างเดียวส่วนก็มีแต่ความเวทนากรุณาน้ำใจให้อย่างเดียวไม่มีความรักเป็นพื้นฐานที่จะมอบให้ได้น้ำใจของรูปผู้ชายอย่างเธอเป็นสิ่งที่ผู้หญิงควรเคารพขอโทษ ด, ด้วยนะถ้าฉันจะพูดอะไรทาให้เธอไม่สบายใจฉันก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเหตุไรจึงพูดเรื่องนี้กับเธอราติสวั์ หล่อนจู่แผ่วแลเร็วที่แก้มของชัยยันแล้วเองตัวลงนอนหลับตาพลิกตะแคงไปดังด้านพี่ชายที่นอนขนาดอยู่อีกด้านหนึ่งปล่อยให้เพื่อนชายนั่งสูบบุหรี่เงียบๆอยู่คนเดียวพร้อมกับห่วงคิดที่ไม่มีสิ่งใดสามารถถ่ายถูกได้ชัยยันสูบบุหรี่จนหมดตัวนั่งกอดข่าวสดับฟังเสียงไพรลึกยามราตรีอีกครู่หนึ่งก็ปิดปากหาวซุกตัวเข้าไปอยู่ภายใต้ผ้าคลุมแล้วก็ผล็อยหลับไปง่ายๆตามนิสัย จากเสียงกลเบาๆได้ระดับของชายยันอันแสดงว่าหลับสนิทแล้วนั่นเองผู้ที่นอนเอาหมวกครอบหน้าขนาดอยู่ทางด้านขวาจึงค่อยๆไหวตัวอย่างเบากลิบเสยปีกหมวกขึ้นดารินวราดิ์เข้าใจผิดถนัดเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่เพียงหล่อนและชายยันเท่านั้นที่ตื่นสนทนากันอยู่หากแต่ยังมีใครอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้หลับลงเลยแม้แต่หยีบเดียว ยกเว้นแต่จะนอนสงบนิ่งเงียบงานเหมือนป่าจากความรู้สึกใดๆทั้งสิน้นทั้งๆที่ประสาททุกส่วนตื่นพร้อมรผินไพยวันผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของชีวิตผู้ร่วมคณะทุกคนผู้หญิงช่างเป็นเพศที่อ่านหัวใจยากสีนิกรไรอดีตนายร้อยตำรวจเอกตะเวนชายแดนผู้มหาเลียงชีพด้วยวิชาพรานโดยผิวเผินเบื้องนอก ห่อนคือขมิ้นกระปูลทีเดียวสําหรับนายทหารหนุ่มเพื่อนเก่าแก่คนนั้นทั้งๆ ท, ที่ในส่วนลึกหล่อนแสนที่จะสนิทสนมกลมเกลียวเอื้ออารีเห็นอกเึ็ใจสหายต่างเพศผู้นั้นจนเขาอดที่จะภูมิใจแทนให้แก่ชายันไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาพอจะประจักแล้วร่อนพร้อมเสมอที่จะแต่งงานกับชายันเพียงแต่ว่ารอให้อีกฝ่ายหนึ่งเสนอมาเท่านั้นทว่าบุรุษผู้นี้หญิงเกินไป เป็นลูกผู้ชายแท้ๆที่ไม่ตราสถนาจะหักราน้ำใจฝ่ายตรงข้ามทั้งๆ ท, ที่ตนเองก็อาจมีสิทธิอย่างเต็มที่ถูกของชายยันแล้วรักเขาเพียงข้างเดียวแม้จะได้ตัวมาก็ไม่มีประโยชน์อันใดแต่ความเห็นอกเห็นใจย่อมเป็นฐานคอนกรีตอันมั่นคงที่สุดของความรักดาดินมีรากฐานอันมั่นคงนี้ไว้สำหรับเพื่อนชายแล้ว อาคารแห่งความรักมันน่าจะ ก, ก่อสร้างขึ้นมาได้บนฐานนี้ไม่ช้าก็เร็วอาจเป็นระยะที่บุกบั่นฟันฝ่าท่องไพรอยู่ด้วยกันนี่แหละและจะว่าอันที่จริงคนทั้งสองก็เหมาะสมทับเทียมกันที่สุดในทุกด้านขอให้ชัยยันจงสมประสงค์ในจิตตนารมณ์ของเขาเถิดคนที่รักร้างมาก่อนแล้วช่วยภาวนาให้ณนะที่ใดที่หนึ่งครับคล้ายครับข่าวว่า จะเคยได้ยินบทลำพึงเศร้าๆของใครสักคนหนึ่งบรรยายออกมาเป็นลำนำเพลงข้อความของมันน่าจะถอดออกมาได้ดังนี้อนิจจาความรักเจ้าเอ๋ยเจ้าช่างเป็นแต่เพียงฝันหวานลอยระเริงอยู่ในห้วงลำพึงของข้าเท่านั้นเองหรือเนบัตนี้ข้าได้ประจักษ์แล้วว่า อนุภาพแห่งความรักมันหนักร้นเพียงใดโฉดชนที่ไม่เคยเข้าถึงในกฎแห่งวังวนของความรักเท่านั้นจึงจะใจดำกระด้างเสมือนที่เจ้าได้ปฏิบัติต่อข้าดุจชนิรักข้าย่อมอุปมาเพียงเศษทุเรีันไร้ค่ามาดว่าปราศจากเจ้าเสียแล้วชีวิตข้าจะไม่มีการเริ่มต้นฉะนั้นจงรักตอบข้า ให้ดุจเดียวกับที่ข้าได้รักเจ้านั้นเถิดช่วยทำชนชีพของข้าให้คืนคงขึ้นมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปตามคันรองของมันเช่นที่ได้ตั้งกาถนาอธิษฐานไว้ในห้วงจินตนาการของข้านั้นเถิดรพินไัยวันถอนใจลึกค่อยๆขยับกายลุกขึ้นอย่างแผ่วเบาเดินไปเอาฝืนใส่กองไฟที่กาลังมอดแดง เปลาให้เปลวลุกติดขึ้นอีกครั้งและเอามืออิงผิงไออุ่นอยู่ที่นั่นนานสักเท่าใดไม่ทราบเขาตื่นจากภาวังแสงไฟฉายศาสจ้าจับมาที่เบื้องหลังเหลวกลับไปก็ต้องยกมือขึ้นป้องเพราะตาฟางอึดใจต่อมาไฟฉายดวงนั้นก็ดับวูบใครคนหนึ่งลุกขึ้นเดินออกมาจากใต้เพลิงกันน้ำค้างบอกว่าจะนอนกันหมดทุกคนแล้วทำไมตัวเองถึงมานั่งหยิดอย่างนี้ เสียงเบาแต ก, กระด้างไว้อำนาจถามมาไฟมันมอดก็เลยลุกขึ้นมาใส่ฟืนเขาตอบลอยๆโดยไม่มองหนะ้าดีนะที่มีซัดเปรียงเข้าให้ลืมตาขึ้นมาเห็นอะไรก็ไม่รู้นั่งอยู่ริมกองไฟรูปร่างของมันผิดวิกฤแปลกตาไปดูไม่ใช่คุณเลยพอฉายไฟนั่นแหละถึงจำได้และก็จริงดังเช่นที่พูด ในมือของน้องสาวคนสวยของนายจ้างยังถือปืนสั้นง้างนกไล่อยู่ในมือเพิ่งจะรถนกสอดกลับเข้าซองข้างเอวเมื่อมายืนอยู่ตรงหน้าเขาและพิณภัยวันยิบเนเนื่อยน่าเสียดายที่ไม่ยิงใส่ฟืนเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วแล้วทำไมถึงยังไม่ไปนอนนอนไม่หลับทำไมมันหนาวต้องลุกขึ้นมาผิงไฟ ชายผู้ห่มทางด้านชายยานเหลืออีกตั้งร่วมว่าทําไมไม่นอนนิชิดเข้ามาแล้วเอาชายผ้าห่มนั่นลูกจ้างไม่อาจเอื้อนพอที่จะห่มผ้าห่มผืนเดียวกับนายหม่นไส้เมื่อไหร่จะเลิกสมบัติสํานวนชวนเกลียดที่นหน้าอย่างนี้เสักทีฉันพยายามจะญาติดีกับคุณจนถึงที่สุดแล้วนะนไหนๆก็ร่วมหัวจมท้ายกันจนถึงขั้นนี้แล้วขอบพระคุณเป็นอย่างมากในความพยายามเปิดอย่ากังวลกับผมเลย อย่าลืมว่าฉันเป็นนายมีสิทธิ์ที่จะออกคำสั่งได้ระพินผุดลุกขึ้นมองจ้องหน้าแต่เดี๋ยวบีบคอตายเลยคำก็นายสองคำก็นายจะข่มขู่กันไปถึงไหนร้ายกาจริงระพินนี่นี่บังอาจสามหาวกับฉันถึงเพียงนี้ทีเดียวหรอระพินร้องออกมาเสียงสั่นลืมตาโพงหน้าแดงกำเอาสิจะบีบคอฉันก็เอาเชิญพรานใหญ่ถอนใจเฮือกแววตาโรยลงบางขณะ ผมเป็นคนกลักค่ะหยาบช้าผมเสียใจคุณหญิงไม่ควรจะมายุ่งกับผมนักฉันเกลียดคุณผมทราบคุณช่วช้าสารเลวใช่แล้วบัดซบสามหาวด่าไปให้พอใจหรือทำอะไรสักอย่างก็ได้ที่จะให้คุ้มค่ากับโทษะไม่ทันจะขาดคำของเขาฝ่ามืออันหนักหน่วงที่สวมถุงหนังก็สะบัดปังเต็มเหนียวมาที่ใบหน้าของเขาจนหน้าสะบัด มันเป็นฝ่ามือของผู้หญิงก็จริงแต่เป็นฝ่ามือของผู้หญิงคนที่จับปืนมาแล้วมีหนามสามอย่างสวมถุงหนังและสุดแรงโทอะสะมันก็เกือบพอๆกับมือผู้ชายทีเดียวเลือดค้นไหลปีออกมาจากมุมปากของรพินภัยวันผู้ยืนหลับตาหน้าชาหูร่านกลิ่นไปทั้งแถบตกอีกหรือจะให้ยิ่งไปกว่านั้นอีกก็เอาเปืนยังไงละ่ะรับรองว่าจะไม่หลีกหรือหลบเลยดาลินตะลึงผงะหลังไปเล็กน้อย เมื่อมองเห็นเลือดจากริมฝีปากของเขากายสั่นเทากัดริมฝีปากแน่นแล้วทันทีนั้นเองก็ยกมือขึ้นปิดหน้าร้องไห้กระซิกออกมาถูกแล้วผู้หญิงยากนักที่ผู้ชายจะเข้าใจอย่าร้องไห้ดังไปปรเดี๋ยวคนอื่นตื่นมาเห็นเสียงเรื่อยๆดังมาให้หล่อนได้ยินเอาละ่ะเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็จําไม่ได้แต่ขอให้ได้ยินว่าขอโทษ คืนนี้ไม่มีแรงเพราะโกรธมากนอนเอาแรงเสียพรุ่งนี้ตกใหม่ก็ได้คนใจร้ายพลอยทำให้ฉันเป็นคนใจร้ายไปด้วยหล่อนพูดในขณะที่ร้องไห้ซบหน้าอยู่กับฝ่ามือเช่นนั้นสะอื่นฮักครับผมใจร้ายแต่ก็เพื่อปลอบใจตัวเองเท่านั้นเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้ฉันต้องมาพบคุณไม่เพียงแต่คุณหญิงเท่านั้น ผมเองก็คิดอยู่ทุกขณะจิตคิดจะนอนไม่หลับต้องลุกขึ้นมานั่งอยู่นี่ผมเตือนแต่แรกแล้วคุณหญิงไม่ควรเดินทางมาในครั้งนี้เลยหรืออย่างน้อยก่อนจะออกเดินทางมาก็ควรแต่งงานกับคุณชายยานเสซฟก่อนมันจะเป็นกุศลกับผมไม่ใช่น้อยดาลินเอาผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาแล้วถอยร่างอย่างหมดเรียวหมดแรงไปนั่งบนขอนไม้เสียงเครือสะอื้นถ้าเรามีชีวิตรอดกลับมาได้ในการเดินทางครั้งนี้ ฉันตั้งใจไว้แล้วที่ฉันจะแต่งงานกับเขาแล้วหล่อนก็เงยหน้ามองดูเขากระชักเสียงมาปนร้องไห้ไม่ต้องมาสะเอิดแน่หรอกไม่ใช่เรื่องของคุณครับผมมันสะเอิดสะเอิดไปเสียหมดทุกอย่างกลับไปนอนเสเถอะไม่ไปถ้างั้นผมไปเองไปเถอะแล้วพีนหมุนตัวกลับเดินดุ่มตรงไปยังที่ของเขา แต่ก้าวออกมาได้เพียงส5 9ห้าก้าก็ชะงักหันกลับมาดูเห็นหม่อมราชวงศ์สาวเจ้าอารมณ์นั่งอมือเท้าคางมองดูกองไฟอยู่เช่นนั้นแล้วก็ตัดสินใจเดินกลับไปที่ล้มตัวลงนอนหลับตาเสียนานเท่านานดาลินคงนั่งซึมอยู่ที่เก่าครั้นแล้วเงาอันสูงใหญ่ของชายคนหนึ่งก็ค่อยๆลุกขึ้นเดินตรงเข้าไปที่รอนอย่างเช่มช้าคนนั้นคือคนใช้ชาวรงแง่ทราย นายหญิงลุกขึ้นมานั่งอยู่ทำไมคนเดียวเสียงห้าทักมาจากฝั่งตรงข้ามของกองไฟที่ขวางหน้าอยู่หญิงสาวก้มลงซ่อนคราบน้ําตาใช้ผ้าชิ้นหน้าซับจนแห้งสนิทแล้วเหนือยขึ้นสดัดผมฝืนยิ้มไฟมันมอดหล่อนตอบเหมือนใครคนหนึ่งที่ตอบหล่อนมาแล้วด้วยประโยคเช่นนี้เมื่อครู่บังคับเสียงให้เป็นปกติก็เลยลุกขึ้นมาใส่ฟืนปล่อยให้แย่ทายทำนายหญิงเป็นนอนจะ ด, ดีกว่า ไม่เป็นไรหรอกฉันจะนั่งผิงไฟสักครู่เธอนั่นแหละกลับไปนอนเสียไม่ต้องห่วงฉันในตาขมลึกเป็นประกายจากใบหน้าสีทองแดงนั้นจับนิ่งมาที่รอนพร้อมกับอาการยิบน้อยมีอะไรที่แงซายจะรับใช้นายหญิงได้บ้างฆ่าคนคนนั้นถ้าเธอทำได้ดาลินพองออกมาโดยไม่รู้สึกตัว พร้อมกับบุยป่าไปทางร่างของพรานใหญ่ที่นอนหงายเหยียดยาวสงบนิ่งอยู่ใกล้ๆกับชายยันห่างออกไปหล่อนเห็นคนใช้ชาวโดงแยกเคี้ยวเห็นฟันเป็นเงาวับและ ท, ทันทีนั้นก็เคลื่อนออกจากที่อย่างบากริบตรงดึงอ้อมเข้าไปทางด้านศีรษะของนพินผู้นอนนิ่งอยู่เป็นหนึ่งอาการของผู้สมิงที่ย่องเข้าหาเหยื่อตามประกาศสิทธิ์โบาราณที่เจ้านายใช้มาด้วยอารมณ์แล้วก็มาหยุดยืนเป็นเงาทะเบนอยู่ห่างเพียงสองก้า สมมติว่าถ้าแกได้รับคำสั่งให้มาฆ่าฉันแล้วก็ลงมือได้จอมพานพูดขึ้นมาอย่างแผ่วเบาราบเรียบ ท, ทั้งทั้งที่ดวงตาปิดผมจะฆ่าผู้กองหรือผู้กองจะฆ่าผมไม่เป็นสิ่งที่ยากนักหากเราจะประจันหน้ากันเป็นงสองต่อสองแต่ถ้าเราจะฆ่ากันในขณะนี้ผมต้องเป็นฝ่ายถูกฆ่าก่อนแน่มันไม่เป็นสิ่งยุติธรรมนักไม่ใช่หรือเป็นคากระซิบตอบที่ราบเรียบพอๆกัน หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าคนที่ออกคำสั่งให้ผมมาฆ่าผู้กองคงจะส่งลูก ป, ปืนมาเด็ดหัวใจผมเสียเองก่อนหน้าที่ผมจะทันแตะต้องผู้กองแม้แต่ปลายเล็บแกเป็นคนฉล า, าดแง่สายแต่สำหรับครั้งนี้แกอ่านโง่ก็ได้ที่อ่านไปในรูปนี้ถ้าเกมนี้ไม่เสี่ยงจนถึงขั้นเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วก็ผมอยากจะทดลองดูเหมือนกันว่าผมอ่านผิดหรือถูก แกจะมาบอกฉันเพียงแค่นี้เองหรือมดขนไข่กลางดึกฝนอาจตกหนักให้มันตกลงมาซสก่อนแล้วค่อยแก้ไขคอยเฝ้านายหญิงของแกไว้ด้วยถ้าเธอยังไม่กลับเข้านอนแกยะนอนเป็นอันขาดฉันจะหลับละแง่สายถอยห่างออกมาดาฮรินผ่อนลมหายใจที่กลั้นไว้ออกมายาวเยือกไม่เจ้าขุนใช้ชาวโดวงเดินหน้าตาเฉยกลับมาที่่อนอีกครั้งฝืนใจถามว่า ย่องเข้าไปจนถึงคอหอยแล้วทำไมถึงถอยกลับมาเสียยังไม่ได้โอกาสเขาหลับสนิทเมื่อใดแง่ท า, ายจะลงมือเมื่อนั้นคำตอบนั้นทำให้คนได้ยินถึงกับใจหายตายละ่ะนี่จะทำยังไงดีไม่ต้องนั่งเฝ้าคนคนนั้นตลอดทั้งคืนหรือเพราะอุดตลิบคลั้งปากออกไปเช่นนั้นแต่ไหนแต่ไรมาแล้วพิสูจน์ได้ว่าเจ้าคนใช้ชาวโดงของหล่นคนนี้ สามารถปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างตามคําสั่งของหลอนได้เสมอไม่มีบุกพ้องลักษณะท่าทีของมันที่ย่องกลบเข้าไปยังพรานใหญ่ทันทีที่หลอนออกคําสั่งก็บ่งชัดอยู่ว่าเอาจริงแบบถือบัญชาประกาศสิทธิจนหอนถึงกับต้องใจหายใจคว่ำภาวนาอยู่แง่ทายจะเข้าใจบ้างหรือเปล่าว่าคําพูดของรลอนปราศจากความหมายใดๆทั้งสิ้นมันเป็นเพียงแค่การระบายอารมณ์ค้างของผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้น รวมทั้งการประชดแดกดันซึ่งตรงข้ามกับหัวใจใครจะนึกว่าจะมีจะงโม่เ ง, ง่าพาซื่อเช่นนั้นดาลรนคำหนึงกับตนเองอย่างขวัญระทึกพยายามอ่านสีหน้าและแววตาของเจ้าคนโดงร่างยักษ์ผู้เปียบประหนึ่ง ท, าท่าผู้ซื่อสัตว์ของรอนแต่ก็อ่านอะไรไม่ออกจากเขาหน้าตายอันดูยากนั้นง้นไปครู่ใหญ่คนที่ใจมีเฮี้ยมจริงเหมือนปากก็ต้องยอมแพ้ ถูกสอนกลดเอาเสียอย่างสนิทตามไม่ทันแง่ท า, ายหลอนหลุดปากออกมาตะกุกตะกักนายหญิงไม่ต้องกังวลแง่าสายกระซิบอาการขึงขังน่ากลัวถ้าแง่ท า, ายฆ่าผู้กองไม่สําเร็จยอมให้ตัดหัวนายหญิงนอนให้หลับสบายเถิดตื่นมาพรุ่งนี้เช้ารับรองว่าแม้จะเสิบของเขาก็จะไม่มีใครเห็นจะไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจะหายไปเฉยเฉยแล้วแง่ท า, ายจะนําทางให้เอง ไม่ย่านะด่าดินร้องนั่นออกมาอยู่างืมตัวกายสัน่นอย่าฆ่าเขาอย่าทําเป็นอันขาดได้ยินไหมองค์คณะประจําตัวของหล่อนทําสีหน้าเตือนตาใจเหลียวมองไปรอบๆกิริยาปนหนึ่งระแวงแผ่วสีกระสิบเบาลงอีกนายหญิงไม่ได้สั่งแง่ทายให้ฆ่าเขาหรอกหรืแง่ทายขอผัดให้ผู้กองหลับก่อนแล้วจะลงมือทําไมนายหญิงกลับใจเร็ว หญิงสาวสันรีสะโดยแรงจนผมกระจายหล่อนตกใจเอาจริงๆพูดปากคอสันฉันพูดเล่นนะเข้าใจไหมฉันไม่ได้หมายความว่าที่จะให้เธอฆ่าเขาจริงนายหญิงพูดเล่นเจ้าคนดวงผู้ลึกลัตทำสีหน้าซื่ออย่างสนิทดาลินยกมือรูปอ ก, อกหน้าซิ่ตายแล้วโทษนี่เกือบไปแล้วสิถ้าจะถือว่านั่นเป็นคาสั่งฉันก็ได้ถอนคาสั่งแล้วเด็ดขาด อย่าทำอะไรเ้าไม่ว่าหลับหรือตื่นต่อหน้าหรือรับหลังแล้วเมื่อไหร่รทั้งสิน้นได้ยินไหมรับคํำสิแง่ า, ายได้ยินแล้วนายหญิงแง่ท า, ายรับคําทื่อๆฉันจะแน่ใจได้อย่างไรนี่ฉันไม่ไว้ใจเสร็จแล้วหญิงสาวคลางออกมากับตนเองอย่างใจไม่ดีไว้ใจเถอะนายหญิงจะให้แง่ า, ายทําอะไรก็ได้ทั้งสิน้นนายหญิงเพียงแต่ออกคําสั่งมาเท่านั้น ถ้าให้ข้าพวกนี้ก็จะไม่มีผู้กองเหลืออยู่อีกทําไม่แย่ทายก็จะไม่แตะต้องดีแล้วขอบใจมากที่ซื่อสัตย์ต่อคำสั่งของฉันขอย้ำอีกครั้งว่าอย่าทําอะไรเขาอย่างเด็ดขาดเจ้าคนดงก้มศรีรษะลงอย่างหน้าตายซ่อนยิ้มหล่อนถอนใจยาวออกมาอีกครั้งหลับตาลงอย่างหมดแรงเอาละเธอไปนอนได้ฉันก็จะกลับ้็นอนเหมือนกันบอกมาอย่างไม่สบายใจนะัก เจ้าหน้าแง่ทายเหมือนจะคาดคั้นอีกครั้งแล้วเดินกลับเข้าที่นอนลืมตาโปรงกระสับกระส่ายคอยฟังเสียงอะไรอยู่ครู่ใหญ่ก่อนที่จะหลับผอยไปด้วยความอ่อนเพลียราวๆตีสองทั้งคณะต้องตื่นขึ้นมาอย่างชุรมูลฝนที่ซัดกระหน่ำลงมาอย่างหนักไยที่ก่อไว้ดับหมดทั้งหมดต้องย้อยย้ายเข้ามานั่งห่อตัวเบียดกันอยู่ภายใต้หลังคาคลุมของผ้าพลาสติกไม่เป็นอันหลับอันนอนเพราะละอองฝนที่ซัดเข้ามาจนเปียกโชกรอบด้าน ผ้ากันฝนผืนใหญ่อีกผืนหนึ่งนำมาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะต้องสละให้แก่สัมภระและสะเบียงซึ่งจะยอมให้เปียกน้ำไม่ได้บุญคำกับขยินช่วยกันเอาพั่วสนามที่มีติดตัวกันมาด้วยเร่มหนึ่งและมีดขุดเซาะรอบบริเวณที่ภาคใต้ดังคาคลุมให้เป็นร่องสำหรับทางน้ำไหลกันไม่ให้จงนองเข้ามาท่วมแต่ก็ น, นั้นตรงที่เอาผ้าใบปูไว้ก็ยังแฉะไปหมดต่างนั่งจับเจ้าตัวสั่นด้วยความหนาวเย็น อาศัยไอตัวของกันและกันฟังเสียงฝนซัดอู่ลงมากระทบราวป่ารอบๆและหลังคาที่ขึงไว้เร่งเวลาให้เช้าเสียโดยเร็วปริมาณน้ําฝนที่ร่นลงมาบนหลังคาขังเป็นแอ่งเพิ่มน้ําหนักถ่วงลงมาจะต้องคอยใช้ไม้งามค้ำยันให้น้ําขังอยู่หากเทลงกับพื้นอยู่บ่อยๆกันไม่ให้หลังคาที่ขังน้ําไว้ขาดลงมาเต็มไปด้วยความทุรักทุเลเทอมานยิ่ง สนุกจริงให้มันได้อย่างนี้สิโ้ยเทวดาชายยันสะบดอุบนั่งกอดเข่าคางสั่นกระทบกันหิบหึบดีเลิกเย็นอย่าไปด่าเข้าเดี๋ยวเทอเจ็วันเจ็คืนก็ตั้งนั่งต้องนั่งเป็นลิงอยู่บนต้นไม้กันหมดเท่านั้นเชิดาบอกอย่างอารมณ์ดีกางเสื้อฝนซึ่งคณะมีติดตัวมาเพียงตัวเดียวคลุมให้น้องสาวผู้ขดตัวเย็นสะท้านอยู่ตรงกลางและบอกให้ทุกคนเบียดชิดกันเข้ามาอีก ราตรีรอบ ด, ด้านมืดนิดไปหมดดูเสมือนอยู่ในเหวนรกไม่เห็นอะไรและไม่ได้ยินอะไรนอกจากพายุทีพ์พัดกิ่งไม้คลางอยู่คลืนครันและเสียงที่เทจากลงมาราวกับฟ้าร่วดเท่า น, นั้นมันตกหนักอยู่ประมาณชั่วโมงเศษพายุก็สงบสายฝนเดือเพียงพรำพรได้ยินน้ำจากในลาห้วยที่เคยแห้งใกล้ๆที่พักไหลอู้เชี่ยวกราแซ่ระงมประสาน ก, นกันกับเสียงกบเขียดที่ร้องอยู่รอบด้านทั่วไปเพราะได้น้ำ ต่างนั่งพิงกันหลับนกตลอดครึ่งหลังของราตรีจนกระทั่งสว่างคาดไม่ถึงมาก่อนหรือว่าฝนจะตกกลางคืนพรานใหญ่บอกกับนายจ้างของเขาเมื่อทุกคนตื่นขึ้นอีกครั้งตอนฟ้าเริ่มสางไม่งั้นยอมเสียเวลาตัดไม้มาปลูกล้านยกพื้นไม่ต้องเปียกฝนเหมือนอย่างเมื่อคืนเรื่องเล็กทดลองชิมกันสักบ้างก็ดีเชิฐาตบไหลเขาบอกมาอย่างไม่อินังต่อเหตุการณ์มันเป็นเช้าของอีกวันหนึ่ง ที่ดาดินวราฤิตเงียบขึมผิดสังเกตไปน่าจะสะกุลสาวกับพราหนุ่มไม่สศตามองหน้ากันเลยแต่เชษฐาและชายันไม่มีอะไรเฉลียวคิดค้นพบเข้าใจว่ามันเนื่องมาจากการกรากรมหนักต่อการเดินทางทำให้หญิงสาวขึมสงบเคร่งเครียดลงขณะนั้นเองระหว่างเตรียมเก็บของและหุงอาหารบุญคำกับขยินผู้ชวนกันเดินอกไปตักน้ามาสารอง ก็พากันจ้ำอ้าวหน้าตาตื่นเลิกกล้กขึ้นมาทั้งสองคนต่งเลีวเข้าไปซุบซิบอะไรกับจอมพรานผู้ บ, บัดนี้กำลังช่วยเกิดกับเสยมัดหอสัมภาระอยู่ชายยันหันไปสังเกตเห็นความผิดปกตินั้นก็สะ ก, กิดไปยังเชฐิฐาแล้วต่างมองจับอาการของคนเหล่านั้นอย่างสงสัยระยะมันห่างออกไปประมาณ29ชายยันอดรนทนอยู่ไม่ได้ขยับจะอ้าปากตะโกนถามออกไป แต่เชษฐายกมือห้ามไว้แล้วเดินตรงเข้าไปทันทีชา ย, ยันกับดาลินตามติดเข้าไปด้วยเกิดอะไรขึ้นและผินกัดริมฝีปากสีหน้าเต็มไปด้วยความคลางแคลงพิศวงใจอย่างไรพิกลคว้าไหล่เฟินประจําตัวที่พิงอยู่ข้างๆขึ้นมาถือมองหน้าเชษฐากับชา ย, ยันสลับกันอยู่อึดใจก็บอกต่ำๆว่ามันพิรุษเสียแล้วหระครับสองคนนี้บอกว่าลงไปพบรอยตีนคนย่าหยุ่กลือนในลำห้วยข้างล่างนี้ เป็นยอยใหม่สงสัยว่าจะตอนที่ฝนตกเมื่อคืนนี้เองรอยตีนคนนายจ้างทั้งสองอุทานออกมาพร้อมกันลืมตาโพงมันจะเป็นไปได้ยังไงคนที่ไหนกันจะมาเดินย่ําอยู่ตอนฝนตกเมื่อคืนและในป่าเขตปรอดมนุษย์ตรงที่เราพักกันอยู่นี่ผมก็สงสัยอยู่ลงไปดูกันเถอะครับพร้อมกับพูดเขาออกเดินดุ่มตัดทางอันเทราสนั้นลงไปทันดีโดยมีบุญคํากับขยินนำเรี่ยวลงไปก่อน ขณะนายจ้างช่วยได้โดยเฟื่อประจำมือตามติดลงไปโดยเร็วโดวยสั่งให้แงซ า, ายกับจันทั้งสองคนดูเฝ้าของและคอยดูไฟหุงหาไม่กี่ชั่วอึดใจทุกคนก็พากันตัดทางด่านแคแบๆลงมาถึงตายลำห้วยตอนหนึ่งซึ่งแยกออกเป็นสองแครขณะนี้น้ำสีแดงขุนข่นคลากรันเกิดจากฝนที่สะไว้ตั้งแต่เมื่อคืนไหลซออผ่านอยู่ริกๆมีระดับลกเพียงแค่ฟุตเดียวทั้งๆที่ฝั่งห้วยกว้างและสูงชันถึง2เมตร แล้วต่างก็พบกับความประหลาดใจขีดสุดพากันยืนงันจ้องลงไปยังพื้นห้วยแ ฉ, ฉะเบื้องร่างมันเป็นพื้นสีแดงลูกกลงังดินร่วนซุยบางแห่งก็เป็นดินเหนียวสิ่งที่บุญคําและขยินรายงานตรงตามจริงทุกอย่างนั่นก็คือเบริเวณพื้นดินก้นห้วยแห่งนั้นมีรอยตีนของอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งควรจะเป็นมนุษย์เดินย่ำอยู่กราดเกลื่อนฝนที่ตกไว้เมื่อคืนนี้เองทําให้ร่องรอยเหล่านั้นปรากฏอยู่อย่างชัดเจน แล้วปีนกระโดดทิ้งย่อดจากฝั่งห้วยลงไปยังเบื้องล่างในทันทีนั้นอีกสามคนก็ปิดตัดตามในเวลาไล่เรียกกันระหว่างที่เชิดฐาและชายยานซุดตัวลงนั่งสำรวจรอยตีนเหล่านั้นอย่างใกล้ชิดพานใหญ่ก็เพ่นข้ามสายทานน้าเล็กๆไปยังอีกฝั่งและไต่รากไม้ขึ้นไปยังฝั่งตรงข้ามบุญคามตามนายขึ้นไปด้วยอึดใจใหญ่ต่อมาทั้งสองจึงย้อนกลับมาที่เดิมอีกครั้งสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยปริศนายิ่งทําให้ทุกคนงงงงหนักขึ้น ได้ร่องรอยอะไรเพิ่มเติมไหมเชษฐาถามมีรอยขึ้นฝั่งทางด้านนี้ประมาณสามรอยครับตัดไปทางด่านด้านใต้แต่ก็ระยะสั้นๆเท่านั้นเพราะพื้นแข็งเป็นหินดานปนกรวดแต่รอยที่ปรากฏอยู่ในลำห้วยนี่มันไม่น้อยกว่าห้าคนทีเดียวชยันว่าว่าแต่ทางฝั่งเรามีรอยบ้างหรือเปล่าเชษฐาเอ่ยต่อมาเร็วเวงยหน้าขึ้นไปยังฝั่งเดิมที่ลงมา ขณะนั้นเองขยินผู้เดินก้มๆเงยๆราวกับหมาร้าเนื้อห่างขึ้นไปทางตอนเหนือของลาห้วยได้มาถึงตําแหน่งที่ต้นไม้ต้นหนึ่งล้มพาดขวางลําห้วยกลายเป็นสะพานข้ามก็ร้องบอกมาอย่างตื่นเต้นว่านายมันตายมาบนต้นไม้นี้ด้วยเชี่ยถาดาลินลชัยยานเพนกลับขึ้นไปยังลาห้วยฝั่งเดิมแล้วตรงเข้าไปยังขยินผู้คลานพังภาพตรวจรอยอยู่บนลาต้นไม้ที่ทอดขวางอยู่นั้นแล้วเพนกับบุญขามก็วิ่งอ้อมมาอีกฝ้าหนึ่ง และถึงด้านปลายของต้นไม้เก่าๆต้นนั้นรอยโคลนสีแดงเป็นเลือดติดอยู่กับลำต้นไม้อันมีลักษณะเป็นสะพานข้ามลำห้วยนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยของมืออันเปื้อนโคลนที่ใช้ตายพยุงตัวไปพอจะสังเกตเห็นได้ถนัดเกิดกับเสยผู้เดินพรานอยู่บนฝั่งห่างตะลิงออกไปก็ให้สัญญาณเรียกทุกคนอีกครั้งที่โคนไม้ใหญ่ต้นหนึ่งห่างจากริมฝั่งห้วยตำแหน่งที่ขยินพบรอยตายต้นไม้ข้ามห้วยออกมา ประมาณ20เมตรรอยตีนชนิดเดียวกันไปย่าเวนเวียนอยู่ที่นั่นโคนที่ติดจากตัวยังมีรอยเปะไว้กับใบไม้แน่าๆใต้โคนต้นและที่ลำต้นตรงโคลนบางแห่งก็มีรอยโคนอย่างเดียวกันนี้ติดอยู่ด้วยแต่จากรอยเท้าที่เห็นเป็นพยานหลักฐานอยู่ยืนยันได้ว่ามีอยู่คนเดียวเท่านั้นรพีนผู้ยืนอึ้งอยู่รพีนผู้ยืนอึ้งอยู่ กลายเป็นเป้ารวมจุดของสายตาในจ้างทั้งสามที่จ้องมาเป็นตาเดียวตอนฝนตกแน่ๆอาคันตุกะลึกลับเหล่านี้เข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆค่ายของเราจำนวนประมาณหถึงสิบคนส่วนมากอาศัยเดินย่ำ ม, มาในรำห้วยคนหนึ่งได้ขึ้นมาหยุดซุ่มดูเราอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นนี้แล้วก็ผ่าไปวิธีไปก็ต่ข้ามต้นไม้ร้มต้นนั้นไปยังฝั่งห้วยโน่นส่วนเจ้าคนอื่นๆหรือตัวอื่นๆ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 อดีตนายทหารปืนใหญ่สันนิษฐานได้ใกล้เคียงความจริงที่สุดเพราะตำแหน่งที่เขาทดลองนั่งนั้นสามารถจะมองเห็นขึ้นไปยังที่พักได้อย่างถนัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนที่ก่อกองไฟและจุดตะเกียงรั่วแขวนปลายไม้ไว้เขาไม่เอ่ยวาจากรไรในขณะนั้นพยายามกวาดสายตาสำรวจไปรอบๆอีกครั้งอย่างละมัวังเห็นจะตอนที่พวกเรานั่งหนาวสั่นหลับๆตื่นๆกันอยู่กันมั้ง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 นักมนุษยวิทยาก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนี่แปลว่ามืดแปดด้านเลยหรือ ว, ว่าเจ้าผู้นี้เป็นพวกไหนย่องเข้ามาดูพวกเราทําไมไหนบอกไว้ยังไงว่ามนุษย์แหล่งสุดท้ายก็คือหล่มช้างแล้วหลักฐานที่เห็นผิดวิกฤอยู่นี่คืออะไรเฮะยน่าชมเสียแล้วผมขอสารภาพว่าไม่อย่างรู้อะไรไปเสียหมดทุกอย่างหรอกครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกินจากล่มช้างที่ผมเคยสํารวจมาแล้วอย่าว่าแต่ผมเลย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 มันหมายถึงชีวิตในความรับผิดชอบของเขาทุกชีวิตอ๋อคุณรู้สึกยินดีหรือมีนักมนุษยวิทยาและแพทย์ติดตามมาด้วยครั้งนี้หล่อนกระแทกเสียงหนั ก, นกๆเพลิดร้อนพอกันฉันเห็นคุณเดือดร้อนใจแทบประดาตายทีเดียวเมื่อนักมนุษยวิทยาและแพทย์คนนี้ขอเดินทางร่วมมาด้วยถ้าคิดกําจัดได้ก็คงจะกําจัดเสียทีเดียวแหละเวลานี้ไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันเชีย่ยวถาขัดเท่าๆ แสดงความไม่พอใจชัดออกมาเป็นครั้งแรกหน้าตึงมองดูหน้าน้องสาวและพลานนาทางสลับกันไปมาหรือ ว, ว่าจะให้รายการอะไรเข้าได้เกี่ยวกับรอยเท้าเหล่านั้นก็บอกเข้าไปน้อยอย่าลืมว่าเราทุกคนอยู่ในเรือลําเดียวกันเรื อ, อลำที่มีกัปตันใหญ่ชื่อระพินเป็นคนถือหางเสือเสียด้วยน้องสาวยักไกรต่อถ้อยคําพี่ชายมาอย่างเยาะเยะก้มลงจุดบุหรี่อัดควันหนักหน่วงแล้วสะบัดหน้าเงยขึ้นพูดเสียงกระด้างต่อมา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 หลอนหัวเราะแหลมสูงยักษ์ไรอีกครั้งแต่เอาละเมื่อต้องการก็จะบอกให้มันเป็นเพียงข้อสันนิษฐานตามหลักของสารมันวินิจฉัยที่คนตา ม, ม่บอ๋ทุกคนควรจะบอได้ทั้งนั้นไม่จาเป็นจะต้องเป็นนักมนุษยวิทย์หรอกเจ้าของรอยเท้าเหล่านี้น้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยจากหลักฐานที่ย่ำพื้นอ่อนไวประมาณ65ถึง70กิโลกรัมส่วนสูงระหว่าง5ฟุตถึงหฟุต10นิ้ว สังเกตจากช่วงที่ต่ายอยู่บนลำต้นไม้ทอดข้ามลำห้วยลักษณะของรอยเท้าที่ปรากฏอยู่แบนหนาพื้นฝ่าเท้ากว้างเสมอกันไม่มีรอยเว้าเป็นท้าลักษณะเดียวกับพวก Primitive หรือพวกป่าเถื่อนประเภทยุคต้นประวัติศาสตร์ทั้งหลายพอใจหรือยังจบประโยคลันเลิกคิ้วถามรัฐพินไม่สนใจอะไรด้วยอีกหลืดลงไปจ้องรอยตีนเหล่านั้นอีกครั้งพร้อมกับปรีตาชา ย, ยันกระซิบมาอย่างเร่าร้อน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 หัวหน้าคณะออกความเห็นเหมือนจะย่างเสียงมาก็เห็นเขาสา่หน้าช้าๆผมก็อยากจะให้มันเป็นข่าตองเหลืองเหมือนกันหลยครับจะได้สบายใจกันได้แต่กลัวจะไม่ใช่สังเกตดูมันมีอะไรผิดแตกไปเป็นตรงกันข้ามจอมพ่านอึ้งไปคู่ก็บอกว่าพวกข่าตองเหลืองเป็นพวกขลาดขี้อายตื่นกลัวอยู่เสมอไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร ท่องเที่ยวหากินย้ายถิ่นของมันไปตามเรื่องเหมือนสัตว์ป่าได้กลิ่นมนุษย์ก็จะหลบหนีเปิดเตงไปไกลทีเดียวไม่ยอมเข้าใกล้กลางคืนเข้านอนกลางวันจึงออกหากินจะไม่ซอกแซกไปไหนในเวาลากลางคืนเลยทีนี้ลองพิจารณาดูเถิดครับดึกสงัดของเมื่อคืนที่แล้วกลางพายุฝนอันน่ากลัวเจ้าพวกนี้ป้วนเปี้ยนเรียบเคียงเข้ามาใกล้ที่พักเราอย่างมีเล็ดในไม่หนำซ้ำํา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 ผมก็ไม่กล้าจะลงความเห็นอย่างไรได้โมตัวที่ใหญ่ที่สุดในโรคเขาก็มีบันทึกไว้แล้วเหมือนกันแต่สถิติที่บันทึกไว้เห็นจะไม่ได้หนึ่งในร้อยของเจ้าสองตัวที่เราเผชิญกันมาแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ถึงเวลาแล้วหรื อ, อยังครับที่เราจะเลิอกอาศัยตำราเสตีเชื่อถากับชา ย, ยานเงียบงานไปทําไมถึงไม่เรียกแงซ า, ายลงมาทัานใดนั้นดาลินก็พองขึ้นมารอยๆและทุกคนก็นึกขึ้นมาได้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 ถ้าแกเคยรู้อะไรมาก่อนเกี่ยวกับรอยตีนประหลาดเหล่านี้แกก็ควรจะง้างปากตัวเองออกมาพลานใหญ่เตือนมาด้วยเสียงห้าวต่ำผมเพียงแต่สังหรณ์เท่านั้นมันอาจผิดก็ได้คำตอบเบาลึกมาจากใบหน้าตายนั้นไม่มีใครว่าแกแม้ว่าแกจะสันนิษฐานผิดแง่ท า, ายแช่ถาพร่องออกมาโดยเร็วแทบจะระ ง, งับความร้อนใจไว้ไม่ได้สางเขียวแง่ส า, ายหลุดปากออกมาแห่แผบ เสียงพวกพานพื้นเมืองทั้งสีและขยินอุทานอะไรออกมาจากลำคอฟังไม่ได้สับหน้าตื่นเลิกลากมองกันอาการของคนเหล่านั้นเต็มไปด้วยความสะดุ้งสะเทือนหรืออย่างน้อยก็ตื่นเต้นหวั่นไหวไปกับประโยคที่หลุดออกมาจากปากของแง่ทรายอันเป็นตรงข้ามกับคณะนายจ้างทั้งสมคนซึ่งไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้มีแต่ความเร่าร้อนงุนงงสางเขียวมันคืออะไรเชษฐาและชา ย, ยันร้องออกมาพร้อมกัน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 ผมก็เคยพบกับพวกมันมาแล้วครั้งหนึ่งทางป่าด้านตะวันออกของแนวรําน้ำสารวินเขตตนนินตายี่ตันเหนือจอมพ่านอึ้งไปอิดใจชา ย, ยานอดรนทนอยู่ไม่ได้ขยับปากขึ้นอีกครั้งแต่เชษฐาผู้เยือกเย็นได้รอบครอบกว่ายกมือขึ้นห้ามไว้เสียก่อนเป็นสัญญาณให้สงบขารู้ดีว่าพลานใหญ่กำลังอยู่ในระหว่างใคร่ครวญหนักสอบถามอะไรแง่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องที่คณะฝ่ายตนยังไม่อาจเข้าใจได้กระจ่างชัดนะัก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 แม้จะจับกระแสความโต้ตอบระหว่างรพินกับแง่ทรายยังไม่ได้ถนัดชัดเจนนักว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้อยคําประโยคหลังของจอมพเนจรก็ทําให้คณะพจญภัยชาวกลุ่มทั้งสามเย็นว่าก็ไปถึงไข่สันหลังยังบอกไม่ถูกดาลินจับแขนพี่ชายบีบแน่นอย่างรืมตัวคงมีแต่เชื้อาเท่านั้นที่ตะแคงหูจับฟังอยู่ในอาการสงบรพินจำเรืองไปทางคณะนายจ้างของเขาแว บ, บหนึ่งแล้วกลับไปจับอยู่ที่แง่ทรายตามเดิมแล้วหลังจากนั้นล่ะ ผมถอยกลับหนีเอาตัวรอดอย่างเร็วที่สุดเท่าที่ความสามารถในการเดินป่าของผมจะอำนวยให้ได้กลางคืนตอกถอยนอยบนยอดไม้สูงกลางวันเลาะลัดดั่มไปอย่างสัตว์ป่ามันได้กลิ่นผมอีกในตอนสายของวันรุ่งขึ้นโอพร้อมสกัดเข้ามาตามวิธีของมันไม่มีนักล่าชนิดใดจะชำนาญในการสะกดแกะลอยเหยื่อได้เท่าสางเขียวเหมือนผู้ผีจะคอยกระซิบนำทางมันตลอดเวลาพอตกเที่ยงผมก็เข้าตาจนหมดทางออก แกรอดมาได้ยังไงแง่สายเปิดดินฟิปากออกไปในลักษณะเสี่ยตาวาวโรดเทียมเกรียมผมตอบการล่าด้วยการล่าแทนที่จะหาทางหนีอย่างเดียวผมทำอุบายหลอกล่อให้มันเข้าทางปืนทีลคนโดยที่มันไม่รู้ตำแหน่งแน่นอนว่าผมอยู่ที่ใดพอพวกมันถูกยิงตายไปทีลคนครบคนที่สี่มันชะงักผมรอดมาได้เพราะปืนจุดสกระบอกนั้นและด้วยกระสุนที่มีติดตูอยู่ไม่เกิน15นัด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 สนุกละสิโวยอดีตนายทหารปืนใหญ่คางสีหน้าปั้นยากหันไปสบตาเชษาผู้ยืนจับปลายคางหัวคิ้วกระมวดจริงหรือแงสทา ย, ายที่เธอเล่ามาให้ฟังนี่ดาลินหันไปกระซิบถามเจ้าคนดงคู่ใจของหล่อนด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยแง่ทา ย, ส า, ยสาบานว่าเป็นความจริงนายหญิงอย่างน้อยที่สุดก็จริงเท่าที่แง่ทา ย, ายได้พบมากับตัวเองคาตอบของอดีตนายทหารกองโจรกะเลียงหนักแน่นมั่นคง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 ดุร้ายอมหิตยิ่งกว่าว้าที่ชอบล่าหัวมนุษย์ป่าเถื่อนกว่าลัว้วมีแต่เพียงหนังสัตว์ปิดกายท่านล่างผมยาวกระเซิงใช้หอกมีดดาบใบใหญ่และธนูชุบยางน่องเป็นอาวุธชอบขุดหลุมบักปักขวางดักคนและสัตว์บางขณะก็ใช้บวงแล้วจันห้าวร่างกายถ่าด้วยน้ำยางจากใบไม้จนเขียวคร้มพอกหน้าด้วยดินขาวร้องเป็นเสียงนกหรือสัตว์ป่าได้เหมือนทุกชนิด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 รปเรีนที่แง่สายบอกว่าได้พบเจ้าพวกนี้ผมเข้าใจว่าจะเป็นดงลึกในรัดกะเลียงด้านเหนือแล้วเจ้าพวกนั้นมันจะเพ่นพานเข้ามาถึงนี่ได้ยังไงดาลินเอ่ยกับเขายังลืมเรื่องขุนเคืองชั่วขณะเพราะความตื่นเต้นต่อสถานการณ์ซึ่งมีอิทธิพลอยู่เหนือเหตุจุกจิกของหัวใจผมขอเรียนให้พวกคุณทั้งสามทราบเสียแต่เดืนี้เลยครับจอมผานกล่าวห้าวยิ้มขึมปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากอันครึมไปด้วยหนวดเข่า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 กำลังจะแทงทะลุขึ้นไปบรรจบกับรัฐกระยาต่อไปก็อาจเป็นแดนของพวกไทยใหญ่ซึ่งท่องสุดแล้วแต่แผนที่ของมังมหานรธาจะชี้ให้สังเกตง่ายๆจากลักษณะของป่าและภูเขาก็จะทราบได้ดีป่าเขตไทยของเราไม่สลับซับซ้อนเหมือนเช่นที่เราเผชิญอยู่นี่เรากำลังบุกบั่นกันอยู่ในดงอันรรับของป่าพม่ า, มาอนาคตจึงเป็นสิ่งที่เดาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนึกไปไม่ถึงเลย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 ไม่เคยสอความระรวลใดๆให้เห็นเลยสักครั้งดาฮารินจำเรืองนิดหนึ่งหล่อนเองก็กําลังมีความรู้สึกเช่นเดียวกับชายยานแต่ไม่ปิดปากเช่นไรมรสุมหัวใจที่คุกคลามหนักมาเมื่อคืนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมาสบกับปัญหาอันทําให้จิตใจไม่ปกติเข้าเชในเช้าวันนี้ทําให้นักผจญภัยสาวเชื้อพระวงศเครียดขึ้ยิ่งขึ้นจะจิตใจเข้มแข็งอาจหารทรหดสักปานใดก็ตามสิ่งที่แงาสายเล่าให้ฟัง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 ส่งแมวมองเข้ามาสำรวจดูกำลังของฝ่ายเราก่อนแล้วพวกส่วนมากก็คอยดักเล่นงานเราที่ใดที่หนึ่งเมื่อโอกาสเป็นของมันรพินยิ้มครับถ้ามันฉลาดก็ต้องเป็นไปในรูปนั้นละ่ะฝ่ายเรานะ่ะต้องพร้อมอยู่เสมอต่อไปนี้จะก้มหน้าก้มตาเดินกันถ่ายเดียวเห็นจะไม่ได้แล้วนะครับคอยระลึกไว้ทุกขณะจิตนะครับว่าทุกฝีก้าวย่างลรตกอยู่ในสายตารู้เห็นของไอ้พวกผีป่าเหล่านี้แล้ว มันอาจปล่อยให้เราเดินทางผ่านไปเฉยๆโดยไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวหรืออาจจะเข้ามาจู่โจมเมื่อไหร่มันกั้มกึ่งกันอยู่เตรียมกายเตรียมใจไว้พร้อมนะครับเหตุการณ์มันอาจเหมือนตอนที่เราประทะกระกองทัพลิงครั้งนั้นก็ได้ถ้าพวกมันมีจํานวนมากเกินกว่าที่คาดไว้แต่ผมไม่อยากจะคิดว่ามันจะกล้าบ้าเลือด ก, กับลูกปืนถึงเพียงนั้นหรอกแงาซายมีปืนเพียงกระบอกเบี้ยกระบอกเดียวยิงมันคว่าไปเพียงสี่คนก็ยังทําให้มันชะงัก เอาตัวรอดมาได้แต่ถ้ามันใช้ยุทธวิธีสายฟ้าแลบจู่โจมพรวดเดียวถึงตัวก็น่าคิดเหมือนกันนะผู้กองแล้ยิงมันไม่ทันแน่นะลําพังปืนแค่สิบกระบอกแต่ส่วนมากก็ล้วนเป็นปืนล่าสัตว์ขนาดหนักทั้งนั้นมีลูกซองเพียงสองกระบอกเท่านั้นปืนสั้นก็มีวงกระสุนจํากัดเพียงแค่หกนัดกว่าจะบรรจุใหม่ก็มีหวังได้เล่นคาราเต้กันบ้างแล้ว ห, หรือไง คำพูดของชัยยันทำให้พรานใหญ่ต้องหัวเราะอีกครั้ง ม, มันก็น่าคิดอย่างผู้พันว่านะเขาตอบยาวๆพลอยมีอารมณ์ขันตามไปด้วยแต่กรณีอย่างที่ว่านั่นมันจะเกิดขึ้นได้ยากมากก่อนที่มันจะบุกเข้าถึงตัวเราในระยะประจันบาลพวกเราจะต้องได้ยินเสียงก่อนแล้วและเตรียมรับมือทันขยินก็ดีแงท า, ายหรือบุญคาก็ดีพวกนี้นะหูผีทั้งนั้น ใบไม้ลั่นแกลกเดียวก็บอกได้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงนั้นคืออะไรอาศัยเป็นเรดาร์ได้ตั้งใจไว้ว่าจะไม่แสดงความคิดเห็นอะไรอีกเลยแต่ดารินก็อดรนทนอยู่ไม่ได้มีปัญหาที่หลอนครุ่นคิดอยู่เรื่องธนูอาบยาพิษนะ่ะมันอาจปริวมาทางที่ใดที่หนึง่งปัก อ, อกหรือหลังใครเข้าสักคนหนึ่งก่อนที่จะทันรู้สึกตัวในกรณีนี้คิดแก้ไขกันไว้แล้วหรือยังละ่ะ หรือว่าจะปล่อยให้มีการตายเกิดขึ้นซักก่อนแล้วค่อยแก้ไขทีหลังพรนใหญ่ชำเลืองไปทางหล่อนนิดหนึ่งแล้วเบนไปทางอื่นซะข้อของใจของดารินมีเหตุผลควรคิดมากเสียกว่าปัญหาของชัยยนันแต่เขาก็มีคำตอบไว้เรียบร้อยแล้วในกรณีที่คนใดคนหนึ่งในคณะนายจ้างถามขึ้นครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีของแก้กันตกทั้งนั้นแหละเมื่อมียาพิษได้ ก็มีสิ่งที่จะแก้ยาพิษได้เหมือนกันในคณะของเรามีนักเลงยางน่องตัวชะกาติดมาด้วยคนหนึ่งเขาช่ำชองดีทั้งการผูกและการแก่แล้วเขาก็ชูมือขึ้นดีดโดยแรงขยินผู้กำลังเตรียมเอาสัมภาระใส่คานหาบคู่กะแงซทายหันหน้ามารพินก็กวักมือเรียกเจ้านักเลงชาวดอยนำร่างอันใหญ่โตเข้ามาทันทีน่ขยิน นายหญิงสงสัยว่ายางนอกของเจ้านามิริดเด็ดยังไงและเมื่อใครถูกเข้าแล้วจะแก้ไขได้ยังไงขยิ่นยิงฟันยิ้มจัดแจงซุดตัวลงนั่งขัดสมาธิกับพื้นปลดไถ่สีมอมอที่มัดแน่นติดกระหลังออกมาแก้ปากไถ่ที่มัดไว้ด้วยเชือกออกลวงมือหยิบเอากล่องไม้รวกขนาดหัวแม่มือยาวประมาณหนึ่งคืบไม้ระกมอัดไว้ทางด้านหนึ่งแทนจุกออกมาวางไว้ตรงหน้า แล้วหยิบเอาหอใบตองแห้งอีก ห, อห่อนึงขึ้นมาคลี่ออกภายในบรรจุสิ่งที่มองดูผัดผาดเหมือนเปลือกหรือรากไม้บางชนิดแต่ทุบแตกเป็นฟอยและอีเออ่อนนุ่มเป็นปุยเหมือนเปลือกตายีมีสีเหลืองอ่อ น, ออนเป็นก้อนขนาดกำมือใหญ่ๆท่านพื้นเมืองทั้งสี่และแง่ทรายก็เข้ามาล้อมวงมุงดูอยู่ด้วยขณะนายจ้างจ้องมองดูขยินอย่างง ง, งไม่เข้าใจว่า เจ้านายบ้านลมช้างกําลังจะทำอะไรก็พอดีกับที่พรานใหญ่บอกมาว่าในกล้องไม้รวกเล็กๆที่ปิดจุกไว้นั่นนะคือยางนองอาวุธประหารสำคัญของพวกชาวเขาและคนดงทั้งหลายส่วนรากไม้ทุบแตกเป็นฝอยปุยๆนั่นเป็นว่านระงับพิกชนิดหนึง่งที่จะใช้แก้กันผมจะให้ขยินทำให้ดูเดี๋ยวนี้ว่าการปฏิบัติการของยางนองมันเป็นยังไงและว่านชนิดนั้น จะแก้ไขได้ยังไงแล้วเขาก็ส่งภาษากับขยินเจ้านักเลงชาวดอยดึงมีดเน็บอันคมกริบออกมาจากเอวกรีดขวับเข้าให้ที่ข้อมือของตนเองเป็นแผลยาวขนาด2เซนติเมตรลึกพอที่จะให้เลือดไหลปรี้ยออกมาแล้วตั้งข้อมือขึ้นปล่อยให้เลือดไหลเป็นทางตามแขนลงมายังข้อพับ พ, พลางยิ้มกลิ่นพยักหน้าส่งภาษาสั่งความไปยังแง่าย อดีตนายทหารกองโจรกระเหี่ยงสุดตัวลงนั่งหยิบหลอดบรรจุยางน่องของขยินที่วางอยู่ตรงหน้าเปิดจุกออกอย่างระมัดระวังใช้ก้านไม้แห้งเล็กๆจิ้มลงไปแล้วดึงขึ้นมาสิ่งที่คณะผจญภัยชาวกรุงมองเห็นติดปลายก้านไม้ขึ้นมาก็คือของเหลวข้นสีดําสนิทชนิดหนึ่งมีความเข้มเหนียวเหลืดลักษณะคล้ายๆน้ำํำยางแม้จะไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ก็บอกได้ในทันทีว่ามันเป็นสีแห่งมรณะโดยแท้แง่ส า, ายขมิน้นมองดูหน้าขยินเหมือนจะไม่แน่ใจเจ้านักเลงใหญ่พยักหน้าร้องสั่งมาด้วยเสียงเฮ่าหนักแน่นอีกครั้งจึงค่อยๆแย่ปลายไม้ติดย่างนอง น, นั้นเข้าไปแตะกับกลุ่มเลือดที่หยดมากองอยู่ตรงข้อพับของขยินท่ามกลางสายตาอันจ้องยังตื่นตะลึงของคณะนายจ้างทั้งสา ทันทีที่ยางน่องสัมผัสกัหยดเลือดมันก็แพรสีสันอันแดงสุดให้กลายเป็นดำคล้ำไปในทันทีแล้วค่อยๆไหลทวนจากข้อพับตามรอยที่เลือดไหลลงมามุ่งขึ้นไปสู่บริเวณข้อมือที่ขณะนี้ตั้งชันขึ้นจุดหมายปลายทางของมันก็คือพุ่งทวนเข้าหาปากแผลมองเห็นได้อย่างถนัดเพราะสีที่คล้ำผิดไปจากเลือดปกติประมาณสองนิ้วก่อนที่จะถึงปากแผล ขยินก็เอาคมมีดกดสกัดกั้นไว้แล้วปาดไล่กลุ่มเลือดที่กลายเป็นพิษด้วยริกยางน่องเหล่านั้นกลับลงไปกองที่พับแขนตามเดิมพอปล่อยมีดออกมันก็ค่อยๆแล่นทวนขึ้นไปอีกโดยอาศัยจากกลุ่มเลือดกลุ่มใหม่ที่เพิ่งไหลจากปากแผลลงมาจรดเป็นทางแล่นขึ้นไปโอ้โหนี่มันถึงขนาดนี่ชัวระแล้ววิ่งทวนเลือดขึ้นไปเลยชัรแล้วนี่ ใช้ ย, ยันร้องออกมาอย่างสยองใจในขณะที่เชิฐากระดารินขนลุกนี่แหละครับเห็นเย่างนี้จะได้เข้าใจว่าฤทธิ์เดชของยางน่องนะ่ะมันเป็นอย่างไงที่ขยินทํำไม่ดูนี่เป็นวิธีทดลองพิษของยางน่องที่ทําขึ้นว่าแรงพอหรือไม่ถ้ามันแรงพอมันก็จะต้องแล่นทวนสายเลือดมุ่งเข้าหาปากแผลอย่างนี้แหละครับพวกนักเลงยางน่องทั้งหลายใช้วิธีทดสอบอย่างนี้ทั้งนั้นแหะ ตายนี่เล่นลองกับตัวเองอย่างนี้เชีวยวเหรอดารินอุทานด้วยความหวาดเสียวพรานใหญ่หัวเราะ อ, อ่าถ้าไม่ลองกับตัวเองแล้วจะลองกับใครล่ะครับพวกนี้เนะี่ยชำนาญมากพอพิษที่ผสมเลือดจะแล่นเข้าไปถึงบาดแผลก็เอามีดกดกั้นไว้อย่างที่เคยยินทําให้ดูนั่นแหละก็เลยวถ้ากั้นไว้ไม่ทันให้มันเข้าถึงปากแผลได้ละ่ะก็ฝังถ้าไม่มียากแก้ทัน ขยินทดลองเล่นกับเจ้ามริตยูร้ายนั้นอยู่สองสามครั้งอย่างชำนาญทมกลางความตื่นเต้นวาดเสียวของคณะนายจ้างและใช้คมมีดปาดสลัดเลือดที่กลายเป็นพิษร้ายเหล่านั้นทิ้งไปทําอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งเลือดกลุ่มใหม่ไหลลงมาแทนที่และไม่มีทีท่าว่าจะย้อนกลับเข้าหาปากแผลอีกพรางพยักหน้าเตือนให้แงาซายเอายางนองแต่อีกครั้งแต่ดารินร้องท่วงโดยเร็ว เดี๋ยวก่อนนี่จะเล่นลองกันจริงๆเหรอถ้าปล่อยให้พิษเข้าบาดแผลแล้วยากแก้ไม่ได้เลยจะว่างไงบ้าแล้วลองกันแบบเอาชีวิตเสี่ยงอย่างงี้ไม่เอาถ้ายินหัวเ ร, ราะร่าไม่ต้องกลัวหรอกครับนายหญิงพิษเข้าแผลนะขยินก็แก้ได้แต่ขยินจะให้ในายหญิงสบายใจไม่ต้องให้เข้าแผลก็ได้ขยินจะเอายาดูดพิษให้ดูข้างนอก ว่าแล้วเจ้าจอมโมแห่งหล่มช้างก็หยิบวัตถุอันเป็นฝอยละเอียดขึ้นมาขยาในกรมือให้บุญคำเอาน้ำในกระบอกเทราจนเปียกชุ่มแล้วบีบน้ำออกเหลือเป็นก้อนหมาดๆฉีกแยกออกจากก้อนใหญ่มาส่วนหนึ่งขนาดเท่าหัวแม่มือถือเตรียมไว้ในมือขวาพยักหน้าเป็นสัญญาณการแงยทรา ย, ายจอมพรเนจรก็แตะก้านไม้ที่ติดยางนองลงกระหยดเลือดที่กองอยู่บนซอกข้อพับแขนอีกครั้ง ค่อยๆแล่นย้อนความชันของลำแขนขึ้นไปเหมือนปลอดที่ถูกไฟรนข้างล่างอีกประมาณสองนิ้วจะเข้าถึงปากแผลขยินก็เอาก้อนยาแตะหมับเข้าให้ที่ปลายของสายเลือดอันอยู่ตรงบริเวณข้อพับอย่างแปลกประหลาดมหัศิจั์ที่สุดรากลเล่นกนเลือดสีคล้ำที่วิ่งทวนขึ้นไปยังปากแผละชงงะงักกึกเหมือนมีอะไรมายึดไว้ต่อมาก็ไหลกลับอย่างรวดเร็ว ดูดซึมเข้าไปในก้อนยาจนหมดสิ้นก้อนยาสีเหลืองก็แปลเป็นดำคล้ำไปในพริตตาขยิ่งใช้ก้อนยานั้นเช็ดเลือดพิษจนเกลี้ยงแล้วโยนทิ้งไปเอาฝ่ามืออีกข้างหนึ่งอุดบริเวณปากแผลไว้ห้ามเลือดพอจะเข้าใจหรื อ, อยังละครับว่ายางนองมีปฏิบัติการของมันยังไงและยาน่ะมีประสิทธิภาพในการดูดพิษได้ยังไง พรานใหญ่หันมากล่าวกับคณะนายจ้างของเขาเบาๆพร้อมกันก็ส่งพลาสเตอร์ให้ขยินปิดแผลเด็ดแท้เด็ดจริงๆหัวหน้าคณะพูดตลอดเวลามองดูอยู่เงียบๆครางออกมาอย่างพอใจตาเป็นประกายมันดูเหมือนจะร้ายกาศศักดิ์สิทธิ์พอๆกันทีเดียวระหว่างยาพิษกับยากแก่ว่าแต่มันจะทันกันเหรอ สังเกตดูเจ้ายางนอกนะมันร้ายแรงเหลือเกิน <fy> น <TC. S 2> ี่ขนาดทางไหลของเลือดนอกบาดแผลแท้ๆและเป็นทางตั้งชันอย่างนั้นมันยังแล่นสวนขึ้นไปได้ลงซึมเข้าบาดแผลมันไม่ได้กระจายพิษร้ายเฉียบพลันเร็วกว่านั้นสักสิบเท่าเลยก็เอาเรื่องทีเดียวแล้วครับแต่ถึงยังไงมันก็ไม่ทําให้ตายในเวลาฉับพลันกระทันหันนักอย่างน้อยก็พอมีเวลาสําหรับการแก้ไขได้ทันถ้าไม่ล่าช้าปล่อยให้สายจนเกินไปนัก ช ย, ยันสูดลมหายใจอย่างปลอดโปร่งขึ้นตกปลยขยินหนักหน่วงแล้วว่าให้มันได้อย่างงี้สิขยินไม่เสียแรงเลยที่มีเจ้ามากับพวกเราด้วยขยินยิงฟันขาวแง่พ่อของขยินเคยฆ่าสางขีวมาแล้วนับสิบคนมันจับแม่ของขยินไปพ่อไปตามกลับมาได้รบกับไอ้พวกผีดิบอยู่สามวันสามคืน มันสู้พ่อขยินไม่ได้ทุยเองเห็นมันกตาเหรอวะบุญคำขัดคอโผล่งออกมาขายินแบกปากขายินยังไม่เกิดเวลานั้นพ่อเล่าให้ฟังขยินพบมันเมื่อไรจะฆ่ามันให้เหมือนกับที่พ่อเคยฆ่าทุยทุยปะโถเอ็งนี่มันก็ดีขี้โมนี่แหละ ว, วะขยิน ข้าวกระดูของเองคงจะหวานกรอบสำหรับพวกมันดีเดียวล่ะพร้อมกระขาดเสื้อสองถุยตาพรานเท่าแห่งเขาอึมครึมใส่คอในบ้านหล่มช้างหัวซุยไปท่ามกลางความคลื้นเครงขึ้นไปครั้งแรกขยินสะบดดาอุบอิบหันมาคอนบุญคำประหลับประเลือกแต่ไม่กล้าสำแดงเดชอะไรเพราะเคยครามริตตาเท่ากระดูกเหล็กมาแล้วแต่ไหนแต่ไรถึงแม้จะแก่ ตัวผอมเล็กเกรงนิดเดียวก็จริงแต่ไม่ว่าจะเป็นป่าล่างป่าบนทั้งสองฝั่งตนาวศรียกเว้นจากระพินไพรวันแล้วไม่มีใครที่จะไม่รู้จักบุญคำซึ่งจัดว่าเป็นพรานอวุโสในด้านอายุและเวทมนต์คาถาอาคมตลอดจนกลเม็ดเด็ดพลายรอบตัวสารพัดก่อนเคลื่อนที่ เชษฐาสั่งให้ทุกคนเตรียมกระสุนสำรองที่ใช้กับปืนประจำมือติดตัวไว้พร้อมที่จะฉิบฉวยขึ้นใช้งานได้ในทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นโดยไม่เสียเวลาไปเปิดกล่องเอาจากคลังกระสุนกลางเป็นการเตรียมกันอย่างเต็มอัตราศึกแล้วก็เรียกพวกที่ทำหน้าที่เป็นลูกหาดทั้งสามคู่เข้ามานัดแนะสั่งการไวล่วงหน้าทันทีที่เกิดเหตุร้ายขึ้น ไม่ต้องห่วงของนะทิ้งหาบเข้าหาที่กำบางก่อนแล้วก็ให้ถือหลักปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไปที่เกิดฉุกเฉินขึ้นทั้งหกรับทราบเข้าใจคำสั่งเขาเป็นอย่างดีภายหลังซักซ้อมกันเป็นที่เข้าใจแล้วเชิภหาก็รู้สึกปลอดโปร่งขึ้นผู้ร่วมคณะทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ทำหน้าที่เป็นลูกหาบทั้งหกล้นวนเป็นบุคคลที่เคยร่วมทีมและรู้ฝีมือจิตใจกันมาเป็นอย่างดีแล้ว จนพอจะมั่นใจได้ว่าวิกฤตการมาถึงเมื่อใดคนเหล่านี้ย่อมรู้หน้าที่ของตนแล ะ, ะเผชิญหน้ารับมือได้อย่างอิสระโดยไม่จำเป็นต้องห่วงกังวลเพราะแต่ละคนเหล่านั้นหาใช่ลูกหาบสามันธรรมดาไม่แท้ที่จริงก็ล้วนมือพรานชั้นยอดเยี่ยมหัวกระเด็นทั้งสิน้นซึ่งชัยยันขนานานามคนเหล่านี้ว่าหกทหารเสือแล้วการเดินทางก็เริ่มขึ้น มุ่งช่องเขาหัวแรงอันเป็นเป้าหมายเดิมฝนเมื่อคืนพรมป่าบนเขาลูกนี้ไว้ชุ่มโดยตลอดทำให้การไต่เขาเป็นไปอย่างลำบากยากเย็นเพราะหนทางลื่นทั้งหมดเคลื่อนที่ไปอย่างระมัดระวงังข้ามฝั่งห้วยที่ปรากฏรอยตีนอันเต็มไปด้วยลับลมของเจ้าพวกผีไพรนักล่ามนุษย์ซึ่งมาป้วนเปลี่ยนอยู่เมื่อตอนหัวรุ่งของคืนที่แล้ว ยึดทางด่านสายใหญ่ตามทิศทางการไปของพวกมันอยู่พักหนึ่งพอรอยตีนเหล่านั้นหายเพราะพื้นแข็งเป็นหินทั้งหมดก็พบตนเองเลียบเลาะไปในระหว่างไหลสูงด้านตะวันตกเฉียงเหนือและเห็นช่องเขาหัวแรงไม่ห่างออกไปเท่าใดนะักตลอดระยะการสำรวจตรวจสอบของทุกคนไม่ปรากฏว่าจะมีร่องรอยของสางเขียวให้ปรากฏ มันอันตรธานไปอย่างปราศจากวิแววป้าหนึ่งจะพากันติดปีกบินหรือมิฉะนั้นก็อาจแยกทางไปเสด้านอื่นคนละด้านกับทีรพินนำตัดมาบรรยากาศของการเดินเต็มไปด้วยความเครียดขึมต่างตื่นพร้อมอยู่ทุกขณะที่เคลื่อนผ่านไปไรเฟิลที่ตามปกติสะพายอยู่กระไลถูกกดลงมากระชับอยู่ในมือตลอดเวลาหลายต่อหลายครั้งพรานใหญ่หยุดชะงัก เหมือนจะดักจับรหัสท่ามกลางความเงียบสงัดของราวป่าอันสลับไปด้วยโตรกตรวยชะงอนหินแล้วก็ออกเคลื่อนที่ยังเบากริบต่อไปคณะนายจ้างที่เว้นระยะประมาณยี่สิบหลาเดินเกาะมูกันไปตามเบื้องหลังย่อมจะสังเกตเห็นว่าพระนนำทางใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเมื่อทิศทางที่จะผ่านไปเบื้องหน้านั้นเป็นภูมิประเทศอันไม่น่าไว้วางใจ เขาตรวจดูตามพื้นดินก้อนหินและ ต, ต้นไม้อยู่บ่อยครั้งทมกลางความอึดอัดหายใจไม่ทั่วท้องของคณะชาวกรุงทั้งสามซึ่งเราไม่ถูกว่ามาหาภัยจะจู่โจมเข้ามาในรูปใดเมื่อไรประสาทตึงเครียดไปหมดบางสิ่งบางอย่างที่กดบังคับความรู้สึกของแต่ละคนอันไม่อาจกล่าวได้ถูกนี้ทำให้ต่างเดินไปอย่างเงียบเชียบ ไม่มีใครปริปากพูดคำใดกันเลยแม้แต่ชา ย, ยันผู้เคยมินิสัยช่างคุยนอกจากพึ่งดงตัวขนาดเขื่องกว่าหัวแม่มือซึ่งมักจะบินหึงป้วนเปลี่ยนเข้ามาใกล้แล้วไม่มีสัตว์ชนิดใดปรากฏร่องรอยให้เห็นแม้กระทั่งนกที่ตามปกติแล้วไม่เคยขาดเสียงแม้จะไม่เห็นตัวตลอดเวลาสองชั่วโมงเต็มๆพอขึ้นชั่วโมงที่สาม เข็มนาฬิกาข้อมือของเชษฐาชี้บอกเวลา10บนาฬิกาเศษเล็กน้อยหนทางก็เริ่มบ่ายลงหุบซึ่งเป็นแนวติดต่อกับช่องเขาหัวแรงที่มองเห็นอยู่เบื้องหน้าไม่นานนักสภาพของป่าก็เริ่มแน่นทึบขึ้นอีกพื้นดินแห้งแข็งแสดงว่าฝนไม่ได้ตกมาถึงบริเวณนี้ท่านใดนั้นระพินผู้แวกกิ่งไม้ซอกซอนนาไปเบื้องหน้าก็หยุดชะงักนิ่งอยู่ที่ก้อนหินใหญ่ลูกหนึ่ง หินลูกนั้นจับเต็มไปด้วยตะไคร่และเฟินแลดูเป็นพุ่มเชอุ่มเขียวต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งถูกพายุถอนรากเองทับแล้วคาอยู่ในลักษณะนั้นมานานนมมีกล้วยป่าขึ้นอยู่ปราปลายสลับไปกับมัไฟที่ออกลูกดกเป็นช่อสีแดงพืชลานตาสอดแซมไปด้วยลูกไข่น่าลักษณะของพรานใหญ่ที่ก้มก้มเงยเงยอยู่ยังบริเวณ น, นั้นเหมือนจะสะดุดใจในบางสิ่งบางอย่าง เชิถากับชั ย, ยันก็เคลื่อนตามเข้ามาถึงภายในไม่กี่อึดใจต่อมาโดยมีดารินพูดแทบจะหมดกําลังด้วยความอิดโรยอ่อนเปรี้ยวโผเผยเข้ามาสมทบเป็นคนที่สามมาไฟป่าเหรอขอแห้งเป็นผงอย่างนี้มันคงเข้าทีอยู่เหมือนกันนะชั ย, ยันกระซิบหอบหอบเอ็นตัวพิงกับก้อนหินใหญ่พักเอาแรงครับนั่นมันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกัน แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นยังมีอะไรแทนคําตอบระพินบุ้ยปากไปยังที่ใต้เพิงหินซึ่งบัดนี้เขายืนหยุดตรงหน้าบังมุมชา ย, ยันและเชิฐถาซึ่งหยุดยืนกันอยู่อีกด้านหนึ่งหัวหน้าคณะก้าวสวบจากที่เก่าไปยืนเคียงข้างพรานใหญ่ทันทีพุ่งสายตาลงไปยังตำแหน่งที่เขาชี้บอกชา ย, ยันกระดารินก็ตามติดเข้าไปด้วยความสงสัย แล้วทั้งหมดก็พากันยืนงันไปด้วยความพิสวงครามครันใต้เพิงหินอันมีลำต้นไม้ใหญ่หักพาดคร่อมทับไว้อีกทีหนึ่งนั้นมีลักษณะคล้ายๆห้องคูหาเนื้อที่ประมาณห้าหตารางเมตรพื้นปูไว้ด้วยใบยตองแห้งเหมือนสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งมาทำเป็นรังนอนไว้นอกจากใบตองแห้งที่ปูพื้น ไม่มีต้นไม้หรือสิ่งรกรุงรังอันเป็นสภาพพื้นป่าโดยปกติให้เห็นเลยตรงตำแหน่งปากเพิงที่ระพินยืนอยู่มีรอยก่อไฟกกเก่าและกระดูกสัตว์เล็กประเภทนกหรือกระจงทิ้งอยู่กราดเกลือ่อนพื้นใบตองแห้งที่ปูไว้มีรอยนอนลำต้นไม้ที่ล้มพาดแทนหลังคาส่วนหนึ่งก็มีรอยของคมมีดถาดริมก้อนหินด้านซ้ายมือ ด้านนอกของบริเวณใต้เวงออกมาไม้ท่อนขนาดข้อมือกลมและตรงแนวมีรอยถากตบแต่งไว้ยาวประมาณวาเศษตั้งพิงอยู่มันไม่ได้เป็นกิ่งไม้ตามธรรมชาติหากแต่ถูกตัดและเหลาเอาไว้เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ถ้าไม่ใช่พรองก็แทนด้ามหอกภายหลังจากสำรวจอึดใจเดียวทั้งสามก็สามารถบอกได้ทันทีว่ามันเป็นที่พัก หรือมิฉะนั้นก็รังของมนุษย์ประเภทหนึ่งไม่ใช่สัตว์แน่นอนแม้ว่าการเป็นอยู่จะใกล้เคียงกับสัตว์ที่พักนอนของไอ้พวกสางเขวเหรอชื่อพระวงหนุ่มใหญ่หัวหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นแผวต่ำกว่าตาไปรอบๆไม่ใช่หรอกครับลักษณะแบบนี้เป็นรังนอนของพวกมาราบรีมาราบรี ชัยันขมวดคิ้วอุทานงงงงไม่เข้าใจความหมายดารินหันขวับไปมองตาพรานใหญ่โดยเร็วหมายถึงพวกตองเหลืองเหรอระพินก้มหัวลงนิดหนึ่งมองตอบหลอนอย่างประหลาดใจแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าราชสกุลสาวผู้นี้เป็นนักศึกษามนุษยวิทยาอย่างน้อยหล่อนก็คงจะรู้จักคนดงเผ่านี่มาบ้างตามสมควรตามตำรา ผิดกระชา ย, ยันและเชิดถาผู้ไม่สามารถเข้าใจได้เมื่อเขาเอ่ยคําว่ามาราบรีออกมาพี่ชายมองดูหน้าน้องสาวหมายความว่ายังไงกัดมาราบรีตองเหลืองแล้วมันเกี่ยวกันยังไงก็ผีตองเหลืองนั่นละค่ะพวกนี้จะเรียกตัวเองว่ามาราบรีแปลว่าคนป่าแต่พวกเราจะเรียกเขาว่าผีตองเหลืองแต่ลาวเรียกว่าขาตองเหลือง แต่เอ๊เท่าที่รู้ทินของพวกตองเหลืองอยู่แถวป่าเมืองน่านแพร่แล้วก็เชียงรายเท่านั้นไม่ใช่เหรอไอ้จะกระเซ็นกระสายมาถึงภากนี้ได้ยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่อยากจะให้คําตอบอย่างเดียวกับที่แง่ทรายตอบมาแล้วเมื่อผม ถ, มถามถึงพวกสางเขียวคําตอบของแง่ทรายก็คือป่าเขาเนะี่ยมันมีเขตแดนติดต่อถึงกันหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกตองเหลืองเป็นเผ่าพเนจรร่อนเร่ ชอบย้ายถิ่นไปเรื่อยๆอยู่แล้วหลักฐานที่เห็นอยู่นี่ผมมั่นใจว่าต้องเป็นพวกตองเหลืองมันหมายถึงว่ามีพวกนี้ป้วนเปลี่ยนอยู่แถวนี้ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าจะให้แน่นอนก็ต้องบุญคำแล้วเขาก็หันไปทางพวกลูกหาที่แหวกรกตามเข้ามาถึงทีหลังกวักมือเรียกบุญคำเข้ามาพลางชี้ให้ดูในเพิงใต้หินนั้นตาพรานเท่าพอมองเห็นก็ตาลุกมาราบรีแกร้องออกมาเบาๆ ตรวจให้ละเอียดสิกลุ่มนี้มีกี่คนยังอาศัยเป็นที่นอนอยู่หรือย้ายไปแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่จอมพรานสั่งคนของเขาบุญคําสุดตัวลงพลันเข้าไปสํารวจใต้พืงนั้นอย่างละเอียดใช้จมูกสูดกลิ่นดมไปรอบๆ บ, บริเวณอย่างชํานาญแล้วเล่นออกมาตรวจตราบริเวณรอบๆพักใจก็เดินหน้าตื่นขึ้นมาพวกนี้มีอยู่เจ็ดแปดคนนาย มันพละรังนอนย้ายถิ่นอย่างกะทันหันเมื่อสามวันที่แล้วมานเองคงจะตกใจกลัวอะไรสักอย่างแน่ๆหาไม่คงไม่พผุนพลันแล่นหนีทิ้งรังไปอย่างนี้หรอกคณะนายจ้างกับพรานใหญ่แลตากันตกใจกลัวอะไรสักอย่างพละหนีไปอย่างกะทันหันเชิดาพึมพ์ตามคําของบุญคํากัดริมปีปากคําตอบ เราก็ดูเหมือนจะรู้กันอยู่ทุกคนแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อได้หลักฐานแบบนี้ระพียังยืนนิ่งชายันหันไปทางสหายของเขากระซิบไอ้พวกผีดิบสางเขียวละกระมังที่ทำให้ขาตองเหลืองพวกนี้กระเจิงไปหัวหน้าคณะปาดแขนซึ่งเช็ดขึ้นเช็ดเหงื่อบนหน้าผากหรือใครมีข้อสันนิษฐานที่ดีไปกว่านี้ล่ะอ่ะช่วยคิดกันหน่อยสิพรานใหญ่หันมาทางขยิน ผู้กำลังหยิบไม้ท่อนกลมยาวที่พิงอยู่ปากเพลิงขึ้นมาพิจารณาเจ้าลมช้างท่องเที่ยวในปา่าละแวกนี้มาแต่เกิดเคยพบเห็นพวกมาราปรีในแถวนี้บ้างหรือไม่ขยินมองลงไปยังแหล่งพักนอนแปลกประหลาดนั้นอีกครั้งในชีวิตห้าสิบปีของขยินเคยพบมาราปรีสามครั้งพล่ออกจากดงเข้าไปในหมู่บ้านลมช้างของขยิน ไปกันคราวละเจ็ดแปดคนเป็นชายทั้งสิ้นเอาเสือกกระบุงตะกรา้ากระหนังสัตว์เข้าไปขอแลกกัเหล็กสำหรับทำใบหอกใบดาบได้ของแลกแล้วก็หายกลับเข้าดงไปขยินออกตามสะกดหลังมันแต่มันหายเร็วเหมือนผีไม่เคยพบพวกมันในดงเลยไม่เคยได้ร่องรอยอะไรของมันแม้แต่ที่พักนอนก็เพิ่งมาเห็นเดี๋ยวนี้แหละแล้วครั้งสุดท้ายเจ้าเคยพบเมื่อไหรล่ล่ะ ในบ้านลมช้างทำหน้าคิดก็ราวๆสี่ปีมาแล้วลรวพินมองไปยังเชิดาถ้างั้นเห็นจะไม่มีปัญหาอีกแล้วละครับคุณชายรังที่เราพบนี่เป็นพวกตองเหลืองแน่แนการที่พวกนี้เคยเข้าไปในหมู่บ้านลมช้างตามที่ขยินบอกก็แสดงอยู่แล้วว่าแถบนี้นะมีคนดงพวกนี้เคยท่องเที่ยวอยู่ไปมาแล้วอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วขาตองเหลืองเป็นคนดงที่ล้าหลังที่สุด ในบรรดาชาวเขาทั้งหลายเท่าที่เรารู้จักการเป็นอยู่ก็ลึกลับแอ บ, แอบแอบซ่อนซ่อนเหมือนพวกสัตว์ป่าไม่ได้รวมกลุ่มกันเป็นนิคมหรือหมู่บ้านอย่างพวกชาวเขาเผ่าอื่นๆเร่ร่อนซอกซอนไปเรื่อยๆตามฤดูกาลจำนวนคนก็มีไม่มากนะักแต่ฉานส่านเซนกระจัดกระจายอยู่ในป่าดงทั่วไปแต่ก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครอุปนิสัย ใ, ใจคอก็ไม่ใช่พวกดุร้าย เหี้มโหดอะไรนักไอ้เจ้าขยินของเรานี่ยังดูจะดุซะกว่าซะอีกรูปการที่เราเห็นอยู่นี่ก็คงเป็นอย่างที่คุณชายว่านั่นแหละครับเแต่พวกคนดงที่น่าสมเพชเหล่านี้ก็คงจะถูกภัยอะไรสักอย่างนึงรบกวนรังควานใชแล้วไอ้พวกสางขิยวจะต้องเห็นพวกนี้เป็นสัตว์ล่าที่แสนโอชะทีเดียวสางเขิยวมีอํานาจอิทธิพลอยู่เหนือกว่าไม่ผิดอะไรกระเสือและกวาง เท่าที่ผมเคยเห็นพวกตองเหลืองยังเก่งก็มีเพียงมีดกรหอกเป็นอาวุธเท่านั้นกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็มีจำนวนคนไม่มากนะักและก็ไม่ใช่นักต่อสู้ที่กล้าหาญมีไหวพริบอะไรเลยก็แค่ขุดผักหายาจับสัตว์เล็กกินเป็นอาหารไปวันวันหนึ่งเท่านั้นกาลังจะสูญพันธุ์หมดเผ่าไปทุกวันแล้วชายันนิ่งคิดอะไรอยู่ครู่ก็เอ่ยอย่างระมัดระวัง นั่นนะ่ะเป็นข้อสันนิษฐานเมื่อเราลงความเห็นว่ามีเจ้าพวกผีดิบที่เรียกกันว่าสางเขียวบวนเปียนอยู่ในละแวกนี้แต่ขอความแน่ใจจากคุณอีกครั้งเถอะนะปูกก้กอคุณแน่ใจเหรอว่ารอยเท้าที่เราเห็นจะไม่ใช่รอยของพวกตองเหลืองในเมื่อเราก็รู้ชัดกันออกไปเดี๋ยวนี้แล้วว่ามีตองเหลืองอยู่แถวนี้เฉพาะแค่รอยเท้านะ่ะผมก็บอกไม่ได้หรอกครับ ว่ามันจะเป็นพวกไหนแน่แต่พฤติการนะ่ะมันไม่ใช่พวกตองเหลืองอย่างที่เรียนแล้วและพฤติการเช่นนี้มันไปประมวลสอดคล้องได้กับคำบอกเล่าของแง่รายอีกอย่างหนึ่งร่องรอยการผลัะหนีตเตลิดเปิดเปิงของพวกตองเหลืองก็ดูเหมือนจะยิ่งยืนยันให้เราแน่ใจขึ้นอีกผมรู้ฉันชาตยานอุปนิสัยใจคอและการเป็นอยู่ของพวกตองเหลืองดีพอสมควรแต่เจ้ามนุษย์กินคนที่แง่ายบอกนี่ ยังไม่เคยรู้จักนอกจากได้ยินคำบอกเล่าอันเลื่อนลอยเท่านั้นและครับ